ตอนที่หนึ่งหน่วยล่าสังหารชุดดาวเหนือหนึ่งในจํานวนอีกหลายๆชุดที่กองทัพ บ, บกจัดตั้งขึ้นมาและมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของกองทัพภาคที่สองส่วนหนาในการควบคุมบังคับบัญชาหน่วยล่าสังหารที่ปกติจะมีหน้าที่ในการปราบปรามผู้ก่อการหลายคอมมิวนิสต์โดยตรงและถูกรูปแบบในเขตภาคอีสานหรือ ใ, ใกล้เคียงทั้งนี้แล้วแต่ความเห็นชอบของฝ่ายยุทธการของกองทับที่จะเป็นผู้กําหนดการปฏิบัติการในทุกครั้งนั้น จะถือว่าการปฏิบัติการในประเทศเป็นหลักหรืออาจจะมีล้ำออกไปนอกประเทศบ้างโดยเฉพาะการล้ำเข้าไปในเขตประเทศลาวก็จะเป็นเพียงครั้งคราวในลักษณะของลูกติดพันเท่านั้นทั้งนี้และทั้งนั้นต้องรามาระวังในเรื่องของการลุกล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านด้วยแต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติการแบบลูกติดพันนี้มักจะมีไม่บ่อยครั้งนักเกิดถึงมีก็ไม่เคยมีปัญหาที่ยุ่งยากจากสถานการณ์การรบพุ่งที่มีฝ่ายคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายตรงข้ามนั้น ฝ่ายโลกเสรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีไทยเหลา่าเขมรและเวียดนามต้เป็นเป้าหมายหลักซึ่งแน่นอนที่ฝ่ายโลกเสรีก็มีประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันให้การสนับสนุนโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นหัวเรือใหญ่บรรดาประเทศต่างๆที่ให้การช่วยเหลือเข้าร่วมรบในครั้งนั้นกองทัพไทยก็จัดว่าเป็นหนึ่งในจำนวนทั้งหมดด้วยเป็นที่รู้กันทั่วแล้วว่าอันกองทัพสหรัฐอเมริกานั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งในเรื่องของการกำหนดนโยบาย กำหนดเป้าหมายกำหนดยุทธศาสตร์กำหนดยุทธวิธีรวมทั้งการสนับสนุนก็คือ CIA นั่นเองหน่วยล่าสังหารจากกองทัพไทยได้รับการติดต่อจากหน่วยงานที่ปฏิบัติการในลาวหรือ CIA โดยผ่านทางกองทัพภาคที่สองส่ว น, นาชุดดาวเหนือที่มีจ่าดาวเหนือเป็นหัวหน้าชุดกับการปฏิบัติการนอกประเทศคราวนี้จะได้รับการสนับสนุนในทุกๆเรื่องรวมทั้งเงินที่เป็นทั้งไรายได้ประจํา และรายได้พิเศษที่เปรียบเสมือนค่าคอมมิชชันซึ่งจะจ่ายให้เป็นรายการต่างหากสำหรับแต่และภารกิจอีกด้วยทั้งนี้จะมากหรือน้อยย่อมขึ้นกับความเสี่ยงที่ต้องมีชีวิตเป็นเดิมพันดังนั้นการปฏิบัติการเช่นนี้นักล่าสังหารจึงกลายเป็นนักล่ารับจ้างนั่นเองตามปกติแล้วพวกล่าสังหารที่ลบภายในประเทศจะมีรายได้แค่เงินเดือนประจํากับเบี้ยเลี้ยงรายวันทําการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพัน โอกาสตายโอกาสพิการมีเท่าเท่ากันหรืออาจจะมากกว่าแต่การไปเป็นนักลบรับจ้างคราวนี้มีไรายได้ที่มากกว่าหลายเท่าตัวนักเช่นเงินเดือนประจําต้นสังกัดก็ยังได้รับตามปกติเบี้ยเลี้ยงรายวันที่เคยได้รับวันละสาบาทนั้นตัดออกเดี๋ยวไปรับจากหน่วยงานใหม่ที่จ่ายเป็นดอลลาร์วันละยีดอลลาร์นี่ยังไม่รวมเงินประกันชีวิตที่จะได้รับเมื่อเกิดการเสรียชีวิตหรือพิกลพิการในวงเงิน 10,000 ดอลลาร์ รวมทั้งเงินพิเศษสําหรับแต่ละภารกิจที่ต้องทําการตกลงเป็นครั้งคราวต่างหากนอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษที่ไดจากการสู้รบในต่างประเทศเช่นเรียนพิทักษ์เสรีชนเรียนชายสมรภูมิเรียนชายแดนสิทธิ์ในการคิดวันรับราชการทวีคูณซึ่งจะมีผลอย่างมากเมื่อออกจากราชการและที่สําคัญที่สุดก็คือพอสอรอที่เป็นเงินเพิ่มจากเงินเดือนที่ได้รับในทุกๆเดือนสรุปแล้วการรบนอกประเทศมันมีสิ่งตอบแทนมากกว่าการรบในประเทศมากหนัก ลองแบบนี้แล้วมีเหรือที่นักล่าสังหารจะไม่ยอมรับกับการเป็นนักล่ารับจ้างไม่ใช่ว่าเงินหรือสิทธิพิเศษที่มากมายเหล่านี้เป็นตัวผลักดันให้ชุดปฏิบัติการดาวเหนือต้องละทิ้งภารกิจเพื่อมาตุภูมิบนแผ่นดินเกิดแต่อย่างใดจากอุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการปราบปรามคอมมิวนิสนั้นคิดอยู่ว่าภารกิจใหม่นี้ก็ถือเป็นการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เหมือนกันทั้งนี้และทั้งนั้นคอมมิวนิสต์ภายในประเทศหรือคอมมิวนิสต์นอกประเทศ ต่างก็มีสายสัมพันธ์ในการสนับสนุนซึ่งการรักกันอย่างแน่นแฟนถ้าคอมมิวนิสต์นอกประเทศหมดไปก็เชื่อได้ว่าคอมมิวนิสต์ในประเทศก็อยู่ไม่ได้นั่นคือการปฏิบัติการแบบที่เรียกได้ว่าตัดลากแก้วของไม้ใหญ่นั่นเองภายในห้องยุทธการที่เป็นอาคารหลังหนึ่งในจํานวนอาคารมากมายที่อยู่ภายในอาณาบริเวณของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศเหลา่าในห้องที่มีความกว้างขนาด10คณ25เมตรพร้อมด้วยเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ช่วยให้อากาศในเดือนเมษายน กลายเป็นอากาศในเดือนธันวาคมหรือเดือนมกราคมไปได้ห้องนั้นได้รับการก่อสร้างให้ระบบการป้องกันเสียงทั้งจากภายในและภายนอกดีเป็นเลิศแม้แต่เสียงเฮลิคอปเตอร์ที่ดังปานฟ้าถล่มเมื่อก่อนเหินขึ้นสู่อากาศก็ยังไม่สามารถแทรกเข้ามาได้นี่เป็นเพียงบางส่วนที่เรียกว่าความสุขสบายในการรบการรบที่เป็นการรบแบบเศรษฐีอเมริกันอุปกรณ์การรบที่มีอยู่ในห้องยุทธการที่เป็นหลักก็คือแผนที่ซึ่งในห้องนั้นมีมากมายจนเต็มไปหมด ชนิดแบบแบนที่ติดอยู่กับฝาผนังครบทั้ง4ด้านตั้งแต่มาตราส่วน1ต่อ 20,005 สำหรับการปฏิบัติการของหน่วยทหารขนาดเล็กจนถึงมาตราส่วน1ต่อ4ล้านที่ใช้สำหรับการวางแผนของฝ่ายเสนาธิการแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือแผนที่แบบโซ่ส่งที่เรียกว่าแบบโมเสสขนาดกว้าง3 5ู5เมตรวางอยู่บนโต๊ะที่มุมด้านท้ายห้องแผ่นที่แผ่นนั้นทําด้วยพลาสติกที่ไม่หนามากนัก รายละเอียดบนนั้นถูกอัดให้นูนขึ้นมาหรือให้เป็นหลุมลึกลงไปทั้งนี้ตามแต่ลักษณะที่เป็นจริงในแต่ละภูมิประเทศดังนั้นจึงสามารถมองเห็นได้ทันทีว่าภูเขาลูกไหนสูงที่สุดต่ําที่สุดหรือตรงไหนที่เป็นห้วยหนองคลองบึงมีความลึกมากน้อยเท่าใดสีสันที่ระบายลงไปเห็นแล้วก็เข้าใจได้ทันทีบริเวณไหนเป็นป่าทึบทึบมากทึบน้อยหรือป่าโปร่งแม้แต่ที่เป็นทุ่งนาราบเตียนลงถนนหนทางบ้านเรือน รวมถึงสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดทําให้คนที่มีอาชีพที่ต้องใช้แผนที่เมื่อเห็นแล้วอยากจะนํามันไปในภารกิจด้วยแต่ก็จนปัญญาที่จะนําพาไปได้เพราะมันพับไม่ได้นั่นเองเวลานี้คน20คนที่ถูกเรียกว่านักล่าสังหารที่อยู่ในคราบบัตรนี้กลุ่มคนที่ถูกเรียกว่านักล่าสังหารที่อยู่ในคราบของนักล่ารับจ้าง กำลังสนใจอยู่กับอุปกรณ์การลบประเภทแผนที่อยู่อย่างให้ความสนหกสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะแผนที่ส้วมท่งบนโต๊ะนั้นพวกเขาในชุดแต่งกายสีดําสนิท ต, ตั้งแต่หัวจลดเท้าผมเผาหนวดคราวลุงลังเพไม่สนใจที่จะตัดหรือแต่งมาเป็นเวลาหลายเดือนบางคนที่ลาคาญผมเผาต้องปกปิ้วตามใบหน้าจึงต้องใช้ผ้าคาดหน้าผากกันเอาไว้ทําให้ใบหน้านั้นเหี่ยมเกลี่ยขึ้นไปอีกแม้จะพยายามหยิ้มเพื่อให้เกิดความอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วก็ตาม ดูยังไงยังไงมันก็ยังน่ากลัวอยู่นั่นเองดูเหมือนจะเป็นความพึงพอใจของคนที่ทําเสร็ดด้วยซ้าจ่าดาวเหนือที่เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการกับจ่ายุทธพงศ์คนที่เป็นรองหัวหน้าไม่ได้สนใจกับสิ่งที่อยู่รอบตัวนันหนักทั้งคู่นั่งจิบกาแฟสุบูรี่อยู่เงี ย, ง ย, งยบๆที่หน้าห้องสายตาจับจ้องอยู่กับภาพของฝ่ายเสนาธิการน่วยทห า, ารสหรัฐอเมริกาที่ติดอยู่ที่ข้างฝาอย่างไร้ความหมายเป็นการมองแบบที่เรียกว่าไม่รู้จะเอาสายตาไปวางไว้ที่ไหนเสียมากกว่า เพราะมองดูก็รู้แต่เพียงว่านั่นคือรูปคนคนหนึ่งที่อยู่บนโลกใบนี้เท่านั้นมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปรู้อะไรตอมีอะไรให้ลกสมองพี่รู้ไหมมันมีงานอะไรพวกเราทํากันอีกจายุทธพงศ์เป็นคนถามขึ้นหลังจากที่เงียบกันมานานไม่รู้เรื่องเลยว่ายุทธแต่ผมว่าต้องมีงานใหญ่อีกแน่เลยพี่จาดาวเหนือหัวเราะเบาๆในลําคอก่อนที่จะตอบก็ดีสิวะงานยิ่งใหญ่เงินก็ยิ่งมากหรือมึงว่าไงนบครับพี่ไอ้นบ เลื่อดทหารม้าจากเมืองย่าโมตอบทันทีด้วยแววตาเป็นประกายโลดเมื่อได้ยินคําว่าเงินแล้วเดินผ่าจากแผ่นที่แบบโมเสกแผ่นนั้นมาที่หัวหน้าชุดเหมือนมีอะไรจะคุยด้วยพี่เมื่อคืนนี้สอนทองว่าไงบ้างไอ้นพถามขึ้นก่อนที่จะนั่งลงความจริงแล้วในการมาปฏิบัติการเป็นนักล่ารับจ้างครั้งนี้ชุดปฏิบัติการชุดนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากเสนาธิการกองทัพภาคภูมีรหัสว่าสอนทองการปฏิบัติการทุกอย่างทั้งก่อนการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ สำเร็จหรือล้มเหลวรวมทั้งอัตราค่าจ้างที่ทางหน่วยงานนี้จ่ายให้ทุกอย่างต้องรายงานให้สอนทองทราบนั่นคือหน่วยบังคับบัญชาที่เป็นต้นสังกัดที่แท้จริงจะได้มีโอกาสา ร, รับรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆด้วยท่านบอกให้ส่งมึงกลับกลับไปรับจ้างเข้าเวินที่หน่วยเดิมของมึงนั่นแหละโธ่พี่ไม่เคยเลยเรื่องรับจ้างเข้าวงเขเว้วินน่ะก็ไม่รู้จะอ่ำลูกน้องเรื่องอะไรจากดาวเหนือก็เลยว่าเรื่องเก่าๆที่ทุกคนแสนจะเบื่อหน่ายให้ฟังทุกคนรู้ดีว่าเวียามตามกองร้อยนั้น หน้าที่หลักก็คือการแสดงความเคารพเมื่อผู้บังคับบัญชาผ่านส่วนการที่จะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามภารกิจนั้นดูออกจะเป็นรองเพราะถ้าสังเกตดูดีๆจะเห็นได้ว่าเวรยามจะต้องมีตรงจุดที่กำหนดให้เท่านั้นและจุดนั้นจะต้องเป็นจุดที่เด่นมองเห็นได้ในระยะไกลอีกด้วยคนที่เป็นเวรยามจึงไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาทำร้ายแต่คนที่จะมาทำร้ายก็คือผู้บังคับบัญชานั่นเองไม่รู้ว่านพมันอยากรู้อะไรนักหนา ต้หันไปถามทั้งไอ้พอรอีกทีเพื่อให้ได้คําตอบพอรเมื่อคืนสอนทองว่าไงบ้างวะไอ้พอรตำแหน่งพลวิทยุหันมายิ้มก่อนที่จะตอบท่านบอกให้มึงมาเป็นพลวิทยุแทนกูโถไอเ้เพลสในการปฏิบัติการลบนั้นคนที่เป็นเป้าหมายอันดับแรกคือหัวหน้าชุดกับพลวิทยุเพราะสองคนนี้คือตัวสําคัญของชุดพลวิทยุนั้นนอกจากตัวเองจะต้องตกเป็นเป้าแล้ววิทยุที่ติดหลังอยู่ยังทําให้ตัวเองต้องเชื่องช้าขนาดเคลื่อนที่อีกด้วย แต่ไอพอนจำเป็นต้องรับงานนี้เพราะมันได้รับการบรรจุในตําแหน่งพ้นวิทยุตามที่มันเป็นทหารเล่าสื่อสารอย่างที่เรียกว่าไม่มีทางบิดผิวได้เลยเป็นอันว่าไอโนกไม่ได้ข่าวอะไรเลยแม้จะถามใครก็ตามถามให้หมดทุกคนสิเดี๋ยวมึงก็รู้เองแหละจ่ายุทธพง์เป็นคนแนะนําไม่เอาพี่ขี้เกียจโดนอัมอ่ะไอพงษ์นี้เปิดช่องว่างเมื่อไหร่เป็นอําแหลกไม่มีใครพูดอะไรอีกเพราะมวดแต่ขําขันในคําตอบของไอโนบ แล้วทุกคนต่างก็กลับมานั่งรวมกันอีกครั้งหลังจากที่หมดความสนใจในของเล่นใหม่พี่คืนนี้ออกลาดไหนดีไอชาติจอมทะลึงทหารราบจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษไทมท์พิจ่ายุทธพงศ์แล้วมึงว่าไงที่ไหนดีผมไม่เห็นที่ไหนมันจะดีเลยพี่ที่ไหนไหนก็งั้นงมันเป็นอย่างนั้นไปหมดไอชาติ ต, ตอบออกมาเรากบว่าตัวเองเป็นนักเที่ยวชั้นเซียนทั้งๆที่มันเองกว่าจะออกไปได้แต่ละครั้งต้องรอเวลาเป็นเดือนจากดาวเหนือกลับยิ้มด้วยความอินดูและรักใคร ระวังเธอเมืองหนองในแดดเข้าจะลําบากในป่าในเขาไม่มียารักษานะเวย้ยไม่หรอกพี่ผมใส่เสื้อกลอกทุกครั้งลายคนหวัวเราะในท่าทางดึงดั่งแกมทะเลนของไอชาติถุยนักลบส้นตีนอะไรวะใส่เสื้อกอลอกื่องกูมึงไม่ได้มามันกับกูนีว่ว่าว่าแต่เมืองเธอหายหรือยังของเมืองอะ่ะหายแล้วเวย้ยคนอย่างกูเป็นง่ายหายเร็วเวย้ยไอเล็กถ้าหันปืนใหญ่จากกองผันท่านปืนใหญ่ที่31ลบบุรีตอบออกมาด้วยความภาคภูมิ การหยอกเย้ากระทาได้เพียงแค่นั้นเมื่อมีคนอื่นเข้ามาในห้องตอนที่2พันเอกนอร์แมนเสนาธิการแห่งกองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาประจำประเทศลาวเดินเข้ามาแล้วตามด้วยพันตรีโรเจอร์นายทหารยุทธการพันตรีคอรลินผู้ช่วยนายทหารยุทธการทั้งสามคนนี้เปรียบเสมือนผู้บังคับบัญชาของพวกนักล่ารับจ้าง คณะปฏิบัติงานในลาวตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาและจะอยู่ไปจนถึงวันสุดท้ายก่อนจะเดินทางกลับประเทศไทยดังนั้นทั้ง12คนจึงต้องยืนทําความเคารพตามแบบธรรมเนียมที่ทหารพึงปฏิบัติต่อกันซึ่งนายทหารทั้ง3นายต่างก็รับการเคารพด้วยอาการที่เต็มใจโอเคเชิญทุกคนตามสบายพันเอกนอร์แมนเป็นคนกล่าวขึ้นก่อนเพื่อสร้างบรรยากาศไม่ให้ตึงเครียดพร้อมกันนั้นพันตรีคอรินส่งซองเอกสารสีน้ำตาลขนาดค่อนข้างใหญ่ให้จ่าดาวเหนือพิเศษสําหรับคุณ คนให้พูดด้วยภาษาไทยเพื่อให้คนฟังเข้าใจจ้าดาวเหนือก็เลยยิม้มแล้วกล่าวขอบคุณเป็นภาษาไทยเหมือนกันแต่สายตากลับมองที่หัวซองเห็นคําว่ารับสุดยอดเป็นภาษาอังกฤษสีแดงประทับอยู่กําลังจะเปิดซองดูว่าในซองนั้นมันเป็นความลับหรือซองรับกันแน่แต่ก็ต้องชะ ง, งักเมื่อเสียงของพันเอกนอร์แมนทักท้วงมาใจเย็นก่อนก็ได้นออสตางานนี้ไม่รีบร้อนะหรอกเรามีเวลาครับจ้าดาวเหนือรับคํำสั้นๆก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นมามอง เมื่อคืนนี้ผมติดต่อกับสอนทองถึงภารกิจที่จะต้องทําต่อไปเราพูดกันถึงรายละเอียดทุกอย่างหมดแล้วสอนทองอนุมัติให้ทางผมดําเนินการได้เลยรายละเอียดต่างๆที่ทางคุณจะรับหรือไม่รับถือเป็นอภิสิทธิ์ของคุณนะที่จะให้คำตอบกับผมจ่าดาวเหนือหรือแม้แต่คนอื่นๆยังไม่มีคําตอบสําหรับคําพูดที่ไม่ใช่คําถามนั้นจึงนิ่งใจเย็นรอฟังต่อไปความจริงแล้วต้องยอมรับว่าคนอย่างพันเอกนอรแม่นนั้นพูดแบบสั้นๆตรง ๆ, รงๆไม่มีการชักแม่น้ําทั้งห้าทั้งห คนฟังเมื่อได้ฟังก็สามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีไม่ได้คิดเลยว่าคําพูดนั้นจะละลื่นหรือละลายหูหรือไม่งานนี้ผมยอมรับว่ามันยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่พวกคุณเคยได้รับมาตอนนี้คุณต้องมาทํางานที่เรียกได้ว่าต่างประเทศมันจากจากรวัดมันต่างงานนี้ผมยอมรับเลยว่ามันยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่พวกคุณเคยได้รับภารกิจมาตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าคุณมาทํางานที่เรียกว่าต่างประเทศจากประเทศของคุณแล้วต่อไปเนี้ย คุณต้องไปทํางานในต่างประเทศจากประเทศนี้ไปอีกพวกนักล่าลับจ้างเข้าใจทันทีว่าพันเอกนอร์แมนหมายถึงอะไรเขากําลังจะส่งพวกนักล่าลับจ้างไปทํางานในประเทศเวียดนามนั่นเองแต่ก็ยังไม่พูดอะไรอีกคงนั่งนิง่งรอฟังอยู่อย่างนั้นความจริงคุณน่าจะมีอะไรสงสัยบ้างงานนอร์ตาไม่ละครับจา่าดาวเหนือตอบด้วยท่าทางปกติจนคนที่ถามต้องหัวเราะออกมาด้วยความพอใจดีถูกละงานใหม่ที่คุณจะได้รับคราวเนี้ยมันอยู่ในเขตเวียดนามเหนือ ดินแานบ้านเกิดของศัตรูของเรามาถึงตอนนี้คุณคิดจะปฏิเสธหรือยั ง, ย, งยังครับจ่าดาวเหนือยังตอบด้วยอาการอย่างเดิมในขณะที่ลูกน้องคนอื่นๆต่างก็ยิ้มรับตอนที่พันเอกนอร์แมนตั้งคําถามอย่างนั้นส่วนพันตรีทั้งสองที่ร่วมฟังอยู่ทั้งคู่รู้ว่าจ่าดาวเหนือจะยังไม่มีคําตอบว่ารับหรือปฏิเสธเป็นอันขาดถ้าตราบใดที่ยังรู้รายละเอียดของงานไม่ครบถ้วนทั้งสองพันตรีจึงนิ่งอยู่ยังไม่ตอบไม่พูดอะไรทั้งนั้น จากการที่ได้อยู่ร่วมกินร่วมลบกันมาในระยะเวลาที่นานพอสมควรนับจํานวนครั้งก็มากอยู่ทําให้นักรบจัดสองแผ่นดินต่างสึงในน้ําใจกันดีดูเหมือนบางครั้งเขาสามารถที่จะเดาใจของอีกฝ่ายจนสามารถที่จะตอบคําถามแทนกันได้ด้วยซ้าไปเอาละ่ะต่อไปนี้เป็นภารกิจใหม่ที่พวกคุณจะรับหรือปฏิเสธก็ได้เพราะมันเป็นสิทธิของพวกคุณที่เราได้ทําการตกลงตั้งแต่แรกแล้วงานนี้เป็นงานชิงตัวเฉลยศึกที่ค่ายฟูหยางในดินแดนเวียดนามเหนือ พันเอกนอนหนอแมนยุดคำพูดไว้แค่นั้นเพื่ออย่างท่าทีของคนฟังจริงอยู่ที่คนฟังทั้งสิคนยังอยู่ในอาการปกติแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าหัวใจของเขาเหล่านั้นเริ่มเต้นแรงขึ้นเลือดที่ถูกแรงจนทำให้คนผิวค่อนข้างขาวอย่างไอพลต้องถึงกับใบหน้าแดงกำ่ำจ่าดาวเหนือเองก็เม้ม่ริมฝีปากแน่นและนิง่งจ่ายยุทธพง์ต้องหูพึ่งเหมือนไม่เชื่อในคำพูดที่ตนได้ยินเช่นกันกับคนอื่นๆที่ถึงกับอาการอ้าปากขางจนแมงวนันแทบจะบินเข้าปาก แต่อาการที่ทุกคนเหมือนกันก็คือไม่มีคำพูดใดรุดจากปากนั้นเลยคุณสบายดีนะนอร์ตาท่านเอกนอร์แมนถามขึ้นดูเหมือนเขาจะรู้ถึงอาการภายในของคนทั้งสิบสองดีว่ามีโรคบางชนิดแทรกซ้อนขึ้นมาเปล่าครับทุกอย่างสบายดีครับขึ้นชื่อว่าความตายแล้วมีใครเล่าที่จะไม่กลัวยกเว้นแต่คนที่สติวิปลาดเท่านั้นงานนี้อยู่ในดินแดนเวียดนามเหนือมันคงไม่ง่ายนะัก พอแม้แต่งงานในดินแดนลาวเองในทุกครั้งที่ผ่านมายังแทบเอาชีวิตไม่รอดแต่จ่าดาวเหนือก็ยังไม่ตอบว่าจะรับปฏิเสธจึงละล่ำละลักตอบออกไปก่อนว่ายังสบายดีหันไปมองเห็นพันตรีทั้งสองแอบยิ้มอยู่ในทีจ่าดาวเหนือและต้องยิ้มตอบเงินดีนะนอสตาโธเมเจอร์เ oh งินดีแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์สําหรับคนตายหรอกครับจ่าดาวเหนือตอบแต่พันตรีโรเจอร์รู้ว่านั้นเป็นการทรยศตามนิสัยของแกเท่านั้นงานนี้มีรายละเอียดครบถ้วนอยู่ในซองรับสุดยอดนั่นแล้ว แต่ผมขออธิบายเพื่อให้ผู้คุณทุกคนได้เข้าใจหน่อยก็แล้วกันพันเอกนอร์แมนพูดต่ออีกหลังจากที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ระบายอารมณ์ที่กําลังเริ่มเครียดโดยการปล่อยพวกนักล่างรับจ้างเหล่านั้นได้พูดคุยกันบ้างจากการที่ฝ่ายเราได้รับการสูญเสียซึ่งมีทั้งทหารอเมริกันทหารลาวหรือแม้แต่ทหารเสือพรางของไทยเองคนของเราที่เสียชีวิตไปนั้นเรื่องทุกเรื่องมันสามารถจบลงได้ไม่ยากเมื่อเราได้ส่งของเขามาแต่มีคนของเราจํานวนหนึ่งที่ยังไม่ตาย แต่ถูกศัตรูจับตัวไปเป็นเชลยจากการสืบทราบของเราในเรื่องของจํานวนเชลยศึกนั้นตอนนี้ทราบว่ามีทหารอเมริกันกว่า20คนทหารเรากว่า100คนและทหารเสือพรางของไทยไม่ต่ากว่า10คนที่ใช้จํานวนยอดมากแบบนี้เพราะจากการตรวจสอบกับจํานวนคนที่หายสาบสูญไปในการรบยอดมันมากกว่าที่สายรับรายงานเข้ามาเราจึงสันนิษฐานในขั้นต้นว่าคนที่หายสาบสูญไปนั้นล้วนแต่ถูกจับเป็นเชลยทั้งสิน้นเราพยายามติดตามข่าวเรื่องนี้มาเป็นเวลานาน เราทุ่มเทงบประมาณในการหาข่าวเราใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องหมายมากมายนานาชนิดที่จะให้ได้ข่าวสารนี้มาจนมาถึงตอนเนี้ยเรามั่นใจว่าข่าวที่ได้รับมาเนี่ยค่อนข้างเป็นจริงเราจึงตัดสินใจที่จะให้พวกคุณทํางานนี้ให้กับเราให้กับทหารเราหรือแม้แต่ทําให้กับทหารเสือพรางของพวกคุณแล้วผมเชื่อว่าคุณคงไม่ปฏิเสธงานนี้แน่หรือคุณจะปฏิเสธพันเอกหนอแมนจงนาจาดาวเหนือด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแสดงว่าอารมณ์ดีคุเนี่ยังพูดไม่จบเลครับ จาดาวเหนือตอบกลับแบบบ่ายเบีย่ยงซึ่งไม่มีทั้งคําว่ารับหรือปฏิเสธพันเอกโนแมนจึงพูดต่องานนี้พวกคุณมีหน้าที่พิสูจน์ทราบที่ตั้งค่ายฟูหยางพร้อมด้วยหลักฐานยืนยันว่ามีเฉลยเหล่านี้อยู่จริงส่วนจํานวนที่แท้จริงจะเท่าไหร่นั้นไม่จําเป็นเพราะถ้าหากมีจริงเราก็ต้องไปเอาตัวคนของเราคืนมาอยู่ดีหลังจากนั้นงานชิงตัวเฉลยเราจะรับหน้าที่เองโดยพวกคุณคอยทําหน้าที่สเกลให้เท่านั้นโอเคไหมพวกนักล่ารับจ้างต่างพากันถอนหายใจเฮือกใหญ่หลังจากที่รับรู้ภารกิจ รู้แล้วว่างานแบบนี้ไม่เกินขีดความสามารถของพวกเขาแต่ก็ยังไม่ยอมออกความเห็นอะไรเพราะรู้ว่าพันเอกนอร์แมนยังพูดไม่จบการปฏิบัติการครั้งนี้พวกผมปรึกษากันแล้วว่าพันตรีโรเจอร์กับพันตรีคอรลินซึ่งทั้งสองคนนี้ก็จะร่วมไปกับพวกคุณด้วยจะขัดข้องไหมนอสตาไม่ครับเป็นคําแรกที่จ่าดาวเหนือตอบหลังจากที่ถูกถามมานานจากนั้นพันเอกนอร์แมนจึงพูดตอ่องานนี้กองทัพเรามีค่าเหนื่อยให้คุณทุกคนคนละหนึ่งหมื่ดอลลาร์เมื่อพิสูจน์ทราบที่ตั้งค่ายฟูอย่างเสร็จ และอีกคนละห้าพันดอลลาร์เมื่องานชิงตัวเฉลยเสร็จสิ้นกระทั่งเดินทางกลับมาถึงที่นี่เอา้าและั้างานชิงตัวเฉลยไม่สําเร็จล่ะครับอีก 5,000 ันคุณก็ไม่ได้พันตรีโรเจอร์เป็น ค, คนตอบแทนเอผมว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างมันคัดค้านกันอยู่นะครับว่ามาเลยนอสตาคือว่าเมื่อนําทางเขาชิงตัวเฉลยแล้วคนของเคอร์เนลทางานไม่สําเร็จจะด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่ความไม่สําเร็จอันนั้นไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับทางผมนะครับก็จริงอย่างที่คุณว่านอสตา เรื่องนี้ไม่มีปัญหาพันตรีทั้งสองคนจนผู้ชี้ขาดเองว่าคุณได้ทําหน้าที่ของคุณสมบูรณ์ที่สุดแล้วความไม่สําเร็จจะไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องรับผิดชอบและถ้าเฉลยคนนั้นตายล้วครับคนตายคนเป็นมีค่าเท่ากันขอให้นำของมาถึงที่นี่ได้ก็แล้วกันถ้างา น, นผมรับครับงานนี้คุณคิดว่าใช้เวลานานเท่าไหร่คงไม่น้อยกว่าสามเดือนแหะครับไม่นานเกินไปโอเคผมให้เวลาส่วนรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับที่ตั้งค่ายหรือตัวเฉลยมีอยู่ในซองเอกสารนั้นทั้งหมดแล้วพันเอกนอร์แมนในตําแหน่งเสนาธิการใหญ่ กองกำลังท่าสหรัฐอเมริกาประจําประเทศหล่าหัวเราะด้วยความพอใจที่พวกนักล่ารับจ้างตกลงรับงานในตอนนั้นจึงไม่มีอะไรดีไปกว่าการลุกขึ้นมาสัมผัสมือกับคนที่รับจะทํางานให้เคนเนวครับผมอยากรู้ว่าเฉลยพวกนี้ถูกคุมตัวไปนานเท่าไหร่แล้วจ่าดาวเหนือถามพันเอกหนอมันเพื่อผสงค์บางอย่างก็ตั้งแต่เริ่มมีการปฏิบัติการของกองกำลังสหรัฐมาจนถึงปัจจุบันทราบว่าเฉลยสหรัฐคนสุดท้ายถูกจับตัวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว แล้วเฉลยไทยกับเฉลยลาวล่ะครับของไทยก็คงจะเริ่มเมื่อสามสี่ปีมานี่ส่วนทหารลาวส่วนใหญ่เป็นทหารของฝ่ายรัฐบาลเจ้าสุวรรณภูมา่ากับทหารที่จงรักภักดีต่อเจ้ามหาชีวิตซึ่งพวกนี้เริ่มถูกจับกลุ่มมาตั้งแต่ก่อนที่กองกาลังทหารสหรัฐจะเข้ามาซะอีกทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับคุณหมายถึงทหารไทยหรือทหารลาวทั้งสองอย่างเลยครับคุนลกรุณาอธิบายให้ผมฟังบ้างเพราะผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยพันเอกนอมันเริ่มกล่าวโอเค เริ่มที่ฐานฐานลาวก่อนแล้วกันพวกที่ถูกกล่าวหาเป็นศัตรูทางการเมืองมีการปฏิบัติการต่อต้านฝ่ายซ้ายทั้งนี้เขาต้องออกปราบปรามคอมมิวนิสต์ตามคำสั่งกองทัพของรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกับ ก, การปราบปรามพรรคอคในประเทศไทยนั่นแหละส่วนทหารไทยนั้นเดิมทีที่เริ่มเข้ามาทหารไทยมาในนํานักบรบหลับจ้างที่ไม่มีสัญชาติเรื่องนี้เป็นการตกลงกันระหว่างสารัดไทยและลาวทหารไทยที่มามีจํานวนไม่มากนะักการมาร่วมรบในลาวครั้งนั้น ฝ่ายไทยมีหน้าที่ช่วยเหลือฝ่ายในพลกองแลที่เป็นฝ่ายเป็นกลางต่อมาในพลกองแลเริ่มเอียงไปทางฝ่ายซ้ายเริ่มรับการสนับสนุนจากฝ่ายคอมมิวนิสต์มากขึ้นและมีแผนที่จะยึดอานาจรัดฐานไทยจึงเลิกให้การสนับสนุนพร้อมทําการต่อต้านปราบปรามด้วยตั้งแต่นั้นมากองกําลังฐานไทยจึงเปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยฐานเสือพรานและเปิดเผยเลยว่าเป็นฐานไทยก็นี่แหละที่เป็นตอนเริ่มต้นกําเนิดฉเฉลยไทยเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับ แล้วทำไมทหารไทยในตอนแรกจึงไปสนับสนุนในพลกองแรงที่อยู่ฝ่ายเป็นกลางทําไมไม่เข้าช่วยฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายขวาเลยล่ะครับโอเคเป็นคําถามที่ดีมากตอนนั้นน่ะนะฝ่ายเป็นกลางต้องการให้ประเทศลาวเป็นกลางจริงๆจึงทําการต่อต้านทั้งฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายการที่ทหารไทยเข้าช่วยฝ่ายเป็นกลางก็เพื่อการต่อต้านฝ่ายซ้ายคราวใดที่ในพลกองแรงขอช่วยในการต่อต้านฝ่ายซ้ายทหารไทยก็จะฟาดเต็มที่จนกว่าพวกฝ่ายซ้ายจะแหลกลานไปข้าง แต่ถ้าถูกขอให้เข้าช่วยร่วมต่อต้านฝ่ายขวาท่านไทยก็พยายามจะบ่ายเบี่ยงหรือแกล้งทําเป็นพอพิธีวิธีเนี้ยทําให้ฝ่ายซ้ายถู ก, กระนาบจากทั้งสองฝ่ายไงเราเป็นไงนอนสตาคุณว่าใครโง่ใครฉลาดผมว่าสตร์รัฐง่ตอนที่สามจ้าดาวเหนือตอบแบบไม่ต้องคิดแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจด้วยว่าคนที่ฟังจะคิดยังไงตอบเสร็จพวกรเล่นเดินไปชงกาแฟกินซะอย่างนั้นแหละผมไม่เข้าใจเหตุผลของคุณ จาดาวเหนือหวัวร้อในลำคอก่อนที่จะตอบสายตาไม่ได้หันมามองที่คนสงสัยแต่อย่างใดคงสารวนอยู่กับกาแฟถ้วยนั้นความสงสัยได้ทำให้พันเอกนอนมันต้องเดินตามไปจัดการเรื่องกาแฟาให้กับตัวเองบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสหรัฐโง่แบบไหนแต่ผมเชื่อว่าสงครามลาวเขเมรเวียดนามสหรัฐจะเป็นฝ่ายแพ้ประเทศพวกนี้จะถูกคอมมิวนิสต์ยึดครองได้ทั้งหมด ทุกคนที่ได้ยินแม้แต่ลูกน้องในทีมถึงกับตัวชาเมื่อได้ยินคำพูดที่ออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำของจ่าดาวเหนือจากความที่เคยเชื่อฝีมือในการรบและการปฏิบัติการทุกรูปแบบนั้นทำให้คนอย่งจ่าดาวเหนือเป็นคนที่มีน้ำหนักในคำพูดพอสมควรไม่มีใครคิดว่าเขากำลังพูดเล่นหรือพูดติดตลกคุณมีเหตุผลอะไรทำไมาจึงคิดว่าฝ่ายเราจะต้องแพ้พันเอกนอร์แมนถามอีกผมอาจจะมีความรู้ในเรื่องการเมืองการทหารหรือการปกครองอะไรตร่อเมียอะไรไม่มากนักนะครับ แต่เรื่องที่ผมรู้เรื่องดีก็คือการลบกับฝ่ายคอมมิวนิสต์แบบฟันต่อฟันเลือดต่อเลือดอย่างปัจจุบันเนี้ผมเคยสังเกตเราก็เคยให้ข้อสังเกตกับคนอื่นด้วยว่าทุกวันนี้เรารบเราปราบเราต่อต้านพวกคอมมิวนิสต์แล้วเคยเนี่ยเคยคิดบ้างไหมเรายิ่งทําให้คอมมิวนิสต์ยิ่งมากมันตายหนึ่งแต่มันกลับเกิดใหม่ 3, 4มี่ห้าหรือมากกว่านั้นเราทํากันมามากขนาดนี้ทําไมมันยังไม่หมดไปสักทีการกระทํำของฝ่ายเราเป็นการเดินตามหลังฝ่ายเขา เขาสร้างปัญหาเขาสร้างเกมเขาสร้างเงื่อนไขเพื่อให้ฝ่ายเราเข้าไปแก้เสมอบางครั้งเราก็แก้ได้บางครั้งเราก็แก้ไม่ได้กระทั้งฝ่ายนั้นได้รับผลประโยชน์ไปก็มีใช่ไหมคุณแนวจะยอมรับหรือไม่ครับว่าทุกวันนี้ฝ่ายคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายรุกเราเป็นฝ่ายรับลองแบบนี้เราก็มีแต่เสมอกับแพ้เท่านั้นเองตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือในพลกองแลที่เคยมีบทบาทสําคัญคนหนึ่งในเกมนี้ทาไมเราจงึงเอาเขามาเป็นฝ่ายเราไม่ได้ในขณะเดียวกันทําไมฝ่ายคอมมิวนิสต์กลับได้ตัวขอไปนี่คืออะไรล่ะครับ จากคําพูดที่ยาวเหยียดสำเนียงที่ราบเรียบแสดงให้เห็นว่าคนพูดไม่ได้พูดด้วยอารมณ์กับใบหน้าที่ยิ้มแยม้มทําให้คนฟังเกิดความสบายใจจากเหตุและผลที่ว่ามาผันเอกนอรแมนที่เป็นถึงมันสมองของกองทัพอันเกรียกลายยิ่งใหญ่ของโลกต้องถึงกับตะลึงนิ่งอึ้งในสมองกําลังทบทวนกลับไปกลับมาว่ามีอะไรบางที่มันขัดขานกับความเป็นจริงที่จ่าดาวเหนือกําลังพูดทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งยอมรับว่านั่นเป็นความจริง จะเป็นความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยพันเอกนอร์แมนเดินคลึงถ้วยกาแฟอย่างคนที่กําลังใช้ความคิดสายตาที่มองกลาดออกไป ร, บรอบๆห้องไม่ได้เพ่งมองที่จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะพลอยทําให้บรรยากาศภายในห้องนนั้เงียบไปด้วยไม่มีใครรู้ว่าใครกาลังคิดอะไรในขณนะนั้นเทนเอลครับผมเสียใจที่พูดแรงไปหน่อยจาดาวเหนือพูดด้วยน้ําเสียงที่แผ่วเบาลงจนทําให้พันเอกนอร์แมนต้องหันมาสบตาไม่มีอะไรหรอกนอสตาผมยอมรับว่าคุณพูดถูกนะ เหตุผลที่คุณว่ามาผมเห็นด้วยแล้วผมยอมรับว่าพวกเราไม่เคยมีใครคิดหรือสังเกตเรื่องนี้มาก่อนเลยผมจะนําเรื่องนี้ไปพูดกับคณะเสนาธิการของผมและหลังจากนั้นบางทีเราอาจต้องมีการแก้ไขหรือปรับแผนอะไรบางอย่างก็ได้โอเคขอบคุณมากสําหรับแนวคิดของคุณทุกคนยิ้มออกมาได้เมื่อพันเอกนอร์แมนเดินไปสัมผัสมือกับจ่าดาวเหนืออาการที่พันเอกโอกไหล่จากสิบเอกนั้นเป็นอาการของคนที่รักใคร่กันจริงๆกระทั่งพันตรีทั้งสองต้องเดินมาร่วมด้วย ความคิดคุณหลักแหลมจริงๆนอสตาผมยอมรับผมก็ยอมรับนั่นเป็นคําพูดที่ออกมาจากใจของพันตรีทั้งสองที่ยอมรับแล้วงานที่รับไว้คงไม่เปลี่ยนใจะนะนอสตาแล้วเมเจอร์อยากให้ผมเปลี่ยนไหมล่ะครับจ่าดาวเหนือตอบพันตรีคอรลินซึ่งปกติแกเป็นคนที่ยิ้มมากกว่าพูดไม่แน่นอนไม่เพราะผมต้องการที่จะไปกับคุณอย่างที่สุดอยู่แล้วทําไมต้องเป็นผมด้วยล่ะมั น, ม, นมันดีสิผมชอบวิธีการลบแบบของคุณแปดถ้างนั้นเมเจอร์ก็น่าจะทําเองได้ ไม่ไหวหรอกนอสตาผมยอมรับ ว, ว่าบางอย่างผมสู้คุณไม่ได้จริงๆถ้างั้นตามใจเมเจอร์แล้วกันแล้วก็ขอบอกเลยนะที่ผมตอบตกลงไปแล้วนั้นนะ่ะก็ต้องตกลงต่อไปเพราะรับปากไปแล้วถ้าเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายไงจริงไหมแน่นอนนอสตาบรรยากาศในห้องยุทธการตอนนี้กลับสู่ความอภิรมิอีกครั้งเมื่อพันตรีโรเจอร์เดินไปเปิดเครื่องแอมพลิฟายโดยให้เสียงเพลงของเอลวิสเพรสเล่นักร้องที่กําลังโด่งดังไปทั่วโลกช่วยผ่อนคลายเคนเนลแจ้งผมเริ่มงานเมื่อไหร่ครับ ตาดาวเหนือหันไปถามที่พันเอกนอร์แมนแล้วแต่คุณเลยพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นงั้นผมออกเดินทางคืนนี้หรือพรุ่งนี้เลยโอเคดีมากงั้นคุณไปเตรียมรายการบรรทุกวันนี้เลยสิครับรออไม่เกินหนึ่งชั่วโมงรายการบรรทุกทุกอย่างจะมาถึงที่นี่พันตรีคอรลินเป็นคนตอบพร้อมกับเดินไปที่โทรศัพท์ภายในติดต่อกับเจ้าหน้าที่สปายเพื่อขอเบิกสิ่งของต่างๆพันตรีคอรลินเตรียมรายการต่างๆไว้ในริดหมดแล้วจึงลวงออกมาอ่านให้ทางเจ้าหน้าที่จัดให้ าดาวเหนือที่ดูเหมือนจะยังมีข้อสงสัยอยู่จึงเลียบๆเคียงๆไปที่พันเอกนอร์แมนอีกครั้งเคนเนลครับผมอยากรู้ว่าภารกิจครั้งนี้มีการจัดชุดออกปฏิบัติการนอกจากชุดของผมนี่ยังมีชุดอื่นอีกไหมครับผมบอกตามตรงเลยนะนอสตาไม่มีงานนี้ผมเชื่อมือคุณมากผมเชื่อว่าต้องสําเร็จและที่ผมไม่จัดชุดอื่นออกไปก็เพราะผมไม่เชื่อมือเขาไงถ้าเขาทํางานไม่สําเร็จนอกจากจะเป็นผลเสียกับตัวเขาเองแล้วความลับของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้มันต้องถูกเปิดเผยอีกด้วยผมไม่ต้องการแหวกย่าให้งูตื่น เมื่อทําแล้วต้องให้สําเร็จทันทีหาไม้แล้วถ้าพวกมันย้ายเฉลยไปไว้ที่อื่นพวกเราก็ชิบหายเท่านั้นเองจริงไหมครับจริงครับแต่นอสตารู้สึกว่าคุณยังมีอะไรอยู่ในใจอีกนะพันเอกนอแมนนั้นปกติเป็นคนที่เกลียติจ่าดาวเหนือและลูกน้องเสมอทั้งนี้เนื่องจากผลงานที่ผ่านมาเป็นเครื่องช่วยตัวเองได้ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จึงอดที่จะถามเสียมิได้ครับผมกําลังคิดว่างานนี้ผมควรจะมีคนที่ทําหน้าที่เป็นล่ามที่สามารถพูดภาษาชาวเขาเผ่ามง กับภาษาเวียดนามด้วยหรือไม่ก็เท่านั้นเองแะครับอืมอันนี้ผมว่ามันต้องแล้วแต่แผน ง, งานของคุณนะนอสตาแต่ถ้าคุณต้องการเราสามารถจัดหายให้ได้ทันทีเลยนะคุณตัดสินใจมาเลยก็แล้วกันจ่าดาวเหนือก็เลยต้องมาที่พันตรีโรเจอร์ยือนอยู่อีกในขณะที่แกกาลังยืนคุยอยู่กับก่า ย, ยุทธพงษ์และคนอื่นๆอีกสามสี่คนเมเจอร์ครับงานเนี้คิดว่าเราควรต้องมีล่ามภาษาม้งกับภาษาเวียดนามสักคนสองคนไหมครับพันตรีโรเจอร์ยังไม่ตอบในทันทีทันใดเพาะไม่แน่ใจนักว่าเป็นการดีหรือไม่ ความจริงนั้นพันตรีโรเจอร์แกก็มีประสบการณ์ในการลบมามากพอสมควรในประสบการณ์นางเคยสอนแก่ไว้ว่าไอ้พวกล่ามหรือคนนำทางหรือคนที่รับภารกิจไปทําที่เป็นคนเหล่านั้นมักเชื่อใจไม่ได้พวกนี้โกหกได้จะโกหกทันทีเมื่อถูกโจมตีาหากักหนีได้ก็จะหนีก่อนทันทีนอกจากนี้มันยังสามารถแปรพักไปเข้ากับฝ่ายตรงข้ามได้ทันทีด้วยแล้วคุณคิดว่าจําเป็นไหมล่ะนอสตาพันตรีโรเจอร์ไม่ตอบตรงๆแต่กลับเลี่ยงมาถามย้อนเสียอีก จ่าดาวเหนือก็เลยต้องออกความเห็นผมว่านะงานเนี้ยในตอนต้นๆจะเป็นงานหาข่าวและการที่จะได้ข่าวมันนั้นวิธีหนึ่งก็คือการรีดข่าวซึ่งวิธีเนี้ต้องมีคนที่พูดภาษาของแหล่งข่าวได้ถ้างั้นนะผมคิดว่าจําเป็นนะเมเจอร์หรือว่าไงวายุทธว่าไงพวกเราจ่าดาวเหนืออดไม่ได้ที่จะไปถามพักพวกดูบ้างผมว่าก็จําเป็นนะพี่เหตุผลของจ่ายุทธพงษ์ว่ามาจําเป็นพี่เอาไปด้วยเถอะพี่ เป็นนันว่าทุกคนเห็นด้วยกับการที่ต้องให้มีล่ามสาหรับการแก้ปัญหาเรื่องภาษาแล้วถ้าพวกนี้เกิดทําระยำละ่ะก็ต้องผมสิพี่ผมคุมมันเองถ้ามันเล่นไม่ซื่อเมื่อไรแล้วก็เจียนมันสักก็หมดเรื่องเป็นนั่นว่าไอ้เปียกอาสาที่จะรับหน้าที่ควบคุมไอ้คนที่จะมาทําหน้าที่เป็นล่ามให้เองซึ่งทุกคนต่างก็ยอมรับและเห็นความจําเป็นที่ต้องทําอย่างนั้นหลายคนคงเคยได้ยินคําบอกเลา่าเรื่องราวระหว่างทหารลาวกับทหารเวียดนามหรือทหารแกวมาบ้างเขาว่าทหารลาวนั้นมีความเกรงกลัวทหารแกวอย่างที่สุด รบที่ไหนเราต้องแพ้ที่นั่นแม้คนของฐานเราจะมากกว่าสักเท่าไหร่ก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นมันสืบเนื่องมาจากการมีใจสู้มากกว่ากันนั่นเองเคยมีที่ฐานแกว้วเพียงสี่คนเอาชนะฐานเราทั้งกองร้อยที่มีเกือบหนึ่งคนได้หนาพื้นที่ใดก็ตามเมื่อฐานเรารู้ว่ามีฐานแกว้วมาพวกฐานเราจะโตนหรือหนีทันทีโดยหนีไปตั้งหลักเรื่องของการกลัวกันแบบนี้เป็นมาตั้งแต่โบราณจนแทบจะเป็นสายเลือดอยู่แล้วโดยที่ไม่เคยยอมรับว่าหนี แต่ทุกคนจะบอกว่าที่หนีเพราะหนีไปตั้งหลักจนเกิดคําพังเพยขึ้นมาว่าหมากับแมวแก้วกับเหล่าหมากับแมวมันกลัวกันมาตั้งแต่เกิดฉันใดเหลาก็กลัวแกวมาตั้งแต่เกิดฉันนั้นนับว่าพวกนักล่าหลับจางต้องใช้เรื่องของเชื้อชาติสัญชาติและเผ่าพันธุ์มาเป็นเครื่องพิจารณาถึงความจําเป็นก็นเลยทีเดียวทั้งนี้เพราะพวกเขารู้ดีว่าการออกปฏิบัติภารกิจในแผ่นดินของศัตรูคราวนี้โอกาสที่จะรอดกลับมานั้นค่อนข้างยาก การเคลื่อนไหวทุกชนิดของเขาต้องระมัดระวังอย่างที่สุดมันอาจจะเป็นไปได้ที่คนของพวกเขาคนใดคนหนึ่งนําข่าวนี้ไปให้แก่ฝ่ายตรงค้ามและเมื่อถึงเวลานั้นก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเสียง G.I. Blues ที่เอลวิสเพสเล่ร้องนั้นเหมาะสมและที่ฐานจะเป็นคนฝังดังนั้นคนที่อยู่ในห้องยุทธการจึงอดไม่ได้ที่จะขยับมือขยับเท้าไปตามจังหวะเพลงที่กําลังฮิตอยู่ด้วยนับว่าในหัวใจที่กล้าวแกล้งที่มีต่การค่าเป็นตาฬะนั้น ก็ยังมีเสียงเพลงสอดแทรกอยู่แสดงว่าทุกคนไม่ได้มีจิตใจที่แข่งกระด้างกันเลยไชยนาธิการใหญ่แห่งกองกําลังทหารสาหรัฐประจําประเทศลาวแม้ใบหน้าจะสดชื่นจากความสําเร็จในการเจราจามอบหมายภารกิจให้กับพวกนักล่ารับจ้างได้แล้วก็ตามแต่ในแววตานั้นยังฉายแววแห่งความกังวลยังเห็นได้ชัดถังความเป็นห่วงเรื่องความอยู่รอดและความสําเร็จในภารกิจของคนที่กําลังจะออกไปทํางานให้กับคําพูดของจ้าดาวเหนือที่พูดว่าคนที่โง่ก็คือสหรัฐนั้น จากเหตุผลของเขาข้อนั้นคนที่มีความรู้สูงระดับพันเอกหนอแมนต้องยอมรับว่าตัวเองมองข้ามหรือไม่ได้มองมาก่อนเชลวกองทัพจะต้องมีการปฏิรูปการต่อต้านลทัทธิคอมมิวนิสต์กันใหม่แน่นั่นหมายความว่าทั้งยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามต้องมีการเปลี่ยนแปลงชนิดถอนรากถอนคนกันเลยทีเดียวก็ว่าได้พ่วงระยะเวลาที่ทั้งหมดรอการมาของเจ้าหน้าที่ซัพพลายที่จะเอาสิ่งของต่างๆมาส่งให้นั้นคนทั้งหมดดูเหมือนจะหมดเรื่องที่จะต้องพูดคุยกันแล้ว ตอนนี้ต่างคนต่างใช้ความคิดที่เป็นของตัวเองจ่าดาวเหนือเองนั้นยังมีเรื่องที่อยากจะพูดอีกมากแต่ก็ไม่พูดเพราะนิสัยของตอนเองนั้นปกติแล้วไม่ค่อยชอบการที่จะมาลคล่ำโควนถึงเหตุการณ์ที่มันผ่านพ้นไปแล้วนะักเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าต่างหากที่ควรจะนำมาคิดนำมาวิเคราะห์พิจารณาเพื่อไม่ให้เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในอดีตมันเกิดขึ้นอีกเมื่อไม่รู้จะทําอะไรก็เลยหันมาทางพันตรีโรเจอร์มเมเจอร์ข่าวเกี่ยวกับที่ตั้งค่ายฟูอย่างนี้ได้มาครั้งสุด เรื่องนี้ตัวว่าล่าสุดเลยก็ว่าได้นะเพราะเราใช้วิธีการของแหล่งข่าวตรวจสอบกับภาพถ่ายทางดาวเทียมเราเช็คภาพถ่ายทุกครั้งที่ดาวเทียมส่งมาแล้วรายละเอียดเรื่องตัวเฉลยล่ะครับอันนี้ได้จากการรายงานของสายรับมีการตรวจสอบข่าวไหมครับมีสิเราใช้วิธีการดักฟังคำวิทยุของพวกมันเราดักฟังมานานพอสมควรแล้วนะจนเชื่อได้ว่าข่าวที่สายรับรายงานมานั้นเชื่อถือได้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นในระยะเนี้ถ้าเราไปทันเวลาก่อนที่มันจะมีการเคลื่อนย้ายคนในค่ายออกไปที่อื่นแล้วก็ ผมเชื่อต้องเจอมันแน่แล้วงานนี้ก็ต้องลงเอยด้วยความหมั่นชนิดที่ลืมไม่ลงเลยเชียวละ่ะมีเชอมั่นใจขนาดนั้นเชียวผมมั่นใจในตัวคุณนอสตาไม่ใช่มั่นใจเรื่องอื่นงั้นขอใพระเจ้าคุ้มครองก็แล้วกันครับเอา้าแล้วกันนอสตา์งานนี้พระเจ้าไม่เกี่ยวผมไม่ต้องการถ้าทางที่พันตรีโรเจอร์แกล้งตลกนั้นทําให้ทุกคนหัวเราะออกมาได้เหมือนกันตอนที่สี่ เสียงรถยนต์แบบโฟก์ลิฟมาจอดที่หน้าประตูทางเข้าห้องยุทธการพันตรีโลเจอที่อยู่ไกลเดินไปเปิดประตูให้จึงมองเห็นสิ่งที่โฟก์ลิฟคันนั้นบรรทุกมาลังไม้ฉ่ำฉาขนาดใหญ่ที่สูงเท่าตัวคนแมแลงไฮดรอลิกย่อนลังไม้ใหญ่นั้นลงที่หน้าประตูแล้วดันส่งจนกระทั่งผลเพื่อให้ปิดประตูได้อย่างเดิมก่อนที่มันจะจากไปไม่มีใครร่วมมาด้วยนอกจากอเมริกันที่เป็นพลกับเพียงคนเดียว ว่ามาตรการปิดลับคราวนี้ยังเคร่งครัดอยู่พอแทนที่จะใช้คนลาวเป็นคนนําของมาส่งพวกอเมริกันกลับทําเสียเองโอเคพวกเรามาช่วยกันแยกของหน่อยพันตรีคอรลินจะเป็นคนดึงของต่างๆที่อยู่ในรังไม้นั้นท่านพันตรีเราเจอร์ที่กําลังปิดประตูอยู่เอา้าอันแรกกระสุนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยแยกประเภทก่อนนะพวกเราอันนี้กระสุนระเบิดอันนี้กระสุนเพลิงอันนี้กระสุน M79 เป็นกระสุนระเบิดและนี่กระสุนเพลิงนี่กระสุนแก๊ส ไม่รู้แก๊สอะไรวะอันนี้กระสุน .22 สําหรับค่าตัวตายเว้ยพันตรีคอรลินยกหีบกระสุนที่เป็นหีบเหล็กที่มีฝาปิดอ่านชื่อชนิดของมันที่ข้างหีบแล้วทยอยส่งออกมาคนรับเมื่อรับมาแล้วต่างวางแยกประเภทอย่างมีระเบียบอันนี้ปืนวัวพะพวกรุ่นใหม่วะสงสัยนักชิปหายเลย M203 ว้าวไม่อีดอัจริงๆเว้ยมันแน่งานนี้นอสตาทุกคนพรอยยิ้มด้วยความยินดีในท่าทางที่ตื่นเต้นของพันตรีคอรลินนั้นไปด้วย ความจริงแล้วไม่ได้ยินดีกับปืนชนิดใหม่หรอกเพราะยังไม่เห็นรูปร่างของมันแต่ที่อดคําไม่ได้ก็คือท่าทางของคนมากกว่า M203 คือชื่อโมเดลของปืนชนิดใหม่ที่ยังไม่มีใครเห็นเพราะถูกกระบอกทุกบรรจุอยู่ในกล่องไฟเบอร์ที่ซีนด้วยเทปกันความชืน้นโมเดลนี้เป็นโมเดลใหม่ที่ยังไม่มีใครเปิดดูไม่มีใครเคยเห็นแต่ก็ต้องช่วยกันําลเลียงออกมาให้หมดเสียก่อนหลังจากนั้นจึงคงจะได้เห็น จ่าดาวเหนือไม่ได้ช่วยขนของแต่เดินเปรยคู่กับพันเอกนอร์แมนอดไม่ได้ที่จะทึ่งกับคําว่า M203 พอใจก็อยากจะเปิดดูเหมือนกันว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรแน่ไอ้โมเดลนี้แต่ก็อดใจไว้ไม่แสดงออกแต่ทั้งของชิ้นต่อมาถูกลําเลียงออกมาอุปกรณ์ประกอบปืนอันนี้กล้องเลง็งทั้งกลางวันกลางคืนขยาย16เท่าอันนี้กระบอกเก็บเสียงอันนี้แบตเตอรี่อันนี้สายไฟกล้องเลง็งอันนี้ชุดเครื่องมือทําความสะอาดอันนี้ถุงเก็บปืนป้องกันน้ํา โอ้ oh, พระเจ้าช่วยอันนี้มันยอดจริงๆทุกคนหันไปมองตามที่คนลำเลียงออกมาร้องอุทานพันตรีคอรลินพยายามอ่านข้อความที่ข้างกล่องพลาสติกแข่งสีดํานั้นอย่างตั้งใจเรนออกคนฝั่งใจจดใจจ่อเพราะอยากจะรู้เรื่องเร็วๆโอ้ก๊อดดมเป็นไปได้หรือนี่ยชุดลังศีนฟาเรตเปิดเลยดีกว่าพวกเรามันน่าสนใจจริงๆว่ะไม่มีใครว่าอะไรกับอาการของพันตรีคอรลินในตอนนั้นเพราะทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันเราก็เริ่มอ่านออกเสียงดังๆเพื่อให้ทุกคนได้ยิน อินฟราเรดกระตุ้นความรู้สึกใช้คู่กับ M16 หรือ M 2 0มสให้รังสีนี้ยิงไปที่ตัวค่าสึกที่ส่วนใดของร่างกายก็ได้เมื่อค่าสึกกระทบรังสีนี้จะเกิดอาการเจ็บปวดในทันทีทันใดแม้ไม่ถึงตายแต่ก็ต้องร้องออกมาสามารถใช้ได้ทั้งเวลากลางวันกลางคืนหรือแม้แต่ตอนที่มีฝนหิมะพายุทุกสภาพอากาศเว้าวมันยอดจริงๆเว้ยวิธีการใช้วิธีการรักษาอยู่ในนี้แล้วเว้ยพันตรีคอรลินส่งของเรานั้นออกมาตามลําดับอย่างระมัดระวัง คนที่รับมาก็ยังอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นกับอาวุธชนิดนั้นนับว่ามันเป็นอาวุธชนิดใหม่จริงๆเชื่อว่ายังไม่เคยมีใครใช้ในสนามรบใดๆมาก่อนแนะ่จ่าดาวเหนือก็อดคิดไม่ได้ว่สาสหรัฐอเมริกานั้นช่งางขยันคิดค้นเสศษเกินกับสิ่งที่ใช้สำหรับฆ่าคนลองแบบนี้แม้แต่นกที่บินอยู่ในอากาศก็คงไม่มีทางรอดไปได้เลยรายการต่อไปอันนี้หมากแตกมินิวีเล็กดีรถโตอันนี้ไฟฉายปรับแสงได้เอาเชือกเดินป่าขนาด15เมตร มีสังหารโบวีเจ้าเก่าว่ะถุงมือชุดมีดพับไขควงที่เปิดกระป๋องใบเลื่อตัดโลหะขีมตัดลวดหนามเหล็กเจาะรูเฮ้ย hey, อันนี้เล็กดีน่าใช้ว่ะเฮ้ย hey, นี่ว่าโนสตตาสําหรับคุณโดยเฉพาะอะไรละเมเจอร์จ่าดาวเหนืออดไม่ได้ที่จะพอตื่นเต้นไปด้วยไซเนสนะสิสาสสหรับฆ่าตัวตายชนิดห้ามใช้กับฆ่าศึกซะด้วยพวกเล่นทําเป็นเม็ดลังดุมสวยดีนะทุกคนแม้จะยิ้มย่องพองใสในยามนั้น ต่างอดสะท้อนว่าพี่ขายสันหลังเสียไม่ได้คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้า ง, งานช่วยเหลือเฉลิยสึกคราวนี้แล้วตัวเองกลับต้องกลายไปเป็นเฉลศยสุด เ, เองเมื่อถึงยามนั้นจะเห็นประโยชน์ของรังดุมมรณะเม็ดนี้หรือไม่และนี่เว้ยเสื้อกลอรุ่นใหม่เฮ้ยรู้สึกจะเบาวกว่ารุ่นเก่านะพะพวกคนรับของเห็นด้วยที่ว่าเสื้อกละรุ่นนี้ที่ได้รับมานั้นเบากว่าของเดิมกว่าเท่าตัวจึงคิดว่าต่อไปนี้คงต้องใส่เสื้อกราะกันบ้างแล้วละ่ะ เพราะของเดิมที่ใส่มันหนักและทั้งวิ่งไม่ออกเอาเสร็จเลยคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าคาศึกยิงที่ตัวไม่เข้ามันก็น่าจะยิงที่หัวซะเลยเพราะสามารถทําได้อย่างสบายๆต่อเป้าหมายที่อุ้ยอ้ายอย่างนั้นแล้วนี่กล่องเครื่องมื อ, อยางชีพในนี้มีเข็มเย็บได้ทั้งผ้าทั้งแผลยาทากันมแมลงเซรุ่มงูยาแก้ ป, ปวดยาห้ามเลือดอยาป้องกันมาลาเรียชนิดหนึ่งเม็ดต่อเจวันโมฟีนเอ้ยแล้วก็อาหารแคปซูลว่ะคนที่ได้ยินยอมรับว่าแปลก ตอนที่เคยได้ยินมาอาหารแคปซูลนั้นมีแต่ให้นักบินอโอกาสกินแต่คราวนี้มันกลับเอามาให้คนที่อยู่บนพื้นดินกินมันเป็นยังไงเมเจอ ร, อร์แคปซูลที่ว่าโอเคเดี๋ยวอ่านวิธีการใช้เลยนะให้กินครั้งละ1เม็ดว่าเมื่อท้องว่างสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอาหารอีกเลยสิบสอชั่วโมงแต่ไม่ควรกินในขณะที่ท้องอยังมีอาหารหรือกินอาหารหลังจากที่กินแคปซูลนี้ยังไม่ครบ12ชั่วโมงหมายความว่าอาหารแคปซูลกับอาหารปกติไม่ควรจะเข้าไปรวมกันในท้องว่านอสตา ขอบคุณเมเจอร์ต่อไปแล้วครับต่อไปอันนี้วิทยุ ICOM เล็กดีเหมาะมือไ c คอมไอคอมเสาวกาศสั้นติดต่อได้ไกลาย5ไม้เสาอกาศยาวเมื่อยืดสุดติดต่อได้ไกลาย15ไม้ใช้เสาสูงเหนือ ย, ยอดไม้ได้ไกลาย80ไม้ในนี้มีเครื่องแจ้งที่อยู่อัตโนมัติสำหรับติดต่อทางเครื่องบินมีความถี่สแบนแบตเตอรี่ใช้ได้นานกว่า10ชั่วโมงแต่แบตเตอรี่จะอยู่ในตัวมันได้นานไม่เกิน10วัน หลังจากนั้นแบตเตอรี่จะเป็นตัวทําลายวิทยุ s เองเพราะฉะนั้นก่อนครบ10วันต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ไม่งั้นเสร็จแน่เอาไปเลยพวกเราคนละเครื่องแถมอะไรอีกหนึ่งเครื่องส่วนนั้นนี้เป็นอะไรเนี่ยพลุสั ญ, ญญาณบุคคลออันนี้พลุสองแสงสะดุด M18 อันนี้กับระเบิด M14 อันนี้ TNT ประกอบชนวนแบบกดเรียบร้อยทํางานอัตโนมัติหรือจะต่อสายลวดสะดุดก็ได้ถ้าต้องการส่วนนั้นนี้เลชั่น C ใครหิวก่อนกินก่อนได้เลยพวกเรา ยังมีอีกหลายรายการที่ต้องลำเลียงขน อ, อมากองสิ่งที่ซัพพลายเออร์ไม่ลืมก็คือเสื้อผ้าชุดใหม่ทั้งเสื้อยืดกางเกงในถุงเท้ารองเท้าหมวกทุกชิ้นล้วนเป็นสีดำตามที่พวกนักล่ารับจ้างชอบใช้ทางสิน้นสิ่งที่อดทึ่งเสียไม่ได้ก็คือเปลตะข่ายแบบเปรยยวนที่มีน้ำหนักเบาถูกม้วนเป็นก้อนจนเล็กนิดเดียวบรรจุอยู่ในถุงซึ่งไม่ทำให้เกะกะสิ้นเปลืองเนื้อที่ยังมีอีกมากมายหลายรายการจนสุดขนานับ นั่นเป็นแบบฉบับของเรษฐีอเมริกันคนที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนย่อมไม่รู้ว่าแม้แต่ไม้จิ้มฝันเขาก็ยังมีให้เลยชุดปฏิบัติการซึ่งในตอนนั้นมีถึง14คนเมื่อรวมพันตรีอเมริกันทั้งสองเข้าไปด้วยคนทั้งหมดต่างหยิบสิ่งของที่มีมาให้เท่าจํานวนที่ตนต้องรับไปแล้วนาไปกองรวมเป็นส่วนของตัวเองเตรียมแพ็คลงเป้หลังหรือบรรทุกติดตัวโดยอยู่นอกเป้หลังซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องมีการมาบอกกันหรืออธิบายสาธิตให้ดูตัวอย่างใด เราทุกคนรว้ระดับมืออาชีพแล้วทั้งนั้นกระทั่งทุกรายการอยู่ในมือของแต่ละคนครบถ้วนอุปกรณ์ที่ทุกคนดูจะให้ความสนใจมากที่สุดก็ดูเหมือนจะเป็นปืนชนิดใหม่เมื่อดูจากด้านข้างของตัวปืนแล้วเห็นชัดเจนว่าโคเวตไลเฟิร์ M23 มันก็คือ M16 ที่ได้รับการดัดแปลงนี่เองน้ําหนักพอๆกันการทํางานเหมือนกันทุกอย่างยิงได้ทั้งอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติลํากล้องถูกลดลงให้สั้นกว่าเดิมประมาณหนึ่งในสี่ ผ่านท้ายเป็นแบบยืดออกหรือหดเข้าได้ช่วยให้ความยาวสำหรับการเดินทางหรือนำพาลดลงที่น่าทึ่งที่สุดก็เห็นจะเป็นที่ตอร่างของลำก้องมีลำก้องของ M79 ติดมาด้วยนั่นหมายความว่า M203 นี่ก็คือปืนที่เป็นได้ทั้ง M16 และ M79 ในกระบอกเดียวกันนั่นเองเมื่อเป็นแบบนี้แล้วอนุภาพของมันก็จะสามารถยิงต่อเป้าหมายที่มองเห็นและเป้าหมายที่อยู่ที่กบาบังได้ทั้ง14คนจับปืนชนิดใหม่นั้น พลิกซ้ายพลิกขวาดูจนท่วกระบอกกระท่านยกขึ้นเหล่งประทับหรือแม้แต่ประทับสะโพกญิงเสียฐทดสอบดึงคันลังเราร่าลลนไกดังละงมไปทั้งห้องยุทธการพันเอกนอร์แมนตอนนี้คงไม่มีงานด่วนจึงมีเวลามานั่งดูชุดปฏิบัติการทั้ง14คนยังเพลิดเพลินใจกระสุนตแต่ละชนิดแต่และประเภทถูกแยกออกเราบรรจุเ ข, ข้าแมกกาซีนชนิด30นัดจนครบเรายัดแมกกาซีนนั้นลงสายสะพายเตรียมคล้องไหล่คาดเอวต่อไป ทั้งนี้กระสุนและปืนคือสิ่งที่ต้องติดตัวเสมอแม้ยามนอนหรือขี้เยี่ยวจ่าดาวเหนือที่ถูกพันเอกโนแมนจับตาดูตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้ตัวต้องมีอาการเสียววูบไปทั่วข่ายสันหลังเมื่อถึงคราวต้องเตรียมลังดุมมรณะมือที่ออกจะสั้นนิดๆขณะที่เย็บลังดุมเม็ดนั้นเข้าที่ปกเสือ้อแทนลังดุมเม็ดแรกเดิมที่มีอยู่เล่นเอาเหงื่อแตกทั่วใบหน้ากว่าจะจัดการเสร็จทั้งสามตัวอาการอย่างที่ว่านี้ไม่ได้เป็นแต่จ่าดาวเหนือเพียงคนเดียว แม้แต่พันตรีเมริกันก็ยังไม่ไายที่จะมีอาการให้พันเอกนอร์แมนจับพิรุษจนได้ไปไงไม่เจอไอ้รังดูเมนนั้นน่ะพันเอกนอร์แมนเป็นคนถามคำพูดนั้นออกจะปลนเสียงหัวเราะด้วยคนอื่นเลยพลอยต้องการใจหัวเราะบางในบรรยากาศที่ความคิดกําลังวาวุ่นแบบนี้คนที่พูดออกมาต้องการที่จะผ่อนคลายความเครียดหรือมากกว่าคนที่ไม่ได้ถูกถามตัางก็หันไปมองพันตรีโรเจอร์แล้วก็หัวเราะแบบไม่เต็มเสียงหนัก เราตนเองก็มีอาการหวาดหวั่นเหมือนกับที่พันตรีโรเจอร์เป็นเหมือนกันก็จะอะไรเสียอีกเราขึ้นชื่อว่าความตายใครๆก็ต้องกลัวจะต่างกันก็แค่ใครจะสามารถระ ง, งับหรือเก็บความรู้สึกนั้นไว้ภายในได้มากกว่ากันเท่านั้นเองพระเจ้าท่า น, นั้นแหะครับที่จะรู้มันมีประโยชน์แค่ไหนครับคเนีพันตรีโรเจอร์ตอบจากดาวเหนือแทรกขึ้นมาบ้างอา้าวเมเจอร์ก็ไหนว่างานนี้พระเจ้าไม่เกี่ยวไงเล่ามันไม่แน่ว่านอสตาบางครั้งพระเจ้าก็ไม่ยุติธรรมเหมือนกัน แล้วเมเจอร์ว่าอะไรที่ยุติธรรมประธานาธิบดีซโนสตาจ้าดาวเหนือหดลอเพราะไม่เข้าใจในโจ๊กอเมริกันอะไรที่ทำให้เมเจอร์คิดอย่างนั้นครับก็ประธานาธิบดีส่งโรมานี่ว่าเชียกอดแดมเดลแอนด์ดัดกอดฟอร์เกตผมจะไม่มีวันลืมไอแผนบ้าๆนี่เลยตลอดชีวิตผมสบานพันตรีโรเจอร์ปล่อยอารมณ์ด้วยความเกลียดชังต่อเกมชีวิตในดินแดนที่คิดว่าพระเจ้าลืมยังแข่งกล่าว หลายคนอาจไม่รู้ว่าอันทหาหัาร์รัฐอเมริกาที่ออกมาปฏิบัติราชการนอกประเทศตามประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นประเทศอันดับหนึ่งที่พวกเขาอยากจะไปกันก็คือเยอรมนตะวันตกรองลงมาก็คือญี่ปุ่นรองลงมาคือประเทศไทยส่วนประเทศทิศทางอเมริกาตั้งพากันล้องว่าเฮลคือเวียดนามลาวเกาหลีตามลําดับจะเฮลมากเฮลน้อยหรือว่านารกมากานารกน้อยก็ไปคิดกันเอาเองหลายคนพากันหัวเราะตามคําพูดของพันตรีโรเจอร์ ทางนี้คนที่มีสายเลือดนักรบอย่างพวกเขาต่างเข้าใจดีว่านั่นมันเป็นโจ๊กของทหารแม้จะเียดชังต่อดินแดนนั้นเพียงใดแต่เมื่อมันเป็นภารกิจเป็นหน้าที่ที่คนที่ได้รับการอร่อหลอมทั้งร่างกายและจิตใจมาแล้วย่อมไม่คิดปฏิเสธคําว่าข่าศึกหรือศัตรูนั้นหอมหวนชวนให้เข้าหากระทั่งลืมเหตุผลใดๆทั้งสิ้นอย่างสิ้นเชิงหรือแม้แระทั้งความยากลําบากและความตายกล้องเรงกับกล้องอินฟราเรด เป็นรายการของใหม่อย่างที่ทุกคนให้ความสนใจลูกน้องที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสันทัดในเรื่องภาษาจึงเป็นหน้าที่ของจ่าดาวเหนือที่ต้องหารายละเอียดมาตอบคําถามให้กระทั่งทุกคนเข้าใจในขั้นตอนต่างๆซึ่งไม่ใช่เข้าใจเฉพาะคําพูดคําอธิบายแต่ต้องทดสอบการปฏิบัติจนเป็นที่แน่ใจนั่นแหละจึงจะเรียกว่าพร้อมสิ่งของรายการสําคัญอื่นๆเช่นกับระเบิดแบบ M14 ที่เรียกกันว่า M Store พรือกระสุนซองสว่างแบบ M18 ระเบิดสังหารแบบเล็กมินิ V4 TNT ขนาด1ปอนด์พร้อมด้วยเครื่องจุดอัตโนมัติพร้อมสายลวดสะดุดและอื่นๆจะต้องตรวจความเรียบร้อยของระบบการทำงานอย่างถี่ถ้วนหาไม่แล้วเมื่อเข้าสู่พื้นทีจะไม่มีโอกาสที่จะมาแก้ไขได้เลยหากรายการใดมีการขัดข้องในการทำงานรายการนั้นก็ต้องทิ้งไปเท่านั้นเองที่สาคัญที่สุดคือในห่วงเวลาวิกฤตหากเกิดความไม่พร้อมขึ้นมานั่นหมายถึง ความร้มเลวของภารกิจที่อาจจะกลายเป็นความตายของทุกคนได้ในที่สุดตอนที่5ราหลายคนเริ่มแพ็กสิ่งของลงในเป้หลังที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ตามสัสดส่วนมาตรฐานของคนอเมริกันดังนั้นจึงออกจะเป็นปัญหาสำหรับพวกนักล่ารับจ้างอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำคัญจนไม่สามารถทางานได้ดังนั้นพ่อายจัดทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อม ทุกคนพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางนอร์สตาคุณจะเริ่มออกเดินทางเมื่อไหร่พันเอกนอร์แมนเป็นฝ่ายถามขึ้นก่อนเมื่อเห็นว่าทุกคนพร้อมแล้วเรื่องรายการที่ต้องบรรทุกน้าติดตัวไปจากดาวเหนือไม่ได้ตอบรับท่านที่ทันใดกลับพันไปถามทางพันตรีโรเจอร์อีกครั้งไม่เจ้าครับว่าไงคืนนี้เลยดีไหมพันตรีโรเจอร์ออกจากระหายเสร็จเลืเกินที่จะออกปฏิบัติการในคราวนี้แต่จากดาวเหนือยังมีเหตุผลที่ต้องนํามาพูดนํามาคุยกันอีกแล้วคนที่จะมาทําหน้าที่ล่ามล่ะครับ โอเคน้อตาเรื่องนี้เราพร้อมแล้วตอนนี้คนที่เราจะเอาไปด้วยนั้นอยู่ที่ทุ่งไหอยหินคุณจะเอากี่คนผมว่าสักสองคนก็พอครับเผื่ออะไรถ้าเกิดคนหนึ่งคนใดพลาดโอเคงั้นสองคนตามที่คุณต้องการว่าแต่คุณจะไปรับเอาที่ทุ่งไหอหินหรือจะรับเขามาที่นี่รับมาที่นี่ดีกว่าครับว่าแต่ว่าไอ้สอคนที่จะไปเนี่ยเป็นคนลาวเผ่าไหนครับเผ่ามง้งเป็นคนของนายพลวังเปาโอเคไหมครับผมก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่โอเคเพราะฉะนั้นต้องโอเคใช่ไหมครับเมเจอร์จ้าเจ้าเหนือตอบแบบเล่นลิ้น เท่านั้นยังไม่พอยังดึงเอาพันตรีโรเจอร์มาเกี่ยวเขาอีกจนได้เซมๆนอสตาผมกม็มีเหตุผลอะไรที่จะไม่โอเคพันตรีโรเจอร์ตอบแบบยีหยนเล่นลินบางด้วยความที่มีอารมณ์ดีเอางั้นเอาเป็นว่าทุกคนโอเคผมคิดว่าภายในค่ำวันนี้ล่ามทั้งสองต้องเดินทางมาถึงพันเอกนอร์แมนจัด Norman, จา ก, การโทรศัพท์ทันทีด้วยสายฮอตไลน์ถึงในพลวังเปล่าโดยการพูดแบบเด้งดังเพื่อให้ทุกคนได้ยินชัดเจนแสดงว่าคนยังเขาพร้อมที่จะทําอะไรอะไรยังเปิดเผย และนั่นคือความจริงใจที่เขามีให้กับทุกคนเวลาที่เหลือหลังจากนั้นระหว่างการพักผ่อนของชุดปฏิบัติการทั้ง14คนต่างก็สาระวนอยู่กับเครื่องไม้เครื่องมือที่ได้รับมาโดยเฉพาะ AM203 เมื่อประกอบกับกล้องเรงและกล้องอินฟราเรดถูกยกขึ้นสอ2ครั้งแล้วครั้งเล่าขอควรระวังในการใช้ถูกทบทวนครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้จาได้อย่างขึ้นใจแม้แต่วิทยุ ICOm ที่เรียกกันว่าไอคอมเครื่องเล็กประจาตัว ก็ต้องทําการทดสอบการส่งการรับกระทงคำล่ามที่ต้องการจึงเดินทางมาถึงคนที่มาใหม่เข้ามาแนะนําตัวทันทีตามที่พันเอกนอร์แมนสั่งผมสิบเอกยีโฟสังกัดกองกาลังนักรบแมววางเป่าตําแหน่งพลทําลายประจําชุดรัตเวนขอรายงานตัวครับผมผมสิบเอกเซงกอสังกัดค่ายจีนารโมตําแหน่งหัวหน้ารถตีนตะขับกองพันห้าเมืองวางเวียงขอรายงานตัวครับผมทั้งสองคนดูเหมือนจะมีอายุไม่เกิน25้าปี ทางธรรมะถมแง่ล่ำสันแบบมะขามข้อเดียวตามแบบฉบับทหารเหลา่าแม้ไม่ได้สวมหมวกแต่ก็ทำท่าวันทะยาหัดมันถือแบบอเมริกันเปรียบพวกนักล่ารับจ้างมองเห็นรู้สึกขัดในตาพิกลจากกิริยาอาการภายนอกนั้นจากดาวเหนือไม่ค่อยจะเชื่อในฝีมือของมันนักเพราะจากที่รู้มานั้นทหารเหล่าไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าใดมักจะติดขี้คุยขี้ขอขี้โมไม่ว่าที่ไหนมันก็เป็นอย่างนั้นไปหมดอา้าวนอตาคุณสัมภาษณ์ได้เลยพระเอกนอร์แ ม, มนเป็นคนสั่ง จ่ดาดาวเหนือจึงลุกเดินเข้าไปหาทหารลาวทั้งสองคนนั้นพร้อมกับยื่นมือออกไปให้สัมผัสตามแบบฉบับอเมริกันเปียบบ้างผมจ่ดาดาวเหนือหัวหน้าชุดปฏิบัติการขอต้อนรับด้วยความยินดีจ่ดาดาวเหนือพูดเป็นภาษาไทยโดยการพูดช้าๆเพื่อให้คนฟังเข้าใจขอบใจหลายครับขอบใจหลายครับเป็นอันว่าทหารลาวเผ่าม้งทั้งสองคนสามารถฟังและพูดไทยได้ทําให้ทุกคนที่ได้ยินพอใจและรู้สึกโล่งใจกับงานที่จะต้องร่วมกันต่อไปในภายหน้า จ้าดาวเหนือเดินนําล่ามทั้งสองคนเข้าไปในห้องเราแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักโดยตัวเองทําหน้าที่โคศกยีฟูเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ไหมได้ครับได้หลายอยู่ข้าน้อยเคยทํางานให้อเมริกันเมื่อตอนออกแนวลบที่ทุ่งไหหินนานตั้งสองปีพอนายอเมริกันตายข้าน้อยก็ขอไปอยู่กับท่านในพลไอ้นี่เริ่มราคาคุยซะแล้วเจ้าลาเซงกอได้ครับก็ได้พอๆกับยีฟูนะครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้พูดข้าน้อยกลัวจะพูดได้ไม่ดีนะครับ ถ้าขาน้อยพูดได้ไม่เก่งหัวหน้าใหญ่อย่าเครียดขน้อยเลยนะเป็นนั้นว่าทั้งคู่เข้าข่ายสัญชาติลาวเริ่มด้วยการโมก่อนจากดาวเหนือ ย, ยังไม่ว่าอะไรเริ่มสักถามตอบไปทันทีแล้วภาษาแกวละ่ะเจ้าทั้งสองคนพูดได้แค่ไหนโอ้ยสบายหลายหัวหน้าใหญ่เรื่องภาษาแกวข้าน้อยเคยมีเมียแกวอยู่กับมันได้สองสามปีอีนี่เฮ็ดแนวบอดี้ข้าน้อยเลยทิ้งมันขน้อยพูดภาษามันได้หลายอยู่เรียกว่ามันด่าข้าน้อยไม่ได้ก็แล้วกันหัวหน้าใหญ่เออมึงเก่ง ไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยดาบแล้ชดมันไปแล้วเรื่องรบล่ะเจ้าสงคนเก่งแค่ไหนยี่ฟูโอ้ยใบยันหัวหน้าใหญ่พวกเราหัวแดงข้าน้อยเคยฆ่ามันมาหลายคนแล้วพวกแกวล่ะเคยมหม ย, ยังไม่เคยเลยหัวหน้าใหญ่ไอ้พวกนี้มันไวหลายข้าน้อยตามมันบรทันเซิงกอเจ้าล่ะเคยสิหัวหน้าใหญ่ข้าน้อยเคยออกแนวรบมาหลายครั้งแล้วเคยฆ่าเราวแดงแมวแดงมาก็หลายคนอยู่แกวล่ะบอกเคยครับเคยโตนไหมเคยครับไอ้เซิงกอตอบแบบเสียงอ่ยอยๆ เล่นเอาทุกคนในห้องนั้นโหดเหรอจ่าดาวเหนือพอที่จะมองออกแล้วว่าไอ้เจ้าล่ามสองคนนี้วังที่จะให้มาช่วยในส่วนกําลังรบคงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นคงจะได้เป็นเพียงแค่ล่ามเท่านั้นแล้วเจ้า2คนรู้หรือเปล่าว่าเจ้าต้องไปทํางานกับข้างานอะไรครับหัวหน้าใหญ่เอาเถอะเรื่องงานอะไรนั้นเจ้าไม่ต้องรู้หรอกแล้วขอไปทําที่ไหนกันรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกละครับเวียดนามเหนือฮะทั้งสองคนร้องเสียงโลงขึ้นมาพร้อมกันเมื่อได้ยินคําตอบคงจะเป็นด้วยความกลัวที่มีมาแต่กาเนิดนั่นเอง แม้จะรู้ว่างานนี้คงไม่ราบเลื่อนนักแต่จ่าดาวเหนือก็ไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าคิดว่าจําเป็นต้องเอามันไปด้วยแน่ก็เลยตัดบทเอาลาละมึงทั้งสองคนไม่ต้องตาขาวมึงไปกับกูไม่ต้องกลัวมึงต้องทำตามคําสั่งกูอย่างเคร่งครัดก็แล้วกันถ้าไม่เคร่งครัดหรือนอกคำสั่งกูฆ่ามึงทิ้งแน่เข้าใจไหมจ่าดาวเหนือพูดแบบเน้นคําเพื่อเป็นการขู่ให้มันกลัวไว้ก่อนในความคิดของตอนนั้นรู้ว่านักรบลาาพวกนี้ไม่ค่อยมีวินัยในการลบเท่าใดนักคิดอยู่ว่าหากการกระทําใดเป็นอันทิฝ่าฝืนจนต้องเสียภารกิจลก็ ผมต้องใช้คำขู่ให้ได้ผลนั่นเป็นเหตุการณ์ที่คาดไว้ก่อนเท่านั้นวันนี้จะเตรียมสิ่งของที่ออกเดินทางได้แล้วเราจะไปกันนาน3เดือนปืนเอา M16 ธรรมดาธรรมดาไปไม่ต้องใช้กล้องเลง็งกล้องอะไรทั้งนั้นกระสุนเอาไปให้พอเราเบิดไม่ต้องอฮ้ยหัวหน้าใหญ่ถ้าศัตรูมันเก่งกว่าข้าน้อยแล้วข้าน้อยจะเอาอะไรไปสู้กับมันล่ะมึงไม่ต้องไปสู้ใครทั้งนั้นแหละมึงอยู่ข้างๆกูนี่เดี๋ยวกูจะฆ่ามันให้มึงเองกูจะดูดีว่าใครจะมาฆ่ามึงแต่คนที่จะฆ่ามึงอ่ะไม่ใช่ฆ่าศัตรูที่ไหนหรอก กูนี่แหละจะฆ่ามึงเองถ้ามึงไม่เชื่อฟังกูเข้าใจไหมครับคุณนาใหญ่ทั้งสองคนเสี่ยงรถลงทันทีท่าทางอวดเกง่งอวดดีครั้งแรกหายไปเมื่อเจอคนที่มันคิดว่าคงเอาจริงเอาจังอย่างจ่าดาวเหนือเข้าแล้วความจริงแล้วนั้นชนเผ่ามงุฎที่เป็นนักรบโดยเฉพาะนักรบของในพลวังเปานั้นเคยมีประวัติการรบที่ค่อนข้างฉกาจฉกันเคยสร้างความสูญเสียกับเราศัตรูมานับครั้งไม่ถ้วนกระทั่งนักรบต่างเผ่าพากันกลั่นคกล้ม บ่อยครั้งที่นักรบเผ่ามงต้องเข้าประทะกับเหล่าเวียดกงพวกเขาก็สามารถท่ำหัน่นกระทั่งเวียดกงสลายกำลังไปเลยก็เคยและหลายต่ลายครั้งที่นักรบเผ่ามงต้องสอนบทเรียนให้กับเวียดกงแต่อย่างไรก็ตามมงก็ยังเป็นเหล่าที่ไม่ยอมทิ้งนิสัยไปได้อยู่ดีมงสองคนตาลีต า, าลานรับสิ่งของที่พวกนักล่ารับจ้างส่งให้อัดระยะลงเป้หลังประวัติการรบของนักรบไทยนั้นนักรบทุกชนเผ่าในลาวต่างรู้ดีแม้แต่เวียดกงเรือเมลิกัน ดังนั้นไอ้เจ้าสองคนนี้เลยต้องเงียบปากตัวเองในส่วนดีของทุกชนเผ่าในลาวมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือการไม่ลืมบุญคุณการให้ความเคารพแก่คนที่เป็นนายหรือคนที่เป็นครูบาอาจารย์มันจะยอมให้โขกสับหรือด่าทุกชนิดโดยไม่ถือโกรธดังนั้นการที่มันจะทั้งเคารพและกลัวจ่าดาวเหนือจึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติค่าคืนนั้นมงทั้งสองคนต้องพักหลับนอนกับพวกนักล่าหลับจ้างซึ่งแม้แต่พันตรีเมริการทั้งสองก็ร่วมอยู่ด้วย มงสองคนใหญ่จะออกไปเที่ยวในเมืองเวียงจันทร์บ้างเมื่อเห็นว่ามีโอกาสแต่จ่าดาวเหนือไม่อนุญาตเพราะกลัวว่ามันจะเอาความลับในเรื่องนี้ไปเที่ยวคุยบอกใครต่อใครจริงอยู่มันรู้แค่ว่าไปทํางานในเวียดนามเหนือแต่มันไม่เป็นการดีที่มันจะต้องไปพูดก็เลยตัดบทไม่ให้มันออกไปเที่ยวเท่านั้นเองเช้าวันรุ่งขึ้นชุดปฏิบัติการทั้ง16คนพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางเมื่อจัดการธุรการส่วนตัวพร้อมทั้งอาหารเช้าตุนกันจนอิ่มปา่า เปยหลังที่หนักกว่า20กิโลกรัมถูกยกขึ้นสะพายด้วยความเคยชินจึงไม่รู้สึกว่าหนักหนาแต่อย่างใดกระสุนกับระเบิด ท, ที่พกอยู่ภายนอกที่มีน้ำหนักอีกกว่า10กิโลในชุดปฏิบัติการนั้นไอวิทย์กับไอชาที่ตัวเล็กกว่าเขาทั้งหมดดูจะมีปัญหาบ้างแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคใหญ่พันเอกนอร์แมนเป็นผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวที่จะไปส่งชุดปฏิบัติการนี้ออกเดินนําหน้าเคียงคู่ไปกับจ่าดาวเหนือและพันตรีเมริการทั้งสองเสียงคุยกันดังพอสมควร ซึ่งคนที่คุยกันนั้นมีเจตนาที่จะให้คนที่อยู่ข้างหลังได้ยินด้วยนั่นเองน้องตาบอกว่าคุณคงโชคดีอย่างเคยนะครับขอบคุณกลับมาคราวเนี้ผมจะเตรียมของที่คุณชอบไว้รอรับอะไรเหรครับเคเนี่ของที่ผมชอบเอา้าก็ผู้หญิงไงเล่าคุณจะเอาจากสหรัฐหรือจากญี่ปุ่นดีล่ะจากดาวเหนือต้องหัวนอกะดังลันไม่ได้กโกรธที่ถูกจี้ใจดำแต่พอใจที่ได้ยินคําพูดคํานี้มันเป็นเรื่องจริงที่เขาไม่ปฏิเสธอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องตอบด้วย คราวนี้คุณน่าจะลองหนึ่งต่อสามหรือสี่ดูบ้างนะผมว่ามันคงดีกว่าหนึ่งต่อสองที่คุณเล่นเป็นประจำสิจากดาวเหนือไม่ตอบอีกแต่ดูเหมือนไอ้เล็กที่เดินท้ายสุดจะเป็นคนตอบแท น, นเคเนลเอาพวกญี่ปุ่นดีกว่าครับพวกนี้หายากในเมืองไทยก็ไม่ค่อยมีแต่พวกอีผมสีทองสีบอลมันมีเยอะแยะแล้วอพวกนี้เอาเมื่อไหร่ก็ได้ครับการเลือกของไอ้เล็กได้ผลเพราะทุกคนหวัวเราแสดงว่าเห็นด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวผมเตรียมเกย์ชาชั้นยอดไว้รองรับพวกคุณอ๋อนอสตา วันนี้พอส่งพวกคุณเสร็จแล้วผมจะไปพบสอนทองที่บอกอุดรคุณมีอะไรจะฝากไวปไหมตอนที่6พันเอกนอรแมนพูดแบบเป็นการเป็นงานหลังจากที่พูดแบบทีเล่นทีจริงมานานพอสมควรแล้วในใจของพันเอกนอรแมนนั้นค่อนข้างจะรักใครในตัวของจ่าดาวเหนือเอามากๆเพราะความที่แกเป็นคนอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอเป็นคนแข็งแรงแต่ไม่แข็งกระด้างเป็นคนที่มีความสามารถไหวพลิบ ป, ปฏิภาณฉลาดหลักแหลม มีเหตุมีผลงานทุกอย่างที่มอบหมายได้ผลเกินคาดทุกครั้งจากคนที่อายุเกือบห้าสิบกับคนที่อายุเพียง20่สิบกว่าทําทให้พันเอกนอร์แมนรักจ่าดาวเหนือเหมือนกับลูกดังนั้นจึงไม่แปลกที่พันเอกนอร์แมนมักให้ความเป็นห่วงอยู่เสมอจ่าดาวเหนือหันมาสบตากับพันเอกอเมริกันด้วยสายตาที่ขอบคุณก็ไม่มีเรื่องอะไรสลักสําคัญหรอกครับถ้าจะฝากบอกก็ขอฝากแค่ว่าพวกผมยังระลึกถึงท่านอยู่เสมอและจะตั้งใจทำงานแม่ท่านต้องผิดหวังในตัวพวกผมทั้ง12คนครับ เท่านี้เองเหรอโอเคเดี๋ยวผมจะบอกท่านให้เดี๋ยวจะบอกท่านด้วยว่าผลงานของพวกคุณเป็นที่พอใจของกองทัพศาสตร์รับเป็นอย่างมากผลงานหลายอย่างได้รับคําชมเชยมาจากท่านประธานาธิบดีอีกด้วยแม้แต่ข้อคิดของคุณที่ว่าเรายิ่งฆ่าคอมมูนิสต์คอมมูนิสต์กับยิ่งมากขึ้นเรื่องนี้เราคงต้องมาปรึกษากันด้วยครับขอบ ค, ครับพันเอลน่าดาวเหนืออดที่จะซึ้งในน้ำใจของพันเอกโน เ, เมนเสียไม่ได้คําขอบคุณนั้นออกมาจากใจจริงๆของชายชาตินักรบอย่างเขา ถหานอเมริกันชุดนี้ไม่เคยสร้างความน้อยเนื้อต่ำใจให้กับพวกเขาเหมือนอย่างที่คนอื่นเคยโดนกันมาคนยุโรปอเมริกันมักดูถูกคนชาติเอเชียว่าต่ำต้อยการศึกษาเป็นชนชาติล้าหลังที่ไม่มีความเจริญแต่ทหานอเมริกันทั้ง3คนนี้ไม่เคยคิดปฏิบัติต่อพวกเขาเลยตรงกันข้ามที่พวกเขาพยายามให้เกียรติพวกนักล่ารับจ้างเป็นอย่างดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายอีกด้วยแม้แต่การหลบเพื่อเงินอย่างที่พวกนักล่ารับจ้างมักพูดเสมอ ทหารอเมริกันทั้งสามก็เข้าใจและยอมรับในเหตุผลเพราะแม้แต่ทหารอเมริกันหรือตัวเขาเองนั้นก็รบเพื่องเงินเช่นเดียวกันจึงไม่ใช่เรื่องที่จะนํามาเปรียบเทียบในเชิงของความเป็นลูกผู้ชายชาตินักรบได้พอแบบซีนุกสองเครื่องจอดรออยู่ที่ลานจอดไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเมื่อเย็นหวานก็ยังไม่มีเวลาตอนนั้นแปดโมงเชาเจ้าหน้าที่ต่างๆเริ่มมาทํางานจึงมีคนหลายคนที่เห็นความเคลื่อนไหวของคนทั้งสิบเจ็ดคนนั้น แต่ก็ไม่สู้สําคัญอะไรนะักเพราะเป็นการเห็นในระยะไกลถึงเห็นก็ไม่รู้ว่าพวกเหล่านี้เป็นใครกำลังจะเดินทางไปไหนความจริงผู้คนเหล่านี้ไม่ค่อยสนใจกับเครื่องบินที่มักมาจอดขึ้นลงเป็นประจำจากลานจอดในบริเวณสถานทูตอยู่แล้วแต่ที่ต้องสนใจมองในคราวนี้ก็เพราะว่าชายชะการจํานวน16คนร้อนอยู่ในชุดสีดําตั้งแต่หัวจรดเท้าทั้งสิ้นนับเป็นภาพที่แปลกตาและไม่เคยปรากฏมาก่อนคน16คนในชุดปฏิบัติการ แยกกันขึ้นหอลำละแปดคนกระทั่งเรียบร้อยพันเอกนอร์แมนที่ยืนอยู่คนเดียวถอยตัวห่างออกไปเมื่อโรเตอร์เริ่มหมุนโดยเวลาไม่ถึงนาทีหลังจากอุ่นเครื่องยนต์นักบินอเมริกันก็เร่งเครื่องดึงตัวลอยขึ้นไปบนอากาศทุกคนมองเห็นพันเอกนอร์แมนยืนโบกมืออยู่คนเดียวจึงโบกมือตอบไปบ้างแม้จะมองไม่เห็นกันก็ตามเสียงโรเตอร์ตัดอากาศดังสนั่นวันไหวหูอือจนไม่ได้ยินอะไรแต่ในใจของทุกคนที่เห็นผู้บังคับบัญชาอ ย, ย่างพันเอกนอร์แมนยืนโบกมืออวยพรส่งให้นั้น มันตื้อไปหมดในความรู้สึกความที่คนเคยรักกันย่อมเป็นความรู้สึกที่อธิบายได้ยากในยามที่ต้องห่วงหาอาวอรซึ่งการละกันคนที่ต้องจากกันคราวนี้ต่างฝ่ายต่างรู้ดีว่าโอกาสที่จะได้กลับมาพบกันอีกนั้นช่างน้อยเหลือเกินพื้นที่ทุกตารางนิ้วสําหรับการปฏิบัติการในคราวนี้ล้วนแต่อันตรายที่มีความตายเป็นสิ่งรองรับยากจะเชื่อว่าแม้แต่มดศัตรูให้เข้าไปเดินก็ไม่มีทางรอดจากการตรวจพบของศัตรูได้ แม้จะรู้ดีว่าอะไรคือเครื่องตอบแทนพวกเขาทั้งหมดก็ยังยิงยนดีที่จะทําเมื่องานนี้มันเป็นงานเพื่อเพื่อนร่วมสมรภูมิที่ต้องได้รับความช่วยเหลือออกมาและเพื่อความพินาศพ่ายแพ้ของเหล่าสตรูผู้อหังการเหล่านั้นสายตาที่เหม่อลอยออกไปทางช่องหน้าต่างทอดระยะไปไกลจนสุดที่จะกําหนดมันเป็นกิสระของหัวใจที่ใครๆจะพึงมไม่รู้ว่าใครกําลังคิดเรื่องอะไรไม่มีใครถามใครอีกด้วย ตอนนั้นทุกคนต่างปิดปากตัวเองเงียบไม่สนแม้ทิศทางบินหรือ แ, แม้แต่ว่าตอนนี้เครื่องบินอยู่เหนือบริเวณใดของโรุงเวียงจันก็ไม่สนใจอีกสัมมาหะอะไรกับเวลากี่นาทีที่ชั่วโมงที่ผ่านไปจ่าดาวเหนือก็มีอาการเช่นเดียวกับทุกๆคนต้องสะดุ้งตกใจเมื่อพันตรีโรเจอร์ที่นั่งอยู่เคียงข้างกันสะกิดค่อนข้างแรงให้ตัวเองเอาเอียร์โฟนมาฟังทั้งนี้เนื่องจากได้รับแจ้งจากนัก บ, บินว่ามีข่าวถึงจ่าดาวเหนือ คนหน้าชุดปฏิบัติการนักหน้ารับจ้างขยับเอียร์โฟนให้กระชับแล้วจะมีเสียงหอแทรกเข้ามาอีกจนฟังไม่รู้เรื่องจนกระทั่งได้ยินชัดเจนนอสตาจากพันนี่เปลี่ยนนั่นเป็นเสียงเรียกจากพันเอกนอร์แมนภายใต้รหัสพันนี่ที่ใช้สำหรับภา ร, รกิจนี้ทางนี้และทางนั้นพันเอกนอร์แมนมีภา ร, รกิจต้องรับผิด ช, ชอบหลายภา ร, รกิจการใช้รหัสประจําตัวแบบแต่และภา ร, รกิจแต่และรหัสเป็นการปิดลับให้กับตัวเองซึ่งถ้าหากฝ่ายของครามตักฝังจะได้คิดว่าไม่ใช่คนคนเดียวกันนั่นเอง จากนอสตาเปลี่ยนโอเคนอสตาชัดเจนดีตอนนี้พวกคุณถึงไหนกันแล้วครับผมฮะ น, นี่ตอนนี้อยู่เหนือเขื่อนแม่น้ำเงือกำลังมุ่งหน้าไปทางภูเขาไฟายเปลี่ยนดีมากนอสตาตอนนี้ผมข้ามแม่น้ำโขงมาแล้วเปลี่ยนคั น, นี้จะไปพบสอนทองใช่ไ้ยเปลี่ยนถูกต้องนอสตาตามที่ผมเคยบอกคุณไว้นั่นแหละวันนี้ตอนทุ่มตรงคุณเครื่อนสายกาศุนหน่อยนะผมกับสอนทองจะิดต่อคุณโอเคไหมเปลี่ยน โอเคทุบตรงเปลี่ยนตอนนี้ผมยังไม่มีอะไรหรอกนอกจากอยากอวยพรให้พวกคุณขอให้โชคดีทุกคนนะนองตาเปลี่ยนขอบคุณครับโชคดีเปลี่ยนเซิงจ้าดาวเหนือทําท่าจะขาดหายลงไปในตอนท้ายโดยความทราบสึ้งในน้ําใจของท่านอเมริกันยศพันเอกคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเซิงจากทางพันเอกนอร์แมเนเงียบไปจากดาวเหนือค่อยๆปลดเอียร์โฟนอันนั้นออกจากหัว พันตรีโรเจอร์ถามว่าอะไรคนฟังไม่ได้ยินว่าถามอะไรแต่ก็พอจะรู้ว่าอะไรจึงบอกใบให้ทำมือบนบ่าว่าเป็นองอินทรี์ที่เป็นเครื่องหมายยศพันเอกอเมริกันเป็นคนเรียกมาแล้วทำมือชี้บนฝาวกมาจึ้ที่หน้าอกตัวเองแล้วต่อด้วยการยกนิ้วหัวแม่มือเหมือนกับว่าดีมากพันตรีโรเจอร์ไม่รู้เรื่องหัวเราะออกมาดังรันแข่งกับเสียงเครื่องยนต์ของกับทำท่าทานยักไหลแกกำลังบอกว่าไม่รู้เรื่องเว้ยนั่นเอง จ่าดาวเหนือไม่รู้จะทำอะไรในความขึบนอกขึ้ใจคลานั้นเลยร้องเพลงออกมาดังๆไม่มีใครรู้เรื่องว่าแกร้องเพลงอะไรเพราะเสียงแกยังค่อยกว่เสียงเครื่องยน์ที่กระหึ่มแต่ใครรู้แกร้องเพลงอะไรคงต้องหัวร้องงอหายเพราะเพลงนั้นมันสับัดดนจนเรียกว่าลามกเอาเชียวแหละแกรเองแม้จะเป็นคนที่พูดคำลามกออกมาตรงๆก็สิ่งแต่คราวนี้ต้องร้องเป็นเพลงเพราะเชื่อว่าคงไม่มีใครได้ยินมันมีการอยู่กับตัวคนเดียวพูดคนเดียวไอ้เปี๊ยกที่นั่งอยู่ข้างๆพยายามเงี้ยหูฟังให้ถนัด แต่ก็ยังฟังไม่ดูเรื่องอยู่ดีเวลาผ่านไปเลยอาจจะไม่มีใครสนใจก็ตามทีแระทั่งสัญญาณเตือนจากนะักบินแจ้งให้ทุกคนได้รู้ว่าใกล้จะถึงที่หมายแล้วทุกคนเตรียมรัดจมคัดนิะภายตามระเบียบการบินออกไปเบื้องล่างเท่าที่จะมองเห็นได้ภาพอีกปรากฏคือสนามบินสิ่งยืนยันเครื่อง บ, บินใบพัดแบบต่างๆจอดเรียงรายกันเต็มพื้นไปหมดทุกคนรู้ทันทีว่านี่คือสนามบินทุ่งไห้ยหินแห่งเมืองเชียงขวาง ซีนุกทั้งสองลำที่เหินฟ้ามาจากสถานพูดในกรุงเวียงจันทร์ใเวลาบินไม่ถึงชั่วโมงกระทั่งสัญญาณเตือนจากนักบินให้ผู้โดยสารทุกคนรัดเข็มขัดนิรภัยนั่นหมายความว่าทุกคนมาถึงที่หมายแล้วชุดปฏิบัติการทั้ง16คนจากคนส่งสัญชาติรวบรวมสติความนึกคิดให้กลับมาสู่ตัวอีกครั้งหลังจากที่ถูกปล่อยให้ล่องลอยเตลิดเปิดเปดในห้วงอากาศช่วงเวลาไม่นานนัก เฮลิคอปเตอร์แบบลำเลียงทั้งสองลำก็สัมผัสผืนโรเตอร์ลดความเร็วลงเสียงเครื่องยนต์เหลือความดังพอที่คนที่มาจะสามารถพูดคุยกันได้แล้วทัศนียภาพรอบๆลานจอดในตอนนั้นเรียงรายไปด้วยเครื่องบินชนิดเฮลิคอปเตอร์สองสามชนิดที่มีจำนวนกว่า10เครือง OV10, Longo อีก34เครือง L19 ซึ 19, ่งตรวจการ p 2 8 มีนักบินมงเป็นนักบินเกือบสิบเครื่องมีเด่นเป็นสง่าในสนามบินเห็นจะเป็นซ1 2นึ่งิบประชาชนชาวมงวังเป่าขี่ไปจ่ายกับข้าวในกรุงเวียงจันทร์กันทุกวันนั่นเองสนามบินทุ่งไหอยห็นมีทางวิ่งที่ลาดอย่างไว้เป็นบางส่วนเอาที่จัดสำหรับการขึ้นลงเท่านั้นคุณสมบัติของทางวิ่งยังไม่เหมาะสมที่เครื่องบินแบบไอพ่นจะลงได้จึงไม่มีเครื่องบินประเภท F มาจอดให้เห็น ความจริงแล้วในการปฏิบัติการบินในลาวและในเวียดนามหรือแม้แต่ในขเขมรก็ตามเครื่องบินประเภท F f i g h t ร er, ์ซึ่งมี F4 Phantom เป็นหลักนั้นมีสนามบินหลักอยู่ที่จังหวัดอุดรธา น, นีและ B52 อยู่ที่อู่ตะเขาทางนี้คงเนื่องมาจากความยุ่งยากในเรื่องของการซ่อมบำรุงการระวังป้องกันและอื่นๆที่จําเป็นนั่นเองที่ลําแรกจากดาวเหนือกับพันธ์รีโรเจอร์กระโดดลงจากเครื่องมาก่อนแล้วที่เหลือก็ตามมาติดๆ คนมีเครื่องหลังสะพายพร้อมชั่วประเดี๋ยวเดียวคนทั้งหมดก็มาพร้อมกันที่ตัวบนหน้าชุดด้วยท่าทางเอาจริงเอาจังไอ้ล่ามมงสองคนมองกลาดไปรอบๆสนามบินเพื่อที่จะมองหาคนที่มันรู้จักตามนิสัยที่คุยที่โอ้อกของมันเวลาตอนนั้นเพิ่งจะเลยเก้าโมงช้ามาเล็กน้อยหาอะไรกินกันก่อนไหมเมเจอร์ Major? ยังไม่หิว Star, หรอกนอสตาเดี๋ยคุณหิวก็ไม่หรอกครับผมก็ไม่หิวเราต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่สนามบินหรือเปล่าครับไม่จะเป็นนะนอสตาเรื่องของเราเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขา ซึ่งที่จริงเขาก็รู้แล้วพวกเราจะมาสายผ่านจากที่นี่ทางบอกอที่นู่นคงแจ้งมันแล้วล่ะครับงั้นก็ดีเหมือนกันผมเองก็ไม่อยากเปิดเผยตัวมากนะยังคิดอยู่ว่าแค่นี้พวกมันก็คงจะรู้กันหมดแล้วว่าเรามากันที่นี่ก็คงรู้แค่มานั่นแหละคงไม่รู้เราจะไปไหนกันหรอกครับขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะจ้าดาวเหนือรู้ดีว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในสภาพสถานการณ์แบบนี้แต่ไม่พูดเพราคิดว่าไม่จําเป็นใจนั้นรู้ดีว่าข่ายงานของพวกคอมมิวนิสต์ในการติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆมันมีอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะทาหารลาวที่ไม่ค่อยมีวินัยในการรักษาความลับมากนักจะเป็นการเปิดโอกาสให้พวกมันได้เป็นอย่างดีงั้นเราไปรวมกันที่ขอบรันเวนน้องก่อนดีกว่าครับจา่าดาวเหนือชวนพันตรีโรเจอร์ซึ่งทุกคนก็ได้ยินจึงถือเป็นคำสั่งไปในตัวตอนที่7เฮลิคอปเตอร์แบบพิเศษสำหรับ VIP หรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงเครื่องนั้น บินตรงจากเวียงจันทร์มุ่งสู่จังหวัดอุดรธานีฝั่งประเทศไทยนักบินผู้เกจนเส้นทางใช้เวลาบินไม่ถึงชั่วโมงดีหอํานั้นก็มาปรากฏตัวเหนือค่ายลามาสูนที่อยู่นอกเขตตัวเมืองไปไม่กี่กิโลเมตรเหนือที่หลายตารางกิโลเมตรที่รัฐบาลไทยยกอภิสิทธิ์เหนือดินแดนให้กองทัพสหรัฐอเมริกาไว้ใช้นั้นละเกตะระกะไปด้วยเสาและสายอากาศวิทยุรวมทั้งจาน ร, รับส่งคลื่นไมโครเวฟสําหรับการติดต่อผ่านดาวเทียม จานนั้นสูงและใหญ่เรากับตึกสักสชั้นเห็นจะได้บางคนบอกว่าสถานีเพื่อการติดต่อสื่อสารแบบนี้กองทัพสหรัฐอเมริกาสร้างไว้4แห่งโดยอยู่คนละมุมของโลกแสดงว่าสหรัฐอเมริกาสามารถรับส่งข่าวสารถึงกันได้รอบโลกโดยสถานีถ่ายทอดทั้ง4ี่แห่ง4ี่มุมโลกนี้นี่เองรอบบริเวณใช้ล้วตะข่ายเหล็กลอรอบเสริมด้วยการวางยามทุกระยะ50เมตร กับรถสายตรวจติดปืนแบบสิงทะเลทรายวิ่งไปตามถนนรอบค่ายตลอด24ชั่วโมงอีกสแสดงว่าพื้นที่เหล่านี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างมากไม่มีใครที่ได้เข้าไปเห็นอุปกรณ์หรือการทํางานภายในค่ายแห่งนั้นแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลถึงจะชั้นสูงแค่ไหนก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูหรือไปตรวจเพราะนั่นมันเป็นความลับชั้นสุดยอดของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่จะต้องปิดบงังแม้แต่เจ้าของแผ่นดินที่ตัวเองไปตั้งอยู่ที่นั่นคือ ค่ายรัมมัสูนทันทีที่หอร์ลำนั้นลงสัมผัสพื้นรถจีบที่มีท่านอเมริกันขับไปจอดเทียบข้างําตัวเครื่องทันทีทางนี้เนื่องจากมีการแจ้งมาล่วงหน้าไว้แล้วว่าพันเอกหนอแมนกับนายท่านอเมริกันยศพันตรีคนจะมาสุราในครั้งนี้จีบคันนั้นมุ่งหน้าออกจากพื้นที่ค่ายรัมมัสูนทันทีด้วยความเร็วที่ค่อนข้างสูงตัดออกสู่ถนนใหญ่ตามเส้นทางเข้าสู่ตัวเมืองคนที่นั่งมาไม่ได้สนใจกับบรดานนคลับบาผี และเหล่าอีกตัวเมียเช่าที่มีอยู่เต็มหมดทั้งสองข้างถนนนั่นเลยรถวิ่งใหม่ประมาณสองกิโลเมตรเห็นจะได้ก็ถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงประตูรั้วเหล็กที่มีทหารสลาวัตของไทยเป็นยามอยู่เปิดประตูให้รถกรีบคันนั้นเข้ามาทันทีโดยไม่ต้องมีการสอบถามอย่างที่เคยทําต่อย่างใดเพราะที่หน้าประตูนั้นมีนายทหารไทยสองสามนายมารอต้อนรับอยู่แล้วพันเอกนอร์แมนก้าวลงจากรถก่อนแล้วตรงรีเข้าหานายทหารหัวหน้าของคณะที่ต้อนรับด้วยความคุ้นเคยกันมาก่อนทันที มือของคนทั้งคู่สัมผัสกันอย่างแน่นแฟน้นสวัสดีครับสอนทองสวัสดีครับเพื่อเนลขอบคุณแท้เกียรติมาเยี่ยมเราถึงที่นี่สอนทองในตำแหน่งเสนาธิการกองทัพภาคที่สองส่วนนาซึ่งปกติทำงานอยู่ที่จังหวัดสกลนครแต่ต้องมารอรับพันเอกนอร์แมนที่อุดรธา น, นีก็พอะเรื่องที่จะต้องปรึกษากันมีความเกี่ยวพันกันอย่างมากหน้าที่แห่งนั้นบรรดาเสือพรานต่างรู้จักกันดีในานามของตึกขาวหรืออีกในหนึ่งคือบอกสามสานั่นเอง บก33นี้ในภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นบก333บกแห่งนี้เป็นหน่วยรับผิดชอบต่อกองกําลังทหารไทยที่ปฏิบัติราชการในลาวโดยเฉพาะซึ่งปัจจุบันนี้บกแห่งนี้ได้เลิกภารกิจไปแล้วแต่ยังมีภารกิจอื่นเข้ามาแทนความเกี่ยวพันระหว่างพันเอกนอร์แมนสอนทองและบก33ก็คือพันเอกนอร์แมนเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจในลาวส่วนสอนทองเป็นผู้บังคับบัญชาของพวกนักล่ารับจ้างซึ่งยังต้องรับผิดชอบต่อบุคคลเหล่านี้อยู่ และบอก .33 อก็คือหน่วยที่ให้การสนับสนุนต่างๆสำหรับการลบในลาวทุกประเภทการมาของพันเอกนอร์แมนในครั้งนี้ดูเหมือนจะเกี่ยวพันกับศรทองโดยตรงคนเดียวส่วนบอก .33 อนั้นจะอยู่เพียงฐานะผู้รับทราบเท่านั้นพันเอกอเมริกันกับพันโทไทยเดินเคียงข้างกันเข้าสู่ภายในตัวอาคารบอก .33 อทันทีกล่าวกับตัวว่าใครจะมาพบเห็นเขาในเรื่องของทหารนั้น หากจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการปฏิบัติการของทหารแล้วมักจะใช้ห้องยุทธการเป็นสถานที่เพราะในนั้นจะมีอุปกรณ์ครบทุกชนิดที่จําเป็นต้องใช้ในการอธิบายประกอบหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นในครั้งนี้ก็เช่นกันซอนทองจึงเดินนําพันเอกหมอแมนเข้าสู่ห้องยุทธการของบอกอ .33 งานนี้หัวหน้าบอกอ .33 ไม่ได้มาร่วมด้วยวันนี้เคือเนีมีเวลามากไหมครับซอนทองเป็นฝ่ายถามขึ้นก่อนขณะที่นั่งลงยังต้องรับแขกภายในห้องนั้นถึงค่ําเลยแหละ วันนี้เราคงมีเรื่องที่ต้องปรึกษากันประสานกันมากหน่อยนะยินดีครับคุเน่ N e ทั้งสองฝ่ายเริ่มด้วยอัธยาศัยไม่ตรวงที่ดีใช่ว่าทั้งคู่จะเพิ่งรู้จักกันก็หาไม่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีแล้วที่ทั้งคู่ต้องประสานงานกันเอาเรื่องแร ก, ก่อนเลยนะสอนทองเรื่องการทํางานของชุดนอสตาพวกนี้เป็นเด็กดีมากนะเก่งฉลาดอ่อนน้อมและมีวินยัยพวกเขาสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ให้กับเรางานทุกชิ้นที่มอบให้ไม่เคยมีคําว่าพลาด เมื่อเร็ว เ, วเนี้จากภารกิจกู้ชีวิตนักบิน F4 Phantom ให้รอดกลับมาได้พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ติดอยู่ในตัวเครื่องเรื่องเนี้ได้มีหนังสือชมเชยจากประธานาธิบดีผมต้องข อ, ขอขอบคุณสอนทองที่ให้คนที่ดีที่สุดมาทํางานร่วมกับผมผมพอใจพวกเขามากนะทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานต้องขอข อ, ขอบคุณสอนทองจริงๆครับขอบคุณคีเนลที่ชมแต่ระวังนะครับมันจะดีแตกถ้าชมพวกมันมากๆผงไมห่หลอกสอนทองคนชุดเนี้ยเป็นคนดีจริงๆทุกคนเลย ผมยังหวังว่าคุณจะยังไม่เรียกพวกเขากลับนะสอนทองครับตอนนี้ยังไม่หรอกครับแต่สาหรับต่อไปนั้นก็คงต้องแล้วแต่ผู้บัญชาบัญชาระดับสูงนั่นแหละครับว่าจะเป็นคนเรียกกลับหรือไม่หรือจะมีภารกิจอื่นที่สําคัญกว่าเอาไว้ถึงตอนนั้นเขาว่ากันอีกทีแล้วกันครับนับเป็นข้อดี อ, อย่างที่คนยังสอนทองนั้นแม้จะมียศเป็นถึงนายพันโทแห่งกองทัพ บ, บกไทยมีตําแหน่งที่สําคัญคนหนึ่งของกองทัพมีการศึกษาที่จบจากสถาบันที่สูงสุดของประเทศ หรือแม้แต่หลักสูตรที่สําคัญสําคัญทางทหารที่จบมาจากสหรัฐอเมริกาก็ตามแต่คนยังเขายังอ่อนน้อมเสมอกับคนอื่นแม้แต่พันเอกนอร์แมนซึ่งสอนทอนระลึกอยู่เสมอว่าเป็นผู้ที่มีชั้นยศสูงกว่าตนจึงต้องให้การเคารพนับถือทางนี้ไม่ใช่เพราะประเพณีหรือขนบธรรมเนียมที่เป็นของไทยเราเท่านั้นแต่ระบบทหารนั้นต่างก็ถือเรื่องนี้เป็นสากลกันทั่วโลกแล้วงานใหม่ที่เคีเนลเคยว่ามานั่นแหะครับตอนนี้เริ่มหรือยงัง ซอนทองหมายถึงงานชิงตัวเฉลิยศึกที่ค่ายฟูหยางทางนี้ทางกองกําลังสหรัฐอเมริกาในประเทศเหล่าได้แจ้งเรื่องนี้ทางต้นสังกัดของพวกเขาได้รู้และได้รับอนุมัติก่อนหน้านั้นแล้วนั่นเองอ๋อเริ่มแล้วครับพวกเขาออกเดินทางกันเมื่อตอนที่ผมจะมานี่เองผมส่งเขาขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วก็มาที่นี่เลยคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วังครับผมก็เชื่อว่าไม่มีและงานนี้ต้องสําเร็จผมเชื่อมือจากดาวเหนืออยู่แล้วมันก็ไม่แน่หรอกครับคเรเนล แต่และ ว, วันฝนจะตกฟ้าจะร้องหรือไม่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเรื่องนี้ก็เหมือนกันมันอาจพลาดกันได้ถึงยังไงผมก็จะแจ้งความคืบหน้าทางสอนทองทราบทุกระยะก็แล้วกันครับขอบคุณครับคุณเนี่สอนทองรู้สึกพอใจที่คนของตนอย่างพวกนักล่ารับจ้างได้มีส่วนสร้างชื่อเสียงให้กับตนและหน่วยในครั้งนี้ได้หมายรวมถึงประเทศชาติอีกด้วยจากการที่มีหนังสือชมเชยจากท่านประธานาธิบดีงานของพวกนักล่าหับจ้างหรือนักล่าสังหารนั้นเป็นงานที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ มันเป็นงานแบบปิดทองใต้ก้นพระหมายความว่าองค์พระพังลงมาเมื่อไหร่นั่นแหละจึงจะเห็นากับการที่จะปิดทองหลังพระนั้นใครก็สามารถเดินเข้าไปดูได้โดยตั้งใจหรือไม่เท่านั้นงานของพวกนักล่ารับจ้างเป็นงานประเภทตัดไฟแต่ต้นลมภารกิจของเขาเป็นเรื่องของขบวนการนอกกฎหมายเพียงแต่เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้รับผิดชอบในการปกครองประเทศในอันที่จะนําพาประเทศชาติให้รอดปลอดภัยจากลัทธิอุบาทศัตรูที่ใช้วิธีการสกปรปก มันก็สมควรแล้วที่จะใช้วิธีเดียวกันตอบโต้พวกนักล่าสังหารแม้จะมีอํานาจมีอภิสิทธิ์ที่จะสังหารดับสูนย์ใครก็ได้ตามคําสั่งแต่พวกเขารวมทั้งคนที่สั่งไม่เคยแม้แต่จะคิดที่จะใช้สิ่งนั้นเป็นเครื่องสแสวงหาอานาจหรือผลประโยชน์ส่วนตนเลยนี่คือเหตุผลหนึ่งที่คนยังสอนทองได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงระดับผู้บริหารประเทศและเหตุผลอันเดียวกันที่สอนทองตัดสินใจเลือกชุดปฏิบัติการดาวเหนือให้ไปทําหน้าที่นี้ ทั้งพันเอกอมิการและพันโทไทยต่างช่วยเหลือตัวเองสําหรับกาแฟ ย, ยามนั้นคงมีหลายเรื่องที่คนระดับเสนาธิการจะต้องคุยกันเกี่ยวกับพอกรคในประเทศเป็นไงบ้างสอนทองสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเลยครับผู้มันขยายพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหนในระยะปีนี้ครับผลงานของพวกมันดีขึ้นมากจนคิดว่าน่าจะเป็นที่พอใจสําหรับพวกมันปีที่แล้วสรุปผลออกมามันขยายพื้นที่ที่ผลได้มากกว่าส5เปอร์เซ็นขยายมลชนได้มากกว่า30เปอร์เซนตเป็นอัตราการเพิ่มที่ค่อนข้างสูงครับใช่ เป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงในเราก็พอๆกันนั่นแหละครับแต่ในเวียดนามใต้รู้สึกจะมากกว่าประมาณเท่าตัวพันเอกนอร์แมนเมื่อมองไปที่แผนที่ยุทธการข้างฝาภาพของประเทศต่างๆปรากฏเหตุการณ์ลบพุ่งขึ้นมาในความรู้สึกจากความรู้สึกนั้นพันเอกนอร์แมนถึงกับเอาคําพูดของจ่าดาวเหนือที่ตนได้สนทนากันมาที่ว่าทํำไมคอมมอนิสต์ตายเพียงหนึ่งแต่มันเกิดใหม่อีกสามี่หหรือคําพูดที่ว่าคอมมอนิสต์ยิ่งตายมันยิ่งเกิด ฝ่ายเสของทั้งสองกองทัพสองประเทศต่างยอมรับว่าตนเองและทีมงานยังไม่เคยมีใครคิดเรื่องนี้มาก่อนในความรู้สึกนั้นไม่ได้คิดหรอกว่าจาดาวเหนือจะมีแนวความคิดแบบออกไซด์ site, ผู้บังคับบัญชาแต่ในขณะเดียวกันเสทั้งสองคนนั้นต่างก็มีประวัติการทํางานแบบเปิดกว้างสําหรับแนวความคิดของคนอื่นเสมอมาแม้แต่คนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในหัวข้อที่คุยกันเรื่องการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยคงไม่มีเรื่องใดจะดีไปกว่าการขอความช่วยเหลือจากมิตรประเทศ ภายใต้สนธิสัญญาหลายฉบับที่จะร่วมมือกันทำการต่อต้านรัฐธิคอมมนิสต์ที่แพร่ขยายในภูมิภาคนี้ซึ่งได้ผลผันเอกนอร์แมนสามารถที่จะผ่านอาวุธส่วนหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนแก่ราวโดยเฉพาะเอามาให้กับฝ่ายไทยตอนที่8การเจรจาพูดคุยวันนั้นนับเป็นความสาเร็จของสอนทองเป็นอย่างมาก เมื่อพันเอกนอแม่รับปากที่จะส่งอาวุธชนิดต่างๆมาให้โดยเฉพาะเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินตรวจการสอนทองฉลาดพอที่จะไม่เอาประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงแม้แต่เรื่องเงินที่จะมาปฏิบัติบำ บ, บลุงเครื่องบินเหล่านี้หนทางออกก็คือเครื่องบินเหล่านี้อยู่ในโครงการช่วยเหลือเราแต่เอามาใช้การในประเทศไทยงบประมาณต่างๆสหรัฐอเมริกาออกให้ทั้งหมดแบบนี้ถ้าไม่ดีแล้วแบบไหนละ่ะที่ดีกว่า จากความคุ้นเคยที่มีต่อกันมาแต่อดีตที่นานพอสมควรทําให้ทั้งคู่คุยกันอย่างถูกคอและทั้งเข้าเรื่องสําคัญที่จะต้องคุยกันเพราะเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นความสําคัญที่สุดของการพบปะกกันในวันนี้ก็ว่าได้โดยฝ่ายอเมริกันเริ่มก่อนสัทองเรื่องทิงตัวเฉลยสุดที่คายฟูอย่างคราวเนี้ผมคิดว่าผมคัดข้องเรื่องกําลังที่จะสนับสนุนชุดปฏิบัติการของจ่าดาวเหนือแลครับผมไม่เข้าใจครับเทเนลหมายความว่าไงคืนนี้นะสันทอง หลังจากที่ชุดปฏิบัติการสามารถพิสูจน์ทราบที่ตั้งค่ายได้อย่างแน่นอนแล้วเราจะทำการเข้าโจมตีค่ายของมันเพื่อชิงตัวเฉลยออกมาโดยมีชุดปฏิบัติการวางแผนการใช้กำลังเข้าโจมตีและเข้าชิงตัวให้ที่ผมว่าผมขาดกำลังที่จะสนับสนุนงานเนี้ก็คือผมไม่มีนักรบหรือทหารที่มีขีดความสามารถสูงๆในการเข้าปฏิบัติการอ๋อโอเคผมเข้าใจละล็อกเนลคิดว่าผมจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับอ๋อแน่นอนสิสอนทองคุณคนเดียวที่จะช่วยผมได้ แผนนี้จะสําเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่คุณคนเดียวเท่านั้นจริงๆทําไมเครเนลจึงคิดว่าผมมีความสําคัญขนาดนั้นเชียวสําคัญเลครับสําคัญทีเดียวก็คือผมอยากจะได้ทหารไทยเข้าไปปฏิบัติการยึดค่ายฉเฉลยคราวนี้สิครับครับผมเห็นด้วยกับเคอเนลแล้วผมเองก็พร้อมเต็มที่ที่จะสนับสนุนงานนี้แต่เครเนลต้องเข้าใจนะครับว่าผมน่อนุมัติเรื่องนี้ไม่ได้ต้องให้เบื้องบนเป็นผู้อนุมัติงั้นเอางี้ก็แล้วกันครับผมขอรายละเ อ, เอียดข้อมูลทั้งหมดไว้ก่อนแล้วผมจะขออนุมัติจากเบื้องบนเองดีมคัครบ นี่แหละที่ผมต้องการความจริงแล้วพันเอกนอร์แมนนั้นเข้าใจดีสําหรับขั้นตอนต่างๆในการที่จะส่งกําลังออกไปรบนอกประเทศแต่การที่ต้องมาเจราจากับศรทองก่อนนั้นเพื่อเป็นบันไดขั้นแรกซึ่งทุกครั้งก็ได้รับความสําเร็จเป็นอย่างดีนั่นแหละฝ่ายเมดิการจึงเริ่มชี้แจงเงื่อนไขต่อไปทันทีภารกิจเนี้ผมต้องการคนประมาณ1กองพันทหารราบจัดเป็น3ามกองร้อยปืนเล็กกับอีกหนึ่งชุดปฏิบัติการจู่โจมในการชาร์จเข้าชิงตัวฉเฉลย สำหรับกองร้อยกองบังคับการนั้นคิดว่าไม่จําเป็นหรือท่านคุณคิดว่าจําเป็นต้องใช้ก็สามารถจัดได้เรื่องอาวุธเรามีอาวุธรุ่นใหม่พิเศษพร้อมอุปกรณ์ครบทั้งอาวุธหนักอาวุธเบาตามอัตราทุกรายการเมื่อเสร็จภารากิจแล้วเราจะมอบให้กับกองทัพไทยไปเลยเหลือจจะเพิ่มเติมให้ถ้าทางไทยต้องการก่อนออกปฏิบัติการจริงสําหรับการฝึกซ้อมเราสนับสนุนงบประมาณทุกชนิดให้สําหรับขั้นต้นเป็นแบบนี้สอนทองคิดว่ามีปัญหาอะไรไหมคงไม่หรอกครับปัญหาเพราะทุกครั้งเราก็ทํากันแบบนี้อยู่แล้ว เพียงแค่นี้เพิ่มเติมตรงที่อาวุธที่ว่าเมื่อเสร็จภา ร, รกิจแล้วจะมอบให้กับทางไทยเลยความจริงอันนี้ผมคิดว่าเมื่อเป็นอาวุธและอุปกรณ์พิเศษแล้วทางสหรัฐอเมริกาจะกล้ามอบให้ไทยนะครับแน่นอนสอนทองเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมต่อรองกับทางผู้บังคับบัญชาของผมแล้วทางนั้นยืนยันมาแล้วว่าไม่ขัดข้องทุกอย่างอยู่ในดุลระยพินิจของผมที่จะนุมัติให้ได้ครับถ้างั้นผมจะได้รายงานให้เบื้องบนทราบเช่นกันคือเนียกว่าต่อไปเลยครับโอเคคราวนี้ก็เป็นเรื่องเงินที่เป็นเรื่องสิทธิกําลังพล กำลังพลนายสิบจะได้เบีย้ยเลี้ยงวันละ 2.5 ดอลลาร์ฝ่ายนายทหารได้วันละ5ดอลลาร์ตั้งแต่วันรายงานตัวจนถึงวันกลับเงินรางวัลพิเศษสำหรับนายสิบคนละ 3,000 ดอลลาร์นายทหารคนละ 5,000 ดอลลาร์หากมีการตายหรือพิการเราจะจ่ายค่าชดเชยให้ตามระเบียบกองทัพสหรัฐอเมริกาแต่สำหรับคราวนี้เรามีรายการพิเศษสำหรับกำลังพลทุกนายอีกคือเรามีการประกันชีวิตทั้งที่ตายและที่พิการในวงเงินคนละ 20,000 ดอลลาร์เงินทั้งหมดจะจ่ายให้เมื่อวันที่กลับจากภารนาานี้เป็ไงไ รับก็น่าสนใจผมคิดว่าผู้ใหญ่คงไม่ขัดข้องอย่างไรก็ตามกองทัพทั้งสองของเราก็เคยมีสัมพันธ์อันดีกันมาโดยตลอดเรื่องความเป็นความตายคงไม่มีปัญหาเพราะมันก็เคยตายมาแล้วไม่ใช่หรอครับแล้วงานจะเริ่มสักเมื่อไหร่ดีผมอยากให้เริ่มกันภายในสัปดาห์หน้านีาน้เลยกําลังพลทุกนายรายงานตัวเข้าค่ายฝึกผมคิดว่าใช้เวลาฝึกกันจริงๆแค่2 ส, สัปดาห์ก็พอหลังจากนั้นก็จะเป็นการรอจงกว่าทางด้านจาาดาวเหนือจะพร้อมจึงจะเคลื่อนกำลังเข้าปฏิบัติการจริงทำํำไมรีบเร่งนักล่ะครับฝึกกันแค่2 ส, สัปดาห์ แต่กว่าที่ชุดจ่าดาวเหนือจะเรียบร้อยเป็นเวลาทั้ง3เดือนคนที่ฝึกเสร็จจะไม่เซงก่อนหรือครับครับเรื่องเนี้ผมเข้าใจแต่เราต้องพร้อมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เวลาเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งทางเราต้องเป็นฝ่ายรอทางด้านดาวเหนือเราจะให้ทางดาวเหนือรอเราไม่ได้วันใดที่ดาวเหนือพร้อมเราต้องพร้อมทันทีเพราะทางดาวเหนือนะั่นหากเขาฝังตัวอยู่ในพื้นที่นานเกินความจําเป็นมันจะเป็นอันตรายอย่างมากยิ่งถ้าเกิดเสียรับขึ้นมาแล้วก็ฝ่ายเวียดนามเหนือมันย้ายค่ายเฉลยไปอยู่ที่อื่นเราจะเสียโอกาสไปทันที โอเคเคเนลผมยอมรับในเรื่องนี้ผมแจ้งเขาดําเนินการให้ด่วนที่สุดเลยแล้วกําลังลบประเภทไหนที่เคเนลต้องการครับผมหมายถึงทหารเสือพรานหรือทหารลาบจากหน่วยปกติครับโอเคนะสอนทองผมคิดว่าจะไม่รบกวนหน่วยทหารเสือพานที่ทํางานอยู่ในลาวแล้วหรอกเพราะว่าพวกเขามีภารกิจต้องรับผิดชอบมากอยู่แล้วแต่ผมมีแผนที่จะใช้พวกนั้นเป็นกําลังสนนุนดังนั้นผมเลยคิดที่จะจัด ก, กําลังกันใหม่ซึ่งจะไม่จัดแบบกองกําลังทหารเสือพานคือจเจ้าทหารที่มีขีดความสามารถสูง ทุกคนมีความพร้อมมีประสบการณ์ในการรบมาแล้วนั่นแหละเพราะภารกิจครั้งนี้เป็นการปฏิบัติในเขตพื้นที่ของสัตรธการส่งกำลังบำรุงการเคลื่อนย้ายการควบคุมบังคับบัญชาการติดต่อประสานงานทุกๆภารกิจสามารถทำได้ยากและที่สำคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติการครั้งนี้จะพลาดไม่ได้ต้องสำเร็จภายในครั้งนี้เท่านั้นสัตรธจะไม่ปล่อยโอกาสให้เราได้ปฏิบัติการซ้ำเพื่อเป็นการแก้ตัวเป็นอันขาดพันเอกนอร์แมนพูดอย่างตั้งอกตั้งใจ เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดหรือคนฟังเกิดความคล้อยเขวดได้ถ้างั้นเราเห็นต้องใช้กําลังรบจาหน่วยสงครามพิเศษซะแล้วละ่ะแน่นอนแน่นอนที่สุดต้องเป็นหน่วยนี้เท่านั้นเป็นอันว่าความคิดของทั้งสองเสนาธิการตรงกันในเรื่องของการพิจารณาเลือกใช้กําลังรบที่สนามบินทุ่งไหอหินจากดาวเหนือชวนพันตรีโรเจอร์ซึ่งทุกคนก็ได้ยินในคําชวนนั้นจึงถือโอกาสเป็นคําสั่งไปในตัว ทุกคนพยายามทำตัวอย่างปกติไม่เหล่ยวหน้าเดี่ยวหลังให้เป็นที่สังเกตจากประสบการณ์นั้นทําให้เชื่อได้ว่าบัดนี้พวกเขากําลังถูกจับตามองอยู่ทั้งที่มองด้วยตาเปล่าก็มองด้วยกล้องขยายส่องทางไกลและคนที่มองนั้นก็มีทั้งฝ่ายเดียวกันและฝ่ายตรงข้ามด้วยกระทั้งถึงที่ที่คิดว่ามันควรจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเดินทางไม่ต้องอาศัยแผนที่หรือเข็มทิศสําหรับการกําหนดแนวจากดาวเหนือชี้มือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศที่จะไปสู่เมืองซ้ําเหนือทันที ทุกคนรับทราบเราจะดกำลังแบ่งออกเป็นสองชุดยุทธเป็นชุดนำเล็กเปียกนิดพลชาตินำไปเปียกมือหอยมองสม ก, กบเบอือดินนี่ไปด้วยเมเจอร์ครับคุณสองคนก็ต้องแบ่งกำลังกันด้วยครับโอเคนอโนสตาผมเข้าใจตอนนี้คอน ล, ลินจะไปกับชุดนำแล้วผมจะไปกับคุณโอเคไหมไม่มีอะไรที่ไม่โอเคครับไม่มีอะไรที่ต้องตอบเป็นอย่างอื่นจ่าดาวเหนือมองกลาบไปรอบๆเห็นไอเปียกประกบมงสองคนอย่างย่ามใจ ไปบักซิเดอร์ไปกับปูเรามาเป็นเซวกันแล้วกูจะสอนงานให้คําว่าเซวก็คือเพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนที่รักกันมากๆตามความหมายของภาษาเรามงทั้งสองคนที่ออกจะกลุ่ในความเอาจริงเอาจังของหัวหน้าใหญ่ยิ้มออกมาด้วยความพอใจเพราะคิดว่าคนที่จะมาเป็นเสี่ยวคนใหม่ของมันนี้คงใจดีไปวะพวกเราเงินมันลอยอยู่ข้างหน้าแล้วใครจะเอาไปเอาได้เลยจา้าดาวเหนือออกคําสั่งซึ่งดูเหมือนพันตรีมีเดกกันทั้งสองก็พอจะรู้เรื่องบ้างหลังจากที่คลุกคลีกันมาพอสมควร จ่ายุทธพง์กับไอเล็กเป็นชุดลาตะเวนนาออกเดินนำแล้วเล่นฝีเท้าให้ห่างออกไปกระทั้งระยะเกือบ100เมตรตามสภาพความหนาบางของป่าในตอนนั้นชุดหลังจ่าดาวเหนือกําหนดให้อินพ์ไอเชษเป็นชุดระวังหลังไม่ต้องอธิบายหน้าที่หรือแจกแจงแผนการปฏิบัติแต่อย่างใดเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์ในการเดินทางทางยุทธวิธีมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนบนเส้นทางช่วงแรกจ่าดาวเหนือเดินเคียงคู่กับพันตรีโรเจอด้วยความเร็วที่ไม่มากนัก เราต้องการทิ้งระยะให้ห่างจากชุดนำของขบวนเมเจอร์ Major, คุณลงท่ายสิว่าเราต้องลัง่นจะสุนัดแรกเมื่อไหร่หมายความว่าไงนอสตาก็หมายความว่าเราต้องเจอพวกแกวอสิอ๋อคนน่าจะอีกสักสวันมัน้งไงไงถ้าเข้าป่าหรือกว่านี้ก็อาจจะมีโอกาสเจอรังหรือบอกอของมันเข้าบ้านก็ได้พันตรีโรเจอร์ตอบด้วยความมั่นใจและสบายใจที่ได้ร่วมมาในภารกิจครั้งนี้ความจริงเมเจอร์นี่เขาเก่งนะแต่เชื่อใจศัตรูมากเกินไปนิดหนึ่งเท่านั้นเอง ผมอยากจะบอกว่าเมเจอร์กําลังประมาทฝีมือไอ้กแก้วพวกนี้มากไปสักแล้เอ้าแล้วคุณว่าเราจะเจอมันสักเมื่อไหร่ผมว่าไม่เกินบ่ายวันนี้แหละที่กระสุนนัดแรกต้องได้สังหารสตร์กันบ้างหรือไม่แน่มันอาจจะเป็นฝ่ายสังหารเราเองก็ได้อะไรที่ทําให้คุณแน่ใจอย่างนั้นคุณสอนผมบ้างสิพันตรีโรเจอร์ยอมรับว่าตัวเองไม่รู้เรื่องจริงๆสําหรับการคาดการอย่างที่จ่าดาวเหนือบอก เราไม่ได้คิดด้วยว่าเป็นเรื่องเสียหายหรือเสื่อมเสียสักิ์สีนนท่านอเมริกันยศพันตรีที่จะให้ในายท่านไทยยศเพียงจ่าสิบเอกเป็นคนแนะนำให้ทั้งนี้เรื่องการลบแบบกองโจรตามตำรับของโง่เวียนเกียบนั้นตนเองยังห่างจาดาวเหนืออีกมากมายนักเมเจอร์อย่าลืมซิว่าทุกแห่งที่เป็นฐานที่มั่นของฝ่ายเราจะมีไอพวกเวทโกมันเกาะติดตลอดเวลาโดยเฉพาะสนามบินทุ่งหหินเนี่ย กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วที่เครื่องบินที่กําลังลงหรือกําลังจะขึ้นจากที่นี่โดนในพวกที่เกาะสอยลงมาเราก็รู้ไม่ใช่เหรอใช่เรื่องนี้ทุกคนรู้เราก็เลยต้องเข้มงวดเวรยามแล้วก็เพิ่มการลาตะเวนรอบๆสนามบินให้มากขึ้นอีกแล้วเมเจอร์คิดหรือวไอ้พวกเกาะสนามบินมันจะถอยหนีไปแต่มันก็คงทําอะไรได้ไม่สะดวกนะใช่ครับไม่สะดวกแต่มันก็ยังอยู่ไหมล่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจจา่าดาวเหนือเวลายะที่จะตอบคําถามเล็กน้อยในขณะที่มองย้อนไปทางด้านหลังเพื่อสังเกตการบางอย่างแม้จะยังไม่ละแคาลระขาย ก็พอจะรู้ว่าตอนนี้ไอ้สองคนที่เป็นชุดระวังหลังมันอยู่ตรงไหนแล้วจึงหันมาตอบเมเจอร์แน่ใจไปได้เลยไอ้พวกทหารลาวท่านมงที่กองทัพสหรัะจ้างมันไว้ตอนนี้น่ะมันทํางานได้ไปถึงครึ่งของคําสั่งที่สั่งมันไปหรอกเอาแค่ที่เราออกมาเนี่ยเมเจอร์เห็นไอ้พวกลาตระเวนเลยพวกระวังป้องกัน ร, รอบฐานบินสัตัวหรือยังพันตรีโรเจอร์พาซืซ์หันไปมองรอบๆตัวตามที่จ่าดาวเหนือบอกมาให้ซึ่งก็ยอมรับว่ามันเป็นความจริงเออจริงด้วยนอสตา ผ ม, มผมไม่แยากับสังเกตผมนี่แย่จริงๆอดี๋ยวโทษตัวเองเลยเมเจอร์มันเป็นของธรรมดาที่เขาว่าเส้นผมบางภูเขาอ่ะใครๆก็มาจัดะดเลยมองข้ามจุดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ไปหมดตอนที่เราลงจากซีนุกมาอนะ่ะใครต่อใครมองมาที่เราเป็นตาเดียวกันหมดในจํานวนนั้นเมเจอร์เชื่อหรือว่าจะไม่มีคนของมันรวมอยู่ด้วยแล้วรอบๆสนามบินแห่งนี้มันยังมีไอ้พวกเกาะติดตลอดเวลาพวกนี้มันกําลังเดินตามเรามาถ้าไม่จริงผมท้ายเตะฟีเลยเมเจอร์ ตอนที่เกพันตรีโลเจอร์เริ่มเข้าใจตามที่ได้รับคําอธิบายมองซ้ายมองขวาด้วยท่าทางระวังตัวมากขึ้นจนเห็นได้ชัดสายตามองไกลออกไปอย่างพินิจพิเคราะห์ถ้ามาซุ่มโจมตีเราเราจะทํายังไงดีล่ะนอสตาแล้วก็สู้มันสิเมเจอร์เอ้าแล้วผมไม่เห็นคุณชี้แจงแผนการปฏิบัติเมื่อถูกซุ่มโจมตีลูกน้องคุณได้รู้เลยจ้าดาวเหนืออยากจะหดร้อนในความไร้เดียงสานั้นโถเมเจอร์เรื่องแบบนี้พวกผมโดนกันมาจนชินแล้ว ทุกอย่างพวกเราจะทำกันอย่างอัตโนมัติไม่ต้องมาสั่งการอะไรกันอีกจะสั่งการก็ต่อเมื่อเราต้องการเปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินกลยุทธ์เท่านั้นแหละแล้วถ้าหากว่าจําเป็นต้องถอนตัวแบบหลบหลีกหลีกหนีที่ต้องใช้วิธีการแทรกซึมออกจากพื้นที่การสู้รบหล่ะคุณกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว้บ้างหรือเปล่าแน่นอนเรื่องนี้มันก็ต้องมีแล้วพวกผมก็ทํากันมาจนทุกคนรู้ใจกันหมดเรากําหนดไว้อย่างนี้เอาเรามันเจอถามก็ดีและจะได้รู้ซะเลยเพราะบางทีอาจต้องมีการนําออกมาใช้กันบ้างก็ได้เรากําหนดกันไวอ้อย่างนี้ครับ การถอนตัวจะกระทํากัน2แบบคือแบบถอนทีละชุดแบบผัดกันถอนโดยพวกที่ถอนก็ถอนไปพวกที่ยังไม่ถอนจะคอยยิงกดความเคลื่อนไหวของศัตรูให้จนกระทั่งพวกที่ถอนก่อนได้ระยะที่เหมาะสมก็จะทําการยิงกดศัตรูให้แทนเพื่อชุดแรกจะได้ถอนบ้างทําสลับกันแบบเนี้ยจนกว่าทุกคนจะถอนออกมาได้หมดส่วนอีกแบบก็คือถอนทีเดียวเลยทุกคนต่างคนต่างถอนด้วยการกระจายกันออกรอบๆตัวไม่ไปแบบรวมกันเป็นกลุ่มการถอนแบบเนี้ยเมื่อถอนตัวไปแล้วต้องไปพบกันที่จุดนัดพบ สำหรับจุดนัดพบถ้ากำหนดจุดที่แน่นอนได้ก็กำหนดไปเลยแต่ถ้ากำหนดจุดที่แน่นอนไม่ได้ก็ให้ทุกคนถึงระยะ2กิโลเมตรทางขวาของจุดเริ่มถอนตัวโอเคผมเข้าใจแล้วแล้วถ้าจุดนัดพบแบบที่ไม่ได้กำหนดไว้ก่อนตรงนั้นมีศัตรูอยู่ละ่ะเราก็ย้ายออกขวาไปซ้ายสิครับเมเจอร์ Major. อืมง่ายดีนะแล้วที่ใช้มาได้ผลไหมได้ผลสิครับเราก็ใช้กันมาตลอดก็ยังไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยยกเว้นคนที่เฟริรฟ้าเท่านั้นแหละถ้ามันโง่ยอย่างนั้นก็สมควรตายครับเมเจอร์ครับผมเห็นด้วย เสียงเสียงสนทนาทั้งคู่ก็โห่รองมาเกือบจะดังลัน่นโดยที่ลูกน้องคนอื่นๆไม่รู้สาเหตุด้วยแต่ก็ไม่สนใจอะไรต่างก้มหน้าก้มตาเดินบ่อยครั้งที่สายตายจะต้องมองให้ไกลออกไปการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะกับระเบิดคือสิ่งที่พวกเขาทุกคนต้องระวังอย่างมากการเดินจึงมักใช้เส้นทางที่คนข้างหน้าเดินไปก่อนนั้นเป็นหลัก mm hmm. เกือบสามชั่วโมงผ่านไปตั้งแต่เริ่มออกเดินทางตอนนี้ได้ระยะทางกว่า5กิโลเมตรแล้ว จะยุทธพงษ์ในฐานะคนนําขบวนไม่ได้เร่งรีบอะไรเป็นการเดินแบบถนอมกําลังไว้เสียมากกว่าเพราะถึงอย่างไรระยะทางที่ต้องเดินต่อไปข้างหน้านั้นยังเหลืออีกกว่า100กิโลเมตรจึงคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะต้องไปเร่งตามแผนนั้นพวกเขาควรจะเดินให้ได้สักวันละ10กิโลเมตรโดยใช้เวลาในการเดิน1 5บหถึงยีวันมันก็น่าจะเพียงพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆตามเส้นทางที่ห่างออกไปเสียงเครื่องบินที่ขึ้นลงที่สนามบินเริ่มเบาลง ร, ระยะที่ไกลออกมามากแล้วบางครั้งมีเครื่องบินที่ขึ้นฝึกบินหรือปฏิบัติภารกิจให้เห็นพวกนักลาดหลับจ้างมองดูอย่างไร้ความหมายแต่ก็รู้สึกอบอุ่นใจที่ได้เห็นเพราะดูเหมือนกับจะเป็นสัญชาตญาณที่ว่าเมื่อออกปฏิบัติการหน้าที่ใดก็แล้วแต่หากมีเครื่องบินของฝ่ายเดียวกันปรากฏนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ห่างจากบอกอหน่วยเหนือเลยเส้นทางที่ผ่านไปนั้นบางครั้งขึ้นลาดบางครั้งลงลาด ป่าสองข้างเป็นป่าโปร่งสำหรับพื้นที่ที่ปรับแล้วไร่เขาโพดกับมันสําปะหลังที่พวกชาวเขาเผ่ามงปูกกันถูกเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วคงเหลือแต่ตอที่เป็นซากให้เห็นลักษณะภูมิประเทศในตอนนั้นช่วยการเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกสบายไม่มีหมู่บ้านไม่มีผู้คนออกมาทําไร่ไถนาที่ต้องคอยหวาดระแวงว่าจะมารู้เห็นการมาของพวกนักล่าลับจางอีกสองกิโลเมตรต่อมาเส้นทางเริ่มขึ้นลาดที่ค่อนข้างจะชันป่าเริ่มทึบขึ้น สองข้างทางมีพุ่มไม้ที่สูงในระดับต่างกันเต็มพืชไปหมดชุดปฏิบัติการทั้ง16ยังคงรักษาระดับการเดินไปเรื่อยๆแต่ทั้งธําท่าจะลงไปในหุบจ่าดาวเหนือกําลังคอยดูว่าคนนําจะแก้ปัญหาไม่ให้ขบวนเดินลงไปก้นหุบนั้นได้อย่างไรจา่าเยุทธทพงตัดสินใจหักหลบขวา90องศาเพื่อไต่ขึ้นสันเนินทันทีจ่าดาวเหนือเห็นแล้วว่าทําถูกเพราะเป็นการยึดพื้นที่ที่สามารถตรวจการสู่เบื้องต่ําได้ทั้งสองด้านของภูลูกนั้น นั่นคือลักษณะภูมิประเทศที่ได้เปรียบนั่นเองลักษณะภูเขาในประเทศลาวส่วนใหญ่ภูเขาเ่านั้นจะติดต่อกันเป็นแผ่กว้างยาวติดกันไปหมดไม่มียอดใดยอดหนึ่งที่จะสูงเด่นแหลมขึ้นมาซึ่งลักษณะนี้คนลาวเรียกว่าภูเพียงคือภูเขาที่สูงเท่าๆกันนั่นเองจนกระทั่งทั้งหมดเข้าสู่บริเวณที่เป็นพื้นราบอีกครั้งถึงจะเป็นพื้นราบแต่ก็เป็นพื้นราบบนยอดเขาที่มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลอยู่ดี ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวที่ทางภาคเหนือของไทยเราเรียกว่าต้นเอียงไม้อื่นประเภทไม้ประดู่พยุงมะคา่าพอมีขึ้นบ้างปแปลายไม้เอียงเป็นไม้ประเภทสนเหนือไม้มียางมากจนสามารถติดไปได้แม้แต่ยังสดๆอยู่จากดาวเหนือพยายามเปิดประสาทท้ง5ต้อย่างเต็มที่มานานแล้วแต่เมื่อมาถึงบริเวณนี้ต้องเพิ่มขึ้นอีกเพราะจากการสังเกตภูมิประเทศแล้วเห็นว่าตรงนี้เหมาะที่จะใช้เป็นที่ซุ่มโจมตี ขบวนเดินมองไปไกลที่จ่ายยุทธภพกับไอเล็กที่เป็นชุดนำเห็นว่าเริ่มเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นก็เบาใจส่วนพันตรีคอรลินนั้นดูท่าทางเจ้าจริงเอาจังกว่าพันตรีโรเจอร์เสีย อ, อีกนั่นแสดงว่าวิญญาณของพวกนักล่าสังหารที่เคยเลื่องลือยังไม่ได้สลายหายไปไหนแม้จะต้องกลายสภาพจากนักล่าสังหารมาเป็นนักล่ารับจ้างที่ทํางานเพื่อเงินก็ตามทีกล่วาวคาดการของจา่าดาวเหนือก็เริ่มปรากฏแววแห่งความเป็นจริงขึ้นมา มาเสียงให้ผ่อนที่เป็นพลวิทยุขนาดเดินตามหลังหัวหน้าชุดรายงานเหตุการณ์เข้ามาพี่ครับข้างหลังให้สัญญาณมาไหวพวกนั้นสะกดรอยตามมาครับเออดีกูสงสัยมานานแล้วว่าทําไมมันเงียบไปนานจังมันน่าจะโผล่มาตั้งนานแล้วเมเจอร์เพื่อนคุณตามหลังมาแล้วจ่าดาวเหนือบอกต่อใพันตรีโรเจอร์รู้ทันทีเหมือนกันโอเคนอสตาคุณนี่คาดการได้แม่นยําจริงๆแล้วคุณจะเล่นเกมกับมันเลยไหมเล่าอ๋อแน่นอนต้องเล่นแน่เพราะถ้าขืนปล่อยไว้นานกว่านี้มีหวังมันต้องไปขนพวกมันมาอีก เพราะฉะนั้นงานนี้ต้องไม่ให้รอดแม้แต่คนเดียวเริ่มยังไงเริ่มเลยยังไงล่ะเดี๋ยวใจเย็นเมเจอร์เดินไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องสนใจมันเดี๋ยวมันเกิดรู้ตัวก่อนแล้วก็ยุ่งกันใหญ่เลยเดินไปเถอะตอนนี้มันยังไม่กล้าทําอะไรหรอกไปเรื่อยๆไปธรรมดาธรรมดาของเรานี่แหละเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคนอสตานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชุดปฏิบัติการของจ้าดาวเหนือทุกฝ่ายตรงข้ามสะกดรอยตามเขาเจอมาจนนับครั้งไม่ถ้วนแล้ว ดังนั้นในสมองของเขาจึงพร้อมที่จะดําเนินแผนการแก้เผ็ดมันได้ในทันทีทันใดเรียกว่าได้ทุกเมื่อว่างั้นเถอะก็ไม่ใช่เฉพาะตัวจ่าดาวเหนือเพียงคนเดียวที่เข้าใจหรอกลูกน้องทุกคนต่างก็เคยผ่านมาแล้วเช่นกันขั้นตอนต่างๆที่เคยทํากันมาบ่อยๆนั้นทุกคนจึงชํานาญในครั้งนี้ก็เช่นกันที่ศัตรูพวกนี้บังอาจล้อเล่นกับความตายมันไม่รู้ตัวหรอกว่ากุ้มคนที่มันกําลังติดตามมาจะสังหารนี้ล้วนฝีมือนักฆ่าระดับเสียนทั้งสิน้น จากรายงานว่ามีศัตรูสะกดรอยตามมาจากข้างหลังมันจะเป็นใครมีจํานวนกี่คนก็ตามเขาจําเป็นที่จะต้องดับศูนย์พวกมันให้ได้เสียก่อนสิ่งที่กําลังทําอยู่ตอนนี้คือการหาพื้นที่เหมาะๆสาหรับงานดับศูนยเยื่อสังหารรายแรกไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแต่อย่างใดสําหรับเมื่อาชีพยังจ่าดาวเหนือผู้เปรียบเสมือนมันจุราชที่ชอบหยิบยื่นความตายให้กับเราศัตรูโดยเฉพาะศัตรูหัวแดงคอมมอนิสต์เราฟ้ากรประทานโอกาสให้จ่าดาวเหนือเมื่อพบจุดที่ต้องการ ไอคอมวิทยุมือถือที่มีขนาดโตกว่าซอบุรี่นิดเดียวทูกดึงออกจากซอกไหล่กดสัญญาณเรียกไปที่หัวขบวนทันทีมีอะไรครับพี่จา่ายยุทธพงศ์ตอบมาทันทีที่มีเสียงสัญญาณเรียกซึ่งหลุย อ, อยู่เต็มอกแล้วว่าใครเป็นคนเรียกยุทธตอนนี้มีเหยื่อสะกดรอยตามมายังไม่รู้จํานวนนะแต่คาดว่าไม่น่าเกินสี่คนตามที่มันชอบจัด ก, กําลังกันให้เตรียมการดับศูนย์มันซะเลยใช้คนแค่สี่คนก็พอวางกําลังเปนถูงล้อมมันไว้โอเคไหมโอเคครับพี่ เริ่มเลยนะเอาแนวป่าข้างหน้านี่แหละโอเคดีมากดูเหมือนจ้ายุทธพงศ์ก็เข้าใจดีในหลักการเลือกพื้นที่สําหรับงานนี้จึงรายงานมาที่หัวหน้าถึงจุดที่จะใช้ซึ่งก็เป็นจุดเดียวกันกันกบที่จ่าดาวเหนือหมายตาไว้เช่นกันเอาเลยเลระนอสตาครับเมเจอร์เอาสิงานนี้ผมเล่นด้วยไม่ต้องหรอกเมเจอร์ Major. ตอนนี้ผมสั่งการชุดข้างหน้าเป็นคนเล่นแล้วเขาจะแยกตัวไปเตรียมตลบหลังให้เหยื่อสังหารแบบไม่ให้มันรู้ตัว เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆก่อนปล่อยให้มันตามเรามาส่วนเมเจอร์กับเมเจอร์คอรินต้องเป็นตัวล่อมันไปก่อนครับเพราะคุณสองคนเป็นเป้าหมายที่เด่นที่สุดถ้าคุณสองคนหายไปมันจะสงสัยได้ตอนนี้เดินไปเรื่อยๆก่อนชมนกชมไม้ไปพลางๆปล่อยเป็นหน้าที่เด็กๆมันดีกว่าอเยอะสังหารแค่เนี้มือไม่ถึงระดับเมเจอร์หรอกครับจ้าดาวเหนือกแกล้งพูดถุวงเวลาเผยการเคลื่อนที่เดินไปข้างหน้าของพันตรีโรเจอร์เป็นไปอย่างปกติที่สุดซึ่งก็ได้ผล พันตรีเมิลกันดูจะเข้าใจง่ายที่สุดสำหรับงานแบบนี้จ่ายยุทธพง์ตัดสินใจที่จะลงเล่นเกมนี้ด้วยตัวเองเพราะมีความมุ่งหมายส่วนตัวในบางสิ่งบางอย่างอยู่พร้อมกับเลือกคนที่อยู่ใกล้ที่สุดที่ง่ายต่อการสั่งการไอชาดไอ้ผลไอ้นิดรวมเป็นสี่คนส่วนที่เหลือให้เดินนำขบวนต่อไปจ่ายยุทธพง์กับไอชาดแยกตัวขางซ้ายและขวาก่อนโดยการลัดล้อไปตามแนวซุ้มหมายที่ค่อนข้างสูง กะว่าเอาจะใช้สักระยะ50เมตรจากแนวทางเดินเดิมขบวนเดินต่อไปอีก 50-60 เมตรไอ้พลกับไปนิดก็แยกตัวทางด้านข้างบางสองคนหลังนี้ก่ายให้ห่างซึ่งกันและกันในระยะไม่เกิน30เมตรในแนวเดียวกันแต่ทั้งทุกอย่างเรียบร้อยขอบวนเดินยังเดินไปเรื่อยๆไม่มีใครสนใจพวกที่ซุ่มอยู่แม้จะรู้ว่าซุ่มอยู่ตรงไหนแล้วก็ตามใหย่พลาดนะวะจะพลาดงานเนี้อกูจะให้พวกมึงไปเรียตูดหมาจากดาวเหนือพูดออกมาลอยๆแบบที่ไม่ดังนัก มาเดินผ่านจุดที่สองคนหลังมันส้มอยู่ไม่มีอาการที่ผิดปกติใดๆจกขบวนเดินนั้นทั้งความเร็วและระยะต่ อ, อยังปกติแผนนี้จากดาวเหนือและพวกราชสังหารเคยใช้ได้ผลมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนความจริงแล้วคนที่เป็นเจ้าตํำรับวิชาการลบแบบกองโจรที่คิดขนการต่อต้านการสะกด ร, รอยแบบนี้ก็คือปรมาจารย์วงเหยียนเกี๊ยบนั่นเองและวิธีการของมันนั่นแหละที่จะย้อนกลับไปสังหารคนของมันมันเหมือนกรรมสนองกรรมไม่ผิดเพีย้ยน ไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้พวกราสังหารได้นําหลักการวิธีการของมันมาใช้หนามแหลมของมันทิ่มอกมันเองเรื่องก็เลยมันพิลึกจ่ายยุทธพง์ซุ่มอยู่ทางซ้ายของเส้นทางเดินมองเห็นไอชาติอยู่ทางขวาทั้งคู่จะเป็นมือแรกในการสังหารคราวนี้ส่วนไอพลกับไอนิดรออยู่ด้านไหนการวางตัวของทั้งสี่คนเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูที่ด้านในแคบกว่าด้านนอกด้านจ่ายุทธพง์เปรียบเสมือนเป็นป่าถุง พร้อมจะปิดล้อมศัตรูให้อยู่แต่ในพื้นที่ถุงเท่านั้นขบวนเดินผ่านไปนานแล้วขาดวาระยะไม่ต่ำกว่า500เมตรจากลักษณะภูมิประเทศแบบนี้ไอ้พวกสะกดรอยตามมันไม่น่าทิ้งระยะให้ห่างกว่านี้ดังนั้นเชื่อว่าอีกไม่นานเกินหรอกมันต้องโผล่ออกมานั่นคือความคิดของคนซุ่มทั้ง4ี่คนตามที่ต่างคนต่างก็เคยมีประสบการมาแล้วและแล้วทุกอย่างก็ปรากฏเป็นความจริงออกมา ตอนที่สิบเหยื่องหารรายแรกที่เห็นมันคือไอเวตโกงของแท้เครื่องแบบสีเขียวโทมโทม ส, มสวมหมวกแบบทาหารจีนรองเท้ายางสารในมือถืออาก้าสิเจ็ดที่ผ่านถ่ายทําด้วยหมายคนแรกที่เป็นตัวนําถือปืนอย่างระมัดระวังมันพยายามมองออกไปไกลๆเพื่อสังเกตกลุ่มเป้าหมายที่ขบวนเดินนั้นมันใช้คนนำเพียงคนเดียวแล้วที่เหลือก็โผล่อมาให้เห็นจนํานวนอีกสามคนที่มีการแต่งกายเหมือนกับคนนํา แอ้สามคนหลังเดินห่างในระยะไม่เกิน30เมตรมันพยายามจับตาดูคนที่เดินหนำยังไม่วางตาจนบางครั้งมันลืมที่จะตรวจการพื้นที่ที่มันต้องเดินผ่านไปนั้นมันคงไม่นึกว่าจุดจบของมันจะอยู่ที่ตรงนี้และเป็นอย่างนี้มาก่อนแน่จายยุทธภงศ์ใจเย็นพอที่จะปล่อยหเหยื่อสังหารรายแรกเดินผ่านไปอย่างไร้อาวรนฉุดซุ่มต่างรู้กันดีว่าเมื่อเหยื่อสังหารที่มีจํานวนเท่ากันกับฉุดซุ่มการแบ่งปันเป้าหมายจึงเป็นไปอย่างอัตโนมัติ คนแรกที่นํากับคนแรกในสามคนหลังควรจะเป็นของไอ้พลกับไอ้นิด ท, ที่ซุ่มอยู่ด้านในส่วนสองคนหลังก็คือของชุดซุ่มที่เป็นปากถุงนั่นเองยังไม่มีวีแวววเหยื่อสังหารทั้ง4จะสำเนียกภัยแต่อย่างใดจ่ายยุทธพงษ์ทําสัญญาณให้ไอ้ชาติว่าตนจะเอาไอ้คนที่เดินหน้าส่วนไอ้ชาติให้เอาคนที่เดินหลังสุดไอ้ชาติเข้าใจจึงส่งสัญญาณมือตอบส่วนทางด้านไอ้พลกับไอ้นิดก็ตกลงกันว่าคนที่เดินหน้าแหลมเสิบเป็นคนนํา ที่พาพวกมาตายนั้นให้เป็นหน้าที่ของไอ้ผลและแน่นอนที่ไอ้หนิต้องเป็นไอ้คนถัดไปเหยียดฟังหารทั้งสี่บัดนี้เงามะจุล่าทอดผ่านตัวยังไม่รู้สึกเดินย่องระวังเสียงระวังสัญญาณคนนํายังใจจดใจจ่อถ้ามันมียานวิเศษที่บอกเพศภัยได้ป่านนี้มันคงรู้ตัวแล้วว่าเอ็มสิบหกนวนเท่ากับชุดของมันกาลังจ้องมาที่ล่างของมันยังเหมาะเหมง่งจ่าดาวเหนือผู้ที่เชื่อมือชุดซุ่มไม่มีท่าทีว่าจะสั่งการหรือแก้ไขเพิ่มเติมอะไรอีก ขบวนเดินยังคงรูปหน้าไปเรื่อยๆตามเส้นทางเดิมนั้นในขณะเดียวกันม้งสองคนนั้นต่างหากที่มีอาการลุกลี้ลุกลนตลอดเส้นทางมันไม่รู้หรอกว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครบอกมันแต่มันรู้ก็ตรงที่อยู่ๆคนในขบวนเดินหายไปถึง4ี่คนมันอยากจะถามด้วยความคันปากแต่ก็ไม่กลา้าเพราะไม่รู้ว่าคนที่มันถามจะตอบมันว่าอย่างไรเลยต้องทนนิ่งเดินตามเขาไปกระทั่งได้ระยะเวลาอันเป็นมงคนละเลิก จ่ายุทธพงก็เริ่มทันทีโอ๊ยโอ้ยกระสุนนัดแรกเป็นของจ่ายยุทธพง์แล้วตามด้วยของไอชาที่ห่างกันไม่ถึงเซี่ยววินาทีกระสุนผู้นั้นเจาะเข้าที่กระบาลไอเยือดสังหารตามที่แบ่งสันปันส่วนกันไว้อย่างแม่นยำโอ๊ยโยคราวนี้เป็นของไอพลกับไอนิด ท, ที่อยู่ด้านไหนทั้งสองตะบอกดูเหมือนจะดังขึ้นพร้อมกันเลยซึ่งห่างจากคู่แรกที่ปากทางเข้าชนิดที่เรียกว่าไม่มีนาฬิกาใดในโลกจะจับเวลาที่ห่างกันของปืนทั้งสองชุดนี้ได้ เยื่อสังหารมีอาการเดียวกันหมดกระโหลกที่แตกกระจายกระจุยด้วยลิ้ของกระสุนหัวระเบิดร่างของเยื่อสังหารมีโอกาสร้องโอยออกมาได้เพียงคําเดียวมันไม่มีแม้แต่กําลังที่จะลั่นไกกระสุนอาการ์47ในมือนั้นเพราะสมองที่จะสร้างงานนั้นระเบิดเอาเป็นเสี่ยงไปแล้วนั่นเองมากของจ่ายยุทธพงษ์ยังเหมือนเดิมทันทีที่กระสุนในมือลั่นออกไปไม่มีการรอดูผลจากปืนกระบอกอื่น กระลุกออกจากจุดซุ่มเดินแหวกเสียงปืนของเพื่อนร่วม ง, งานไปที่ล่างของเยื่อสังหารนั้นทันทีพร้อมกับโบวีที่คมกริบเหลามีดโกนพร้อมอยู่ในมือแตะทางถึงร่างไร้วิญญาณของเยื่อสังหารก้มตัวลงไปจัดการกับใบหูข้างขวาโดยการออกแรงเพียงนิดกดใบมีดลงไปที่ใบหูและกระดูกข้างนั้นก็ติดมือมาไม่ใช่ลายเดียวแต่มันต้องทั้ง4ี่ลายจึงจะสามารถขี่ยุติธรรมไม่งั้นเราเดี๋ยวไอพวกเวทโกงมันจะหาว่าเลือดที่รักมัดที่ช่าง ลูกน้องอีกสามคนจัดการกับปืนที่ควรจะยึดมากับสิ่งของอื่นๆที่สําคัญก่อนที่จะจัดการกับศพซึ่งต้องนําไปสุกซ่อนให้คนตาไม่ได้เกรงว่าใครจะมาเห็นเข้าแต่ที่ต้องทําเพราะต้องการยืดวเวลาไปเท่านั้นเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้อนานเท่าไหร่ที่คนของมันจะมาพบเข้าดังนั้นคิดว่ามันควรจะพบหรือรูออ้หลังจากที่มือสังหารเดินทางจากไปไกลแล้วจะดีกว่าซ่อนศพเสร็จก็ต้องมาจัดการเคลียร์พื้นที่อีก ลอยเลือดกับรอยดินก่อนตายต้องให้หายไปจนคนที่เดินผ่านมามองไม่ออกนั่นแหละจ่าดาวเหนือกับพักพวกต่างได้ยินเสียงคนร้องอย่างชัดเจนเพราะตั้งใจคอยฟังอยู่แล้วเชื่อร้อเปอร์เซนว่างานนี้ไม่มีคําว่าพลาดพักร อ, อก่อนไว้พวกเราตะโกนสั่งการไปข้างหน้าพอรู้ว่าตอนนี้ชุดซุ่มกําลังทําอะไรกันเรียบร้อยหรือนอสตารครับเรียบร้อยละร้อยเรียบทุกคุณนี่เก่งจริงๆต้องขอบคุณท่านประธานาธิบดีถึงจะถูกที่ท่านส่งอาวุธดีๆมาให้ ทั้งคู่ก็เลยหัวเราะกันลั่นพอรู้แล้วว่ายามนี้ปลอดภัยไม่มีอะไรมากวนใจอีกรอดูแต่ผลงานที่ชุดซุ่มจะนำมารายงานให้ทราบเท่านั้นทางชุดนําเห็นไอเปียกกําลังคุยกับพันตรีคอรินขาดวัเปียกคงเล่าแผนการต่างๆให้พันตรีอเมริกันได้เข้าใจส่วนไอ้มงสองคนนั้นปิดปากเงียบไม่รู้มันกําลังคิดอะไรอยู่เหมือนกันที่เห็นอยู่ในตอนนี้ก็คือมันเอาแต่อัดบุหรี่เข้าปอดอึกแล้วอึกเหลาเหมือนคนไตอดไตอยากก็เห็นมันบอกว่ามันรู้ภาษาอังกฤษดี มันก็น่าจะเข้าใจที่เปียกําลังพูดให้พันตรีคอรินฟังแต่ที่มันไม่รู้เรื่องคงเป็นเพราะราคาคุยของมันในตอนแรกนั่นเองไม่ถึงสิบนาทีชึกซุ่มก็กลับมาได้ไรบางวายุฒิโถ่พี่ผมก็เอาต่ใบหูมันเท่านั้นแหละแล้วของอื่นละ่ะข้างหลังโน่นพี่หนักชิหายเลยเอามากินหาอะไรกันวะจ่ายุทธพงษ์บทเล่นๆขณะที่ใช้เชือกสายเอ็นเล็กๆที่เตรียมมาร้อยใบย ห, ใหูเยือกสังหารให้เป็นผ่วงเพื่อง่ายต่อการนำํำพา ไอ้มองสองคนงงเป็นไก่ตาแตกถึงกับอ้าปากค้างเพราะไม่เคยเห็นคนทําอย่างนี้มาก่อนในชีวิตความโหดเยี่ยมอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการตัดหัวคนผ่าท้องผ่าอกควักไส้ควักลูกตาหรือแม้แต่ทะลกหนังหัวทั้งสองคนเคยเห็นมาแล้วแม้ไม่เคยทําด้วยมือตัวเองก็ตามแต่คราวนี้ใบหูคนแท้ๆที่ต้องติดตามไปให้เห็นตลอดเวลามันย่อมอดที่จะสะท้อนใจเสียไม่ได้เห็นคราใดมันเหมือนเห็นเจ้าของมันเดินตามมาด้วย อเมริกันสองคนแทบไม่เชื่อสายตาทั้งๆ ท, ท, ที่รู้มาก่อนว่าจ่ายยุทธพงษ์นั้นชอบกระทำแบบนี้นอกจากนี้ยังรู้อีกว่าพวกล่าสังหารจะมีการตัดอวัยวะของศพที่ตนสังหารสําหรับเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของการฆ่าซึ่งแต่ละพวกแต่ละชุดใช้ไม่เหมือนกันนั่นเป็นเพียงคําบอกเล่าที่พวกนักล่ารับจ้างเล่าให้ฟังยังไม่เคยเห็นกับตาสักทีแต่คราวนี้จ่ายยุทธพงษ์เล่นเอาของจริงมาให้เห็นยุทธเอาจริงหรืองานเนี้ยพันตรีคอเล่นถามพร้อมกับเดินเข้าไปดูใกล้ๆ เมเจอร์ไม่เอาบ้างเหรครับข้างซ้ายยังว่างอยู่เลยใจ ย, ยุทธพง์ชวนให้เอาบ้างพันตรีคอรลินทํำท่าจะเอาด้วยหันไปมองพันตรีโรเจอร์ที่กําลังสนใจกับหมวกแก๊ปแบบท่านจีนที่ชุดสุ่ม น, นํามาส่งให้เมเจอร์เอาไปดูเล่นไหมครับตามใจคุณสิพันตรีโรเจอร์ตอบแบบไม่ได้มองหน้าแล้วก็ไม่ได้ขัดคองด้วยนั้นเดี๋ยวผมไปเอาก่อนก็แล้วกันคอยผมเดียเด๋ยวๆเท่านั้นแหละพันตรีคอรลินวิ่งออกไปทันทีทั้งๆที่ยังไม่รู้เลยว่าศพของเหยื่อสังหารพวกนั้นอยู่ที่ไหน จากดาเหนือมองตามยังมีความหมายเดี๋ยวก่อนเมเจอร์ Major, ผมพาไปพวกเราไปดูกันสักคนสองคนสิวะไอชาติเข้าใจในสายตาของหันนาชุดว่าควรจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรการเดินย้อนกลับไปเป็นระยะทางกว่าครึ่งกิโลเมตรกับเวลาที่ผ่านไปนั้นสถานการณ์บางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นการกระทําทุกชนิดในพื้นที่ต้องอยู่ภายใต้หลักการทางยุทธวิธีเสมอก็เป็นอันว่าชุดซุ่มที่เป็นเจ้าของภารกิจนั่นแหละที่จะเป็นคนนําพาไปไอชาตินําหน้าไปในระยะเกือบ100เมตร ให้อีกสามคนเดินตามไปห่างๆพันตรีคอรินเข้าใจดีวันนี้คือความปรารถนาดีของจ้าดาวเหนือซึ่งไม่ยอมประมาสศัตรูแม้แต่ย่างก้าวเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงใบหูซ้ายก็กลับมารวมกับพักพวกเห็นทุกคนพร้อมแล้วเจ้าดาวเหนือจึงสั่งเดินทางต่อพันตรีคอรินรับเชือกเอ็นจากจ่จายยุทธพงศ์ที่ตัดแบ่งให้ด้วยความรู้ใจคนรับจัดการกบของที่ระลึกชิ้นใหม่ตามอย่างที่จ่ายยุทธพงศ์บอกทันทีเป็นไงคอรินพันตรีโลเจอร์เป็นคนถาม เมื่อเห็นว่าเพื่อนร่วมทีมชาติเดียวกันมีความสนใจกับสิ่งนั้นค่อนข้างมากสภาพศพสวยจริงเมเจอร์สวยยังไงคนตายแล้วโอ้โหแต่ละคนโดนเจาะเข้ากระโหลกเหมือนกันหมดแล้วโดนแค่คนละนัดเท่านั้นเองนะคนของเราชุดนี้ฝีมือเหลือหลายจริงจริงจ่าดาวเหนือได้ยินเสียงที่พันตรีมือมริกันนั้นคุยกันแต่ไม่ได้หันหน้ามามองเพราะต้องสนใจที่จ่า ย, ยุทธภงกําลังนําขบวนอยู่รู้สึกจะไม่เห็นห่วงกังวลมากนะักเพราะรู้มือกันดี แต่ที่น่ากังวลอย่างที่สุดก็คือไอ้มงสองคนนั้นต่างหากท่าทางของมันมีอาการหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดบ่อยครั้งที่มันต้องชั่เลืองมองดูใบหูคนที่แขวนอยู่ข้างเอลใจ ย, ยุทธพงศ์เป็นการมองแบบหวาดระแวงมากกว่าการมองด้วยความสนใจนั่นคืออาการของคนที่มีความเกรงกลัวอยู่ในสํานึกใช่แล้วมงนับถือผีการที่มันเห็นใบหูคนตายก็คือการเห็นผีนั่นเองสถานการณ์ภายในทีมทํำท่าจะสอบเขาของความวุ่นวายเสร็จแล้ว บมืนคนสองความคิดมาอยู่ร่วมกันแต่คนที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเรื่องนี้ยังไม่ปริปากพูดอะไรกับหันมาสนใจพันตรีเมริกันทั้งสองแทนมเจอร์คอนเริ่มสนใจมากเลยครับดีเหมือนกันนะนอสตาเหมือนของเล่นใหม่น่ะก็ไดามันของเล่นจริงๆไะหรือว่ามันเป็นของจริงเอาไงจะเรียกมันว่าของจริงหรือของเล่นดีก็เหมือนกันแหละนอสตา์ความจริงเมเจอร์น่าจะเปลี่ยนไปเอาอย่างอื่นแทนใบหูก็ได้นะครับหือเอาอยังไง พันตรีคขาเรีย น, นั้นสนใจจริงๆกับวิธีการแบบนี้แต่ท่าทางของแกตอนนี้พันตรีโรเจอร์เลยพอใจไปด้วยก็อย่างอื่นเช่นลูกตานิ้วมือนิ้วไหนก็ได้หรือแม้แต่นิ้วเท้าหนังหัวปลายจมูกหรือแม้แต่ลิ้นโอ้เยอะแยะไปครับหรือจะควักออกหัวใจมันก็ได้ไม่เห็นยากเลยพันตรีโรเจอร์ต้องถึงกับเบะปากใบหน้าปันยากแสดงอาการสะอิดสะเอียนขยะกขยงเต็มทนแต่ละรายการที่จ่าดาวเหนือแนะนําล้วนโหดมหาโหดทั้งสิน้นไม่ไหวมั้งนอสตา อย่างอื่นพอไหวแต่ถึงกับต้องควักหัวใจมันนี่น่ากลัวไม่ใช่ว่าไม่กล้านะผมว่ากว่าจะเอาออกมาได้เลือดมันคงเจิ่งนองพื้นนั่นแหละก็คงทํานองนั้นแหละครับผมคิดว่าถ้าใบหูพวกนี้ไปถึงมือพันเอกนอร์แมนท่านอาจขอซื้อก็ได้นะ่ะทาไมเมเจอร์ถึงคิดว่าท่านจะขอซื้อเลยครับพันเอกนอร์แมนท่านก็ชอบเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะนอสตาเอา้างั้นเหรอครับผมเพิ่งรู้งั้นต้องเอาหัวใจมันซะและ้วล่ะเอาไปฝากท่านเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะแต่คุณจัดการเองนั่นนอสตาผมไม่เอาด้วยหรอกขี้เกียจ ตอนที่11ขบวนเดินยังคงดำเนินไปเรื่อยๆจ่ายุทธพงศ์ที่ได้รับคำสั่งตั้งแต่ก่อนออกเดินทางในช่วงหลังว่าให้มองหาที่สำหรับตั้งฐานลอยที่จะใช้พักนอนกันในคืนนี้จากจุดที่ออกเดินทางมาในครั้งหลังได้ระยะทางแล้วกว่ากิโลเมตรกว่าจ่ายุทธพงศ์ก็สามารถเลือกที่ได้ยอดเนินที่เป็นที่ราบเรียบมีไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมพื้นดินมีแต่ใบไม้แห้งไม่มีสุ้มหรือไม้ภูมิให้เป็นที่กีดขวางการตรวจการ ที่จะต้องให้เห็นได้ในรัศมีรอบตัวจ่ายุทธพง์ให้สัญญาณหยุดขบวนเดินเราเดินย้อนมาที่จ่าดาวเหนือพี่เอาเนินข้างหน้านะั่นนะจ่ายุทธพง์ชี้มือบอกเนินที่อยู่ห่างไปประมาณ200เมตรจ่าดาวเหนือมองตามแล้วตัดสินใจเอาตกลงเอาก็เอาชาติมนเชษตรวจการรอบๆที่นี่ก่อนเดี๋ยวกูไปหาที่นอนใหม่ให้ครับทั้ง3คนรับคําสั่งเราเคลื่อนที่ทันทีไอ้ชาติเดินไปด้านหน้าไอ้มนออกหลังไอ้เชษออกขวา ส่วนด้านซ้ายนั้นไม่ต้องเพราะเป็นทางลาดลงที่ทุกคนมองเห็นอยู่แล้วการกระทําในตอนนี้ก็คือทั้งสามคนมีหน้าที่ระวังป้องกัน ร, รอบๆที่ตั้งที่อยู่ในปัจจุบันขณะที่คนส่วนใหญ่พักนั้นจําเป็นต้องมีคนออกไปเป็นเวรยามสังเกตการศัตรูที่อาจจะผ่านเข้ามาทั้งที่บังเอิญหรือเจตนาและชุดนี้นี่แหละที่จะเป็นคนแจ้งเตือนให้ทุกคนรู้ล่วงหน้าจาดาวเหนือเดินไปคนเดียวที่ยอดเนินข้างหน้านั้นไม่ต้องมีใครไปด้วยก็ได้ ราบริเวณนั้นสามารถมองเห็นเจ้าคนกลุ่มหลังอยู่แล้วจนกระทั่งตรวจพื้นที่เสร็จจึงกลับเข้ามานอสตาไปดูเลยอ๋อเมเจอร์ Major, ผมไปดูจุดที่เราใช้เป็นที่พักผ่อนกันในคืนนี้ครับพันตรีคอรลินสงสัยจนต้องถามเอา้าแล้วทําไมเราไม่ไปที่ น, นั่นซะเลยหล่ะจะได้มีเวลาพักผ่อนกันนานๆหน่อยอย่าเพิ่งนะครับภาสิตมงบอกว่าคนเรายังมีเวลาพักผ่อนอีกนานในหลุมฝังศพแล้วเมเจอร์จะพักผ่อนที่นี่ชั่วคราวหรือจะพักผ่อนนานๆแล้วครับเฮ้ hey, ผมไม่เข้าใจว่ะ คอนทรีโรเจอร์หัวเราะเบาๆในความกลางขาของนักรบชาติเดียวกับตนจึงตอบแทนจ่าดาวเหนือคืองี้นคอนรินที่ตั้งตรงเนี้ยที่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งหลวงเราจะอยู่ทําอะไรตรงนี้อะไรที่เป็นส่วนตัวให้เสร็จเรียบร้อยแต่ต้องเสร็จก่อนมืดด้วยนะเพราะมืดสนิทเราก็จะเคลื่อนไปตรงจุดนั้นแล้วการเคลื่อนที่ไปตรงจุดนั้นก็ต้องทําแบบปิดลับที่สุดด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าตอนนี้มีศัตรูจับตาดูเราอยู่หรือเปล่าก็าถ้ามันมีศัตรูจับตาดูเราอยู่จริง ตอนนี้มันก็สามารถเล่นงานเราได้เลยนี่นาเพราะตอนนี้เราอยู่นิ่งๆเป็นเป้าให้มันอย่างสบายๆแล้วนะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคอรลินตอนนี้คนของเรา3ามคนที่ออกไปเป็นยามสังเกตการน่ะจะแจ้งเตือนการเข้ามาของพวกมันให้เรารู้ก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงจะมีศัตรูที่คอยจ้องอยู่มันก็จะยังไม่เล่นงานเราแต่มันจะรอเวลาจนมืดนั่นแหละจะเป็นตอนหัวค่ําหรือตอนเช้ามืดก็แล้วแต่ตอนนี้ถ้ามันจับตาดูเรามันก็จะดูอยู่อย่างนั้นกระทั่งมืดถ้ามันไม่เห็นเราเคลื่อนที่ไปตรงจุดนั้น ซึ่งก็คือที่ตั้งจริงของเรามันก็จะคิดว่าเรายังอยู่รอดที่นี่ถึงตอนนั้นถ้ามันอยากจะทําอะไรก็เชิญมันทําไปเข้าใจหรื อ, อยังอ๋อโอเคไอซีผมเข้าใจต้องยอมรับว่านอนสตา์นี่หลักแหลมจริงๆแต่ละเรื่องแต่ละวิธีไม่มีซ้ําแบบใครเลยยอมรับจริงๆครับนอนสตาพันตรีโรเจอร์ที่พยายามศึกษาหลักการลบแบบกองโจรที่จ่าดาวเหนือนํามาใช้ซึ่งจากดาวเหนือเองก็เคยบอกแล้วว่านี่คือวิธีการของเวียดกงนั่นคือวิธีการของชาวเขา หรือแม้แต่วิธีของเมริการที่ไทยเรานํามาใช้หลักการเหล่านั้นต้องนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์จึงจะบังเกิดผลทางนี้ไม่มีตําราเล่มไหนที่ดีหรือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดคนที่ฉลาดในการรบมักจะเอาหลักการจากหลายๆตํารามาดัดแปลงและทําการลูกให้ศัต ร, รูปเป็นฝ่ายรับหรือถอยหรือได้รับความเสียหายจนพ่ายแพ้ไปในที่สุดพวกนักล่าสังหารนั้นมักถือหลักการของปราดซุนวูเสมอที่ว่า รู้ข่าวรู้เหล่รรารบที่ไหนก็ชนะซึ่งพันตรีโรเจอร์กว่าเคยได้ยินมาแต่ยังไม่เคยประสบความสําเร็จในการนํามาใช้เลยจ่าดาวเหนือก็เลยต้องเพิ่มเติมความเข้าใจนั้นให้มากขึ้นไปอีกโดยว่าหลักการต่างๆนั้นล้วนเป็นเพียงข้อหนึ่งในจํานวนหลายๆร้อยข้อการที่จะยึดหลักเพียงข้อใดข้อหนึ่งอย่างฝังจิตฝังใจนั้นย่อมไม่ได้ทั้งนี้และทั้งนั้นสถานการณ์สู้รบมักมีการเปลี่ยนแปลงเสมอคนที่เข้าทําการรบจะต้องอ่านสถานการณ์ให้ออกแล้ทําการแก้สถานการณ์นั้น กระทั่งตนเองเป็นฝ่ายสร้างสถานการณ์ให้ฝ่ายตรงคําได้เป็นคนแก้บางหรือจะพูดง่ายๆก็คือต้องช่วงฉิงความได้เปรียบฝ่ายตรงคําให้ได้ตลอดเวลานั่นเองอาหารขํามื้อนั้นเป็นอาหารที่เตรียมมาจากบอกรอที่ยังคงสภาพอยู่ได้รวมทั้งอีกมื้อน้าด้วยเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและลดงานธุรการกระทั่งทุกอย่างเรียบร้อยทุกคนนั่งเองหลังพิงเป้พับผ่อนตามใต้ต้นไม้หนักล่ารับจ้างต่างแยกย้ายออกไปด้วยการจับคู่คู่ละสองคน ส่วนตรงกลางคงมีแต่จ่าดาวเหนือกับพันตรีเมริกันทั้งสองร่วมกลุ่มกันอยู่แบบนี้เป็นการกระจายกําลังกันเพื่อป้องกันการได้รับอันตรายร่วมกันนั่นเองหรือแม้แต่การที่ฝ่ายตรงข้ามจะเข้าโจมตีก็ไม่สามารถกําหนดจุดให้เป็นเป้าหลักในการโจมตีได้มงสองคนคงเกิดอาการที่ไม่ค่อยดีในร่างกายจึงต้องขอออกไปถ่ายทุก์ในป่ากใกล้ๆนั้นไม่นานนักมันก็กลับมามึงสองคนมาที่ริบบคาจ่าดาวเหนือเรียกให้มงสองคนนั้นเข้ามาหา บุกอดหัวหน้าใหญ่เตะค้าน้อยทําไมไอ้สองคนร้องรันเมื่อนักแข่งของมันโดนหัวรองเท้าเดินป่าขนาดเบอร์เจ็ดเขาอย่างจังมันร้องรันด้วยความเจ็บปวดนั่งหลงเอามือกุมนักแข่งใบหน้าเหยเกย บ, บ่งบอกถึงความเจ็บจ่าดาวเหนือไม่ยอมยิม้มแม้จะขันในท่าทีของมันดึงปลายขากางเกงออกจากรองเท้าบูทเพื่อดูรอยช้ํากันใหญ่มึงอยากตายนะหรือไงวะตายยังไงหัวหน้าใหญ่ข้าน้อยไปขี้มานั่นแหละไอเวนมึงรู้มาที่นี่ที่ไหนก็รู้อยู่แหละหัวหน้าใหญ่ มึงสองคนจำไว้ถ้าไม่อยากตายที่เนี่มีแต่พ่อมึงคอยฆ่ามึงอยู่มึงออกไปขี้แบบนี้ปืนมึงไปไหนถ้าพ่อมึงโผล่มามึงจะอะไรไปสู้เขาคำพูดเพียงเท่านี้ดูเหมือนมันทั้งคู่จะเข้าใจแต่ก็ยังอดเถียงไม่ได้บอกเป็นอย่างหัวหน้าใหญ่ข้าน้อยไปบอกไกลใกล้แค่นี้เองแล้วหัวหน้าใหญ่ก็อยู่ใกล้ๆอยู่แล้วข้าน้อยบอกลัวหรอกโถไอ้เพลดพลักพลักโอ้ยหัวหน้าใหญ่คอยลาบแล้ว จาดาวเหนือใช้เท้ายันโขมเข้าที่ล่างของทั้งสองคนนั้นอีกจนมันต้องหงายพลึงลงไปนอนราบกับผืนพร้อมกับร้องว่าเข็ดแล้วเข็ดแล้วไปเขาหลังจะทิ้งปืนอีกไปขี้ก็ต้องเอาไปด้วยไปครับหัวหน้าใหญ่มันสองคนที่มารับหน้าที่เป็นลามเดินขยบขยเยเข้าไปหาไอเปียกรุกพี่มันทันทีจากการที่ได้ร่วมเดินทางกันมาทําให้ทั้งสามคนสนิทสนมกันมากขึ้นทันทีที่ไปถึงไอเปียกกับโดนไอเปียกซัดกําปั้นลงกลางหลังอีคนละอักใหญ่บ <ะ S 2> ักฮา กูบอกมึงแล้วใช่ไหมไปไหนไปไหนให้บอกก่อนครับอ้ข้าน้อยลืมไปม้งสองคนตอบด้วยเสียงระหอยที่สำนึกผิดไอ้เปียกสอนต่อไปอีกว่ามึงรู้ไหมมึงคนใดคนหนึ่งทําผาดขึ้นมานะพวกเราทั้งหมดก็มีโอกาสตายได้ครับอบ้ยต่อไปข้าน้อยจะระวังม้งสองคนเรียกไอ้เปียกว่าไอ้นั้นแสดงว่ามันยอมรับนับถือที่จใจเป็นพี่ชายเวลาเกือบสองทุ่มในค่าวันนั้นความมืดเข้าปกคลุมทั่วหุบเขา ลมป่าโชยพ่อเย็นสบายที่คนไม่ได้อาบน้ําจะรู้สึกเสียงมแมลงป่าและสัตว์ใหญ่ร้องเสียงแสกคานรับกันเป็นจังหวะทํานองนกกลางคืนเริ่มออกหากินบางครั้งมันโฉบลงต่ําแถวที่มีคนพักนอนคงเนื่องมาจากที่มันไม่เคยเห็นคนหรือสิ่งมีชีวิตใดๆมาเพ่งผ้าให้เห็นนั่นเองดังนั้นการมาของคนเหล่านี้จึงเป็นสิ่งผิดปกติของพวกมันแน่ชุดปฏิบัติการ13าคนที่อยู่วงในกับอีกสามคนที่อยู่วงนอกยังไม่มีใครเคลื่อนย้ายไปไหน ต่างปากหลักนิ่งเงียบอยู่อย่างนั้นประสาทหูประส า, ะสาตาถูกเปิดเต็มทีทั้ทงนี้มันเป็นความเคยชินที่ประสบการณ์เป็นตัวสอนให้ยุทธวิธีหนึ่งในการโจมตีฉกฉวยของเวียดกงก็คือการเข้าโจมตีตอนก่อนเข้านอนหรือหลังค่าและตอนตื่นนอนหรือตอนใกล้ลุ่ทั้งนี้เนื่องจากช่วงเวลานั้นทุกคนจะยังไม่พร้อมแต่ละคนจะสารวนกับเรื่องส่วนตัวเช่นการเตรียมที่หลับที่นอนเป็นตน้นหรือแม้แต่ตอนตื่นนอนตอนนั้นแต่ละคนจะงงเงียขี้ตา สภาพร่างกายยังไม่พร้อมบางคนมีเครื่องนอนทั้งหมุงทั้งผ้าห่มคลุมตัวเอาไว้หลอแบบนี้แล้วมันจะเอาอะไรไปตั้งรับกับฝ่ายโจมตีที่คอยจ้องโอกาสอยู่นี่แหละที่ทําให้พวกนักด่านลับจางต้องสงบนิง่งรอเวลาจนกว่าจะพ้นวิกฤตสองทุมพอดีที่จ่าดาวเหนือสั่งเคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งจริงยามสังเกตการทั้งสาถูกเรียกให้ถอนตัวกลับมาแล้วทั้ง16คนต่างกิงค่อยๆทยอยกันไปโดยจ่าดาวเหนือเป็นคนนํา การวางกำลังนะที่ตั้งฐานร้อยแห่งนั้นชุดปฏิบัติการในการวางกำลังแบบวงรอบโดยที่ทุกคนจับคู่กันคู่ละสามคนแล้วจัดคนที่เป็นเวรยามสามจุดตรงข้ามกันกระทั่งทุกจุดเข้าที่เรียบร้อยนั่นแหละการพักนอนจริงๆริงกิ้งจะเริ่มขึ้นกอนหับตาลงไปจ่าดาวเหนืออดที่จะเป็นห่วงไอ้มองสองคนนั้นเสียไม่ได้เปียกเว้ยให้สองตัวนะั่นระวังไฟบุหรี่หน่อยนะครับพี่จ่าดาวเหนือสั่งการไปพอได้ยิน จากนั้นก็เข้าสู่ห้วงนิทราเพียงหัวถึงพื้นก็หลับสนิทอย่างไร้กังวลไม่ใช่เฉพาะจ่าดาวเหนือคนเดียวที่หลับลงได้อย่างนั้นคนอื่นๆก็เป็นเหมือนกันเพราะมันเป็นความเคยชินของพวกเขาเสียแล้วภารกิจแบบที่ต้องรอแลมไปท่ามกลางความตายนั้นพวกเขาจะต้องพักผ่อนทันทีที่มีโอกาสเพราะเคยมีที่บางครั้งเป็นเวลาถึงสวันสามคืนพวกเขาก็ไม่มีโอกาสได้นอนเนื่องจากความตายที่จ่อคอหอยอยู่นั่นเองคราวนี้ก็เหมือนกัน เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะมีโอกาสได้พักนอนกันอีกหรือไม่เพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้ตอนนี้มีโอกาสก็ต้องคว้าไว้ก่อนเสียงขยับตัวของมงสองคนนั้นได้ยินอย่างชัดเจนมันคงนอนไม่หลับจากเหตุการณ์รอบตัวมันที่มีแต่ความตึงเครียดทางการกระทําตัวที่แสนจะยุ่งยากในหลักการทางยุทธวิธีที่หัวหน้าใหญ่กําชับและแม้แต่ซากใบหูของคนตายที่ยังหลอนในความรู้สึกมันอยู่ตลอดเวลาความจริงแล้วเรื่องของผีนั้น คนที่เชื่อมากมักจะกลัวมากกว่าคนที่ไม่เชื่อในกรณีนี้ก็เช่นกันคนเผ่ามงนับถือผีเป็นศาสนาเรื่องของผีถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เกิดผีบารพบุรุษคือผีที่ดีของตนส่วนผีสตรูคือผีร้ายที่คอยจะจ้องเอาชีวิตตนคืนเป็นการล้างแขนตกดึกคืนนั้นเสียงนกแสกร้องแกล้งแกล้งที่เหนือฐานลอยจากดาวเหนือและทุกคนต้องตื่นขึ้นมาเมื่อมีเสียงประหลาดดังขึ้นใครเปลนไรวเปียก ใจยุทธพง์เป็นคนถามเพราะอยู่ติดกับชุดนั้นไอเซง่งกอพี่ไม่รู้เป็นอะไรแม่งทางแล้วก็สั่นทั้งตัวพูดจาเพอ้ออะไรไม่รู้เรื่องเลยพี่ไข้ป่ากหรือเปล่าไม่ใช่หรอกพี่ไม่เห็นตัวมันร้อนเลยถามเพื่อนมันสิจ้าดาวเหนือ น, นอนฟังอยู่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอเสง่งกอคนนั้นจึงตัดสินใจลุกขึ้นไปดูไนเจอร์ไปดูแลนเธอครับผมมีเรื่องแปลกให้ดู ตอนที่ 12. พันตรีอเมริกันทั้งสองคนงงเหมือนกันทั้งทั้งที่จ่าดาวเหนือก็นอนเคียงคู่อยู่ด้วยกันยังไม่ได้ลุกไปไหนแล้วก็ไม่มีใครราย ง, งานอะไรให้รู้ด้วยแล้วทาไมจ่าดาวเหนือจึงรู้ว่ามีเรื่องแปลกประหลาดจะให้ดูแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรคว้าปืนคู่มือเดินตามคนชวนไปพี่เพื่อนมันบอกว่าผีเข้าไอ้เปียกรายงานเมื่อจ่าดาวเหนือไปถึงทุกคนในฐานรอยรู้เรื่องหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นจากคาบอกของไอ้เปียกไม่มีใครลุกออกมาดูเพราะไม่จําเป็น ทั้งนี้การวางกําลังแบบป้องกันตัวต่อที่ตั้งที่กําหนดไว้นั้นสําคัญกว่าเรื่องภายในแบบนี้ให้เป็นหน้าที่ของใครสักคนหรือสองคนก็พอโถไอสัตว์เอ้ยผีพ่อผีแม่อะไรมันวะเสียงดังแบบเนี้เดี๋ยวพ่อมึงมาแล้วก็ยิ่งว่าผีนะมึงไหนมันเป็นไงว่ายตัวผีจ่าดาวเหนือฉายไฟที่พลางแสงเป็นสีแดงเลื่อยๆแล้วจับที่ล่างของไอ้มงเส่งก่อเห็นทันทีว่าร่างนั้นใบหน้าซีดจนไม่มีสีเลือด มือแข็งปากเบี้ยวตาเลือกเหนือตัวสั่นเถิบเหมือนคนที่กําลังหนาวจัดผีเหี้ยอะไรสัตว์จ้าดาวเหนือสะบดออกมาด้วยความรังเกียจมากกว่าจะสงสารไอคนที่ผีเข้ายางเท้าเข้าใกล้ไอคนที่ผีเข้านั้นแล้แล้วอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเท้าข้างขวาด้วยพลังอันหนักน่วงแล้วไหวจนจับตาดูไม่ทันเตะเข้าที่ซอกข้างลําตัวดังลันไอมองที่เป็นเยื่อเทา้าปลิวกระเด็นออกไปสามสี่ก้าว คนเตะที่คิดว่าตนเองกําลังเตะผีไม่ใช่เตะลูกน้องของตัวเองตามไปติดติดกําลังจะเหงือเท้าซ้ําให้อีกก็ต้องชะงักอยากรับผลหน้าใหญ่เสียงร้องห้ามของไอ้ยีฟูนั่นเองทําไมวะหัวหน้าใหญ่ยิ่งทําอย่างเนี้ผีมันจะยิ่งโกรธแล้วไม่ยอมออกด้วยครับเออกูรู้แล้วระหว่างกูกับผีมึงกลัวใครวะยีฟูจ่าดาวเหนือเน้นเสียงออกหลายฟันจนคนที่ไม่ได้ลุกออกมาดูรู้ว่าเขากําลังทําอะไรกันต้องหัวเราะออกมาด้วยความขบขันเมื่อได้ยินคําตอบจากไอ้ยีฟู กลัวหน้าใหญ่ครับไอยีฟูตอบเสียงอ่อยๆ อ, อ, อาการเป็นห่วงเพื่อนหมดไปทันทีงั้นมึงเฉยไว้ยีฟูเดี๋ยวมึงคอยดูในวัยผีที่มึงว่ากับกูใครจะแน่ว่าใครหัวหน้าใหญ่เป็นหมอผีเหรอครับไม่ใช่เว้ยแต่หมอผีเรียกกูว่าครูบาเจนละมึงคอยดูยีฟูไม่พูดอะไรอีกมันตามไปดูห่างๆด้วยความกลัวหหน้าใหญ่มากกว่ากลัวผีที่มันคิดว่าสิ่งสถิตยอยู่ในร่างของไอเซงกอเสอีกแล้วยีฟูก็ต้องถึงกับอ้าปากขาง จ่าดาวเหนือยังใช้คาถาบาทาบทเดิมตอนนี้เสงี่เงินั่งนิ่งไม่สะทกสถานตอนแรงเท้านั่นอีกแต่าการผีเข้าตอนนี้มันเท่ากับเป็นการโ ย, ย่อยุจ่าดาวเหนือขึ้นไปอีกเท้าอีกข้างี่ยังไม่ได้ใช้จึงส่งไปให้จ่าดาวเหนือเลือกเตะเฉพาะส่วนที่หนาของร่างกายบริเวณซอกเอวมันเท่านั้นทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อให้คนที่ถูกผีเขารู้สึกเจ็บและความรู้สึกจะได้กลับคืนมา ไอ้เสงี่ยงกอนั่งนิ่งจ้องหน้าคนที่เตมะมันเขม่งเราจะกินเลือดกินเหนือไอทหารไทยมึงฆ่ากูกูจะต้องฆ่ามึงเสีงยงไอเสี่ยงกอรรอดออกมาจากปากแม้ไม่ดังนะแต่ก็พอจะรู้เรื่องยี่ฟูที่ยืนดูห่างๆถึงกับพะว้าเข้าไปกอดพันตรีโรเจอร์แน่นด้วยความลืมตัวแต่จ่าดาวเหนือกับโผล่ล็อคขำกระทั่งจะเตะมันอีกครั้งก็เลยต้องชักเท้ากลับมาโธ<ฮ>่ไอสั์แกวพ่อแกวแม่มึงรัวเสือกพูดภาษาไทยได้ มึงฆ่ากูมึงต้องตายกูจะฆ่ามึงเสียงนั้นดังออกมาอีกยังเป็นภาษาไทยอยู่ดีจ่าดาวเหนือเดินกลับมาที่ยีฟูก่อนที่จะถามหรือพูดอะไรยีฟูก็พันต้องแหกปากออกมาซะก่อนจ่าดาวเหนือตบหน้ามันอย่างแรงเพื่อเรียกสติสัมปชัญญะมันให้กลับมาโอ๊ยเจ็บเจบหัวหน้าใหญ่ขาน้อยเจ็บขาน้อยกลัวเรากูกับผีมึงกลัวใครจ่าดาวเหนือกระแทกเสียงถามออกไปอีกขาน้อยกลัวหน้าใหญ่ครับ ไอ้ยฟูนั่งลงยองๆข้างๆพันตรเมริกันเอามือพนมเหนือหัวและล่ำละลักแล้วตอบว่ากลัวจริงๆเออถ้ามึงกลัวกลัวมึงอยู่เฉยๆทาใจให้สบายๆมึงดูสิผีแก้วเข้าเพื่อนมึงอ่ะแก้วหาแั้งมึงวะพูดภาษาไทยได้โถหน้าใหญ่ผีมันก็ทําได้ทุกอย่างนั่นแหละแค่พูด่มันจะพูดภาษาอะไรก็ได้เพราะมันเป็นผีนะครับเออกูเชื่อมึงเดี๋ยวมึงดูสิว่าไอ้ผีแก้วที่มึงว่ามันจะแน่สักแค่ไหนวะจากดาวเหนือพ่าออกมาจากที่ตรงนั้น ไม่มีใครรู้ความหมายว่าจ่าดาวเหนือจะทำอะไรจริงอยู่ที่ทุกคนยกเว้นไอ้ยีฟูคนเดียวไม่มีใครเชื่อเรื่องผีเรื่องสางทุกคนจึงอยากจะดูว่าจ่าดาวเหนือจะแก้ปัญหานี้ให้ลูกน้องอย่างไรแม้แต่ลูกน้องในทีมถึงจะเชื่อมั่นว่าหัวหน้าทีมสามารถแก้ไขได้แต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าจะใช้วิธีไหนเหมือนกันยีฟูมึงอยู่ใกล้ๆเสงี่ยงกอไว้เดี๋ยวกูจะไล่ผีมึงดูพี่จ อ, อกแล้วครับหัวหน้าใหญ่ยีฟูแม้จะสติดี แต่ก็ยังงกงกเงินเงินเพราะมันนั้นกลัวทั้งผีกลัวทั้งหัวหน้าใหญ่ออกสิวะถ้าผีมันออกจากไอเสงกอมันมาเข้าขั้นน้อยต่อสิหัวหน้าใหญ่คําตอบจากยีฟูเล่นเอาคนทั้งฐานล อ, อยหัวล้อไป ต, ตามๆกันแม้แต่พันตรีเมริการทั้งสองก็พอจะรู้เรื่องภาษาไทยอยู่บางยังอดหัวล้อไม่ได้เอานะถ้าเข้ามึงอีกเดี๋ยวกูเตะไล่มันอีกพอได้ยินคําว่าเตะเท่านั้นแหละไอยีฟูเลิกกลัวผีไปเลย ตัดสินใจก้าวเท้าเข้าไปอยู่ใกลๆเพื่อนตามคำสั่งหัวหน้าใหญ่จ่าดาวเหนือถอยห่างออกมาในระยะ30เมตรในความมืดไม่มีใครเห็นว่าแกกำลังทำอะไรแต่ที่แน่ๆ M203 กระบอกนั้นถูกกระชับมัน่นขึ้นสมวิท์กล้องเล็งอินฟราเรดที่ด้านซ้ายของตัวปืนถูกเปิดให้รอการทำงานเสียงกลไกภายในกล้องทำงานเหมือนเสียงฟลดถ่ายรูปจ่าดาวเหนื อ, อยืนในท่าที่มั่นคงด้วยความมั่นใจว่าวิธีการต่อไปนี้ สามารถเรียกสติสัมปชัญญะของลูกน้องให้กลับคืนมาได้แน่ทั้งนี้จ่เด้าวเหนือเองเคยมีประสบการณ์ในการใช้กระแสะไฟฟ้าช็อตเข้าสู่ร่างของคนที่ว่าผีเข้ามาแล้วโดยแรงกระแสะที่ไม่มากแต่หนักหน่วงเป็นจังหวะจังหวะคนที่ว่าถูกผีเข้าถึงกับชาวาบมีอาการกระตุกย่่งรุนแรงกระทั้งสติความรู้สึกกลับคืนมานั่นแหละจึงเรียกว่าผีออกคราวนี้ก็เช่นกันแม้ไม่มีไฟฟ้า แต่ก็คิดว่าไอ้เจ้ารังสีอินฟราเรดที่มีคุณสมบัติกระตุ้นความรู้สึกให้กับคนแบบนี้มันน่าจะใช้ได้จึงตัดสินใจยกปืนขึ้นประทับบ่าแล้วเล็งเงาภาพของไอ้เสง่ยกอรปรากฏในกล้องเล็งที่มีแสงสีม่วงอ่อนแม้ไม่เห็นใบหน้าว่านั่นเป็นหน้าของใครก็ตามแต่เงาดํามืดในกล้องก็ทําให้สามารถดูออกว่านั่นเป็นร่างของคนจากดาวเหนือมองล่างไอ้เสง่ยกอในจอกล้องนั้นแล้วาสา่ปืนไปมาจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบน ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกเอาจุดไหนในร่างกายของมันที่จะให้ผีออกเวลามีไม่มากนักแล้วแล้วก็ไม่อยากเสียเวลากับเรื่องที่ไร้สาระแบบนี้จ่าดาวเหนือตัดสินใจทันทีจุดไหนก็น่าจะได้เพราะหลังสีอินฟราเรดในกล้องนี้ไม่ได้ทำให้คนตายหรือบาดเจ็บอะไรมากนักจึงกดไกปืนทันทีเสียงเครื่องในกล้องเร็งทำงานเหมือนเสียงเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแต่เบาวกว่ากันมากจ่าดาวเหนือเลือกเอาตรงกลางลำตัวมันนั่นแหละ กดไกให้รังสีพุ่งออกไปสองครั้งติดกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจบ็บเจบ็บเสียงไอ้มงเสียงกอร้องรันเอามือกุมท้องลุกขึ้นแล้วล้มเกลือกิ้งไปกับพื้นดินทันทีเสีงกอเสีงกอยี่ฟูร้องเรียกเพื่อนไม่ได้ยินเสียงมันร้องเสีงกอไอ้เสีงกอเป็นไงบ้างมึงยี่ฟูร้องเรียกอีกถึงจะเป็นภาษาม ง, งก็พอจะเดาเออกว่ามันกําลังสอบถามอาการของเพื่อนมันเจ็บเจ็บนี่กูเป็นไรวะเออมึงพูดรู้เรื่องเลยนี่ว่า ทำไมกูไปอะไรยีฟูทำไมกูถึงเจ็บไปทั้งตัวงี้วะมึงถูกผีเข้าไอ้แกลล้วอะผีไอ้แกลล้วตอนนี้หัวหน้าใหญ่ไล่ผีมึงแล้วมึงหายแล้วใช่ไหมเออหายแล้วกูรู้สึกตัวแล้วไหนว่าหัวหน้าใหญ่อยู่ไหนไอ้มองเส่งกอพูดออกมาเป็นภาษาของมันในขณะที่หัวหน้าใหญ่ก็เข้ามาถึงตัวมันพอดีนี่อหัวหน้าใหญ่เส่งกอถึงกับนั่งผับเพียบยกมือผนมแล้วก้มกราบลงกับผืนโดยอาการของคนที่นบนอบที่สุด การที่หัวหน้าใหญ่มีอำนาจเหนือผีสางที่มันเชื่อถือแบบนี้มงมันจะเคารพนับถืออย่างที่สุดซึ่งแม้แต่ชีวิตมันก็สามารถอุทิศให้ได้นี่เป็นขนรรมทำเนียมที่บรรพบุรุษได้สืบทอดกันต่อๆมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานจะดาว เ, เหนือเอาน้ําเย็นในกระติกราดลงบนหัวหเส้นกอยอีกครั้งเป็นการเรียกสติสัมปชัญญะซ้าาําในขณะเดียวกันก็แกล้งเล่นละครให้มันดูต่อไปอีกเออก้มหัวลง นี่คือน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่กุเสกเป่ามาใช้ไล่ผีมึงโดยเฉพาะต่อไปนี้ถ้าผีเข้ามึงอีกพยายามนึกถึงกูไว้นึกถึงความเจ็บปวดในวันนี้ให้ดีแล้วผีจะไม่กล้าเข้ามึงอีกเพราะในใจของมึงมีกูอยู่กูคือเจ้าแห่งผีทั้งหลายผีใต้โหงผีใต้หาผีใต้ซากผีใต้ทั้งกรมแม้แต่ผีกระหลกก็ต้องตกอยู่ในอำนาจแห่งกูทั้งสิ้นเพียงคนที่นอนฝั่งต่างพากันหดวเราะในละครบทนั้นพวกเขาไม่เห็นหรอกว่าอาการที่เสแสรงก่อดมันก้มกราบค้างไว้ ปอยให้หัวหน้าใหญ่ค่อยๆลินน้ำเย็นจากกระติกลาดลงบนหัวของมันทีละน้อยทีละน้อยแล้วปากก็ว่าคถาเรื่อยเปื่อยของแก่ไปตามแต่จะนึกอะไรได้กระทั่งสิ้นคำว่าเพียงนั่นแหละไอเสี่ยงก็จึงเงยหน้าขึ้นเอามือที่เปียกน้ำนั้นลูบหน้าลูบหัวด้วยสตาอันแรงกงล้าเสียงหัวเราของลูกน้องคนอื่นๆยังดังอยู่อีกไงผีเข้าหรือไงพวกมึงเข้าใครวะมาเดี๋ยวกูไล่ให้โอ้ยออกออกออ ก, ออกนะครับออกนะครั บ, นะรบอาจารย์ออกแล้ว เสียงไอ้หมอมอนคนทะลึ่งประจําชุดทำล้อเรียนมาพี hi, ่ไปเป็นหมอผีตั้งแต่เมื่อไรหร่ละพี่ผีก็รัวมันเข้าไอ้นิดเนี่ยพี่ไล่ให้มันหน่อยสิโถ oh, ไอ้เวนไอ้เปรตไอ้นิดด่าเขาให้พันตรีมริเรกันทั้งสองคนเดินตามจ่าดาวเหนือมาอย่างที่เดิมหลังจากเทม่งสองคนนั้นกลับไปหาไอ้เปียกที่เป็นเสี่ยวฮัตเสี<ๆ>่ยวแพงของมันแล้วนอสตาคุณทําได้ยังไงพันตรีมาเจอเป็นคนถามขึ้นก่อนเพราะไม่รู้จริงๆเอา้าวมาเจอไม่รู้เหรอครับไม่รู้ไม่รู้จริงๆคุณทําได้ไง ผมก็ใช้อายอินฟาเลตอะไรนะั้นยิงใส่มันนะสิเท่านั้นเองที่พันตรีมาริการถึงกับหัวร้องอหายซึ่งแม้แต่คนที่นอนอยู่พอรู้เรื่องก็พลอยหัวร้อไปด้วยเล่นเอาทั้งฐานลอยเกิดความคลืน้นแคลงเราก็มีการแสดงของตลกคืนนั้นเหตุการณ์ผ่านไปท่ามกลางความสงบเรียบร้อยทุกคนตื่นขึ้นมาหลังจากที่ตรวจสอบความปลอดภัยจากการซุ่มโจมตีในห้วงเวลาวิกฤตแล้วทุกคนจับตา ม, มองไอ้มองสิงก่อเป็นคนแรก ดูท่าทางมันกระปี้กระเป่าเหมือนเดิมไม่มีอาการอ่อนเพลียสโลสเลแต่อย่างใดทั้งนี้คงเนื่องมาจากฤทธิ์ยาที่ช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าความเครียดทางอารมณ์ที่ทางบกขอจัดหามาให้นั่นเองเพียงเม็ดเดียวไอ้เส้นกอ ก, ก็ไม่มีอาการของคนที่เคยถูกผีเข้าอีกต่อไปยีฟู่ทำไมกูเจ็บสิโครงจังเลยวะเส้นกถามพร้อมกับลูบๆคำคำบริเวณ น, นั้นหัวหน้าใหญเตะมือไงสิทาไมวะ หัวหน้าใหญ่เตะกูทำไมแกไม่ได้เตะมึงแต่แกเตะผีที่เข้ามึงนะฮะแล้วผีมันออกไหมวะก็ไม่ออกอสิไอ้ผีตัวนี้มันเฮี้ยนชิบหายเลยมันจะฆ่าหัวหน้าใหญ่ด้วยนูย้เว้ยแล้วหัวหน้าใหญ่ทำไงอีกก็เลยต้องเล่นคาถาสิแกหายไปแป๊บเดี๋ยวมึงนี่ร้องรั่นเลยตอนที่ผีมันออกอ่ะไอ้เซ็งกอตาลอยพยายามทบทวนความทรงจําแต่ก็นึกอะไรไม่ออกพวกในถาดลอยด้วยกันก็เลยพากันหัวเราะที่มองสองคนนั่นมันคุยกัน เป็นอันว่าทุกคนจะไม่ยอมบอกเรื่องนี้ให้มงสองคนนั่นรู้เป็นอันขาดทั้งนี้เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ในการรักษาครั้งต่อไปเชื่อได้เลยว่าหากผีเข้าไอเสงกออีกเพียงส่งเสียงเรียกชื่อมันเท่านั้นแหละผีจะออกทันทีและนี่คือหมอผีอาจารย์ดาวเหนือตอนที่สิบสามเช้าวันลุ่งขึ้นด้วยเวลาที่ยังไม่สายชุดปฏิบัติการเริ่มออกเดินทาง อากาศทางยอดภูเขาสูงเย็นสบายทุกคนสดชื่นด้วยโอโซนบริสุทธิ์จิตใจทุกคนล้วนแน่วแน่มองหน้าใครก็พบแต่รอยยิ้มความพร้อมในการปฏิบัติภา ร, รกิจเป็นแรงดลบรรดาลให้ภูเขาเต็มใจดับพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้ายังไม่หยุดหยัง่งจากสนามบินทุ่งหอยหินจากดาวเหนือกำหนดเส้นทางไปยังซาราภูคูนอันเป็นที่ตั้งกองร้อยปืนใหญ่ขนาด105มมตรของหน่วยทหารเสือพลานพื้นที่นั้นแม้ว่าทุกระยะ10กิโลเมตร จะมีหน่วยทหารของฝ่ายรัฐบาลฝ่ายขวาตั้งอยู่ซึ่งทั้งมงทหารของวังเปล่าทหารราวของรัฐบาลสุวนภูมาท่านอเมริกันหรือแม้แต่ท่านเสือพรานก็ตามใช่ว่าจะปลอดภัยจากพวกเวทโกงหน่วยทหารเหล่านี้ทุกหน่วยต่างตกเป็นเป้าสายตาไอ้เหล่าเวทโกงที่มันจับตาดูอยู่ตลอดเวลายุทธวิธีที่เวทโกงมันมักใช้อยู่เสมอก็คือเอ็งมาข่ามุดเอ็งหยุดค่าแย่เอ็งแยกค่าตีเอ็งหนีฆ่าตาม คลาดใดที่ทหารในค่ายยังพร้อมอยู่เวียดกงก็จะจับตาดูเฉยๆแต่คลาใดที่ทหารในค่ายเกิดการประมาทนั่นแหละเวียดกงมันจะเข้าโจมตีทันทีจากครั้งแรกที่เป็นการโจมตีแบบโชบเฉวยทหารในค่ายยังสามารถต้านยันไว้ได้เวียดกงก็จะถอนตัวหลบหนีไปแต่ถ้าการโจมตีโชบเฉวยครั้งนั้นทหารในค่ายทำท่าจะเพรียงพล้ำเวียดกงก็จะเข้าบทขยี้ทันทีด้วยกําลังที่มากกว่าถึงสิบเท่าที่ใดมีอันตราย ที่นั่นยอมปลอดภัยจากภาษิตจีนดังนั้นในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยฝ่ายต่อต้านคอมมิวนิสต์เวียดโกงจึงสามารถแฝงตัวอยู่ได้และเป็นที่ค่อนข้างแน่นอนที่เวียดกงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีฝีมือจริงๆมิฉะนั้นคงไม่มาทําตัวเป็นปลายหอกคอยทิ้ม ต, าตําเหล่าศัตรูของมันได้แน่จ่าดาวเหนือและพวกลูกน้องต่างตางระหนักในข้อนี้ดีดังนั้นในการเดินทางช่วงต่อไปนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว ความเร็วในการเดินที่เคยทําได้ต้องลดลงมาขบวนที่เคยตามกันเป็นแถวตอนเคลื่อนที่ต้องยืดออกไปจากชุดที่เคยแบง่งออกเป็นสองชุดก็ต้องเพิ่มเป็นสามชุดทั้งนี้เพื่อผลในการสลายตัวหรือดําเนินกลยุทธ์เมื่อถึงคล่าวที่ต้องลุกจากดาวเหนือเรียกไอพรอที่เป็นพลวิทยุมาไกลเพราะมีเรื่องจะสอบถามพรเมื่อคืนสอนทองว่างไงบ้างจากคําพูดของพันเอกนอมันถือว่าจะให้ทางสอนทองได้ติดต่อกับชุดปฏิบัติการที่กําลังอยู่ในระหว่างภารกิจ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากพันเอกนอร์แมนนั้นชื่นชมในผลงานของพวกนักล่ารับจ้างชุดนี้นั่นเองอีกทั้งยังต้องการที่จะให้สอนทองได้รู้กับหูตัวเองอีกด้วยก็ไม่มีคําสั่งพิเศษอะไรหรอกครับพี่ท่านพูดแต่ว่าพันเอกนอร์แมนไปพบท่านแล้วก็ตอนส่งข่าวนั้นก็ยังอยู่ที่บกสามสาเห็นท่านว่างานเนี้ยคงต้องมีพวกเราจากไทยมาร่วมด้วยอีกแต่รายละเอียดยังไม่มีเท่านั้นแหละครับอืมเราเครื่องติดต่อไปชัดเจนดีไหมวะดีครับดีมากเลย เห็นท่านว่าเครื่องที่ติดต่อกับเราได้น่ะที่ท่านก็มีแต่ทางโน้นจะไม่สแตนบายไว้เพียงแต่ว่าถ้าเราต้องการติดต่อเป็นการด่วนก็ขอใเรียกไปที่บกรในสถานทูตเราให้เขาเรียกให้เราแทนทางโน้นถึงจะเปิดเครื่องลับของเรานั่นหมายความว่าบกกรสสกับหน่วยบกกรองกําลังในสถานทูตได้มีข่ายวิทยุสําหรับติดต่อกันโดยเฉพาะที่เรียกว่าฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองงานนี้หากพวกนักล่าลับจ้างต้องการที่จะติดต่อก็สามารถทําได้เช่นกันงั้นก็แล้วไป กูวางานเนี่ยเผอๆพวกเราชุดอื่นอาจต้องตามมาสมทบกับพวกเราก็ได้วะ่ะพันตรีโรเจอร์พอจะเข้าใจบางจึงต้องถามเพิ่มเติมคุณหมายความว่าจะมีชุดลาดสังหารจากประเทศไทยมาร่วมงานกับเราอีกเหรอครับผมหมายถึงอย่างนั้นแหละแต่ในทางปฏิบัติแล้วผูว้บังคับบัญชาอาจไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของผมก็ได้คุณคิดยังไงละ่ะผมคิดอยู่ว่างานแบบนี้ต้องคนที่มีประสบการณ์สูงจริงๆเท่านั้น การที่จะเอามือสมัครเล่นหรือกําลังลบจากหน่วยปกติมาเนะี่ยพวกเขาคงทํากันไม่ได้แนะ่เพราะพวกนี้ถนัดแต่ที่จะลบในแบบส่วนการลบแบบของเราที่กําลังเล่นกันอยู่เนี่ยมันเป็นการลบนอกแบบเป็นแบบพิเศษเฉพาะภารกิจเท่านั้นถ้าได้อย่างนั้นก็ดีสินอสตารครับถ้าได้นะถ้าได้นะเมเจอร์ถ้าไม่ได้ล่ะอ๋อถ้าไม่ได้เหรอเราก็ต้องระวังสุขภาพกันเอาเองแล้วกันเพียงเท่านี้ทางครูก็สามารถที่จะหวัวเราออกมาได้เมื่อมันเป็นคําตลกของทหาร คำว่ารักษาสุขภาพก็คือการไม่เสี่ยงกับความตายเพียงเพื่อความเรียบร้อยของงานที่มากกว่าคําสั่งหมายความว่าทําให้ดีแต่อย่าให้ดีที่สุดดังนั้นงานนี้ภารกิจหลักคือการพิสูจน์ทราบที่ตั้งค่ายฉเฉลยที่แน่นอนแต่การชิงตัวฉเฉลยนั้นไม่ใช่หน้าที่ของพวกเขาเพื่อจะกลับไปรับของขวัญดินได้จากพันเอกนอร์แมนนะสิส่วนใครจะมาทํานั้นเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาที่จะเป็นคนตัดสินเส้นทางเริ่มยากลําบากขึ้นเลย ที่ลากที่ชันในป่าที่ถึบบางครั้งต้องรัดล้อไปตามไหล่เขาหรือแม้แต่ต้องเลียบไปตามปากเขียวนักล่ารับจ้างตัดสินใจที่จะเลือกเส้นทางแบบนั้นเองทางนี้เชื่อว่าบนเส้นทางแบบนี้คงไม่มีพวกศัตรูเข้ามาเดินด้วยแน่นอกจากนี้ยังเป็นการหนีให้ห่างจากประชาชนในพื้นที่อีกด้วยบ่อยครั้งที่เส้นทางอยู่บนไหล่เขาที่สูงชันจนมองเห็นหมู่บ้านพวกชาวเขาเผ่าต่างๆเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่ทางเบื้องล่างที่ต่ำลงไป วันที่สี่หรือห้าแล้วที่ไม่ได้จำชุดปฏิบัติการต้องเดินอยู่ในสภาพพื้นที่อย่างนั้นกระทั่งมองเห็นยอดสูงสุดของซาร่าภูคูณมองเห็นยอดเนินสกายไลยู่ริบๆใจนั้นอยากจะวิทยุติดต่อกับพวกเขาดูบางทางนี้การได้พูดคุยกับพวกเดียวกันนั้นมันสามารถช่วยให้สบายใจขึ้นได้เยอะแต่ก็ไม่ทาตามที่คิดเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องงานจึงต้องทนมองด้วยสายตาละห้อยโหยหาเท่านั้นเอง จ่าดาวเหนือที่เดินอยู่สุดท้ายมีพันตรีโรเจอร์กับไอพอนอีกคนร่วมชุดรักษาระยะต่อห่างจากชุดข้างหน้าในระยะกว่าห0เมตรไม่รีบร้อนตามการตัดสินใจของจ่ายุทธพง์ที่เป็นชุดนำข้างหลังก็ไม่รีบร้อนเช่นกันแล้วเสียงเรียกวิทยุจากจ่ายุทธพงศ์ก็ดังมาพี่จ่ายุทธพง์เลขสั้นๆมีนายุ์เจอทางคนเดินพี่ขอรายละเอียดสิเป็นทางเดินเท้ามีรอยคนเดินประจา รอยรองเท้าไอ้พวกวิทกองเต็มไปหมดเลยเป็นเส้นทางเก่าที่ใช้กันมานานแล้วนะพี่มีรอยรองเท้าพวกเราไหมจ่าดาวเหนือหมายถึงรองเท้าของทหารฝ่ายเดียวกันซึ่งจะเป็นพวกไหนก็ได้เพราะทหารฝ่ายเดียวกันมักจะใส่รองเท้าคอมแบทหรือจังเกิลบูตซึ่งไม่ยากที่จะสังเกตไม่มีหรอกพี่แล้วมีรอยใหม่ๆของมันไหมพอมีพี่น่าจะผ่านไปไม่เกินวันสองวันนี้ละพี่โอเคคอยจากดาวเหนือชวนพันตรีโรเจอร์เร่งฝีเท้าเพื่อที่จะไปสำรวจพื้นที่ด้านหน้าทันที เสียงเครื่องบินโจมตีและตรวจการแบบ OV10 l o n c o แผดคำรามอยู่เหนือซีซ่ามาเป็นเวลานานแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับไปง่ายๆไม่รู้เหมือนกันว่านักบินบนนั้นกำลังมีภารกิจอะไรความจริงแล้วจ่าดาวเหนือสังเกตเรื่องนี้มาตั้งแต่ได้ยินเสียงของมันตั้ทีแรกแต่ที่ทนฟังเฉยอยู่ก็เพราะคิดว่าคงไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องประสานหรือร้องขอความช่วยเหลือแต่อย่างใดแต่มาตอนนี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์อะไรบางจาก OV10 เครื่องนั้น จ่าดาวเหนือมาถึงที่จ่ายุทธพงศ์รออยู่เพ่งมองทางเดินเท้าสายนั้นอย่างพิจารณามองไปทางซ้ายแล้วมองไปทางขวาเหมือนจะหาต้นทางและปลายทางของมันแล้วล้วงแผนที่ออกมาดูประกอบยอดเนินสาราภูคูณเนินสกายไลยเพราะฉะนั้นเราน่าจะอยู่ตรงนี้นะไม่เจรจ่าดาวเหนือเช็คพิกัดที่อยู่ของตัวเองบนแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นโดยวิธีแบ็กอาร์ซิมุตหรือวิธีสกัดกลับจากจุดที่ทราบสองจุดไม่ผิดเรานอสตา เส้นทางสายนั้นไม่ปรากฏในแผนที่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเกิดความไม่สมบูรณ์ในรายละเอียดแม้ว่าแผนที่ฉบับนั้นจะทำมาจากการตีความจากภาพถ่ายทางอากาศก็ตามทาั้งทังที่เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางเก่าที่ใช้กันมานานและสามารถใช้ได้ตลอดปีอีกด้วยนี่ไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องมาขบคิดการแก้ปัญหาในตอนนี้ก็คือหาต้นทางและปลายทางของมันให้ได้ จ่าดาวเหนือนั้นแม้จะเก่งเรื่องการอ่านและตีความแผนที่ในระดับมืออาชีพหรือมือชั้นครูก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถหารายละเอียดเรื่องนี้ได้เมเจอร์ Major, คุณว่าเส้นทางสายนี้มันควรจะเริ่มหรือสุดทางที่ไหนดีพันตรีโรเจอร์จ้องมองจุดที่จ่าดาวเหนือทำไว้บนแผนที่ฉบับนั้นซึ่งเป็นจุดพิกัดที่อยู่ของตัวเองในปัจจุบันหนิ้วมือพยายามที่จะไล่าลากไปตามแนวเขาแนวร่องน้าหรือแนวที่เส้นสายขอบเข่าชิดกัน แต่ก็ไม่สามารถให้คําตอบแก่คนที่ถามได้ก็เลยเงยหน้าขึ้นมองคนถามแล้วยิ้มแต่ไม่พูดอะไรคุณดีกว่าน้องสตาพันตรีโรเจอร์ยอมจำนวนง่ายๆจากดาวเหนือก็เลยหลัวเราะที่ต่างคนตั้งจนปัญญางั้นเอางี้ก็แล้วกันเมเจอร์ Major. พันตรีโรเจอร์นิ่งคอยฟังข้อคิดจา ก, จากดาวเหนือเราติดต่อกับนักบินที่อยู่ข้างบนนี้นะให้เขาตรวจสอบให้ดีกว่าโอเคกูดไอเดียผมจัดการเองว่าแล้วพันตรีโรเจอร์ก็ลงวิทยุประจําตัวออกมาจากซอกไหล ตั้งแบนความถี่ไปที่ช่องดีแล้วกดสัญญาณเรียกอัตโนมัติพร้อมๆกับยืดสาอากาศออกให้ยาวสุดเท่าที่มีในตัวเครื่องอุปกรณ์การรบของกองทัพสหรัฐอเมริกานั้นสุดแสนที่จะสมบูรณ์อะไรที่แนวความคิดของคนคิดว่าน่าจะมีสิ่งนั้นก็จะมีทันทีในคราวนี้ก็เช่นกันเครื่องบินที่บินอยู่บนอากาศทุกเครื่องทุกชนิดจะมีวิทยุติด ต, ต่อในความถี่สากลที่ทุกคนสามารถเรียกได้ทั้งหนี้คนที่เรียกนั้น ต้องมีความจําเป็นจึงจะเรียกเมื่อใดที่ฝ่ายตนซึ่งจะเป็นใครก็ตามที่มีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือและใครก็ตามที่อยู่ในบริเวณนั้นต้องให้การช่วยเหลือทันทีอย่างน้อยก็สามารถที่จะส่งข่าวให้คนที่เกี่ยวข้องจริงๆเข้ามาช่วยแทนได้คราวนี้ชุดทางพื้นดินใช้ความถี่สากลที่กองทัพกําหนดไว้ทําการเรียกนักบินส่วนนักบินนั้นก็มีเครื่องรับที่เปิดสแตนบายเอาไว้รับสัญญาณเช่นเดียวกันช่วงระยะเวลาไม่นาน รู้สึกว่าจะไม่ถึง20วินาทีด้วยซ้ำไปที่มีเสียงตอบจากนักบินลงมา Black Jack r to v e r เสียงนั้นดังมาสองครั้งติดต่อกัน Black Jack r to v e r คนที่ฟังอยู่ทางพื้นดินรู้สึกสบายใจที่นักบินคนนั้นเป็นอเมริกันแทนที่จะเป็นนักบินลาวหรือชาติอื่นแม้แต่นักบินไทย Black Jack คือนามเรียกขานนักบินในภารกิจนั้นซึ่งก็คือเครื่อง OV 0ลาที่กาลังบินอยู่นั่นเอง ส่วน R2 ก็คือรหัสสำหรับให้คนที่เรียกขึ้นไปนั้นพูดอะไรก็ได้เลยซึ่งนักบินพร้อมจะรับทราบอยู่แล้วทั้งๆที่ไม่รู้ว่าใครเรียกแต่รหัส R2 เป็นรหัสสากลที่ทางกองทัพกำหนดขึ้นใช้ในพื้นที่ปฏิบัติการในลาวคำว่า Over ก็แปลาว่าเปลี่ยนในภาษาวิทยุของไทยนั่นเองโอเคแบ็กแจ็คจากสันัหนึ่งเปลี่ยนโอเคจากแบกแจ็คขอตรวจสอบซันซันก่อนเปลี่ยนนักบินตอบลงมาการตรวจสอบที่ว่าก็คือ นักบินจวิทยุไปที่บอกอยุทธการเพื่อขอทราบรายละเอียดของคนที่ใช้รหัสแซมซันว่าเป็นใครทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการปลอมหรือแอบอ้างจากฝ่ายตรงคามนั่นเป็นมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารกับทางวิทยุที่ทางกองทัพกําหนดขึ้นตอนที่สิบสโอเคแซมซันเรียบร้อยแล้วสวัสดีแซมซั น, นคุณมาทําอะไรที่นั่นน่ะแล้วตอนนี้คุณอยู่แถวไหนโอเคบรักแจ็คคุณมีเลด้าค้นหาเป้าหมายไหม มีพร้อมแล้วงั้นคุณส่งขึ้นมาเลยแซมสัม้นแสดงว่าวิทยุไอคอมที่สร้างขึ้นมาใช้ในกองทัพคราวนี้สามารถรับส่งกับวิทยุและเครื่องมืออื่นๆที่เป็นคนละรุ่นคนละแบบกันได้เคลื่อนค้นหาเป้าหมายทางภาค พ, พื้นหรือที่เรียกกันว่าเรดาร์ค้นหานั้นปกติเครื่องบินจะใช้ค้นหาเป้าหมายที่เป็นเป้ายานยนต์โดยเฉพาะรถถังมากคราวนี้มันสามารถรับขื้นจากไอคอมได้นับว่ายอดมากพันตรีโลเจอร์กดสวิตช์แจ้งที่อยู่อัตโนมัติทันที โอเคเห็นแล้วแซมซันคุณมีอะไรว่ามาเลยผมยินดีช่วยเต็มที่นักบินนั้นรู้แล้วว่าแซมซันนั้นคือใครในตําแหน่งนายทหารยุทธการของกองกําลังจึงจําเป็นที่จะต้องตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดเลยทําให้นักบินคนนี้เอาจะช่างพูดอยู่สักหน่อยแบล็กแจ็คคุณอ่านพิกัดให้ผมหน่อยสิโอเคเอาไปเลย4ี่แปดเสาโอเคไหมโอเคแบล็กแจ็คคอยพันตรีโลเจอร์จัด ก, การทอดพิกัดที่ได้รับมาจากเครื่องคํานวณพิกัดบนเครื่อง ที่ออกจะแน่นอนกว่าการมาคํานวณเอาเองเมื่อพลอดแล้วก็เห็นว่าผิดประจากที่คํานวณเอาไว้ไม่ถึงห้สิเมตรนับว่าฝีมือจ้าดาวเหนือใช้ได้โอวีสิเครื่องนั้นบินมาอยู่ตรงหัวของคนที่ถามอยู่ทางพื้นดินเพราะรู้พิกัดที่อยู่แล้วโอเคแล็กจ็คตรงที่ผมอยู่เนี่ยมันมีทางเดินเท้าของคนอยู่นะคาดว่าเป็นทางเดินของไอ้พวกวีมันทั้งผมตรวจสอบไม่ได้ว่ามันเริ่มต้นที่ไหนแล้วจะไปสุดทางที่ไหนด้วยอยากให้คุณบินตรวจสอบให้หน่อยจะได้ไหมไม่ยากไม่ยากเลยแซมซัน ผมยินดีเพราะผมก็ต้องการที่จะพบเส้นทางนี้อยู่แล้วคอยสักครู่นะตอนนี้ผมยังมองไม่เห็นเส้นทางที่ว่านั้นเลยนี่แหละตอนนี้ผมนั่งทับทางมันอยู่โอเคคอยโอวีสิบเครื่องนั้นบินลดความสูงลงมาจนแทบจะเลี่ยยอดหมายแสดงว่าเป็นนักบินฝีมือเข้าขั้นคนหนึ่งเส้นทางบินวนเป็นรอบๆขยายวงไกลออกไปกระทั่งรับตาพวกที่อยู่ทางพื้นดินแต่เสียงเครื่องที่ดังอยู่นั้นบ่งบอกว่าเขายังทําการค้นหาอยู่ไม่ถึงสิบนาที โอวี v ip, เครื่องนั้นบินกลับมาแซมสันผมพบมาแล้วว่ามันอะไแบกแจ็คเส้นทางสายนี้ผู้ขาานน้าถนนสายที่จะไปเมืองสัมทองทางด้านแซมสันเนี่ยมันตัดออกหลังสาราภูคูนห่างออกไปประมาณ 5-6 กิโลเมตรเส้นทางสายนี้ส่วนใหญ่อยู่ใต้ป่าทึบทั้งผมตรวจเห็นเป็นบางช่วงเท่านั้นเองผมว่าเส้นทางนี้มันน่าจะไปได้ไกลจนถึงชายแดนเลยนะโอเคไหมโอเคแบกแจ็คว่าแต่ที่คุณบอกว่ากําลังค้นหาเส้นทางเนี่ยมันหมายความว่าไงอ๋อเมื่อสองสมวันมาเนี่ย ทางเราตรวจพบ VC ผู้มันกําลังลำเลียงสัมภาระกันเห็นว่ามีกําลังไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยคนก็เลยมาลองค้นหาเส้นทางสายนี้ดูเห็น <He S 2> <"He S 1> ว่าจะสาวไปให้ถึงรังของมันเลยแต่ที่จะสาวนะสาวยังไงผมไม่รู้นะโอเคขอบคุณมากครับแซมซันที่ช่วยภารกิจของผมสำเร็จขอบคุณครับเป็นอนุหน่วยทางพื้นดินที่ต้องการความช่วยเหลือกับเป็นฝ่ายได้ช่วยเหลือนักบินก็เลยกลายเป็นเรื่องแปลกจากคําพูดที่รับส่งกันทางวิทยุนั้นไม่ต้องอธิบายอะไรอีก พระจ่าดาวเหนือก็เปิดเครื่องของตัวเองรับฟังด้วยจึงเข้าใจได้ทันทีเอาไอดีนอสตาครับกําลังคิดอยู่เหมือนกันแต่ตอนเนี้เราไปจากที่นี่กันดีกว่าพอที่เครื่องบินมาบินอยู่เหนือหัวเราเมื่อกี้เนี่ยพวกมันที่อยู่แถวๆนี้ก็สงสัยได้ว่าเครื่องบินมาทําไมแล้วนั่นแหละเดี๋ยวเพื่อนเราจะแห่มาหาเราไปงั้นไปกันเลยชุดปฏิบัติการทั้งหมดในระหว่างการรอคอยนั้นต่างมาฝั่งตัวเรียงรายตามเส้นทางนั้นทั้งหมด การกระจายกําลังแบบพร้อมรับมือกับศัตรูที่อาจโผล่มากระทําได้ทุกเมือ่อยุดนําออกด้านหลังศาราภูคูลไปก่อนวะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับพี่จ่ายยุทธพงศ์กับไปเล็กเริ่มนําทางต่อไปอีกในฐานะชุดระหว่างหน้ากําลังส่วนอื่นได้รับการจัดวางลงตามตําแหน่งเดิมคราวนี้ชุดปฏิบัติการใช้การเกาะเส้นทางเท้าทางสายนั้นแต่แทนที่จะเป็นการเดินไปบนทางพวกเขากลับต้องหลบเข้าไปเดินในป่าข้างทางแทน ทางนีเพื่อเป็นการระวังไม่ให้เกิดรอยจากรองเท้าซึ่งถ้าหากไอ้พวกเวทกงมาเจอเขามีหวังมันต้องออกตามล่าแน่เพราะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่มันจองสัมปทานไว้แล้วนั่นเองจ่าดาวเหนือเฝ้าจับตาสังเกตรอยเท้าที่กดลงบนพื้นดินส่วนที่เป็นฝุ่นตลอดทางรอยกิ่งไม้ที่ถูกรากถูกดึงจนกิ่งโน้มลงมาก้อนหินก้อนดินที่พลิกออกจากที่เดิมแม้รอยคนหกหล่ร่องรอยเหล่านั้นสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน และไม่ใช่เพียงรอยเดียวหรือมีเพียงเล็กน้อยแต่มันมีกระจายทั่วทั้งเส้นทางตั้งแต่เข้ามาเดินบนเส้นทางนั้นด้วยซ้ำไปความลึกของร่องแสดงว่ามีการสัญจรไปมาเป็นประจำการที่ทางเดินอยู่บนไหล่เขาจึงไม่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมทําให้เส้นทางขาดในฤดูฝนอีกทั้งการที่แต่ละช่วงส่วนใหญ่ลอดไปตามใต้ดงไม้ถึบจึงไม่มีทางที่จะโตรวจพบทางอากาศได้นับเป็นความฉลาดของพวกเวทโกงมันที่เลือกเส้นทางแบบนี้ แบล็กแจ็คนักบิน OV10 เครื่องบินและตะเวนเครื่องนั้นที่ทําท่าจะจากไปกับบินย้อนมาอีกครั้งชุดปฏิบัติการต้องหยุดตามคําสั่งของหัวหน้าชุดเพราะมีเสียงเรียกทางวิทยุลงมาว่าอะไรแบล็กแจ็คเปลี่ยนพันตรีโรเจอร์เป็นคนตอบสัญญาณเรียกนั้นสัส้นผมพบ V ีซกลุ่มหนึ่งมันกําลังเดินตามหลังคุณไปนะ้เปลี่ยนโอเคขอบคุณขอรายละเอียดหน่อยซีเปลี่ยนมีประมาณแปดถึงสิคนเครื่องแบบสีขาวอาวุธครบมือ แต่ไม่ทราบชนิดนะตอนนี้อยู่ทางด้านหลังคุณประมาณ 5-6 กิโลเมตรเปลี่ยนโอเคขอบคุณเดี๋ยวทงผมจัดการเองขอบคุณมาก OV10 เครื่องนั้นไม่ได้บินวนเวียนทําเหมือนว่ากําลังติดต่อกับพวกทางพื้นดินแต่การที่วิทยุสามารถติดต่อในระยะไกลได้นักบินจึงแกล้งใช้วิธีการบินช้าๆแล้วติดต่อในช่วงเวลานั้นซึ่งก็ได้ผลพอดีเราคงหนีมันไม่พ้นแน่เมเจอร์ Major. ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ไม่พ้นเราก็ฟาดกันมาเลซสิมันไม่ง่ายอย่างนั้นสิครับ เราเล่นกับมันมากเท่าไหร่โอกาสที่จะเสียรับในเรื่องการมาของเราก็มากเท่านั้นถ้ามันพบศพพวกมันหลายๆที่เขามันก็ต้องสงสัยเป็นธรรมดาโดยเฉพาะไอ้คนที่ตกเป็นเหยื่อสังหารที่โดนอาวุธชนิดที่มันไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันทุกขลายแบบเนี้ยผมว่ามันคงไม่โง่นะมันต้องเสริมกําลังเพิ่มการระวังมากขึ้นแน่และที่สําคัญที่สุดนะผมเกรงว่าทางเราจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นถ้าใครสักคนพลาดขึ้นมานะ เราเสียแผนอย่างมากเลยไหนจะเรื่องส่งกลับไหนจะเรื่องเปิดเผยที่ตั้งตอนที่ฮอจะลงมารับคนเจ็บคนตายมันจะเสียงานใหญ่นะเมเจอร์แล้วคุณจะปล่อยมันไปแล้วงไงนอสตาผมคิดว่าถ้าจําเป็นก็ต้องทําครับงั้นตามใจคุณก็แล้วกันแต่ผมว่าเราน่าจะหาทางเอาคนของมันสักคนมารีดข่าวดูหน่อยนะนอสตาเมเจอร์ no จะเอาข่าวอะไรล่ะครับก็เป้าหมายของเรายังห่างตั้งเกือบร้อยกิโเมตรไอ้พวกนี้ไม่รู้เรื่องที่ที่เราจะไปกันหรอกเรื่องเป้าหมายโอเคตามที่คุณพูด แต่ข่าวเกี่ยวกับศัตรูในพื้นที่เนี้เราน่าจะรู้ไว้บ้างนะเพราะเราต้องเคลื่อนที่ผ่านมันไปอยู่แล้วเมเจอร์ Major คิดว่าเราควรจะรู้อะไรบ้างล่ะครับผมอยากรู้เกี่ยวกับที่ตั้งบกกรของมันในเขตเนี้ยบางทีเราอาจใช้วิธีหลีกเลี่ยงให้ห่างจากมันได้งั้นผมว่าไม่จําเป็นหรอกครับเรื่องที่ตั้งบกกของมันอ่ะผมดูออกรับรอไม่พาพวกเราเดินไปชนหรือเข้าไปในบกกรของมันแน่แต่เรื่องปิดลับการเข้ามาของพวกเรานี่สิสําคัญกว่าผมว่าไม่จําเป็นเราอย่าแสดงตัวเลยดีกว่าแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องครับ โอเคอย่างนั้นก็ได้แล้วตอนเนี้เราทําไงต่อดีหาที่กําบังเพื่อสังเกตการในพวกนี้ครับโอเคเมื่อพันตรีโรเจอร์รับคำจากดาวเหนือสาวเท้าเร่งความเร็วไปข้างหน้าโดยมีพันตรีอเมริกันผู้กระหายที่จะดับศูนย์เวทกงให้ได้เมื่อพบเห็นตามไปติดติตอนที่ต้องเร่งความเร็วนี้ทั้งสองคนไม่ได้พูดอะไรกันอีกเพราะมีความจำเป็นเร่งด่วนกระทั่งเดินไปทันชุดระวังนาที่หัวขบวนยุดเว้ยพวกตามมาอีกแล้วอะ คราวนี้เจดปคนอยู่ข้างหลังไปสักสี่ห้ากิโลมันคงมาถึงฟาดมันอีกไหมพี่มึงอย่าใจร้อนในน้องรักเรายังมีงานใหญ่อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นเราอย่าปรากฏตัวยังไงเดี๋ยวปล่อยให้มันแซงเราขึ้นไปถ้ามันไม่ได้ตามเราโดยเฉพาะนะเดี๋ยวเราหาที่ซุ่มสังเกตการกันก่อนแล้วกันว่ะจ่าดาวเหนือตอบแบบไม่ได้มองหน้าสายตา ม, มองกลาดไปทั่วพื้นที่บริเวณนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาแต่ทางเลือกได้ที่ที่คิดว่าเหมาะสมบนฝันหน้าผาตรงนั้นดีกว่าว่ะยังไงเดี๋ยวมันต้องผ่านข้างล่างนี้แนะ่ จาดาวเหนือเดินนำทันทีตัดออกขวาขึ้นลาดที่ปกคลุมด้วยไม้ซุ้มที่หนาทึบไต่ขึ้นไปเรื่อยๆตามความสูงที่ระยะห่างไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรชุดปฏิบัติการต่างตามกันไปเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งกระทั่งทุกคนถึงสันที่เป็นเหมือนหน้าผาซึ่งทอ ต, ตัวยาวขนานกับเส้นทางเดิมที่อยู่ต่ำกว่าพื้นล่างกับขอบหน้าผาที่ตั้งดิ่งเกือบ90้าสิองศาที่ระยะประมาณ30สิบเมตรเชือวเวียดกงชุดนี้คงปีนขึ้นไปได้ไม่ง่ายนัก ยกเว้นแต่จะเดินย้อนไปทางที่พวกเขาไต่ขึ้นมาเท่านั้นแต่ทางที่มันจะไต่ตามขึ้นมาเป็นทางจํากัดที่ต้องเดินเป็นแถวต่อเรียงหนึ่งเหมือนพวกเขาซึ่งนั่นหมายความว่าหากมีการประทะ ก, กันแล้วละก็ไอเวทโกงจะไม่มีทางขยายรูปขบวนทําการโจมตีได้แต่ในขณะเดียวกันมันนั่นแหละที่จะกลายเป็นแมงเมาบินเข้ากองไฟแต่ละคนจะเดินเรียงกันเข้ามาสังเวชชีวิตให้กับพวกนักล่ารับจางนี่คือความได้เปรียบในเรื่องของการใช้ผู้มิประเทศ บนขอบหน้าผานั้นทั้งสิบหกคนได้รับการจัดวางกำลังตามคำสั่งของหัวหน้าชุดความยาวกว่าหนึ่งรเมตรสามารถขยายแนวซุ่มได้อย่างสบายๆ บ, บนนั้นไม่มีที่กำบังอะไรเลยแม้แต่ดินสะกอนหญ้าสะกอแต่พวกซุ่มก็ไม่ได้หวันวิตกเพราะบนหน้าผานั้นไม่สามารถมองขึ้นมาได้เพราะสายตาคนโค้งไม่ได้เมื่อพวกเขาถอยหลังเข้าไปสักเพียงเก้าเดียวพวกข้างล่างก็มองไม่เห็นเสร็จแล้วครั้นพวกข้างล่างจะยิงตอบโต้ขึ้นมาเมื่อถึงคราวที่ต้องประทะมันก็ยิงไม่ได้ ยกเว้นแต่จะใช้อาวุธประเภทวิถีโค้งอย่าง M79 เท่านั้นหรือไม่ก็ระเบิดคว้างอีกอย่างหนึง่งถ้ามันคว้างถึงและแม่นยำพอรองแบบนี้ถ้าพวกนักล่ารับจาง์ปอดแหกกับการไม่มีที่กำบังก็อย่ามายึดอาชีพนี้เลยกำลังชุดซุ่มพร้อมนานแล้วไอชาดกับไอโนบรับหน้าที่ที่ปากทางเขา้าเพื่อคอยรายงานความเคลื่อนไหวของพวกมันแต่เนินๆก่อนที่จะถึงใจกลางของพื้นที่ซุ่มตอนนี้ทั้งสองคนยังไม่ได้รายงานอะไรเข้ามาพวกซุ่มก็เลยถือโอกาสพักรอ ใช้ควันบุหรี่เป็นเครื่องผ่อนไายหรือใครจะใช้หมากฝรั่งที่เตรียมมาก็ไม่ขัดเวลาผ่านไปอีกเกือบชั่วโมงแสงแดดจัดยามบ่ายกับพื้นที่ที่มีแต่หินนั้นช่างร้อนเสียเหลอะประมาณจนบางครั้งต้องลุกขึ้นเดินเพราะแม้แต่นั่งก็ยังร้อนแล้วอุไปทั่วกลนเราถ้าเป็นการนอนราบล่ะมันจะร้อนมากกว่าสักแค่ไหนแต่ก็ต้องทนให้ได้ร้อนแค่นี้ยังดีกว่าตาย ตอนที่สิบห้าจากดาวเหนือเริ่มหงุดหงิดในความลาช้าของไอ้พวกเวทกองพวกนี้ความจริงแล้วมันน่าจะมาถึงแล้วเพราะปกติพวกนี้เป็นคนเดินค่อนข้างเร็วในทุกลักษณะภูมิประเทศหรือมันจะพักระหว่างทางซึ่งอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่ค่อยจะทําอยู่แล้วหรือมันเปลี่ยนเส้นทางก็ไม่น่าจะเป็นไปได้อีกเพราะตลอดเส้นทางที่ผ่านมานั้นไม่มีทางแยกหรือพื้นที่อื่นที่น่าจะไปเลยแล้วมันมัวทําอะไรกันอยู่ งานของชุดปฏิบัติการไม่ง่ายอย่างที่จ่าดาวเหนือคิดเสร็จแล้วเวียดกงยังมีความฉลาดพอที่จะต่อกรกับฝีมืออย่างพวกนักล่ารับจ้างได้ชุดรัตเเวนของมันชุดนี้เป็นชุดจรยุทธ์ที่มีประสบการณ์การรบค่อนข้างสูงเส้นทางที่ถูกนักรบฝ่ายศัตรูเข้ามาร่วมใช้กับมันคราวนี้เวียดกงชุดนี้เริ่มพบสิ่งที่เป็นหลักฐานพวกนักล่ารับจ้างไม่รู้เลยว่าได้มีความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงขณะเคลื่อนที่เกิดขึ้นหลักฐานต่างๆระหว่างทาง บ่งบอกว่ามีฝ่ายตรงข้ามเข้ามาจนสามารถจับเส้นทางทิศทางระยะเวลาที่เดินทางผ่านไปหรือแม้แต่จำนวนคนที่ไม่รู้ก็เพียงอย่างเดียวคือจุดมุ่งหมายที่เข้ามาในครั้งนี้เท่านั้นความผิดพลาดเกิดจากไอเปียกที่ควบคุมไอม้งสองคนนั้นไม่ดีความที่ตนเองมีประสบการณ์สูงจึงทำให้มองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆไปได้เหตุทั้งหมดที่ไอม้งสองตัวนั้นก่อขึ้นยังไม่มีใครในชุดปฏิบัติการรู้ แม้แต่ตัวจ่าดาวเหนือเองที่ว่าเป็นคนละเอียดที่สุดแล้วก็ตามหรือจะเป็นประกาศสิทสวรรค์ที่ฟ้ากำหนดให้คนอย่างพวกนักดารับจ้างต้องห้ำหันฟาดฟันกับพวกศัตรูอย่างเวียทกงตลอดไปแม้จะพยายามรีกเลี่ยงแล้วก็ตามกับชะตาที่ต้องกันมันจึงไม่แคล้วที่ต้องประจันหน้ากันจนได้เวลาผ่านไปตั้งแต่ที่ได้รับรายงานจากแบ็กแจ็คจนถึงตอนนี้สองชั่วโมงพอดียังไม่ปรากฏวี่แววของเยื่อสังหาร ที่พยายามจะหลบในคราวนี้จากดาวเหนือแม้จะหุดหงิดกับอากาศที่ร้อนพยายามข่มความรู้สึกเต็มที่ทุกครั้งที่ใช้แขนเสื้อเช็ดเหงื่อที่ใบหน้าอดไม่ได้ที่จะมีเสียงบ่นรอดออกมาร้อนที่ผายเลยวะพรไอ้พรที่อยู่ข้างๆยิ้มกับหัวหน้าชุดแต่ไม่ได้พูดอะไรทาไมแม่งช้านักวะไม่มีใครตอบอีกหลายคนมองย้อนไปทางทิศ ท, ที่คาดว่ามันจะต้องเข้ามาด้วยความโกลนกระวายมึงไปตามมันหน่อยสิวะพรเอางั้นเลยเหรอพี่ ไอพรถือโอกาสลุกขึ้นบิดขี้เกียจหลังจากที่นั่งมานานพอดีเสียงวิทยุจากไอชาติดังเข้ามาทาั้งๆที่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่แต่ละคนก็อดที่จะตื่นเต้นไม่ได้ว่าวเลยชาติมาแล้วครับพี่เออดีรายละเอียดหน่อยสิครับพี่แปดคนพอดีไม่ขาดไม่เกินเวียดโกงของแท้กรุงฮานอยอาก้าสีครบไม่มีเบร์โรเบิร์ส ก, กับเบือคนละสองสลูกผู้มันเดินทางกันแบบระมัดระวังมากระยะต่อ19 ปืนพร้อมยิงกับทุกคนเลยพี่ไอชาติคนรายงานคงจะงุดหงิดใจเหมือนกันกับอากาศที่ร้อนเราต้องมานั่งรอคอยคนก็เลยรายงานเสียยาวเหยียดการติดต่อของมันไม่มีใครพลอยขำไปด้วยเพราะความตื่นเต้นที่จะได้พบกับศัตรูที่รอคอยมานานมันมีมากกว่านั่นเองเออดูต่อไปแล้วตอนนี้มันถึงไหนแล้ววะตอนนี้ถึงขอบหน้าผาที่พวกพี่อยู่แล้วพี่สงสัยมันจะรู้ตัวนะพี่ไอ้ชาติพยายามใช้เสียงที่ค่อยที่สุด แม้ยามที่มันกําลังตื่นเต้นกับเยื่อสังหารที่มีทีท่าว่าจะรู้ตัวอย่างนั้นต้องใช้เสียงพูดวิทยุที่ค่อยที่สุดจนแทบจะเป็นการกระสิบรายละเอียดหน่อยสิจา้าดาวเหนือขอรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจที่จะสั่งการไอคนนํามันก้มลงตรวจพื้นนะพี่มันเห็นรอยรองเท้าด้วยอีกคนมันกำลังตรวจสอบกิ่งไม้ตรงที่มงสองคนนั้นมุดเข้ามาชิบผายลไล่เฮ้ยไอมงเดินตายสองตัวนี่ทิ้งหลักฐานล่องรอยไว้หน้าเลยพี่เออ เรื่องไอ้มองวยวอดนี่เดี๋ยวว่านที่หลังตอนนี้คอยรายงานก่อนเหลือระยะอีกมากเหมือนกันที่กว่าหัวขบวนมันจะมาถึงพื้นที่ซุ่มมันเดินต่อไปแล้วพี่ผมว่ามันคงไม่ตัดขึ้นหน้าผาแนา่พวกนี้มันพยายามมองไกลแล้วไอคนที่สองกับคนที่สา ม, มองตามพื้นดินหาร่องรอยต่อคราวนี้จ่าดาวเหนือไม่ได้ตอบสายตา ม, มองตรวจแนวซุ่มโจมตีครั้งแล้วสั่งการพวกเราเตรียมตัวงานเนี้ยสงสัยปล่อยไม่ได้แล้ววะ่ะดับศูนย์ทุกคนย่าให้รอดไปได้ไหมแต่คนเดียว คอยฟังสัญญาณจากูให้ดีไอ้เปี๊ยกยึดปืนในมงสองคนนั้นไว้ก่อนอย่าให้มันยิงเด็ดขาดไม่งั้นเปิดเผยที่ตั้งหมดกูไม่กลัวพวกนี้ได้ยินเสียงปืนหรอกแต่กลูไม่อยากให้คนอื่นได้ยินดับศูนย์แบบเด็ดขาดนัดเดียวเลยอย่าให้มันมีโอกาสลั่นปืนได้ไม่ใช่ว่าปืนในมงไม่ดังแต่ปืนในแก้วเสิกดังแทนล่ะจ่าดาวเหนือสั่งการแบบใจเย็นพูดชา้าช้าชัดถ้อยชัดคําเพื่อให้คนที่อยู่ทางปลายสุดเข้าใจด้วยซึ่งก็ไม่ยากอะไรที่คนมีประสบการณ์ร่วมกันหมายอย่างโชคชนจะเข้าใจได้ M203 ต้องได้รับการตรวจอีกครั้งก่อนใช้งานจริงตำแหน่งคันบังคับการยิงตั้งอยู่ที่ซิงเกิลเพราะปืนเมื่อใช้กระบอกเก็บเสียงนั้นใช้ยิงได้ทีละนัดเท่านั้น <c oughs> การดักซุ่มโจมตีเหยื่อสังหารที่มีความระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีในคราวนี้นั้นพวกนักล่าลับจ้างไม่ใช่ว่าจะไม่เคยพบมาก่อนยิ่งกว่านี้ก็ยังเคยเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรจํานวนคนที่มากกว่ากับภูมิประเทศที่ดีกว่าแบบนี้ต่อให้มามากกว่านี้ก็ยินดีต้อนรับ มาถึงตอนนี้ไม่มีใครร้อนระอุ ก, กับพื้นหินอีกทุกคนต่างนอนราบลงยางสุขขาทั้งนี้เนื่องจากสิ่งที่รอคอยกําลังมาถึงนั่นเองมาแล้วเว้ยญาติใครวะจ่าดาวเหนือพูดออกมาด้วยความลำพองทงั้งทั้ที่พวกซุ่มคนแรกมันเห็นก่อนแล้วจ่าดาวเหนืออยู่ที่กลางแนวซุ่มจึงเห็นทีหลังแต่ก็อดไม่ได้ที่จะต้องพูดอะไรสักหน่อยเพื่อเป็นการระบายความร้อนออกจากลางเวทกองแปดคนชุดละตะเวณ ที่ถูกจัดเพิ่มขึ้นจากจำนวนปกติ4ี่คนคราวนี้มันเอากำลังคนสองชุดมารวมกันของเพื่อหวังผลในการประทานนั่นเองแต่ชะตามันตกต่ำเกินไปก็เลยคิดว่าการสูญเสียแค่สี่คนน้อยเกินไปจึงไดเอามาแถมให้อีกสี่งานนี้จ่าดาวเหนือคิดว่าจะไม่ลงมือเองเพราะปืนกว่า1ิบกระบอกนั้นมันเกินจำนวนเป้าหมายอยู่แล้วแกใจเย็นพอที่จะลุกขึ้นนั่งราบกับผืนโดยถอยห่างจากขอบหน้าผาเข้ามาเล็กหน่อย ซึ่งคนข้างล่างไม่สามารถมองเห็นได้แต่คนข้างบนใช้วิธีการชะโงกหน้าเพียงเล็กน้อยก็สามารถโยนก้อนหินใส่กระบาลมันได้ไอ้คนนำมองซ้ายมองขวายอยู่ตลอดเวลามันนำห่างจากคนที่สองเกือบ50เมตรพยายามตรวจการออกไปไกลๆมองซ้ายมองขวายอย่างละเอียดบางครั้งก็มองขึ้นมาข้างบนที่ขอบหน้าผานั่นเหมือนกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจมากนักก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร ใจมันคงนึกว่าศัตรูที่มันค้นพบร่องรอยนั้นล่วงหน้าไปข้างหน้าแล้วนั่นเองไอ้คนที่สองกับคนที่สา ม, มองต่ำตามพื้นดินตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อค้นหาร่องรอยแต่พอมาถึงตอนนี้มันไม่พบอะไรอีกแล้วเพราะคนที่นํามันนั้นเปลี่ยนเส้นทางไปอยู่บนหัวมันแล้วนั่นเองไอ้คนที่สองดูเหมือนจะมีสัญชาตญาณที่ดีกว่าทุกคนในชุดนั้นหรือมันอาจจะเป็นหัวหน้าชุดไอ้นั้นหยุดอยู่กับที่แล้วมองย้อนกลับไปทางด้านหลังทันทีที่มันหยุด ทางๆ ท, ที่ยังไม่ได้สั่งการอะไรคนของมันตัางก็หยุดเรานั่งคุกเข่าลงกับพื้นกลาดสายตามองไปทั่วบริเวณปืนในมือถูกกระชับมั่นขึ้นกว่าเดิมเฮ้ยพวกเรารอยมันหายไปตรงนี้ว่ะไอ้เวียดกงคนที่อยู่ในตำแหน่งคนที่สองบอกกับพวกมันด้วยเสียงที่ดังพอสมควรนั้วแสดงศัตรูตัดออกจากเส้นทางตรงนั้นแน่เลยมันให้เหตุผลอีกครั้งคราวนี้คนที่สามมองขึ้นมาบนหน้าผาพยายามเพ่งสายตาจะค้นหาบางสิ่งบางอย่างให้ได้หรือมันจะขึ้นไปบนนั้น ให้คนที่สองให้เหตุผลมาอีกแล้วสั่งการทันทีพวกเราระวังสงสัยมันอยู่บนนั้นแน่เวทกองที่เป็นลูกน้องต่างขยับตัวเพื่อจะหาที่กาําบังแต่ก็จนปัญญาเพราะตรงนั้นไม่มีที่กําบังให้อาศัยนอกจากทางเดินเท้าที่มีแต่หินส่วนต้นไม้นั้นอยู่ต่ําลงไปในทางลาดที่ค่อนข้างชันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะลงไปใช้เป็นที่กาําบังเพราะยังไม่แน่ใจว่าจะมีศัตรูอยู่ที่นี่หรือไม่พวกเราอย่าใช้เส้นทางนี้เลยวะ่ะ กลไปแล้วใช้เส้นทางบนโน้นแทนก็แล้วกันไอ้คนที่สองสั่งการทันทีพอเชื่อว่าเส้นทางช่วงนี้อันตรายเกินไปพันตรีโรเจอร์ที่มองเห็นความเคลื่อนไหวของเยื่อสังหารชุดนั้นโดยตลอดเข้าใจแล้วว่าเวียดกงนั้นจะเลือกใช้เส้นทางแบบไหนสําหรับการป้องกันฝ่ายตรงข้ามแต่การที่จ่าดาวเหนือเลือกใช้เสียก่อนนั้นแสดงว่าจ่าดาวเหนือได้เอาหลักยุทธวิธีของมันมาใช้ก่อนนั่นเองทันทีที่ทุกคนลุกขึ้นจากท่านั่งคุกเข่ามาเป็นยืนขึ้นเต็มตัว แต่ก่อนที่จะได้ขยับเท้าก้าวถอยหลังนั้นจ่าดาวเหนือยิ้มออกมาที่มุมปากอย่างย่ามใจแล้วสั่งการอย่างใจเย็นที่สุดพ่อมันจะกลับแล้วเมื่อไหร่มันจะส่งข่ากันสักทีว่ไอเวนตอนแรกก็พูดไม่ดังนักหรอกเอาพอได้ยินซึ่งพวกข้างล่างก็คงได้ยินบางแต่คําสุดท้ายจ่าดาวเหนือพูดดังขึ้นโดยที่ไม่มีคําว่าเกรงใจใครทั้งสิน้นเหยื่อสังหารทั้งหมดมีอาการชางักเท้าอย่างเห็นได้ชัดทุกคนเงยหน้าขึ้นมามองที่เสียงนั้นเป็นตาเดียว แต่นั่นคือโอกาสของพวกซุ่มยิงนั่นเองอยอยไม่มีควาวิบพาดแม้แต่นัดเดียวเหยื่อสังหารที่เงยหน้าขึ้นมาเพื่อมองหน้าคนที่ส่งเสียงคือเอาหน้าปากมารับกระสุนแทๆ้ๆชนิดที่เรียกได้ว่าไม่มีทางใดในโลกที่จะป้องกันได้ความจริงแล้วกระสุนแต่ละนัดนั้นลั่นออกมาจากปากลํากองที่ติดกระบอกเก็บเสียงก่อนที่คําว่าไอเวนจะสิ้นเสียงด้วยซ้ําไปซึ่งก็เหมือนกันกับจ่าดาวเหนือที่เป็นต้นเสียงที่แก้งออกเสียงดังๆมา เพื่อให้คนข้างล่างได้ยินด้วยความจริงแล้วตัวแกเองอยากจะโผล่หน้าออกมาดูท่าตายของเยอ่สังหารแต่ละคนเสียมากกว่าอยากรู้สิว่าคนไหนที่ควรจะเป็นดาราตุ๊กตาทองที่สามารถแสดงท่าตายได้ดีที่สุดไอเวียดกงทั้ง8ดโดนริตกระสุน M16 ที่ดัดแปลงเป็น M203 กระสุนแบบหัวระเบิดที่เจาะเข้ากลางสมองคว้านจนกระจุยกระจายในพริบตา มันสมองไม่มีโอกาสแม้แต่จะสั่งการให้ร่างกายได้ลั่นกระสุนอาการที่บรรจุกระสุนพร้อมยิงแล้วนั้นสิ่งที่มันทําได้คงเนื่องมาจากส่วนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสมองคือเสียงร้องที่ร้องออกมาได้เพียงโอยคําเดียวพร้อมร่างของแต่ละคนพะงะหงายกลางแขนปล่อยปืนหลุดจากมือบางคนล้มลงกองกับผื้นอยู่ตรงนั้นบางคนที่โดนแรงประทะของหัวกระสุนแรงไปหน่อยล้มแล้วกลิ้งลงไปตามลาดเขาแต่ก็ไปได้ไม่ไกลร่างที่ไร้วิ ญ, ญญาณก็หยุด ตอนที่สิบหกจ่าดาวเหนือเลื่อนตัวออกมานั่งห้อยขาที่ขอบหน้าผา ย, ยังสบายใจมันน่ามีกล้องถ่ายเป็นหนังไว้ชิบหายหรือวะ่ะสวยจริงๆภาพนี้เมเจอร์คอรลินไม่ลงไปเอาของที่ระลึกหรือครับเอาสินอสตาในละจ่ายยุทธพงษนะ์เน่ะพันตรีคอรลินยืนขึ้นมองหาจ่ายยุทธพงษ์ทันทีโนนไงลงไปแล้วตามไปสิพันตรีโรเจอร์เป็นคนตอบให้เอง เมื่อเห็นคนที่พันตรีคอาเล่นอยากพบไต้หน้าผาตามช่องที่พอจะไต่ลงได้ลงไปแล้วพร้อมทั้งชุดเข้าเคลียร์พื้นที่ที่จะต้องลงไปดําเนินการกบเกลื่อนล่องลอยทั้งหมดเป็นไงครับเมเจอร์จาดาวเหนือถามขณะที่นั่งดูลูกน้องลงไปทํางานกันยอดจริงๆเลยนอสตาผมไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยจริงๆเอะเมื่อกี้ดูเหมือนคุณไม่ได้ยิงเลยไม่ใช่เหรอครับไม่ได้ยิงหรอกครับขี้เกียจโธเมเจอร์คนของเรามากกว่ามันตั้งเยอะแยะเอาเปรียบมันมากเกินไป พันตรีโรเจอร์ยอมรับในใจอย่างแน่แท้ว่าคนยังจ่าดาวเหนือนี้ใจเย็นและกําลังขวัญสูงมากในความเป็นความตายแบบนี้ไม่มีคําว่าประวัตนพลันผึงหรือตื่นเต้นแต่อย่างใดนี่แสดงถึงฝีไม้ลายมือที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคชนนั่นเองไม่น่าเชื่อว่าคนที่กําลังจะฆ่ากันตายทั้งที่ฝ่ายตัวเองจะฆ่าเขาแล้วฝ่ายเขาจะฆ่าเราแต่จ่าดาวเหนือกลับเป็นทองไม่รู้ร้อนไปได้จากคําตอบของจ่าดาวเหนือนั้นพันตรีโรเจอร์ไม่ได้ตอบอะไร มีแต่รอยยิ้มที่เป็นยิ้มใหญ่ๆบนใบหน้าเพราะไม่เชื่อว่าจะมีคนอย่างนี้อยู่บนโลกจากดาวเหนือไม่ได้มองหน้าคนที่คุยด้วยแต่จ้องมองอยู่ที่การทํางานของพวกลูกน้องที่เบื้องล่างนั้นที่น่าดูที่สุดก็คือการที่พันตรีคอรินเดินตามจ่ายยุทธพง์แล้วใช้โบวีตัดใบหูข้างซ้ายของไอ้พวกเหยื่อสังหารหลังจากที่จ่ายยุทธพง์ตัดข้างขวาออกไปก่อนแล้วไม่มีทีท่าของความขยักขยแยงหรือสะอิดะเอียนเอาเสียเลยตัดใบหูติดมือออกมา แล้วใบมีแต่งส่วนที่ไม่จําเป็นออกหลังจากนั้นก็ใช้เสื้อผ้าของเจ้าของใบหูเช็ดทำความสะอาดคราบเลือดที่ติดอยู่ศพทั้งแปดขอยพวกเวทโกงถูกพวกซุ่มลากไปแล้กลิ้งลงจากขอบทางลงสู่เบื้องล่างที่ค่อนข้างฉันจนเกือบจะเป็นเหวนั้นทีละศพทีละศพจนครบทุกคนหลังจากที่ตรวจค้นในตัวจนได้สิ่งของที่จําเป็นแก่การยึดไว้นอกนั้นปล่อยให้ผีมันไปหลังจากนั้นแต่ละคนจึงเข้าทําความสะอาดพื้นดินตอนนั้นอีกครั้ง โดยเฉพาะรอยเลือดที่ไม่ควรให้หลงเหลือเพราะจะกลายเป็นหลักฐานให้ศัตรูคนต่อไปจับสังเกตได้อีกจ่าดาวเหนือหันมามองหน้าพันตรีโรเจอร์เพื่อจะชวนให้แกไปด้วยไปกันหรือยางเมเจอร์ไปไหนละ่ะไปดูรอยที่รอยทางของพวกเราที่พวกเวทกรมตรวจพบซะหน่อยเถครับทั้งสองคนค่อยๆก้าวลงจึงหน้าผาตามร่องรอยที่พอมีซึ่งคนที่ลงไปก่อนลองดูแล้วว่าลงได้เราเดินลัดล้อตามแนวป่าข้างทางย้อนกลับไปใหม่ จนกระทั่งถึงจุดที่สงสัยจึงชี้ให้พันตรีเมดิกันนั่นดูนี่ไงเมเจอร์รอยเท้าพวกเราเท้าใครอะนอสตาก็จะของใครอีกล่ะนอกใจหมงงสองตัวนั่นแหะพันตรีโรเจอร์เพ่งพิจารณารอยรองเท้าเดินป่าที่กดลงบนดินที่เป็นฝุ่นใกล้ๆพุ่มไม้อย่างจริงจังจนถึงขั้นต้องคุกเข่าลงไปดูใกล้ๆนี่ ก, ก, นก็อีกรอยกิ่งไม้หักเป็นทางเลยไม่รู้มันจะรีบร้อนไปไหนพันตรีโรเจอร์ตามไปดูตรงที่จ่าดาวเหนือร้องบอกอีกครั้งก็พบรอยตามที่บอกจริงๆ เราจะแก้ไขเรื่องนี้กันยังไงดีลองแบบนี้ต่อไปมันต้องมีอีกแน่ๆเลยแน่นอนเมเจอร์เรื่องนี้มันต้องได้รับการแก้ไขเป็นการด่วนที่สุดก่อนที่จะลุกลามใหญ่โตนี่ท่านักบินไม่แจ้งเตือนเราซะก่อนนะไม่แน่ใจว่าเราจะรู้ตัวเหมือนอย่างคราวที่แล้วหรือเปล่าพันตรีโลเจอร์มองย้อนกลับไปที่มงสองคนที่กำลังช่วยพักพวกเกลี่ยรอยเลือดอยู่ยังใช้ความคิดว่าจะแก้ไขความโง่ของไอ้สองคนนี้ด้วยวิธีใด ผมว่านายแปดคนเนี้ยคงสงสัยเรื่องของไอ้สี่คนที่เราดับศูนย์นไปก่อนนั้นแล้วว่าหายไปไหนมันอาจจะยังไม่เจอศพคนของมันก็ได้แต่การที่คนของมันหายไปเฉยๆแบบเนี้ยมันก็ต้องออกติดตามเป็นธรรมดาแล้วระหว่างติดตามมามันคงพบร่องรอยบางไม่งั้นมันคงตามมาไม่ถูกหรอกดูจากการระมัดระวังในการเคลื่อนที่ของมันก็ได้แบบเนี้ยแสดงมันต้องรู้ว่ามีฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่นี้พันตรีโรเจอร์ยอมรับว่าเหตุผลที่จ่าดาวเหนือพูดมานั้นถูกต้องทุกประการ หรือจะไม่เอาไอ้2คนนี้ไปด้วยผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ปล่อยมันไว้ก่อนดีกว่าครับความจริงอนะตอนนี้ถ้าเราตัดสินใจไม่เอามันไปเราก็ส่งให้มันขึ้นสแตนาภูคูณไปเลยก็ได้นะเพราะถ้าไปไกลกว่านี้เราจะส่งมันกลับไม่ได้นะนอสตา์ไม่จงเป็ี่ยนออกเมเจอร์ส่งมันกลับไม่ได้ก็ฆ่ามันทิ้งก็หมดเรื่องจะดีเหรอือฆ่าคนของเราอะแต่ถ้าเราไม่ฆ่ามันก็มันนี่แหละที่จะเอาคนอื่นมาฆ่าเรานะมันจะเอามาได้ยังไงก็ปากมั น, นสิครับไอ้พวกเนี้ขี้คุยขี้โม้ มันจะเอาเรื่องเหล่าเนี้ไปเล่าให้ใครต่อใครฟังจนทั่วทั้งกองทัพเลยครับแล้วแบบเนี้เมเจอร์คิดว่าจะไม่เข้าหูพวกเวทโกงหรอครับเออจริงด้วยเอา้าตอนนี้คุณจะจัดการยังไงก็เชิญเราเลยจ่าดาวเหนือกลับมารวมกับพักพวกเราเรียกหาไอ้ตัวยุ่งทั้งสองทันทีจ่าดาวเหนือมีอาการทำสีหน้าบอกบุญไม่รับเดินเคียงคู่มากับพันตรีโรเจอร์สายตานั้นไม่ได้รับไปจากไอ้มงจอมยุ่งผสมโง่นั่นเลยความจริงแล้วนั้นเขาไม่คิดที่จะเกลียดชังมันต่อย่างใด กับบางครั้งที่ออกจะสงสารมันเสียด้วยซ้าไปอยากจะคิดว่านี่เป็นความผิดของเขาเองที่เชื่อใจมันมากเกินไปจึงคิดอยู่ว่าจะหาหนทางแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรดีเมื่อรู้ว่าไม่สามารถส่งมันกลับที่เดิมได้นอกจากต้องฆ่ามันทิ้งเท่านั้นไอ้มองสองตัวนะ่ะมานี่สิมึงจ่าดาวเหนือตะโกนเรียกออกไปทุกคนหันไปมองที่คนเรียกกับคนที่ถูกเรียกเป็นตาเดียวกันมงสองคนมีอาการงกๆเงินเงินแล้วเดินมาหาคนเรียกกระทั่งมาถึง โอ๊ยอะไรวะนะใหญ่ตีค่าน้อยทําไมจา่าดาวเหนือไม่ถามไม่ฟังอะไรทั้งนั้นทันทีเที่มงจอมยุ่งมาถึงลังมือข้างขวาสะบัดใส่หน้ามันอย่างแรงจนมันทั้งคู่เซไปตามแรงมือปืนลุกไปไหนคาถามแรกของจา่าดาวเหนือนั่นคือสาเหตุที่มันต้องโดนหลังมือก่อนครละทีไอ้มงทําท่าจะออกวิ่งไปเอาปืนที่วางพิงโขดหินอยู่ความจริงมันน่าจะสังเกตที่ทุกคนนะว่าทุกคนในนั้นไม่มีใครที่ปืนห่างตัวกันเลย ข่าวที่ต้องใช้มือจับใช้งานเขาจะเอาปืนนั้นสะพายขวางกับลําตัวไว้แล้วมือก็ทํางานไปแต่ส่วนใหญ่พร้อมและคุ้นเคยกับการทํางานด้วยมือเดียวเสร็จแล้วข่าวใดที่ต้องใช้สองมือก็จะมีคนมาช่วยดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าปืนกับสายกระสุนจะติดตัวทุกคนอยู่ตลอดเวลานอกจากเวลาที่แปรหลังเท่านั้นที่จะถูกปลดออกชั่วคราวไม่ต้องไปเอาปล่อยมันไว้ยังไงแหละมึงนี่ไม่ตายไม่เข็ดมองสองคนก็เลยชะงักเท้าไม่วิ่งกลับไปเอา กรมนานิ่งไม่ยอมสบตากับหัวหน้าใหญ่ไปไงยีฟูผีแก้วเข้ามึงหรือไยืนโตสั่นเชียวยีฟูที่เคยเห็นท่าทางที่หัวหน้าใหญ่ฟาดไอเส่งก่อเมื่อตอนผีเขา้ารู้ว่าเท้านั้นไหวและหนักแค่ไหนก็เลยมีอาการกลัวมากกว่าไอ้เส่งก่อเปล่าเปล่าครับหัวหน้าใหญ่ผมไม่ได้เป็นอะไรครับมึงรู้ไม้มกูเป็นใครรู้ครับเป็นเป็นหัวหน้าใหญ่หัวหน้าดาวเหนือครับเออไอเวนมึงรู้ไหมตั้งแต่ออกเดินทางมาเนี่ย มึงทำระยำ ม, มาตลอดทางเลยข้าน้อยทำผิดอะไรหรอครับผู้น่าใหญ่ไอ้ยีฝูลอยหน้าขึ้นถามด้วยความสงสัยพร้อมกับเอ้เซงก่อแล้วสิ่งที่แก้ความสงสัยของพวกมันก็คือลังมือที่ตามมาด้วยเทา้าไม่มีเสียงร้องออกจากปากของคนที่โดนมือโดนเท้านั้นมันเชื่อแน่ ว, ว่าพวกมันต้องผิดเพียงแต่ยังไม่รู้ว่าผิดเรื่องอะไรเท่านั้นมันจึงไม่เถียงชาติครับ พาสองตัวนี้ไปดูรอยรองเท้ามาันตรงที่แก้วมันเห็นหน่อยสิวะแล้วดูรอยกิ่งไม้หักนั้นด้วยบอกมันหน่อยสิว่าคนอื่นทั้งสิบกว่าคนเขาไม่เห็นมีรอยรองเท้าเลยแม่งเป็นช้างหรือไงวะรอยเท้ามันถึงได้หนักนักไปพามันไปดูซิแล้วกบรอยนั้นด้วยครับไอชาติขวาขอเสืยออมงสองคนนั้นแล้วออกแรงลากแต่ทั้งคนที่ถูกลากต้องก้าวเท้าให้เร็วตามคนที่ลากมันไปถึงที่ไอชาติชี้ให้ดูดูซินี่รอยรองเท้าพวกมึงหรือเปล่า มงสองคนก้มลงดูอย่างใกล้ชิดไม่ใช่ครับยี่ฟูปฏิเสธแล้วมึงไลรเซงกอไม่ใช่ครับเซงกอปฏิเสธอีกคนคราวนี้ไอชาติเลือดขึ้นหน้าบางโอ้ยโอ้ยพี่ไยโอ้ยเสียงเท้าแล้วตามด้วยเสียงคนร้องพวกนักล่ารับจ้างที่เสร็จงานแล้วขณะพากันนั่งพักมองดูแล้วหัวเราะทั้งๆที่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่ก็พอจะเดาได้ว่าไอชาติคงพบกับเรื่องราวที่แปลกประหลาดเข้านั่นเอง ไอ้สัตว์ดูพื้นรองเท้ามึงเพี้ยวมันเหมือนกันไหมมงสองคนที่นั่งกล่นจำเบาต่างพากันก้มลงมองดูพื้นรองเท้าตัวเองทันทีไอ้ชาต์พยายามสังเกตอีกว่าในจํานวนสองคนนี้ใครที่เป็นเจ้าของอรอยนั้นแต่ก็ดูไม่ออกเพราะรองเท้าของมันทั้งคู่เบอร์เดียวกันดอกพื้นหนาเท่ากันทําอะไรไม่ได้ก็เลยได้แต่หัวเราะหึๆในลําคอของใครบะฮูครับมงสองคนตอบพร้อมกันในท่าที่ยังนั่งอยู่อย่างเดิมนั้น โดนอีกจนได้แต่คราวนี้มันไม่ร้องเพราะรู้แล้วว่าอะไรคือความผิดไปไปหาหัวหน้าใหญ่ไปไอ้มองสองคนออกวิ่งทันทีที่ไอชาติไล่ให้กลับไปนั่นหมายความว่ามันรอดจากฝีมือฝีเท้าไอชาติไปได้แล้วแต่ยังเหลืออีกเท้าที่ออกจะหนักกว่าซึ่งก็ยังดีที่รอดไปได้หนึ่งถึงจะเหลืออีกหนึ่งไอชาตจัด ก, การกบเกลื่อนร่องรอยนั้นจนเป็นที่เรียบร้อยแม้แต่รอยกิ่งไม้หักาาก็จัดการซ่อนปลายน้ำเสียว่าไองมึง จ่าดาวเหนือถามเมื่อไอ้สองคนนั้นมาถึงแล้วนั่งพับเพียบต่อหน้าหัวหน้าใหญ่ที่นั่งพิงก้อนหินรออยู่ใช่ครับหัวหน้าใหญ่แต่ข้าน้อยไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็เพราะมึงเป็นคนทําหรือไงเล่าไอ้มงสองคนไม่ตอบเอาตะกุมหน้านิ่งเงียบจ่าดาวเหนือนั้นขี้เกียจที่จ่อกแรงกับมันอีกก็เลยนั่งเฉยเปียกต่อไปนี้มึงจะปล่อยไม่ได้แล้วนะแม้แต่ไปขี่ขี่แล้วกบก็ต้องสอนมันพ่อไอ้พวกนี้มันโง่เกินกว่าที่เราจะคิดว่ะครับพี่ไอ้สองคนนี้มึงจําไวนะ้น่ะ ต่อไปนี้ถ้ามึงทําเรื่องโง่ๆขึ้นมาอีกครั้งกูจะฆ่ามึงทิ้งถ้าขืนปล่อยมึงไว้มีหวังบอกสัตว์มาฆ่าพวกกูหมดแน่มึงรู้ไหมพวกนี้มันตามรอยมึงมาตลอดก้นบุหรี่มึงอีกอย่างกูจะบอกให้กูเห็นมึงสูบเสร็จก็ดีดทิ้งกันไปทั่วเวลานั่งเหมือนกันชอบเคลียหินเคลียดินมึงจะเคลียทําเยี่ยท์อะไรนักหนาฮะไปไปผลหน้ากูเดี๋ยวเจ็บตัวอีกมึงจ่าดาเหนือตัดสินใจไล่มันกลับไปทันทีชาติครับพี่จ่ายุทธพงษ์เรียกไอาชาติเข้าไปหาเพราะมีอะไรจะสั่ง ต่อไปมึงก็งไปช่วยไอเปียกมันอีกคนแล้ววะ่ะไอ้เปียกคนเดียวมันดูไม่ทั่วหรอกเพราะมันก็ต้องระวังไอ้แก้วเหมือนกันไอ้โมงสองตัวนี่มันโง่ตามสัญชาตญาณของมันน่ะทำให้ฉลาดขึ้นคงยากวะ่ะครับพี่ไอ้ชาติรับคำทันทีจ่ายยุทธพงศ์โดยหันมาสนใจกับการร้อยใบหูคนใสไซเอ็นต่อไปตอนที่สิบเจ็ดนอสตาผมว่าแถวแถวเนี้ยนะ่าจะมีบอกอของมันอยู่บ้างนะ พันตรีคอรลินพูดขึ้นมาลอยๆแต่สายตาและมือยังง้วนอยู่กับของที่ระลึกครับผมก็คิดอย่งมเมเยอร์ว่าเหมือนกันแล้วเราจะไม่ลองค้นหาดูเหรอคงไม่ต้องหรอกมั้งครับเราก็ไปของเราเรื่อยๆดีกว่ายัางไงก็พยายามหลบมันหน่อยก็แล้วกันถึงงั้นก็เถอะน่ะอีกไม่กี่วันมันก็ต้องมาพบร่องรอยของพวกมันที่นี่แล้วมันก็ต้องออกติดตามอีกแล้วมาพบอีกก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีก คราวนี้ดูสิว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบคนของมันเป็นระยะระยะแบบเนี้ยมันก็ต้องสงสัยเป็นธรรมดานะว่าศัตรูของมันจะไปไหนนั่นคือจุดประทัดที่มีเป็นระยะระยะแบบนี้ก็จะเป็นเครื่องชี้เตือนให้พวกมันได้รู้ยิ่งถ้าเกิดใกล้กับค่ายเฉลยของมันแล้วก็มันต้องเตรียมรับมือเราแน่นะเหตุผลของพันตรีคอรินก็คือฝ่ายเราจะต้องหลีกเลี่ยงการประทัดทุกชนิดแต่เมื่อมีการประทัดแล้วก็ต้องหาทางเบนความสนใจของศัตรูอย่าให้จับเส้นทางเคลื่อนที่ของฝ่ายเราได้ โดยทําให้การมาของฝ่ายเราในครั้งนี้จบสิ้นภารกิจเสียครับเมเจอร์งั้นมีทางเดียวที่เราจะทําได้ในตอนเนี้คือหาภารกิจแฝงมาซักภารกิจหนึ่งแล้วจัดการให้มันเห็นให้ได้ให้มันคิดให้ได้ว่าเรามาเพื่อภารกิจนั้นแล้วเราจะหาภารกิจอะไรละนอสตา์อันนี้ผมก็ยังมองไม่เห็นเหมือนกันครับทั้งสามคนที่คุยกันตอนนั้นพลันเงียบลงลูกน้องอีกสองสาคนอยู่ใกลในลักษณะของการระวังป้องกันตัวเองต่อที่ตั้งก็ไม่มีความเห็นอะไรที่แปลกออกไปอีก ก็เลยต้องนั่งฟังอยู่นิ่งๆเท่านั้นเองแล้วคืนนี้เราจะพักที่นี่เหรอพี่จายุทธพงศ์เป็นคนถามทําลายความเงียบขึ้นมาอย่าดีกว่าวะเดี๋ยวผีเข้าไอ้มองสองตัวนั่นอีกเวลาตอนนั้นเพิ่งจะเลยสี่มงเย็นไปได้เล็กน้อยพวกนัการับจ้างสามารถออกเดินทางต่อไปได้อีกจ่าดาวเหนือจึงสั่งการให้ออกเดินทางต่อทันทีจากคําตอบที่เคยตอบคําถามพันตรีคอรินที่ว่าแถวๆนี้ต้องมีที่ตั้งบ ก, กของไอเวทโกงอยู่บ้างแน่ ซึ่งเรื่องนี้ต้องรอการพิสูจน์ทราบกันต่อไปแต่ความคิดของเจ้าดาวเหนือนั้นถูกต้องแล้วที่น้ำตกขนาดค่อนข้างใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือจากยอดเหนินสาราภูคูณออกไปประมาณ15้ากิโลเมตรน้ำตกที่เป็นต้นน้ำที่ไหลลงสู่เมืองเชียงขวางนั้นมีน้ำที่ไหลค่อนข้างแรงตลอดปีแม้แต่ในฤดูแรงทั้งนี้เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มชื้นของป่าดงดิบนั่นเองไม่มีใครค า, าดคิดเลยว่า ภายใต้ท้องน้ําที่ไหลาจากผาสูงลงสู่โขกหินเบื้องล่างนั้นภายในจะเป็นถ้าขนาดใหญ่กว้างลึกและสูงจนคนเป็นร้อยเป็นพันสามารถเข้าไปอาศัยเป็นที่อยู่ได้ที่อยู่นั้นไม่ใช่เป็นเพียงที่ซุกหัวนอนแต่สามารถกั้นเป็นห้องเป็นหับเป็นสัสดส่วนเป็นบริเวณได้ทางเข้าออกที่มีเพียงทางเดียวคือที่ปากทําช่วยในการรักษาความปลอดภัยในอันที่คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องจะเข้าไปได้และที่นั่นก็คือ บกเขตงาน338้ที่รับผิดชอบ พ, พื้นที่ปฏิบัติงานของฝ่ายคอมมินิสต์เวียดนามเหนือทั่วทั้งเมืองเชียงขวางบกแห่งนี้เป็นบกใหญ่ที่มีบกย่อยที่แยกออกไปเป็นสาขาหรือหน่วยขึ้นตรงอีกสี่แห่ง ฝ่ายคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือเข้ามายึดครองถ้ำน้ำตกแห่งนี้แล้วจัดตั้งเป็นบอกอใหญ่ควบคุมพื้นที่เป็นเวลานานานับ10ปีนับตั้งแต่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ประกาศแน่วแน่ในการประชุมใหญ่ของสมาชิกสมัชชากลุ่มประเทศสาพันอินโดจีนที่ฮาหน่อยอันประกอบไปด้วยเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ขเขมรลาวและ16จังหวัดภาคอีสานของไทยซึ่งถูกเรียกว่ากลุ่มประเทศสหพันอินโดจีน ความปลอดภัยภายในถ้ำนั้นเวียดนามเหนือหรือเวียดกงเสริมสร้างดัดแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจนกลายเป็นธรรมชาติไปอย่างเช่นบังเกอร์ที่ปากทางเขา้าหรือผินที่ช่วยให้การเดินเข้าออกสะดวกขึ้นหรือแม้แต่การนําน้ําจากน้ําตกแห่งนั้นเข้าไปใช้งานในถ้ำจนเหมือนกับระบบน้ําประปาและที่แน่นอนที่สุดก็เห็นจะเป็นดงกับระเบิดที่แม้แต่มดสักตัวก็ไม่มีทางรอดผ่านไปได้มันมีมากมายที่ยิบเต็มทั่วบริเวณไปหมด เป็นธรรมดาอยู่เองเมื่อที่นี่เป็นบ ก, กใหญ่มันก็เลยต้องมีการระวังป้องกันที่หนาแน่นวันนั้นตอนเช้าเห็นจะได้ภายในถ้ำในส่วนที่จัดเป็นห้องประชุมเหล่าผู้บังคับบัญชาท่านเวียดนามเหนือกำลังมีการประชุมกันอยู่พอดีที่ผนังห้องด้านหนึ่งมีแผนที่ติดเต็มพื้นเหมือนกับของฝ่ายสหรัฐอเมริกาหรือลาวหรือแม้แต่ไทยแผนที่นั้นมาตราส่วนหนึ่งต่อห้า 0,000 ื่น เม็ดอินยูเที่ใช้ในกองทัพสหรัฐอเมริกานั่นเองใครไม่รู้คงนึกว่าสาหรัฐนั้นสนับสนุนกองทัพเวียดนามเหนือด้วยเป็นแน่เพราะแม้แต่เครื่องมืออย่างอื่นที่จําเป็นก็ล้วนแต่เป็นของที่ใช้อยู่ในกองทัพสหรัฐทั้งสิน้นไม่ยากเลยที่เวียดนามเหนือหรือเวียดโกงจะหามาจากตลาดมืดหรือคนของมันที่แทรกตัวยุกภัยศัตรูจะทําการจารกรรมนํามาให้เรื่องของเรื่องก็เลยกลายเป็นว่ากองทัพอันเกรียงไกลของเวียดโกงนั้น ได้รับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงจากกองทัพสหรัฐอเมริกานั่นเองการประชุมกำลังจะเริ่มขึ้นเมื่อหลายต่อหลายคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงทยอยกันเข้าไปในห้องนั้นพันเอกวันเตริงมินผบอบบบกเขตงาน338จะเป็นประธานในที่ประชุมส่วนผู้ที่เข้าร่วมงานก็คือพันโทงเงียนตรีกวงรองผอบกเขตงาน338คนที่หนึ่งพันโทรตรีฮามิน รองผอบอเขตงาน338คนที่สองพันตรีเดืองกินรองผอบอฝ่ายทหารกำลังลบพันตรีอานตร์รองผอบอฝ่ายการเมืองและมวลชน 1, 3, are, พันตรีดองซาเร่ผอบอทหารเขตงาน314ทุ่งไหหิน 1, 3, ar, พันตรีตรันวันจาผอบอทหารเขตงาน315้าเมืองเชียงขวาง 1, 3, ai, พันตรีดิกบายผอบอทหารเขตงาน316รภูเขาควายพันตรีเหงียนวันไทย ผอบอทหารเขตงาน317เมืองไงรวมทั้งสิ้น9คนการประชุมเริ่มขึ้นเมื่อประธานมาถึงที่ประชุมเข้าที่นั่งที่หัวโตแต่ก่อนจะนั่งนั้นก็ไม่ลืมที่จะยืนโค้งทำความเคารพเป็นการทำคาระวะแก่ประธานโฮจิมินที่เป็นรูปครึ่งตัวที่มีขนาดสูงใหญ่กว่า2เมตรที่ด้านหลังก่อนสวัสดีสหายที่รักทุกท่านพันเอกเตืองวันมินที่อยู่ในเครื่องแบบเต็มยศก้าวนขึ้นก่อน น้ำเสียงที่คนอายุ55ปียังคงหนักแน่นและนิ่มนวลอยู่ในทีก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาของการประชุมประธานมองหน้าคนที่เข้าร่วมจนทั่วเป็นการทักทายไปในตัวแล้วจึงเริ่มเรื่องการประชุมประจํางวด4เดือนของภาคแรกประจําปีนี้เรามีเรื่องที่ต้องแจ้งให้บรรดาสหายเพื่อร่วมรบทั้งหลายได้รับทราบกันดังนี้การปฏิบัติการฝ่ายเราในเวียดนามตายเพื่อปลดแอกพี่น้องชาวเวียดนามของเราให้พ้นจากการกดขี่ของระบอบนายทุนศักดีนา เงียนเกากลีและอเมริกาในระยะนี้นั้นงานทุกอย่างทุกชนิดทุกเขตงานทุกหน่วยสามารถคืบหน้าอย่างเป็นที่น่าพอใจยิ่งรอบสี่เดือนที่ผ่านมาเราสามารถสังหารศัตรูได้มากกว่าที่เราสูญเสียไปเราได้รับการสนับสนุนจากประชาชนพี่น้องชาวเวียดนามมากขึ้นการขยายพื้นที่อิทธิพลก็ทำได้มากขึ้นจนปัจจุบันยังเหลือพื้นที่อีกไม่ถึงสเปอร์เซน์ที่เรายังขยายออกไปไม่ได้ เนื่องจากพื้นที่ตอนนั้นเป็นเขตเศรษฐีเป็นที่ของคนรวยซักดีนานายทุนทั้งสิน้นการปฏิบัติการในขเขมรและในลาวส่วนใหญ่จะเหมือนเหมือนกันก็นกคือยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรฝ่ายเรามีการสูญเสียมากกว่าฝ่ายศัตรูการขยายพื้นที่อิทธิพลการขยายมวลชนและการจัดตั้งการแทรกซึมในหมู่กรรมกรผู้ใช้แรงงานหลายหน่วยยังทําได้ไม่ถูกจุดนักโดยเฉพาะการจัดตั้งแกนนําที่จะออกไปปฏิบัติงานนั้นคนที่จัดตั้งไปยังไม่มีคุณสมบัติที่ดีพอ การทำงานป่าประสานบ้านบ้านประสานเมืองยังไม่สอดคล้องกันการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างยังจับจุดไม่ถูกทั้งทังที่คนลาวและคนเขมรต่างก็ได้รับความทุกข์ยากจากการบริหารงานของรัฐบาลอยู่แล้วแต่แกนนําของเรายังแสวงประโยชน์จากเงื่อนไขเหล่านี้ไม่เป็นบางครั้งก็มีการกระทําที่ผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยสําหรับในประเทศไทยทางมติที่ประชุมพักให้ใช้กองกําลังทาาหารศาสตรรัฐเป็นเงื่อนไขหลักแกนนําก็ยังทํางานไม่ได้ผล จากที่มติให้ใช้แนวทางการเมืองทำการต่อต้านสหรัฐแต่กลับไปใช้อาวุธทำการต่อต้านแทนซึ่งมันผิดหลักการตามมติที่ออกมาการใช้กรรมกรชาวนานักศึกษานักเรียนยังไม่ต่อเนื่องแก่นามักให้แนวทางที่ผิดแก่คนที่จะรับงานไปทำและที่ร้ายที่สุดสำหรับคนของเราที่ทำงานในประเทศไทยก็คือการลุ่มหลงกับความสุขส่วนตัวแกนนําเหล่านั้นยังกลัวต่อความยากลาบากยังเห็นแก่อามิตสินจ้างรางวัล จนบางครั้งนําอิทธิพลที่มีอยู่ไปสร้างความร่ารวยให้กับตนเองและหมู่คณะเช่นการเรียกค่าคุ้มครองต่างๆเป็นตน้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแนวทางที่ขัดต่อมติพรรคทางสิน้นขัดต่อแนวทางที่เหมาเจอตงหรือมาร์กเลนินกําหนดไว้การปฏิบัติการใดที่ขัดต่อแนวทางของสังคมนิยมนั้นจะเป็นหนทางที่นําพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนของเราไปสู่ความพ่ายแพ้ ตอนที่18สวัสดีสหายทั้งหลายในรอบสเดือนที่ผ่านมานี้เรื่องเกี่ยวกับการทหารกำลังรบนั้นมีเรื่องที่ต้องแจ้งให้สมาชิกจากเขตต่างๆทราบดังนี้เนื่องจากตอนนี้เป็นฤดูแล้งฝ่ายเรามักเล่งในเรื่องของการปฏิบัติการทางทหารกันแทบทุกเขตทุกพื้นที่เนื่องจากการเคลื่อนย้ายต่างๆกละทาได้ง่าย ความจริงแล้วก็ถือเป็นเรื่องดีที่ทุกเขตงานพยายามที่จะตั้งใจปฏิบัติงานแต่การเร่งทํางานที่ขาดการระมัดระวังนั้นมักจะมีผลเสียหลายหน่วยงานอาจลืมไปว่าระยะนี้ฝ่ายศัตรูก็เพิ่มความระมัดระวังในการต่อต้านฝ่ายเราเหมือนกันจนบางครั้งมีการโหมกระหน่ำโจมตีฝ่ายเราจนได้รับความเสียหายขนาดหนักด้วยจากการที่เรามักเคลื่อนไหวปฏิบัติงานมากในฤดูแหรงเป็นเวลานานบัดนี้ฝ่ายรัฐบาลได้มีการวางกําลังตามจุดต่างๆ ที่จะขัดขวางการปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายเราหลายจุดดังนั้นจึงขอให้ทุกเขตงานได้กลับไปทบทวนการใช้กำลังรบเข้าปฏิบัติการให้ละเอียดกว่านี้ชุดจราญุ์นั้นไม่ควรจะต้องใช้กำลังที่มากเกินความจำเป็นทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียขนาดใหญ่นอกจากนี้หลักการเกาะฐานที่มั่นศัตรูนับว่าได้ผลเป็นอย่างมากในการที่จะสังหารศัตรูในยามเผลอการเฝ้ารอการมาของศัตรูที่ใช้พื้นที่ประจำก็ได้ผลเช่นกันในรอบสี่เดือนที่ผ่านมานี้ ฝ่ายเราสามารถดับศูนย์ศัตรูได้36คนในจำนวนนี้เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของเราเสียสสองคนจับเป็นเฉลยสามคนซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์ถังรถยนต์และรถถัง4ี่ครั้งสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูเป็นอันมากสามารถยึดสิ่งของที่มากับขบวนรถนั้นได้ทั้งหมดจากการประชุมกรรมการพักฝ่ายทหารที่ศูนย์กลางเมื่อครั้งที่แล้วมีเรื่องที่จะแจ้งให้บรรดาสหายทราบคือ 1. เพื่อเป็นการบำรุงขวัญจะฝ่ายเราและทำลายขวัญฝ่ายศัตรูในการต่อสู้ด้วยอาวุธให้ทุกหน่วยงานในทุกพื้นที่ทำการเกาะติดฐานที่มั่นศัตรูให้แน่นยิ่งขึ้นแล้วให้เตรียมแผนการที่จะใช้กำลังหน่วยขนาดใหญ่เข้ายึดฐานที่มั่นแห่งนั้นก่อนถึงฤ ด, ดูฝนนี้ควรจะทำสําเร็จอย่างน้อยสองฐานที่มั่นสองให้เร่งการต่อต้านอเมริกันทั้งการดับสูดและการจับเป็นฉเฉลยนอกจากนี้ให้เพิ่มความถี่ในการก่อวินาศกรรมต่อที่ตั้งของฐานต่างชาติทุกฐานสามปลายเดือนนี้ หน่วยเหนือจะจัดส่งหน่วยจราญุต ด, ดักงงที่จบการฝึกออกมาใหม่รุ่นที่แล้วจำนวน60คนเข้ามาปฏิบัติการในลาวทั้งหมดทั้งนี้เพื่อเป็นการทดสอบการปฏิบัติการด้วยของจริงก่อนจบหลักสูตรอย่างสมบูรณ์นักจรุทธ์ดักงงจำนวน60คนนี้จะจัดแบ่งให้ไปอยู่ประจำเขตงานทั้ง4ี่เขตเขตละ12คนส่วนที่เหลืออีกสิคนนั้นจะประจำอยู่บกกแห่งนี้ดังนั้นจึงขอให้ทุกเขตงานเตรียมเป้าหมายที่จะให้นักจยุทธ์ดักงงรุ่นใหม่ได้เข้าปฏิบัติการด้วย นอกจากนี้จะต้องรับผิดชอบในด้านการข่าวก่อนออกปฏิบัติการการสนับสนุนเครื่องมืออาวุธและสิ่งอื่นๆที่จําเป็นให้ทําการบังคับบัญชาสั่งการแล้วรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบทุกๆหนึ่งเดือนซึ่งนักจดยุทธ์ดักกงพวกนี้จะทดสอบการปฏิบัติการจริงเป็นเวลา6เดือนส่วนที่ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่นั้นทางบกกรณี้จะแจ้งไปให้ทราบอีกครั้ง ปีนี้ฝ่ายศัตรูมีการเพิ่มจํานวนกําลังลบอีกประมาณ30เปอร์เซ็นเนื่องจากได้รับงบประมาณจากอเมริกาเพิ่มขึ้นดังนั้นเชื่อว่าการปฏิบัติการต่างๆของฝ่ายศัตรูคงจะรุนแรงยิ่งขึ้นจึงขอให้ทุกเขตงานเตรียมแผนการรับมือไว้ให้ดีจากการสูญเสียของฝ่ายเราที่เพิ่มขึ้นเรื่อยมาในระยะหนึ่งถปีนี้เบื้องบนได้ทําการวิเคราะห์แล้วว่าเกิดจากการใช้กําลังนักรบที่ใหม่เกินไปพวกนี้ประสบการณ์ยังน้อยความสามารถค่อนข้างต่ํา ความเข้าใจในหลักการลบยังไม่ทราบซึง้งไม่เข้าใจในหลักการดัดแปลงยุทธวิ ธ, ธีดังนั้นจึงจะขอให้ทุกท่านทุกเขตงานไปทําการฝึกนักลบให้เก่งให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกเรื่องสุดท้ายที่ฝ่ายทหารกําลังลบจะชี้แจงสั่งการก็คือจากการที่เขตงานเชียงขวางมีการสูญเสียคนในแบบสาบสูญถึง12คนในระยะเวลาใกล้เคียงกันนั้นเราเชื่อว่าฝ่ายศัตรูได้ส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่มีขีดความสามารถสูง ออกมาปฏิบัติการบางอย่างในครั้งนี้และเชื่อว่าคงจะส่งออกมาทั่วพื้นที่ที่สำคัญสำคัญดังนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกเขตงานจะส่งชุดและตัวเว้นจรรยุทธ์ออกปฏิบัติการเขตงานและอย่างน้อยสี่ชุดให้จัดวางตามจุดต่างๆที่คาดว่าสามารถจับความเคลื่อนไหวของชุดปฏิบัติการพิเศษของฝ่ายศัตรูที่คาดว่าออกมาเคลื่อนไหวในพื้นที่ในระยะนี้ให้ได้หากเขตงานใดสามารถตวรวจทราบรายละเอียดได้ขอให้รายงานมายัางบอกเป็นการด่วน เพื่อที่จะดําเนินการวางแผนหรือหาหนทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไปฝ่ายทหารกําลังรบมีเรื่องที่จะชี้แจงและแจ้งให้สมาชิกเขตงานทราบเพียงเท่านี้ใครมีปัญหาที่จะสอบถามขอเชิญถามได้เลยเมื่อไม่มีใครสงสัยที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมต่อไปขอให้ฝ่ายการเมืองชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้องประธานในที่ประชุมกล่าวต่อหลังจากที่รอให้ใครคนใดคนหนึ่งถามจึงเป็นหน้าที่ของพันตรีอานตรอนรองที่จะพูดเป็นคนต่อไป สวัสดีสหายร่วมรบทุกคนสําหรับงานด้านการเมืองและมวลชนนั้นรอบสี่เดือนที่ผ่านมานี้พอสรุปผลงานได้ดังนี้สามารถนํามวลชนทําการเดินขบวนขับไระอเมริกาหนึ่งครั้งอยุโยงให้คนงานโรงงานสไตร์หยุดงานสองครั้งมวลชนนักศึกษาในวิทยาลัยครูเวียงจันท์เปิดการอภิปรายโจมตีรัฐบาลสุวนภูมาและการปลดแอกอเมริกาจํานวนหนึ่งครั้งมีคนเข้าร่วมฝังประมาณหนึ่งพคนการขยายมวลชนเขตเวียงจันท สามารถพัฒนาแนวร่วมและมวลชนมาเป็นสมาชิกที่สามารถรับคำสั่งปฏิบัติงานได้เพิ่มอีกกว่า20คนมีการจัดส่งสมาชิกไปรับการอบรมแนวทางการเมืองที่โรงเรียนการเมืองฮหาหนอยจำนวน25คนที่เมืองคุนหมิงประเทศจีนจำนวน10คนนักเรียนเหล่านี้ล้นมีการศึกษาพื้นฐานระดับนักเรียนฝึกหัดครูทั้งสิน้นจะใช้เวลาในการรับการอบรมเป็นเวลา2ปีคาดวามมาสมเร็จกลับมาแล้วสมาชิก ค, คนหนุ่มสาวเหล่านี้จะเป็นกําลังที่สําคัญในการขยายข่ายงานของเรา จากการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของเขตต่างๆเกี่ยวกับการขยายงานด้านมวลชนนั้นทางส่วนกลางพรรคได้เน้นให้ทุกคนทำความเข้าใจในหลักการทฤษฎีของมาร์กซิสเลนินนิสให้ถ่องแท้ ก, กว่านี้การรบแบบกองโจรด้วยการใช้กำลังมวลชนในพื้นที่เป็นปลายห อ, อกนั้นต้องปลูกเร้าให้มากกว่านี้และต้องถูกวิธีด้วยจึงจะได้ผลการบุกรุกทางการเมืองที่จะสร้างมวลชนหรือสมาชิกใหม่นั้นต้องไม่ทิ้งหลักการปรับทุกผูกมิตรปักหลัก จัดตั้งชี้นำปฏิวัติเป็นอันขาดขอให้ทุกเขตงานได้เน้นถึงความสำคัญในหลักการอันนี้ให้มากสำหรับเรื่องของฝ่ายการเมืองมวลชนมีเพียงเท่านี้ผู้ที่สงสัยหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องอะไรขอเชิญได้ความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งเมื่อแต่ละคนต่างเปิดโอกาสให้คนที่จะถามเป็นคนพูดกระทั่งแน่ใจว่าไม่มีใครจะสอบถามอะไรพันเอกวันเพลิงมินจึงเป็นฝ่ายผู้เสียเองเอาละในเมื่อไม่มีใครถามอะไรใคร ก็เป็นอันว่าเรื่องที่เป็นเรื่องหลักก็หมดไปต่อไปนี้ถือเป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาที่เรากําลังเผชิญอยู่ตอนนี้ดีกว่าหรือใครว่ายังไงพอบอเขตงาน338ยิ้มย้ำแจ่มใสดีในตอนนี้มองหน้าบรรดาสหายผู้ร่วมรบเลี่ยงทีละคนเราจึงเริ่มเรื่องโดยที่รองผบอบฝ่ายการเมืองมูลชนก่อนสหายอา่านที่ว่าจะส่งนักศึกษาวิทยายลัยครูเวียงจันไปรับการอบรมที่โรงเรียนการเมืองของเรานะ่เขาเริ่มเดินทางกันหรือยังจะเริ่มออกเดินทางในปลายเดือนนี้ครับ ตอนนี้เรา ย, ยังมีปัญหาเรื่องด่านตรวจของฝ่ายรัฐบาลที่วังเวียงกับด่านตรวจของนายพลวังเปาที่ล่องแจ้งเพราะสองด่านนี้เข้มงวดในการเดินทางของประชาชนมากเราเกรงว่าจะไม่ผ่านนาสหายทําไมไม่เห็นหน่าจะมีปัญหาอะไรเลยเราให้นักศึกษาเหล่านี้ปลอมเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ได้นี่นาสหายที่สหายพูดมานั้นมันก็ถูกแต่นักศึกษาเหล่านี้ล้นเป็นระดับผู้นําในการเดินขบวนหรือการยุโยงต่างๆมาแล้วทั้งสิ้นพวกนี้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลต่างรู้จักหน้าค่าตาดี เกรงว่าจะถูกจับเสียก่อนหรือไม่อาจ่จะถูกเก็บเงียบในป่ากก็ได้อืมอันนี้เข้าใจสหายถ้าใช้การเดินทางเท้าล่ะพงศ์นี้เดินไม่ไหวแล้วครับเพราะทุกคนต่างเป็นลูกผู้ดีมีเงินเรายังไม่ต้องการให้พวกเขาลำบากในตอนต้นแต่เมื่อเข้าถึงพื้นที่แล้วถึงลำบากพวกเขาก็คงถอนตัวไม่ได้เอาละสหายเป็นอันว่าสหายจะต้องแก้ไขเรื่องนี้ต่อไปแล้วรายงานผลให้รู้ด้วยก็แล้วกันแล้วสายลับของเราในกระทรวงป้องกันประเทศที่แต่งตั้งใหม่ล่ะตอนนี้ทดลองงานไปถึงไหนแล้วครับสหาย สารับคนใหม่นี้เป็นทหารในกระทรวงยศพันโทฝ่ายเสนาธิการคนคนนี้มีอิทธิพลสําหรับในทหารชั้นผู้น้อยมากการที่เราได้คนคนนี้มาเพียงคนเดียวเราจึงสามารถเหมือนได้คนมาอีกหลายคนเลยแต่เรื่องเงินที่จะต้องสนับสนุนเขานั้นค่อนข้างจะสูงกว่าสายรับคนอื่นๆนะสหายไม่เป็นไรเรื่องเงินเรายิ่งให้เขามากก็ยิ่งเป็นการผูกมัดเขามากขึ้นนั่นเองสั่งไปเลยว่าเราพร้อมที่จะให้มากกว่านี้อีกถ้าผลงานเป็นที่พอใจ อย่างไรก็ตามอย่าลืมเอาเรื่องตำแหน่งหน้าที่ในคณะปกครองประเทศเป็นเครื่องรอใจไว้ก่อนก็แล้วกันครับสหายในเรื่องของหลักการสายลับนั้นสิ่งหนึ่งที่สามารถใช้เป็นเครื่องรอใจให้คนยอมทํางานให้ก็คือมูลเหตุจูงใจปกติคนเหล่านั้นมักมีจุดอ่อนหรือปมด้อยอยู่ในตัวเสมอเช่นต้องการเงินต้องการทองต้องการเป็นใหญ่เป็นโตต้องการชื่อเสียงหรือแม้แต่ต้องการแก้แค้นล้างแค้นเป็นต้น รวมแล้วสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องล่อใจนั้นใช้ความชอบหรือความเกลียดเป็นหลักการเข้าทาบถามให้คนยอมทำงานเป็นสายลับให้นั้นต้องศึกษามูลเหตุจูงใจของคนคนนั้นให้ละเอียดทีท่วนเสียก่อนหากคนคนนั้นปฏิเสธคนที่จะเข้าทำการทาบถามก็จะเสียรับทันทีจากการเข้าทา้บถามในทหารที่มียศถึงพันโทในกระทรวงที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสูงแบบนี้ฝ่ายเวทกงศึกษารายละเอียดในตัวบุคคล น, นี้มาแล้ว ทราบว่าคนคนนี้มีจุดอ่อนที่ความต้องการเงินและความมักใหญ่ไ่สูงดังนั้นเรื่องราวที่เป็นความลับต่างๆในกองทัพจึงสามารถรู้มาถึงฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้ทั้งหมดจากกรณีที่มีเกลือเป็นหนอนนี่เองในตอนนั้นค่ายคอมมิวนิสต์สามารถจัดหาคนของฝ่ายรัฐบาลให้ทํางานสายลับได้มากมายโดยใช้เงินและตําแหน่งหน้าที่ที่ใหญ่โตในคณะรัฐบาลเมื่อฝ่ายคอมมิวนิสต์ประสบผลสําเร็จมาเป็นเครื่องรอใจผลสุดท้าย คนเหล่านี้ต้องถูกฝ่ายคอมมิวนิสต์กำจัดจนหมดสิน้นส่วนใหญ่ถูกฆ่าทิ้งมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่หลบหนีไปต่างประเทศได้เช่นผู้นำนักศึกษาผู้นำขบวนการต่างๆในสมัยนั้นปัจจุบันไม่มีเหลืออยู่เลยแม้แต่คนเดียวแต่เท้ากายสอนพรมวิหารไม่เคยมีใครได้ยินชื่อเขามาก่อนแล้วเขาเป็นใครละ่ะทํำไมใช่ขอมดําดินมะโพวจนขึ้นมาเป็นชนชั้นปกครองสายเรื่องเกี่ยวกับการสูญเสียคนของเราถึง12คนในพื้นที่เชียงขวางคราวเนี้ เรามีรายละเอียดเพียงใดครับสหายเหตุการณ์ที่เพิ่งตรวจพบเมื่อสามวันมานี้เองว่ามีคนของเราหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุกระทั่งเลขได้ว่าเป็นการหายสาบสูตรนั้นเราจึงอยากแจ้สหายตรันเป็นคนชี้แจงแทนครับตกลงสหายเอาสายตรันว่ามาให้ฟังหน่อยซิเรื่องรามันเป็นยังไงพันเอกวันเติงหมิน่นจึงต้องหันมาฟังรายละเอียดที่ผอบอเขตงานเชียงขวางที่เป็นเจ้าของพื้นที่จะบอกเล่าแทนครับสหายคนทั้ง12คนที่สูญเสียคราวนี้ เป็นการดับศูนเสร็จสองครั้งครั้งแรกสี่คนซึ่งสี่คนนี้รับหน้าที่เกนาะแน่นสนามบินทุ่งไหอยหินต่อมามีการหายไปโดยที่ชุดเกาะสนามบินที่อยู่ด้วยกันนั้นก็หาสาเหตุไม่ได้ส่วนอีก8คนคือชุดที่จัดขึ้นมาใหม่ในภารกิจออกติดตามสี่คนแรก8ดคนนี้เป็นชุดลาตะเวนค้นหาพวกนี้ไปตามถนนสายหมาเลขเจ็ดขึ้นไปทางเหนือหลังจากที่จัดส่งกําลังออกไปก็หายเงียบไปอีกโดยไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันแล้วจนปตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวสาเหตุการหายไปอย่างนั้นหรอือสหายครับสหาย มีใครพบศพเขาไหมไม่มีครับสหายในระยะนี้มีรายงานว่าฝ่ายศัตรูเข้ามาเคลื่อนไหวบ้างหรือเปล่ามีครับสหายเมื่อสิบวันก่อนชุดกาะสนามบินทุ่งไหอหินพบว่ามีเครื่องบินซีนุกสองลำมาลงที่สนามบินทุ่งไหอยหินในนั้นมีคนมาด้วย16คนทุกคนล้วนแต่งกายด้วยชุดดํามุ่งหน้าขึ้นเหนือโดยตัดเข้าป่าทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือกระทั่งบัด น, นี้ยังไม่เห็นทั้ง16คนนั้นกลับมาเลยรู้ไหมว่าตอนนี้ทานพวกไหนที่ใช้เครื่องแบบสีดําไม่รู้เลยครับแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วย แล้วชุดเกาะสนามบินรายงานมาหรือเปล่าว่าเป็นทหารอเมริกันหรือทหารชาติไหนในรายงานบอกว่ายังไม่รู้ว่าชาติไหนแต่ที่แน่ๆคือมีทหารอเมริกันร่วมอยู่ด้วยสองคนนอกนั้นไม่ใช่ครับสหาหิ่งั้นการที่8คนที่ออกลาดตระเวนค้นหาไปตามถนนสายมาและ7คราวนี้ก็ต้องถือว่าไปถูกทางแล้วแล้วก็เชื่อได้ว่าคนของเราทั้งสองพวกนี้ทุกชุดปฏิบัติการชุดนี้สังหารนั่นเองเพราะฉะนั้นให้สหายจัดกําลังออกลาดตระเวนค้นหายีกครั้งให้เริ่มตั้งแต่ต้นทางสนามบินทุ่งไหหินไปเริ่มที่ตรงมันเริ่มนั่นแหล ยึดเส้นทางของเราเป็นหลักบางทีอาจจะพบหลักฐานร่องรอยบ้างก็ได้เรื่องนี้ต้องจัดการด่วนนะสะหายสําหรับการจัดกําลังลาตระเวนตามพื้นที่ที่สั่งให้จัดเขตละสี่ชุดเป็นอย่างน้อยนั่นนะ่ะขอให้ทุกเขตงานคัดเลือกคนที่มีฝีมือหน่อยเราย้ําเตือนเรื่องที่คนของเรามีการสาบสูญด้วยไม่ใช่ส่งออกไปอีกแล้วหายอีกละ่ะถ้าเป็นการหายที่รู้สาเหตุก็ยังไม่เท่าไหร่แต่การหายโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบนี้เราจะไม่มีทางแก้ไขได้เลยนะทุกเขตงานรับคำและรับที่จะไปดําเนินการ การประชุมจึงปิดลงเมื่อไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องพูดกันอีกตอนที่สิบเก้าที่ค่ายฝึกรบพิเศษน้ำผงจังหวัดสกลนครคอนลุงของคืนวันนั้นได้มีโอกาสต้อนรับนักรบรุ่นใหม่จำนวนสองอยห้าิบคนพอดีพอดีไม่ขาดไม่เกินรถบัสโดยสารขนาดหกสิบห้าที่นั่งไม่มีเครื่องปรับอากาศขบวนยาวเหยียด ที่บรรทุกเรานักบรบล่านั้นเข้าไปถนนลูกรังในหน้าแลงส่งฝุ่นสีแดงกระจายพวยพุ่งทั่วไปหมดไม่มีใครรู้ว่าบรรดานักรบทั้งหมดนี้เดินทางมาจากไหนมาทำไมแล้วจะไปที่ไหนอีกด้วยทั้งนี้เนื่องจากพวกมากันแบบปิดลับนั่นเองเป็นที่แน่นอนอันว่าภารกิจของทหารนั้นคือการลบต่การลบสําหรับนักรบนี้ถูกปิดเป็นความลับชั้นลับสุดยอดดังนั้นการเดินทางของพวกเขา จึงไม่สมควรที่จะเปิดเผยนักรบ250คนจากหน่วยสูตรสงครามพิเศษลบบุรีตามความต้องการของพันเอกนอร์แม่นนั่นเองที่นั่งโดยสารมากับรถเหล่านั้นนักรบหมวกแดงสำหรับภา ร, รกิจถล่มค่ายฟูหยางเพื่อการชิงตัวฉเฉลยศึกเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีในเรื่องของฝีไม้ลายมือทุกคนต่างเคยมีประวัติการลบมาอย่างโชคโชนทั้งในและนอกประเทศภา ร, รกิจการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทุกชนิดทุกจานวน ทัวทั้งสี่ภาคของประเทศไทยนั้นพวกเขาพบเจอกันมาแล้วทั้งสิน้นแม้แต่ในเวียดนามที่หลายคนเคยได้รับภารกิจราตระเว ร, ระยะไกล่ที่ต้องเข้าไปปฏิบัติการหลังแนวฝ่ายตรงข้ามซึ่งหมายถึงในดินแดนเวียดนามเหนือนั่นเองการแทรกซึมเบื้องสูงที่ต้องใช้การกระโดดร่มจากระยะสูงกว่า 20,000 ฟุตลงหลังแนวค่าศึกนั้นเป็นของธรรมดาธรรมดาสําหรับพวกเขาการไปปฏิบัติาภารกิจที่ห่างไกลาจากการควบคุมบังคับบัญชา ห่างไกลาจากการส่งกําลังบํารุงการสนับสนุนทุกชนิดไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเลยทุกคนสามารถปฏิบัติจนเป็นผลสําเร็จแล้วแทรกซึมออกจากพื้นที่กลับมายังจุดนัดพบได้อย่างปลอดภัยหรือหากไม่ปลอดภัยสิ่งที่พวกเขาจะกระทํามีเพียงอย่างเดียวก็คือตายและความตายนั้นก็จะเป็นการตายด้วยน้ํามือของตัวเองโดยไม่ยอมให้ฝ่ายตรงข้ามต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นอันขาด ทางนี้เพื่อศักดิ์ศรีของนักรบหมวกแดงที่สืบทอดกันต่อมานักรบพิเศษชุดนี้เดินทางจากที่ตั้งจังหวัดลบบุรีด้วยเครื่องบินซี130โดยการสนับสนุนจากกองกําลังสหรัฐอเมริกาตามสัญญาวา่าโดยการสนับสนุนและการส่งกําลังบํารุงมาลงที่สนาม บ, บินจังหวัดอุดรแล้วเดินทางโดยรถยนต์ถึงค่ายฝึกทั้งหมดนี้เดินทางกันในเวลากลางคืนทางสิน้นกระทั่งขบวนรถบัสจอดเข้าที่รอเดินทางกลับในตอนเช้าที่บริเวณปากทางเข้าค่าย ท้งนี้คนขับรถนั้นหลวนเป็นคนนอกที่ไม่สมควรจะไปรับรู้เรื่องต่างๆภายในค่ายเสียงนกหวีดดังสนัน่นจนแสบแก้วหูเป็นสัญญาณให้ทุกคนเมื่อลงจากรถต้องเตรียมเข้าแถวไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นคําสั่งของร้อยเอกสิงกองที่เป็นผอบอของหน่วยกําลังรบครั้งนี้แต่และกองร้อยจัดแถวตอนเรียงห้าเตรียมเดินทางเข้าค่ายปฏิบัติคําสั่งจากร้อยเอกสิงกองตามมาอีกคนที่เป็นผอบอร้อยจึงเริ่มเรียกแถว กองร้อยที่หนึ่งตอนเรียงห้ามาหาข้าพเจ้าเอียร้อยโทบวรรัดน์ผบ ร, ร้อยหนึ่งเรียกแถวทันทีที่ได้รับคําสั่งนักรบที่สังกัดกองร้อยที่หนึ่งลองเฮด้วยเสียงที่ดังที่สุดตามที่ได้รับการฝึกมาแต่แรกเราเริ่มจัดแถวตอนเรียงห้าทันทีกองร้อยที่สองตอนเรียงห้ามาหาข้าพเจ้าเอี้ยร้อยที่สมตอนเรียงห้ามาหาข้าพเจ้าเอียกระทั่งครบทั้งสามกองร้อย แถวถูกตรวจยอดจํานวนคนอีกครั้งด้วยการให้นับจนเป็นที่เรียบร้อยกองร้อยที่หนึ่งเริ่มสั่งออกเดินร้อยหนึ่งหน้าเดินกองร้อยแรกเดินนําออกไปก่อนเมื่อไปได้สักสิบก้าวผอร้อยจึงสั่งวิงว่งวิ่งหน้าวิง่งเป็นการสั่งขณะที่เท้ายัางเดินอยู่นั่นเองแถวจึงเปลี่ยนเป็นวิง่งทุกคนทําตามคําสั่งได้อย่างคล่องแคล่วถูกขั้นตอนและพร้อมเพรียงแสดงว่าทุกคนต้องได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดีในความมืดนั้น แม้ไม่เห็นเท้าคนที่อยู่ข้างหน้าแต่พวกเขาก็สามารถวิ่งให้เท้าพร้อมกันได้ตามจังหวะความเร็วที่สม่ำเสมอทั้งนี้มันเกิดจากความเคยชินมากกว่าที่จะมากระทำเอาที่นี่กองร้อยที่สองและสามตามมาติดๆในระยะห่างกันประมาณห้สิบก้าวแม้เป็นยามที่ทุกคนควรพักผ่อนหลับนอนแต่คนเหล่านั้นไม่ได้มีความรู้สึกเช่นนั้นเลยไม่มีใครง่วงไม่มีใครอ่อนเพลียทุกคนยังสดชื่นแจ่มใสพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้ในทันทีทันใด เสียงกองร้อยที่หนึ่งสั่งนับตามจังหวะเท้ า, ท, าที่วิง่งกองร้อยที่สองเริ่มร้องเพลงศึกบางระจันแต่กองร้อยสามราแปลกกว่ากองร้อยอื่นโดยที่ร้อยโทอเนกเป็นคนพูดนำแล้วในแถวจะว่าตามให้ลงตามจังหวะเท้ า, ท, าที่ลงพื้นท่านเป็นใครรบพิเศษมาจากไหนใต้บาดาลมาทำไม่ข้ามันข้ามันข้ามันเอีชีวิตแม่ยายชีวิตแม่ยาย ตายแล้วไม่เผาตายแล้วไม่เผาเพราะว่าเป็นคนแก่เพราะว่าเป็นคนแ ก, นนก่ไม่ใช่แม่ของเราไม่ใช่แม่ของเราหากใครเผาเขา้าหากใครเผาเขา้าถือว่าบอนทําลายถือว่าบอนทําลายไม่ใช่เพียงเท่านี้ในคําพูดนําและคําตอบที่ร้องออกมาล้วนเป็นคําพูดที่ประชดชีวิตเสียสีสังคม หรือแม้แต่คําสั ป, ปดีสั ป, ปดนสองแง่สองงามพวกเขากลับร้องเป็นเพลงยังสนุกสนานดังลั่นไปทั่วทั้งค่ายเล่นเอาคนที่อยู่มาก่อนตั้งพากันตื่นขึ้นมาไม่ใช่ตื่นมาต้อนรับหรอกแต่อยากจะลุกมาถีบไอ้พวกที่มาใหม่ที่มาส่งเสียงโหนขู่รบกวนเวลานอนต่างหากค่ายฝึกน้ําพุงแห่งนี้เป็นค่ายที่ใช้ทําการฝึกทหารที่จะจัดส่งไปรบนอกประเทศโดยเฉพาะการก่อตั้งและจัดสร้างทุกชนิดด้วยงบประมาณของกองทัพสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เป็นไปตามโครงการช่วยเหลือทางทหารระหว่างอภิมหามิตรประเทศการดาเนินการฝึกนั้นจะมีครูฝึกทั้งทหารสหรัฐและทหารไทยทั้งนี้จะมีการประสานกันเป็นอย่างดีในค่ายน้ำพุงตอนนั้นดูเหมือนจะมีทหารลาวกับทหารเขมรจานวนหนึ่งที่กำลังฝึกอยู่แต่การมาของนักรบหมวกแดงชุดนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับพวกที่ฝึกอยู่ก่อนแล้วยางเด็ดขาด ความกว้างขวางใหญ่โตของบริเวณค่ายสามารถทำให้นักรบทั้งสามพวกที่อยู่ภายในลั้วเดียวกันไม่สามารถพบเจอกันได้ทั้งนี้เพื่อเป็นการปิดลับซึ่งกันและกันอีกทั้งแต่ละพวกต่างก็ถูกจำกัดเขตให้อยู่อีกด้วยคนที่ฝ่าฝืนนั้นจะต้องได้รับโทษอย่างรุนแรงถึงขั้นส่งตัวคืนต้นสังกัดในฐานะเป็นผู้ที่ไม่มีสมรรถภาพหรือเป็นบุคคลประเภทไม่น่าไว้วางใจ และคนที่ถูกส่งตัวกลับโดยไม่สมเหตุสมผลนั้นมักจะมีโทษที่หน่วยต้นสังกัดอีกด้วยทั้งนี้เป็นข้อผูกพันที่เป็นคําสั่งของหน่วยเหนือเช้าวันลุ่งขึ้นนักรบหมวกแดงรุ่นพิเศษสําหรับภารกิจที่พิเศษสุดอีกเหมือนกันต่างได้มีโอกาสได้พบเห็นทัศนียภาพภายในบริเวณค่ายอันกว้างขวางแห่งนั้นอาหารเช้าที่เป็นแบบอเมริกันที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนเพราะเตรียมการเรื่องอาหารแบบไทยไม่ทันถูกยกมาวางโดยคนงานภายในค่ายนั้น กินขนมปังปิ้งเนยแยมแฮมไข่ลวกหรือแม้แต่กาแฟนมสดตามแบบฉบับของเศรษฐีอเมริกันส่งกลิ่นหอมฟุ้งชวนกินเป็นยิ่งหนักของทั้งหมดวางอยู่ที่หัวบันไดกองร้อยนั่นเองนักรบที่มาใหม่ได้แต่นั่งมองไม่มีแม้แต่คำถามว่านั่นคืออะไรทำราวกับว่าไม่สนใจหรือไม่หิวและไม่ชอบเสียยางนั้นแหละกระทั่งร้อยเอกสิงกองผู้เป็นหัวหน้าใหญ่สุดเสมือนกับผ อ, บอพันกับออกมาจากห้องบอกคอ่ายฝึก สบายดีเหรอสบายดีรู้สึกยังไงชักจะมันร้อยเอกสิงกองเป็นคนตะโกนถามขึ้นชนิดที่เรียกว่าทุกคนในที่นั้นได้ยินหมดนั่นแหละจึงมีคําตอบไปพร้อมๆกันความจริงแล้วมันไม่ค่อยจะสบายสักเท่าไหร่นักหรอกแล้วที่ว่าชักจะมันมันก็ไม่ได้มันอะไรเลยมันจะสบายมันจะมันได้ยังไงในเมื่อตลอดทั้งคืนที่ผ่านมายังไม่ได้นอนกันเลยแม้แต่ ง, งีบเดียวเฮ้ย hey! ใครเอาอาหารหมามาให้กินวะเอาไปเอาไปทิ้งพวกเราไม่กิน ไปออกวิ่งดีกว่าทั้ง3ากองร้อยแถวเอี e ๊ยแล้วคนทั้ง250คนนั้นก็ตั้งแถวแบบที่มาในตอนแรกอีกครั้งรู้อยู่เหมือนกันว่ากําลังจะต้องทําอะไรต่อไปทุกคนล้วนเคยผ่านการฝึกที่หนักแบบนี้หรือหนักกว่านี้มาแล้วทั้งสิน้นในการฝึกนั้นมันจะต้องมีการฝึกทั้งร่างกายและจิตใจความแข็งแรงทางร่างกายจะต้องสามารถทนต่อความเหนื่อยทนต่อความร้อนความหนาวความเย็นความเจ็บปวดความหิวความกระหายและในทางจิตใจนั้น จะต้องอดทนต่อการถูกดูถูกการดา่าการเจ็บใจทั้งนี้ในที่ตั้งปกติที่ทุกอย่างเป็นเพียงการฝึกที่สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ถ้าผู้รับการฝึกนั้นเกิดจะตายขึ้นมาจริงๆแต่ในสนามรบนั้นมันไม่มีคำว่าผ่อนผันคนที่ทนไม่ไหวมีความตายเท่านั้นที่เขาจะต้องได้รับเขาตายเพียงคนเดียวจะไม่มีใครว่าอะไรแต่ภารกิจนั้นอาจจะเสียกระทั่งคนอื่นต้องพลอยตายไปด้วยนอกจากความตายแล้วโอกาสที่จะพ่ายแพ้ก็จะตามมา ทางแก้ทางเดียวคือการฝึกในที่ตั้งปกติให้หนักกว่าเท่านั้นที่จะช่วยให้ทุกคนอยู่รอดเสียงร้องเพลงเสียงแหกปากตะโกนของคนทั้งสองหคนดังกระหึ่มไปทั่วค่ายยังไม่มีวี่แววว่าเขาเหล่านั้นจะหยุดวิ่งกลับมารับอาหารที่เตรียมไว้ให้นั้นสักทีดูเหมือนว่าถ้านับเวลาแล้วพวกเขาวิ่งกันมานานกว่าชั่วโมงไม่มีใครที่ทนไม่ไหวไม่มีใครเป็นลมหรือลมพับยังไม่มีใครออกนอกแถวเพราะวิ่งไม่ไหว เนื้อตัวที่เปียกโชกไปด้วยเหงื่อดูราวกับเอาน้ำสักถังไปลาดใส่พวกเขาเหล่านั้นไม่เพียงแต่การวิง่งที่รอยเอกสิงกองเป็นคนสั่งแม้แต่การกลิ้งเกลือกคลานตีลังกาหกขาเขมรกระโดดกระโจนมุดทอลุยขี้โคลนขี้เลนทุกอย่างเมื่อสั่งก็ต้องทำนี่เป็นการฝึกที่ต้องมีการทดสอบกำลังใจทดสอบการปฏิบัติตามคาสั่งดูสิว่าเรื่องเพียงเท่านี้เมื่อสั่งแล้วจะทาตามหรือไม่ หากมีปัญหาก็พอจะเชื่อได้ว่าคำสั่งที่สั่งให้ไปตายนั้นคงสั่งไม่ได้แน่เรื่องต่างๆผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนักลบเฉพาะกิจพิเศษต่างได้รับการทดสอบกําลังกายและกําลังใจเป็นเวลากว่าสองชั่วโมงนั่นแหละจึงมีโอกาสได้ลิ้มรสอาหารเช้าที่หลงมองมานานความเหนื่อยที่ท่วมหัวใจนั้นทุกคนจึงต่างกินด้วยความกระหายหิวทุกคนต่างกินจุมากกว่าคนปกติถึงสเท่าซึ่งถือเป็นของธรรมดาที่ทุกคนอยู่ในวัยที่กําลังแข็งแรงทางสิน้น ร่างกายต้องการพลังงานจํานวนมากสําหรับการใช้กำลังอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนต่างรู้ว่ามือหน้าจะได้กินกันอีกตอนไหนก็ไม่รู้อาจจะเลยเวลาไปสองหรือสามหรือสี่ชั่วโมงก็ได้ไม่รู้ว่าการทดสอบคราวนี้จะเป็นที่พออกพอใจของผอบอแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นเมื่อมือนี้มีโอกาสก็ต้องยัดหมอนกันไว้ก่อนนั่นเองตอนที่ยี่สิบ บ่ายวันนั้นกําลังพลทั้งหมดที่ได้รับคําสั่งให้มีสิ่งของติดตัวมาเพียงเครื่องแบบที่เก่าที่สุดที่จะทิ้งแล้วติดตัวมาเท่านั้นสิ่งของทุกอย่างตั้งแต่หัวจะลดเท้าตั้งแต่ในถึงนอกจะมารับเอาใหม่ที่นี่ทั้งหมดซึ่งแม้แต่แปรงสีฟันและที่ตัดเล็บนี่คือการสนับสนุนจากกองทัพสหรัฐอเมริกาอภิมหามิตรทางทหารของประเทศไทยงานด้านธุรการที่ทุกคนจะต้องทําอีกก็คือการลงชื่อในหลักฐานว่า เป็นบุคคลอาชีพอิสระที่มาเป็นลูกจ้างชั่วคราวในกองทัพสหรัฐหลักฐานการประกันชีวิตเมื่อตายหรือเมื่อได้รับบาดเจ็บโดยระบุชื่อผู้ที่จะรับมอบอย่างชัดเจนลงชื่อในใบเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงและเงินค่าจ้างพิเศษทุกคนได้รับการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิผลประโยชน์ที่จะได้รับในคราวนี้อีกครั้งหลังจากที่ได้รับทราบมาแล้วครั้งหนึ่งที่หน่วยปกติหรือเมื่อก่อนที่จะสมัครใจมา ซึ่งทุกคนต่างพอใจกับรายละเอียดเหล่านั้นและพร้อมที่จะรับการฝึกกระทั่งออกไปปฏิบัติการจริงงานขั้นต่อมาคือการชี้แจงแผนการฝึกที่ร้อยเอกสิงกองเป็นผู้รับฟังคําอธิบายมาจากพันตรีทอมสันที่เป็นนายทหารยุทธการและการฝึกสําหรับภารกิจนี้เมื่อทุกคนเข้าที่พร้อมการชี้แจงจึงเริ่มขึ้นสวัสดีทุกคนพวกเราที่อยู่ที่นี่ชีวิตกําลังจะเริ่มต้นและเช่นเดียวกันความตายก็กําลังจะมาเยือน งานนี้ถ้าสําเร็จเราก็ตั้งตัวได้ถ้าตายคนที่อยู่ข้างหลังก็ตั้งตัวได้เหมือนกันมาถึงตอนนี้ใครที่จะสละสิทธิก็ยังทําได้ผู้กองเปิดโอกาสให้สําหรับคนที่คิดว่าตัวเองไม่พร้อมร้อยเอกสิงกองพูดแค่นั้นเราก็หยุดหันไปสนใจกับข้อความที่ช็อตโน้ตรายละเอียดมาทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้ปรึกษากันในเรื่องของความเห็นส่วนตัวนับว่าร้อยเอกสิงกองคนนี้มีใจกว้างพอสําหรับลูกน้อง จึงไม่เป็นการแปลกเลยสําหรับนักรบหน่วยนี้ที่จะพูดถึงความตายไม่มีการขวัญเสียแต่อย่างใดเพราะทุกคนล้วนชาชินกับเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วทั้งสิน้นการพูดตรงๆ ต, ตามความจริงเมื่อไม่คิดอะไรให้มากเกินไปย่อมดีกว่าที่จะมาพูดแบบอ้อมข้อมชักแม่น้ําทั้งห้าทั้งเก้าเพราะอย่างไรเสียทุกคนย่อมหนีความจริงไม่ผลทุกคนจะต้องได้พบไม่ช้าก็เร็วเมื่อไม่มีใครพูดอะไรหรือขัดข้องสาหรับภารกิจครั้งนี้ ไรเอกสิงก่องจึงเริ่มพูดต่อทันทีเรามีภารกิจพิเศษชนิดที่ไม่มีห่วงเวลาปฏิบัติการที่แน่นอนภารกิจของเราจะเริ่มต้นเมื่อไหร่และจบเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบแม้แต่หน่วยเหนือภารกิจของเราคือการเดินทางเข้าไปในดินแดนฆ่าศึกคือเวียดนามเหนือเราจะเข้าไปชิงตัวเฉลยที่เป็นคนของฝ่ายเรากลับคืนมารายละเอียดเกี่ยวกับตัวเฉลยจะแจ้งให้พวกเราได้รู้ในเวลาต่อไปตอนนี้เราส่งชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าไปแล้วหนึ่งชุดเพื่อทําการพิสูจน์ทราบที่ตั้งฆ่าเฉลยที่แน่นอน พร้อมทั้งหารายละเอียดในบริเวณนั้นเตรียมไว้ให้กับชุดปฏิบัติการของพวกเราเข้าทําการยึดขณะ น, นี้ชุดปฏิบัติการที่ทําหน้าที่เป็นสเกลได้ออกเดินทางไปแล้วแต่ยังไม่ถึงที่หมายเราจะถึงตอนไหนวันไหนก็ไม่มีใครรู้ผู้กองจึงบอกว่าภารกิจเราจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั่นเองเพราะเราต้องรอรายงานจากชุดสเกาเสีย ก, ก่อนว่าภารกิจนั้นอยู่ที่ไหนการเข้าถึงยากง่ายเพียงไรอันตรายหรือสะดวกสบายแค่ไหนไอ้พวกเวทกงเท่านั้นที่จะเป็นคนบอกเราได้ไหน ใครมีเพื่อนมีญาติบนเวดโกงมั่งจะได้ไปถามมันดูสักหน่อยบรรยากาศทำท่าจะเครียดเกินไปรอยเอกสิงกองจึงแก้งติดตลกแต่ก็ไม่ยักก็มีใครหัวเราะหลายคนกำลังสับสนกับความคิดของตัวเองบางคนกำลังทบทวนอดีตของตนที่เคยออกไปปฏิบัติการในแดนของฝ่ายตรงข้ามมาแล้วนั้นในขณะเดียวกันกับที่หลายคนกำลังทำใจให้พร้อมที่จะรับการฝึกที่หนักหน่วงอันนี้เพื่อความสำเร็จในภารกิจที่ท้าทาย เมื่อรวมแล้วจึงเป็นอันว่าไม่มีใครเลยที่คิดจะถอนตัวทุกคนต่างพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นี้การฝึกของเราคราวนี้ต้องฝึกให้หนักให้เร็วให้แน่นอนเพราะเราจะมีเวลาฝึกกันนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องที่จําเป็นต้องเอาไปใช้งานนั้นทุกคนจะต้องคล่องแคล่วภาย ใ, ในเวลาสั้นทันทีที่ชุดสเกลรายงานเข้ามาว่าพร้อมเราก็ต้องออกเดินทางเข้าสู่พื้นที่ทันทีนั่นคือชุดสเกลจะรอเราไม่ได้แต่เรานั้นรอชุดสเกลได้ใครไม่เข้าใจขออนุญาตครับ ไม่รู้ใครส่งเสียงออกมาพร้อมกับยกมือขึ้นแสดงว่ามันต้องมีปัญหาเอาว่ามาก็เราเดินทางไปอยู่ใกล้ๆพวกสเกาไม่ได้แหลอครับทุกอย่างมันจะได้เร็วขึ้นทุกคนหัวรอตึงเพราะขำในความทึมของไอ้คนที่ถามและเสนอแนะกระทั่งเสียงหัวร้อนนั้นเบาลงแล้วไอ้สิงกองที่หัวร้อด้วยจึงตอบโถไอ้ทึมไอ้โง่ไอ้ง้างไอ้ควายไอ้สกังไอ้ยัยไอ้โง่ที่สุดในโลก มึงจะรู้ได้ไงวะว่าสเกามันอยู่ที่ไหนมันต้องเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเว้ยจนกว่าจะพิสูจน์ทราบได้นั่นแหละมันถึงจะแจ้งเรามาแล้วทีนี้มึงไปอยู่ใกล้ๆมันมึงจะอยู่ตรงไหนวะกูจะเหยียบมึงให้มึงเข้าใจไหมเนี่ยพ อ, อเข้าใจแล้วครับไอคนที่สงสัยตอบดังรันตามแบบฉบับซึ่งที่จริงมันก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกแต่มันก็เฉยเพราะขี้เกียจให้เพื่อนต้องมาโหดร้อมันอีกร้อยเอกสิงทองโอทโ้ลในความซื่อของลูกน้องเสียไม่ได้ก็เลยด่าไปชุดใหญ่ เล่นเอาคนอื่นๆที่อยู่ในนั้นคำเพิ่มขึ้นอีกบางคนหดล้อจนตัวงอเอาละทุกคนฟังดังนี้ต่อไปปล่อยมันเธอไอทึมไอไอคิวสอไอบ้าเนื่องจากเวลาเรามีน้อยมากอีกทั้งไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้เราจึงต้องเร่งในการฝึกผู้กองได้กำหนดตารางการฝึกไว้ดังนี้นะตีห้าตื่นนอนเข้าสนามทดสอบกาลังกายจนถึง9้าโมงเช้าจึงจะกินข้าวเช้า โดยไม่มีการพักระหว่างชั่วโมงหรือพักก่อนกินอาหารเวลากินอาหารก็กินน้ำสิบนาทีตื่นนอนไม่มีการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันไม่มีการขี้การเยี่ยวไม่มีเวลาให้แต่งกายเพราะฉะนั้นทุกคนต้องนอนในชุดปฏิบัติการ9้านาฬกาสนาทีเริ่มฝึกการใช้อาวุธชนิดใหม่ที่จะได้รับแจกสําหรับภารกิจนี้ในระหว่างการฝึกจะไม่มีการพักประจําชั่วโมงไม่มีการพักกินน้ำสําหรับน้ำนั้นขอกําหนดเป็นระเบียบปฏิบัติประจําหรือรปอปจอเลยว่า ให้น้ำคนละหนึ่งกระติกสำหรับหนึ่งวันแต่ละคนจะกรอกน้ำใส่กระติกได้เมื่อถึงเวลาก่อนนอนเท่านั้นก๊อกน้ำที่นี่จะถูกปิดตายทั้งหมดเที่ยงห้าสินาทีให้กินอาหารกลางวันโดยจะนำไปจ่ายให้นัสนามฝึกและมีเวลาให้กินอาหารสิบนาทีอาหารมีให้ไม่อัานใครใครกินกินใครไม่กินก็อย่ากินบ่ายโมงตรงเริ่มฝึกภาคบ่ายต่อสำหรับอาวุธชนิดใหม่ การฝึกอาวุธชนิดใหม่นี้ทางเราได้รับอุปกรณ์อย่างอื่นมาด้วยดังนั้นรายการฝึกพวกนี้จะอยู่ในรายการฝึกการใช้อาวุธชนิดใหม่ทั้งหมดสี่โมงเย็นเลิกฝึกทําการทดสอบร่างกาย6กโมงเย็นกินข้าวเย็นซึ่งจะนําไปส่งให้ที่สนามฝึกเหมือนกันหนึ่งทุ่มครึ่งทำการฝึกการใช้อาวุธและอุปกรณ์ในเวลากลางคืนสําหรับช่วงเวลาตั้งแต่6กโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มครึ่ง ที่ว่าจะเป็นเวลากินข้าวมื้อเย็นนี้ไม่ใชใ่เป็นเวลาสําหรับการพักผ่อนแต่เป็นเวลาสําหรับการพักกินข้าวแล้วก็ซ่อมคนที่ฝึกไม่ทันคนอื่นส่วนคนที่ไม่ต้องซ้อมไอคนนั้นก็จะได้พักกินข้าวยาวๆไปเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจรับการฝึกให้ดีสามทุ่มนอนหมดคนระเบียบที่ยกเลิกให้สําหรับการฝึกคราวนี้ก็คือหนวดเคราเล็บมือเล็บตีนเครื่องหมายเพราะมันไม่มีรองเท้าการแต่งเครื่องแบบยังถูกต้อง สำหรับความสามารดอาวุธไม่ยกเลิกเพราะอาวุธคือเพื่อนตายที่จะช่วยเราได้หลังจากนี้ให้ทุกคนไปรับอาวุธพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จะจ่ายประจําตัวให้ในระหว่างการฝึกขอย้ําเตือนอีกครั้งว่าสิ่งของที่จ่ายให้เหล่านี้ล้วนเป็นของแท้ของจริงทั้งสิน้นเมื่อเข้าสู่พื้นที่ก็จะใช้อุปกรณ์แบบนี้เหมือนกันอ้าวทุกคนแยกย้ายกันไปได้ขออนุญาตครับไอ้ทึมคนเดิมมีความสงสัยอีกเพื่อนๆเลยเตรียมหัวเราะรอปรจอที่ผู้กองว่ามาจะเริ่มใช้เมื่อไหอไร่ครับ อืมคราวนี้มันถามดีเว้ยคนอื่นทำไมไม่ถามเมื่อไม่ถามแสดงว่ารู้แล้วงั้นไอ้เทิมมึงลองไปถามคนอื่นคนที่รู้ดูสิว่ากูไม่บอกคราวนี้ไม่มีเสียงหัวเราะอีกความจริงก็หัวเราะเหมือนเดิมแต่หัวเราะอยู่ในลําคอและแล้วเสียงร้อยโท ย, ยุทธนาพอบอร้อยสองก็ทําลายความเงียบขึ้นร้อยสองกล้ประจวเริ่มใช้เมื่อไหไร่ไม่ทราบครับทุกคนในร้อยสองตอบเป็นเสียงเดียวกันด้วยความสามัคคีดีดีมาก โง่ทั้งนั้นโง่แบบนี้จะไปเป็นปุ๋ยหรือไงวะนอนไงพอบรร้อยสองสั่งรันทุกคนที่สังกัด ร, ร้อยสองทำตามทันทีด้วยการนอนไงเสียงพลบพับที่คนแปดสิบคนต่างเร่งล้มตัวลงนอนแต่ที่คนเหล่านั้นไม่มีเสียงพูดออกมาเลยแม้แต่คำเดียวตายอย่างเขียดตายพอบรร้อยสั่งให้ทุกคนนอนตายอย่างที่เขียดมันตายทุกคนรู้ดีว่าต้องยกเท้าทั้งสองขึ้นขีฟา แขนทั้งสองข้างกลางแล้วชี้ฟ้าเหมือนกันรวมทั้งหัวก็ให้พลมาจากพื้นอีกและทันทีที่ยกขึ้นทุกคนก็ร้องคําว่าตายอย่างดังและรุนแรงไม่ต้องรับต้องรัดแม่งหรอกไออาวุธใหม่นั้นนะ่ะเอาเขียดนี่แหละไปแล่กับไปแกวมันรอประจลเริ่มเมื่อไหร่พอบอกร้อยสองถามมาอีกไม่ทราบครับทุกคนตอบพร้อมกันอีกเอองั้นพวกมึงก็ตายอย่างเขียดต่อไปมึงไม่รู้แล้วกูจะรู้ได้ไงวะ เป็นคําตอบที่แสนจะยีโยนเป็นแบบทำเนียมในการฝึกนักรบหมวกแดงที่ต่างก็รู้ซึ้งกันดีเมื่อครั้งที่พวกเขาต้องฝึกในหลักสูตรกระโดดร่มและหลักสูตรจู่โจมจะ ต, ต้องมีการฝึกหนักในลักษณะนี้เหมือนกันสําหรับคนที่เคยฝึกหลักสูตรของต่างหน่วยมาแล้วอย่างหลักสูตรทําลายใต้น้ําจู่โจมหรือมนุษย์กบของกองทัพเรือที่นักการฝึกทั้งหลายต่างยอมรับกันว่าเป็นหลักสูตรที่โหดที่สุด ของทุกหลักสูตรที่มีอยู่ในกองทัพไทยหรือแม้แต่หลักสูตรการลบนอกแบบของมาเลเซียเป็นตน้นดังนั้นการฝึกเท่านี้ไม่ได้ทำให้แต่ละคนวาดวันแต่อย่างใดตอนที่21เป็นเวลานานกว่า20นาทีที่ต้องมานอนหงายถ้าตายอย่างเขียดพร้อยหนึ่งรับของเสร็จพอบอร้อยก็สั่งบาง ทางทางที่ไม่มีความผิดอะไรแต่อ้างว่าเพื่อเป็นการรอให้อีกสองกองร้อยรับของและจะได้เหมือนๆกันเมื่อมาด้วยกันหรือแม้แต่ร้อยสว่าพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็ยังต้องโดนพอร้อยสามมันก็ตอบไม่ได้ว่ารอปรจอนั้นจะเริ่มเมื่อไหร่และจะมีใครตอบถูกละ่ะก็ในเมื่อคนที่กําหนดรอปรจอออกมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะยังไม่ได้กําหนดแต่กลับเอามาแกล้งหาเรื่องรองใจคนเล่นสียยางนั้นใครจะทําไมในเมื่อพอใจเสอย่าง คืนนั้นทั้ง250คนตั้งนอนหลับกันอย่างสบายทุกคนแต่งชุดปฏิบัติการตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดแม้แต่ตอนนอนก็ต้องนอนด้วยรองเท้าคอมแบทนี่เป็นการฝึกไว้ก่อนเพราะในพื้นที่ปฏิบัติการจริงนั้นเขาจะไม่มีโอกาสได้ถอดกันด้วยซ้ําอย่าว่าแต่ถอดหรือใส่รองเท้ากันเลยแม้แต่เวลาจะกินจะขี่บางทีก็ไม่มีโอกาสใครจะห่วงเรื่องนั้นได้ถ้าความตายมันจ่ออยู่ที่หัวกระบาลกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเวลาตีห้ตรง เสียงนกหวีดดังลั่นอยู่ที่หน้าอาคารกองร้อยที่บรรดาผ อ, อพันผ อ, อร้อยทุกคนตั้งลงไปรอยอยู่ก่อนแล้วนักรบหมวกแดงทั้ง2องหสิคนลุกจากที่นอนอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถเก็บที่นอนเข้าที่ได้แล้วลงไปข้างล่างมองเห็นแต่ผ อ, อพันคือร้อยเอกสิงกองเพียงคนเดียวแล้วผอร้อยไปไหนกระทั่งเสียงร้อยเอกสิงกองดังขึ้นนั่นแหละจึงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเอาไหนผ อ, อร้อยตัวเองอยู่ไหน ฟังเสียงเรียกแถวเอาเองเดี๋ยวถ้ามึงใครหลงเสียงผบอร้อยตัวเองและวน่าดูชมไปผอบอร้อยมึงเรียกแล้วไปแล้วเสียงผอบอร้อยทั้ง3ากองร้อยก็เรียกแถวนักรบทั้ง250คนวิ่งกันตาตั้งไปอย่างเร็วหลังจากที่ร้องเอี้ยออกมาดังลัน่นหลายคนต้องวิ่งชนกันบางคนโดนชนจนล้มกระเด็นแล้วต้องรีบลุกขึ้นมาออกวิ่งต่อไม่มีใครว่าใครบางคนลุกไม่ทันโดนคนที่ตามข้างหลังมาเหยียบก็ไม่มีใครว่าใครอีกนั่นแหละ ความสับสนโอละมานเริ่มเกิดขึ้นเมื่อนักรบทั้ง250คนนั้นพยายามที่จะเข้าแถวให้เร็วไม่รู้ว่าผอบอร้อยของตัวเองอยู่ที่ไหนแน่ความมืดตอนนั้นทําให้มองหน้ากันไม่ค่อยจะชัดผบอร้อยทั้งสามกองร้อยก็เล่นแปลกกว่าทุกครั้งแก่เล่นเรียกแถวพร้อมๆกันคนที่ฝั่งก็เลยไม่รู้ว่าเสียงไหนเป็นเสียงของผอบอร้อยของตัวเองแต่ไม่น่าเชื่อภายใต้ความสับสนโอละมานนั้น พวกเขาทุกคนล้วนมีไหวพริบ ป, ปฏิพานธ์ดีเกินคาดคนที่ออกนำหน้าเมื่อเห็นว่าผอบอร้อยตัวเองอยู่ที่ไหนก็กระซิบค่คอยๆบอกเพื่อนให้ตามคนที่ได้ยินเสียงกระซิบก็ไหวท า, ายาตตามไปติดๆได้เหมือนกันดังนั้นเพียงช่วระยะเวลาไม่นานทุกอย่างก็เรียบร้อยในความมืดนั้นร้อยเอกสิงกองกับพันเอกทอมสัน ยืนยิ้มออกมาด้วยความพอใจในไหวพริบปฏิพันธ์ของลูกน้องจากการทดสอบกําลังกายกําลังใจเมื่อวานนี้ทั้งวันคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาต่างพอใจและเชื่อมั่นกันว่าจะสามารถร่วมหลบจนสามารถสําเร็จภารกิจได้การทดสอบร่างกายในเช้าวันนั้นกระทํากันอย่างรุนแรงทุกอย่างว่ากันตามสกอร์เทสตามที่หน่วยกําหนดไม่ว่าจะเป็นการดึงข้อราวเดี่ยวลุกนั่งหรือบั้นเอวสลับหรือซิดอัพยึดผืน การวิ่งวิบากผ่านเครื่องกีดขวางการทดสอบบนสนามทดสอบกำลังใจทุกคนทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดและทำได้เป็นอย่างดีสภาพร่างกายของทุกคนพร้อมไม่มีใครยอมล่วงเลยในการทดสอบครั้งนั้นทุกคนยังยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คือนักรบหมวกแดงกำลังรบหลักจัดหน่วยศูนย์สงครามพิเศษลบบุรีเสร็จจากการทดสอบร่างกาย จนถึงเวลาทุกคนกลับมาพร้อมกันอีกครั้งที่สนามเล็กๆสำหรับพักกินข้าวในวงข้าวนั้นผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่อยู่ด้วยต่างร่วมวงเดียวกันไม่มีการแยกว่านั่นวงของนายทหารนี่วงของนายสิบทุกคนกินข้าวอย่างเดียวกันกินกันไปคุยกันไปด้วยจิตใจที่ซาบซึ้งต่อกันคำพูดแบบศบประมาท้าทายเมื่อตอนทดสอบไม่มีใครเก็บมาคิดหรือเอามาพูดอีกท้งนีทุกคนต่างเข้าใจกันดีว่านั่นคือเกม การแนะนำอาวุธชนิดใหม่คือ M203 เหมือนอย่างที่ชุดปฏิบัติการนักล่ารับจ้างได้รับกล้องขยาย16เท่ากลางวันกลางคืนกระบอกเก็บเสียงกระสุนประเภทต่างๆให้รู้ถึงขีดความสามารถคุณลักษณะการทำงานอำนาจและการระวังรักษาคนที่เป็นผ อ, อทุกระดับจะได้รับการจ่ายวิทยุไอคอมแบบที่เคยจ่ายไปแล้วพร้อมทั้งคาอธิบายในการใช้การทาลายระเบิดชนิดใหม่กับระเบิด หรือแม้แต่เสื้อกลอกรุ่นพัฒนาใหม่ที่มีน้ำหนักเบากว่าของเก่ามากต่อมากและแน่นอนที่สุดในบรรดาสิ่งของที่แนะนำที่สามารถสร้างบรรยากาศได้ดีที่สุดที่ทุกคนพยายามหัวเราะแม้จะเป็นการหัวเราะที่แสนจะแปลงเมื่อได้รู้จักกับรังดุมมรณะสยาไนยาพิษสำหรับเด็ดชีพตัวเองขึ้นชื่อว่าความตายแล้วแม้จะกล้าหาญสักเพียงใดก็อดที่จะวั่นใจไม่ได้ จะแตกต่างกันก็แต่ว่าใครจะสามารถเก็บความรู้สึกอันนั้นได้มากกว่ากันเท่านั้นเองทั้ง250คนต่างพาการทดลองทดสอบการใช้งานแต่ละอย่างอย่างละเอียดที่ท้วนทุกขั้นตอนการทำงานต่างคนต่างสอนต่างแนะนำกันจนเป็นที่เข้าใจทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อถึงเวลาวิกฤตแล้วต้องสามารถใช้งานได้ในการฝึกนั้นต่างเร่งรีบกันจนแทบจะไม่สนใจกับเวลาพักผ่อน ปืนและกระสุนทุกชนิดที่มีฝึกด้วยของจริงในสนามฝึกยิงแบบฉับพลันความแม่นยำในการยิงเมื่อมีกล้องเล็งแบบนั้นทุกคนต่างได้คะแนนเต็มร้อยทางนี้จากคนที่เคยมีขีดความสามารถระดับเซียนปืนด้วยแล้วเมื่อมีเครื่องทุ่นระยะแบบนี้มีหรือจะพลาดทุกคนต่างพอใจในอุปกรณ์เหล่านั้นเป็นอย่างมากและคิดว่างานหนีต้นคงไม่มีคําว่าพลาดอย่างแน่นอนการฝึกการเคลื่อนที่ทั้งที่ต้องใช้ความเร็วการคลานที่ต่ําราบกับพื้น การคลานที่ผ่านดงกับระเบิดการวางการกู้การทำแบบกับเวลาจนบางครั้งต้องทำซ้ำแล้วซ้าอีกจนกว่าจะได้เวลาตามที่พอใจทั้งนี้และทั้งนั้นในการปฏิบัติการจริงทุกสิ่งทุกอย่างทุกขั้นตอน เวลาที่พลาดไปเพียงเสี้ยววินาทีนั้นอาจนำความผิดพลาดให้กับตนหรือภารกิจได้ทุกคนจะถูกเขี้ยวเข็นให้สักซ้อมจนเป็นที่คล่องแคล่วในยามนั้นเพื่อนฝูงที่อยู่ไกลต่างให้ความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติซึ่ง ก, ารรากันและกันซึ่งก็เป็นเรื่องดีคนที่สอนก็ชำนาญขึ้นคนที่รับการสอนก็รู้เรื่องจนเก่งขึ้นนี่คือน้าใจที่พวกเขามีต่อกันไม่มีใครคิดชิงดีชิงเด่นแต่เพียงลาพัง สายเลือดทหารพลร่มแห่งศูนย์สงครามพิเศษที่เขาตั้งเคยร่วมทุกร่วมสุขกันมาถูกหล่อหลอมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภารกิจครั้งนี้จะต้องสําเร็จและทุกคนต้องรอดปลอดภัยกลับคืนสู่ดินแดนลบบุรีทุกคนอาวุธทุกชนิดที่มีเมื่อผสมผสานกับขีดความสามารถเฉพาะตัวที่จะต้องฝึกฝนนั้นจะเป็นสิ่งช่วยได้ดีที่สุดดังนั้นทุกคนจึงตั้งใจฝึกร้อยเอกสิงกองกับพันตรีทอมสันที่ไม่เคยห่างจากสายตา เคียงคู่เดินดูลูกน้องตลอดเวลาทั้งสองคนมีเรื่องที่ต้องปรึกษากันโดยตลอดกองครับวันมะรืนเนี่ยพันเอกนอร์แมนจะมาเยี่ยมชมการฝึกของเราทางโน้นแจ้งมาหลือไม่เจรครับแจ้งมาเมื่อครู่นี้เองงั้นแสดงว่าการเดินทางของใกล้เข้ามาแล้สินะคงไม่เกี่ยวกันนักหรอกอย่างดีเราก็จะรู้ว่าตอนเนี้ชุดสเกลนั้นทํางานไปถึงไหนแล้วเท่านั้นแหละเราถึงจะกะระยะเวลาได้และเมเจอร์คิดว่าการมาของพันเอกนอร์แมนในครั้งนี้มีอะไรเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ แต่ที่รู้ในตอนต้นนี้ก็ว่ายังไม่มีหรือถึงจะมีผมก็คิดว่าคงไม่แปลกสําหรับคนของเราไม่ใช่เหรอครับครับผมก็คิดอย่างที่เมเจอร์คิดเหมือนกันผู้กองผู้กองคิดว่าเราควรเพิ่มเติมหัวข้ อ, ขอการฝึกอะไรอีกไหมครับครับเรื่องนี้ผมก็คิดอยู่เหมือนกันอย่างเช่นการทดสอบการปฏิบัติการจริงเราสร้างค่ายจาลองขึ้นมาสักค่ายแล้วเราก็ซักซ้อมการเคลื่อนที่เข้าประชิดตัวค่ายด้วยการฝ่าดงกับระเบิดเข้าไป นอกจากนี้ผมอยากจะซักซ้อมการส่งลงซึ่งเมื่อลงแล้วต้องเคลื่อนย้ายกำลังไปยังจุดรวมพลให้เร็วที่สุดเมื่อเข้าถึงจุดรวมพลแล้วก็ต้องดำเนินกลยุทธ์ให้ได้ในเวลาที่สั้นที่สุดเพราะการเข้าปฏิบัติการในครั้งเนี้เราจะให้ฝ่ายศัตรูตั้งตัวติดไม่ได้เลยเราต้องชิงความได้เปรียบในเรื่องความพร้อมไว้ก่อนไม่งั้นเราจะเสียเปรียบศัตรูเป็นฝ่ายตั้งรับเราเป็นฝ่ายลุกข้อหามันอันนี้ถึงจะดีครับเรื่องนี้ไม่ยาก เมื่อแผนเอกนอร์แมนตามมาแล้วเราสคนช่วยกันเสนอแนะก็แล้วกันผมคิดว่าถ้ามีเวลาท่านคงไม่ขัดข้องหรอกครับขอบคุณครับเมเจอร์แล้วเรื่องนี้ผู้ ก, กองจะไม่แจ้งให้ทางสอนทองทราบด้วยเหรอครับครับเดี๋ยวค่เนี้ยผมจะแจ้งไปส่วนท่านจะมาหรือไม่นั้นผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็คงไม่เป็นไรหรอกนะผู้ ก, กองถึงยังไรงสอนทองก็อนุมาตินในทุกกรณีอยู่แล้วนี่เกี่ยวกับภารกิจนี้แล้วรายละเอียดเกี่ยวกับเฉลยเมเจอร์ทอมสันใช้พวกเราได้ทราบเมื่อไหร่ละครับ สำหรับเรื่องรายละเอียดนั้นนะอยู่ที่พันเอกนอร์แมนนุ่นคิดว่ามางว่วนนี้ท่านคงจะนํามาให้ด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเรื่องรายละเอียดเนี้ยใช้เวลาทําความเข้าใจเดี๋ยวเดียวก็รู้เรื่องความจริงอ่ะถ้าเรามีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะที่ตั้งค่ายของมันด้วยก็จะดีนะไม่เจ้าครับเรื่องนี้ทางเราก็ได้พยายามอย่างที่สุดเลยที่จะทําการถ่ายภาพทางอากาศแต่มันถ่ายไม่ได้สักทีทําไมล่ะครับก็ค่ายของมันอยู่ใต้ป่าดงดิบเลยสิต้นไม้ขนาดใหญ่ปกคลุมเต็มพืชไปหมด มันสร้างค่ายแบบเนี้มันต้องการที่จะพลางทางอากาศเป็นอันดับแรกภาพที่ถ่ายได้มามีแต่ไร่นาที่พวกมันทํากันซึ่งไร่นาพวกเนี้ยก็ยังมีการทํากันอยู่ตามฤดูกาลแต่ตัวค่ายจริงๆอะ่ะกล้องเราจับไม่ได้เอาเลยทั้งที่ถ่ายจากเครื่องบินและทั้งที่ถ่ายจากดาวเทียมคิดว่าคงเหลือวิธีเดียวคือส่งคนเขาไปถ่ายออกมานั่นแหละอา้าวท่านเหลือวิธีเดียวแล้วทาไมไม่ทําล่ะครับผมคิดว่าพันเอกนอร์แมนท่านคงทําแล้วล่ะนะแต่ไม่สําเร็จเรื่องเนี้ยท่านรู้ดีกว่าผมมาก เอาเป็นว่าไอ้เรื่องเนี้ยไว้วันที่ท่านมาผู้ ก, กองลองถามดูก็ได้ครับเมเจอร์เดี๋ยวผมจะลองถามดูตอนที่ยี่สิบชุดปฏิบัติการพิเศษในกราบของนักล่ารับจ้างทั้งสิบสองคนกับผู้ร่วมงานอีกสี่เร่งฝีเท้าออกจากเขตที่อยากจะเรียกว่าผาแปดศพนั้นอย่างรวดเร็วยังเหลือเวลาก่อนคำอีกไม่มากนักซึ่งพวกเขา จะต้องเลือกหาภูมิประเทศสักแห่งสำหรับการตั้งฐานลอยเพื่อการพักผ่อนในค่ำคืนนี้ความคิดของจ่าดาวเหนือนั้นต้องการที่จะได้จุดที่มีความสูงที่มากพอทั้งนี้เพื่ออาศัยความสูงนั้นสังเกตการต่อพื้นที่โดยรอบจากรูปการที่ผ่านมานี้ชุดละตระเวณของพวกมันน่าจะออกมาจากค่ายหรือจากบอกอของมันที่อยู่ไม่ไกลนักซึ่งมันน่าจะอยู่บริเวณนี้นั่นเองก่อนคำ ชุดปฏิบัติการก็สามารถเลือกจุดที่จะตั้งฐานลอยได้เป็นยอดเนินที่สูงสุดในรัศมีสิบกิโลเมตรในบริเวณนั้นคิดว่าพอใจแล้วจึงสั่งพักขบวนเดินคืนนี้จะมีปัญหาอะไรไหมนอสตาจ้าดาวเหนือมองหน้าพันตรีคอรลินที่เป็นคนถามด้วยใบหน้าที่ยิ้มแยม้มแสดงว่าอารมณ์ดีแต่ไม่ตอบในทันทีทันใดเพราะต้องคิดก่อนแต่ในระหว่างที่กาลังใช้สมองอยู่นั้นกลับสั่งการในเรื่องใหม่เปียกครับ ไอ้มองเดินตายสองคนนี้มันหาสัตว์ป่าเป็นไหมวะเป็นพี่ผมเคยถามมันอยู่แล้วแถวแถวเนี้ยมีร่องรอยหมูป่าใกล้ป่ า, ปาหรือควายป่าบ้างไหมวะอันนี้ยังไม่ได้ถามมันนะพี่ทําไมเหรอพี่ลองถามมันดูคืนนี้เราน่าจะมีเนื้อสดกินกันสักหน่อยวะ่ะรสมิ่งห้าหกกิโลที่นี่คงไม่มีอะไรหรอกถ้าเป็นไปได้อย่าให้มันนําทางออกล่ากันสักหน่อยสิครับพี่ไอ้เปียกในฐานะพี่เลี้ยงม้งสองคนนั้นรับคําสั่งแล้วแยกตัวออกไปดําเนินการ จ่าดาวเหนือหันมาทางพันตรีคอรลินอีกครั้งพอยังขังคําถามอยู่คงไม่มีหรอกครับเมเจอร์ตอนเนี้เราอยู่ห่างจากเส้นทางเดินของมันกว่าสามกิโลแล้วถ้ามันออกลาดตะเวนมันคงไม่มีความจําเป็นที่จะออกตรวจเส้นทางที่ลึกเข้ามาขนาดนี้แน่เว้นเสียแต่ว่ามันรู้ว่าเราอยู่ที่นี่เท่านั้นแหละความจริงเราไม่น่าจะต้องเข้ามาลึกขนาดนี้เลยนี่นาครับใช่แต่คืนนี้ยผมต้องการจุดที่สูงตรงเนี้ยเพื่อตรวจการพื้นที่ ร, บรอบๆในรัศมีสักสิบกิโเมตร ผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่จะช่วยสกัดกั้นการติดตามของพวกมันได้นอสตาตอนนี้คุณคิดว่าพวกมันรู้เรื่องของเราหรือยังผมคิดว่าตอนเนี้ยมันรู้แต่เพียงว่าพวกเราเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่นี้แต่มันคงยังไม่รู้จุดหมายปลายทางของพวกเราหรอกครับงั้นเราเดินทางให้เร็วให้ห่างมันไปเลยไม่ได้เหรอไม่ต้องห่วงมันอีกอะถ้าเราไปได้เร็วอย่างที่คิดมันก็ดีสิครับแต่ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าระยะข้างหน้าพวกมันจะโผล่มาเล่นเกมกับเราอีกหรือเปล่าถ้ามีมาเล่นเกมกันอีกแล้วก็ข่าวความ คราวนี้ล่ะเมเจอร์เ อ, อ๋ยมันคงมันพิลึกละ่ะค่ำคืนนั้นที่ชุดปฏิบัติการตั้งฐานลอยพักนอนกันบนยอดเนินที่สูงสุดของพื้นที่ประสบการณ์ที่เคยมีมาบอกให้รู้ว่าเขาควรได้ประโยชน์อะไรบ้างแต่ดูเหมือนพันตรีมริกันทั้งสองนั้นยังไม่เคยได้รู้มาก่อนแต่เมื่อได้รับคำอธิบายแบบไม่หวงความรู้จากจ า, กจากดาวเหนือแล้วนั่นแหละจึงกระจ่างเวลาประมาณสองทุมหลายคนเริ่มพักผ่อน สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับหน้าที่เวียามคนสี่คนยังไม่นอนแต่กลับเพลิดเพลินอยู่กับภาพที่ปรากฏในกล้องสองสองตาแม้ในเลนกล้องจะดำมืดเพราะเป็นเวลากลางคืนก็ตามแต่แสงตะเกียงที่สว่างเป็นดาวเด่นนั้นชวนให้ระทึกใจก็จะอะไรเสียอีกละ่ะท่านั้นไม่ใช่เหล่าศัตรูที่พวกเขากําลังค้นหาณจุดนั้นแสงตะเกียงสามสี่ดวงหมายถึงที่ตั้งของมันสักขนาดหนึ่งที่ยังไม่รู้แน่แต่ที่รู้ก็คือนั่นคือที่ตั้งของมัน เชื่อเถิดว่าที่เห็นเพียงสามสี่ดวงนั้นของจริงมันคงมีเป็นสิบเพราะยังมีบางดวงที่ถูกบดบังไว้ด้วยแมกไมยอีกระยะสัพทลายนอสตาน่าจะสักประมาณสิบกิโลเมตรเมเจอร์ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะพรุ่งนี้เราเข้าพิสูจน์ทราบกันหน่อยเป็นไรผมไม่ต้องหรอกครับเดี๋ยวเราให้ทางบอกอเขาจัดการให้ดีกว่ามันจะได้ผลเหรอได้ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของเราครับเมเจอร์แต่เรื่องของเราคือต้องหาทางอำพรางการมาและการจากไปของเราให้ได้แล้วก็ต้องเร็วที่สุดด้วย อัมพรางยังไงนอสตาเรื่องนี้ไม่ยากเขาเมเจอร์ Major. ตอนเนี้มันรู้หรือว่ายังสงสัยอยู่ว่ามีฝ่ายเราเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่นี้มันก็ต้องตั้งคําถามว่าฝ่ายเรามาทําไมเราก็ให้คําตอบกับมันซะเลยว่าเรามาพิสูจน์ทราบแล้วก็เข้าโจมตีค่ายของมันเท่านี้มันก็ต้องคิดว่าเราจบภารกิจแล้วหลังจากนั้นเราก็พยายามเก็บตัวให้เงียบก็เท่านี้เองแล้วคุณจะเอาอะไรไปโจมตีมันเราอยู่เฉยๆเขาเมเจอร์ Major. เดี๋ยวผมให้เคอเนลนั่นแหละเป็นคนรับงานนี้โอเคไอซีนอสตา พันตรีโรเจอร์หยิม้มแต่พันตรีคอรลินดิดนิ้วมือเมื่อมองสถานการณ์ออกสายอากาศแบบสูงขึ้นรอไว้นานแล้วตามที่นัดหมายว่าถูกค่าจะมีเครื่องบินจากบกกรในสถานทูตมารับราย ง, งานข่าวสารเราเล่นตอนหัวค่ำนี้เลยหรือรอตอนเช้าดีนอสตาพันตรีโรเจอร์เป็นคนถามหลังจากที่วางกล้องส่องลงแล้วเอ็งหลังลงกับพื้นหลับตาลงหลังจากที่รู้สึกเมื่อกระบอกตาตอนนี้เลยก็ได้ครับหรือจะรอใหถึงเช้าก็ไม่แปลกโอเคงั้นเอาตอนนี้เลยแล้วกัน พันตรีโรเจอร์ตัดสินใจแล้วจัดการล้วงเข็มทิศออกมาจากเป้หลังทําการตั้งมาตราสําหรับวัดมุมในเวลากลางคืนแล้วทาการวัดทันทีวัดหลายต่อหลายครั้งแบบตรวจสอบกันจนเป็นที่แน่ใจเราจึงหันมาคํานวณหาระยะห่างซึ่งสามารถใช้กล้องเลงกลางคืนที่ติดอยู่ที่ปืนได้จนเป็นที่แน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนั่นแหละจึงตั้งหน้าตั้งตารอเวลาที่ตัวแทนของพันเอกนอร์แมนจะเดินทางมาถึงและแล้วสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง เมื่อแววเสียงเครื่องบินแบบโอวีสิบ n ลองโกดังมาให้ได้ยินแตกไก่ทุกคนหันไปมองทางทิศนั้นแม้จะมองไม่เห็นอะไรเลยภายใต้ท้องฟ้าที่มืดมิดทางนี้เพราะเครื่องบินลำนั้นไม่ได้เปิดไฟใดๆนั่นเองพันตรีโรเจอร์ผู้ที่จะทำการส่งข่าวในครั้งนี้พยายามเพ่งมองเพื่อจะจับจุดที่มาของเสียงนั้นให้ได้ยิ่งมองก็ยิ่งไม่แน่ใจ เพราะเครื่องบินลำนั้นบินสูงเกินไปเมื่อไม่แน่ใจก็เลยตัดสินใจกดสัญญาณแจ้งที่อยู่อัตโนมัติที่เครื่องวิทยุเป็นการเผื่อไว้รอเวลาไม่นานเสียงเรียกก็ดังลงมาคนที่อยู่ทางพื้นดินคาดว่าโอวีสิบลำนั้นตอนนี้ใกล้ตำแหน่งที่ตรงดิ่งเหนือหัวเข้ามามากแล้วแต่ความสูงที่มากกว่าสอง0มื่นฟุตนั้นทาให้เสียงนั้นดังเพียงแวแววนอสตาจากฮันนี่เปลี่ยนเสียงนั้นเรียกมาอีกสองสาครั้ง ก่อนที่คนถูกเรียกจะตอบพันตรีโรเจอร์ยิ้มในความมืดหันมาทางจ่าดาวเหนือเพื่อที่จะโจกบางอย่างนอสตาเคอเนลเรียกคุณเนี่ยงั้นตอบแทนผมไปเลยว่าผมไม่อยู่แล้วกันผมกําลังติดเม็กเลฟกับสาวมง้งอยู่เอางั้นเหรอนอสตาเอางั้นนะ้าว่าไปเลยไม่ต้องเกรงใจผมพันตรีโรเจอร์อดหัวเราะไม่ได้ก่อนที่จะตอบการเรียกของหน่วยเหนือขึ้นไปโอเคฮันนี่นี่ผม ส, สั้นๆเปลี่ยนนอสตาหลสสัดสั้นๆเปลี่ยนไม่ว่างครับตอนนี้กําลังเม็กเลฟ ชาดาวเหนือหอัวล้อในลําคออยากจะรู้เหมือนกันว่าพันเอกนอรแมนจะรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินคําตอบอย่างนั้นโอเคบอกนอสตาด้วยนะว่าอย่าลืมเผื่อผมด้วยเปลี่ยนครับฮันนี่เปลี่ย น, ยนโอเคแัมซันเริ่มส่งข่าวได้เลยเปลี่ยนครับฮันนี่วันนี้ตอนบ่ายฝ่ายเราสังหารไอวีซีได้8ดคนที่บริเวณพิกัดสี่เจ็ดหนึ่งเก้าสี่สามเปลี่ยนเฮแซมซัน hey, ทํำไมคุณทําอย่างนั้นอีกละ่ะนั่นไม่ใช่ภารกิจของคุณนะแบบนี้คุณก็เปิดเผยตัวเองหมดนะสิทํำไมคุณถึงไม่ลีบเลี่ยงลาเปลี่ยน แสดงว่าพันเอกโนแมนนั้นเข้าใจถึงหลักการว่าด้วยการลาดตระเวนข่าวเพื่อพิสูจน์ทราบที่ตั้งเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งโดยเฉพาะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะฮนี่คืองี้นะวันนี้ไอวีซพวกนี้มันติดตามพวกเรามามันตรวจทบร่องรอยการเดินทางของเราไก่โมงสองตัวนั่นแหละมันทําชุยเมื่อเห็นว่าว C พวกนี้มันทําถ้าจะรู้เรื่องมากเกินไปเราก็เลยต้องสังหารมันไงแล้วการตายของพวกมันคราวเนี้ยทางบกของมันก็ต้องออกติดตามอีกนะสิครับ เรื่องนี้เราก็เชื่ออย่างนั้นเราก็เลยเตรียมหนทางแก้ไขไว้แล้วทางคุณจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงพันตรีโรเจอร์พูดยาวทันทีตามแผนการที่คิดกันเอาไว้แล้วกับพักพวกโอเคงั้นผมเห็นด้วยตามแผนนี้ขอรายละเอียดเป้าหมายหน่อยสิรายละเอียดไม่มีหรอกครับมีแต่พิกัดที่สงสัยเท่านั้นเอาแค่นั้นก็เอาครับพิกัดหนึ่งสี่สองแปดเจ็ดเก้าตอนนี้ตรวจพบแสงตะเกียงห้หดวงแต่คาดว่ามีมากกว่านี้เพราะต้นไม้บงัง ขนาดเป้าหมายความยาวประมาณ3า0เมตรความกว้าง100เมตรเปลี่ยนโอเคสร็จสิ้นแล้วคุณใช้โจมตีเมื่อไหร่คืนนี้เลยครับเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบเป้าหมายถ้าเป้าหมายจริงจะให้ขจัดการให้คืนนี้เลยโอเคหโอเคครับขอบคุณทางผมไม่มีเหตุการณ์อะไรทั่วไปปกติดีเปลี่ยนทางคุณไม่มีแต่ทางผมมี ช่วยบอกนอสตา์ด้วยเย็นพรุ่งนี้ผมจะไปพบสอนทองถ้ามีปัญหาอะไรหรือต้องการจะติดต่อสอนทองให้ติดต่อพันเครื่องบินที่จะมารับข่าวพรุ่งนี้ตอนสองทุ่มโอเคไหมโอเคครับแล้วผมจะบอกนอสตาให้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วงั้นตอนนี้ผมกลับก่อนนะเดี๋ยวเครื่องบินชุดใหม่คงมาถึงถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดีโชคดีทุกคนนะครับขอบคุณครับเมเจอร์โรเจอร์ลากเสียงร้อนเหรียญด้วยความสบายอกสบายใจที่การติดต่อเรียบร้อยเวลาต่อไปก็เห็นจะเป็นเวลารอเครื่องบินที่จะเข้าโจมตี กรณีนี้พันเอกนอร์แมนต้องขอทราบ พ, พิกัดที่ตั้งเป้าหมายเพื่อนําไปตรวจสอบกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศก่อนการที่ชุดปฏิบัติการตรวจพบในตอนกลางคืนแบบนี้นั้นมันไม่แน่นอนเท่าที่ควรเพราะบริเวณนั้นอาจเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนก็ได้การตรวจสอบคราวนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดเป้าหมายทําให้ง่ายต่อการวิเคราะห์เพราะมันหมายถึงขนาดความใหญ่โตของหมู่บ้านหมู่บ้านที่ใหญ่โตย่อมมีประชากรอยู่หนาแน่น ต้องมีเส้นทางหรือถนนตัดผ่านหรือต้องมีสิ่งจําเป็นอื่นๆในการทําภาพถ่ายทางอากาศแล้วแปลงมาเป็นแผนที่มาตราส่วนต่างๆนั้นกองทัพสหรัฐอเมริกามีความทันสมัยมากทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในแผนที่ภาพถ่ายมักเชื่อถือได้บ่อยครั้งที่ไม่ได้ทําการตรวจสอบเป้าหมายก่อนทําการโจมตีเสร็จแล้วสุดท้ายผลกลายเป็นว่าหมู่บ้านของประชาชนต้องถูกทําลายทําให้เสียหายต่อกองทัพเป็นอันมาก ตอนที่23กองทัพสหรัฐนั้นเคยใช้ระบบถ่ายภาพทางอากาศติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเวทกงโดยว่าพวกเวทงงนั้นมักขุดหลุมดำดินอยู่ภาพถ่ายทางอากาศต่อพื้นที่ต้องสงสัยว่ามีพวกเวทงงมาซุ่มอยู่หากภาพที่ถ่ายวันนั้นมีข้อแตกต่างจากภาพที่ถ่ายเมื่อวันก่อนแม้แต่ต้นไม้ถูกโค่นลงเพียงต้นเดียวดินถูกขุดเป็นร่องเป็นขู่สหรัฐจะสั่งเครื่องบินทำการทิ้งระเบิดปูพรมใส่บริเวณ น, นั้นทันที ทั้งนี้อาศัยสายเหตุจากที่ว่าภูมิประเทศบริเวณนั้นถูกดัดแปลงซึ่งต้องเป็นฝีมือการกระทําของมนุษย์แน่หรือแม้แต่บริเวณที่เป็นป่าทึบผูกเวทกงสามารถเข้าไปหลบซ่อนรอดพ้นจากการตรวจการทางอากาศสารละจะใช้สารเคมีโปรยลงบริเวณนั้นให้ต้นไม้แห้งตายจนสามารถมองเห็นพื้นดินได้หรือแม้แต่เส้นทางเคลื่อนย้ายที่ยานผ่านนะัต้องวิ่งผ่านไปมาประจำสองข้างทางที่ลกด้วยป่าไม้พุ่มไม้หรือที่กำบังใดก็ตาม ที่พวกซุ่มโจมตีสามารถใช้ประโยชน์ได้สารัฐจะใช้แท็กเตอร์ไถ่ถางเกรดพื้นที่สองข้างทางนั้นจนโล่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนให้ห่างออกไปจากสองข้างทางข้างละอย่างน้อย5้าอเมตรถึงหนึ่งพเมตรนี่คือบางตัวอย่างบางวิธีที่กองทัพสารัฐพยายามที่จะเอาชนะฝ่ายคอมมิวนิสต์ในลาวแต่แล้วสาฮร์ก็ต้องแพ้ตามที่รู้ๆกันอยู่เกือบหกทุ่คืนนั้น ที่จ่าดาวเหนือถูกคนที่เป็นเวรปลุกให้ตื่นขึ้นมาเมื่อมีเสียงวิทยุเรียกจากบอกทอี่สถานทูตนอสตาจากฮันนี่เปลี่ยนเสียงเรียกนั้นดังอยู่สองสาครั้งจ่าดาวเหนือจึงตอบกลับไปจากนอสตาเปลี่ยนโอเคนอสตาขอโทษด้วยนะที่รบกวนเวลาพักผ่อนถี่แรกนึกว่าจะติดต่อไม่ได้ซะแล้วสิกำลังทำอะไรอยู่นะ่ะความจริงแล้วจ่าดาวเหนือรู้ดีว่าพันเอกนอแมนแกล้งพูดสัพพยอกเสียมากกว่า พอรู้อยู่เต็มอกว่าคืนนี้พวกเขาต้องรอวิทยุจากบกเกาะเกี่ยวกับเป้าหมายดังนั้นเป็นธรรมดาอยู่ดีที่ต้องขึ้นสาอากาศยาวสูงรอไว้เมื่อรู้ว่าถูกสะพยาย ก, ก็เลยแก้เกมกลับกำลังไม่เกนะินนะนี่เปลี่ยนโอเคดีมากเพื่อผมด้วยนะเรื่องเครื่องบินโจมตีโอเคอีกไม่เกินสิบนาทีคงไปถึงเมื่อไปถึงแล้วคุณติดต่อรายละเอียดกันเองโอเคไหมโอเคครับเรื่องนั้นไม่มีปัญหาแล้รหัสเครื่องบินละเปลี่ยนโอเคนอนสตา นักบินรหัสบลูสกาย 1- นสเปลี่ยนครับขอบคุณบลูสกาย 1-4 รวมสี่เครื่องเปลี่ยนโอเคถูกต้องงั้นคืนนี้เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันพรุ่งนี้ค่ำค่อยพบกันครับขอบคุณครับจ่าดาวเหนือไม่คิดที่จะปลุกคนอื่นให้ตื่นขึ้นมาแต่อย่างใดเพราะเชื่อ ว, ว่าเมื่อเครื่องบินมาถึงเขาคงตื่นเองสายตาเหลียวไปดูทางทิศ ท, ที่กําหนดเ ป, นเป็นเป้าหมายมาบัดนี้ไม่เห็นแสงตะเกียงเหลืออยู่เลยชาติเขาเวินตั้งแต่เมื่อไหร่ชั่วโมงกว่าแล้วครับพี่ แสงไฟมันหมดไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะก่อนผมเข้าเวนครับจ่าดาวเหนือไม่ตอบหรือถามอะไรอีกเพราะคิดว่าไม่มีประโยชน์จึงหันไปปลุกเมเจอร์โลเจอร์เพรารายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งเป้าหมายอยู่ที่แก่คนที่ถูกปลุกขึ้นมาเมื่อรูเรื่องก็ตอบโอเคทันทีสิ่งเครื่องบินแววมาทันทีตามเวลาที่พันเอกนอร์แมนบอกเอาไว้คิดเหมือนกันว่าเขาสามารถกะเวลาได้แม่นยำดีจริงๆเสียงที่ได้ยินถ้าเดาไม่ผิดมันน่าจะเป็นเสียงทียี่สแป ไอ้มองอีกแล้วโถเอ้ยเวรกรรมจะดาวเหนือหมายถึงนักบินที่เป็นทหารลาวมงสําหรับเครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ออกปฏิบัติการมักใช้ทหารมงวังเป่าเป็นนักบินความจริงพวกนี้ค่อนข้างจะเก่งสําหรับการบินที่ได้รับการฝึกสอนมาจากสหรัฐโดยตรงแต่มันไม่ค่อยสบายใจเอาเสร็เลยเพราะมีบ่อยครั้งเหลือเกินที่ทําการโจมตีผิดพลาดดูเหมือนมองพวกนี้จะเก่งแต่เรื่องการบินธรมธรมดาธรรมดา แต่ถ้าให้บินโจมตีที่ต้องการความประณีตเพื่อความแม่นยำนั้นไม่ค่อยจะได้เรื่องไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมทางบอกอจึงจัดนักบินมงพวกนี้มาให้หรือจะคิดว่าเครื่องบินราคาถูกหากเกิดพลาดพลั้งจะได้ไม่สูญเสียมากหรือว่าเป้าหมายเป็นเป้าหมายที่ไม่สำคัญการโจมตีครั้งนี้จึงเป็นเพียงการโจมตีตามแผนอําพรังเท่านั้นแต่ก็ช่างเถอะนะจ่าดาวเหนือคิดอยู่ว่าอะไรก็ได้สาหรับพวกเขา การที่ต้องพิถีพิถันนั้นเนื่องจากความสําคัญของเป้าหมายของภารกิจที่พวกตนต้องไปทํานั้นต่างหากที8ี่สิบใช่ไหมนอนสตาคงใช่นะเมเจอร์ไก่มงพวกนั้นแหละที่เป็นนักบินเมเจอร์ติดต่อเองก็แล้วกันรหัสมันบลูสกายบลูเชียสจ้าแถวเหนือแก้งแปลงคําด่าของอเมริการให้ใกล้เคียงกับรหัสม้งนักบินด้วยความหัวเสียไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการนอนพักฟังเสียงเครื่องบินเข้ามาแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเมเจอร์โรเจอร์แต่ตามลําพัง ซึ่งเมเจอร์ทั้งสองคนก็ไม่ได้ว่าอะไรทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่ว่าเกมนี้มันจะเป็นอย่างไรแต่ก็พยายามประคองให้เกมมันเรียบร้อยให้ได้และทั้งเครื่องใกล้เข้ามาไม่มีแสงสัญญาณไฟจากตัวเครื่องเพื่อป้องกันการตรวจจากทางพื้นดินสาย้ารจาก b l u ู s ก y เปลี่ยนนักบินมงเรียกลงมาด้วยสมเนียงภาษาอังกฤษแบบมงที่ฟังแล้วทำแมงหูฉมัดนักบินเรียกมาหลายครั้งแต่ทางภาคผืนแกล้งไม่ตอบ พันตรีโรเจอร์เปิดเครื่องแจ้งที่อยู่อัตโนมัติไว้แล้วถึงอย่างไรมันก็ต้องบินมาตรงทิศอยู่ดีทํามันไม่มาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะไปไหนสัมซันจากบลูสกายเปลี่ยนนักบินหมองเรียกลงมาอีกพันตรีโรเจอร์เห็นแล้วว่าใกล้เข้ามามากจึงไม่อยากจะให้เสียงานจากสซมซันเปลี่ยนเฮ้ hey, แซมซันผมเรียกไปตั้งนานแล้วทําไมคุณถึงตอบล่ะเชี่ยหลับอยู่วิคนตอบด่าไปในวิทยุด้วยความหมั่นไส้ โอเคแซมสัน okay, เป้าหมายอยู่ไหนบอกมาเลยผมกําลังมันนั่นคือสํานวนความขี้คุยของมันที่ติดมาจากสายเลือดชนิดที่เรียกว่าผู้สืบสันดานได้เลยมึงอย่าคุยมากมึงอย่าคุยเดี๋ยวถ้ามึงเจอสามเจ็ดแล้วมึงจะร้องหาแซมสันไอ้เปรทพันตรีโรเจอร์ด่าไปทางวิทยุอีกซึ่งมาถึงตอนนี้นักบินลำที่บินนําหมู่บินเลยแนวตรงดิ่งจากขัวไปไกลแล้วคนที่อยู่ทางภาคพื้นโหัวเราะที่เห็นความเดือดดาของนักบินในเมื่อมันก็รู้อยู่แล้วว่า พวกทางพื้นดินนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนทำมันดูสัญญาณจากจอเรดาร์พิเศษที่รับสัญญาณจากพวกทางพื้นดินได้พันตรีโรเจอร์เตรียมที่จะแก้เผ็ดไอ้นักบินมงคนแรกทันทีไอหนีต้องแกล้งเสียให้เข็ดเครื่องบินที่เดิมสร้างมาสำหรับเป็นเครื่องบินฝึกเรานำมาแก้ไขดัดแปลงหรือเพิ่มเติมอุปกรณ์เพียงเล็กน้อยจนสามารถเป็นเครื่องบินโจมตีได้ T28 หรือที่เราเรียกว่าเตซ8จานวน4เครื่อง บินเรียงลําดับกันมาด้วยระยะต่อที่ห่างพอสมควรคงจะกลัวชนกันเองกลางอากาศนั่นแหละจึงต้องบินให้ห่างกันเข้าไวจ้าดาวเหนือนอนเพ่งตามมองไปบนท้องฟ้าแม้จะมองเห็นตัวเครื่องไม่ชัดเจนแต่บางครั้งประกายไฟที่ออกจากท้ายเครื่องยนต์ก็พอจะช่วยให้จับจุดที่อยู่ของเครื่องได้ลําแรกบินผ่านไปยังไม่คิดที่จะวกกลับมาต้องบินให้เลยไกลออกไปทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ลําที่ตามหลังมาได้ตั้งตัวทัน จนกระทั่งได้ระยะที่พอสมควรนักบินลำนําหมู่คงจะสั่งการให้ลำต่อไปตามไปทางขวาเตรียมที่จะบินเป็นวงเครื่องที่สองสมสี่ตามมาห่างด้วยระยะที่ห่างกว่า 1,000 เมตรมันจะเอาอยัางไรของมันนะเมเจอร์ Major? จ่าดาวเหนือถางพันตรีโลเจอร์เพราะลำาญในความยืดเยื้อของนักบินมงพวกนั้นปล่อยมันไปก่อนเถอะนอสตา่ายๆเราก็ไม่ได้หวังผลจากการโจมตีครั้งนี้นี่น่ะคอยระวังแต่ว่ามันจะเล่นกับบาลเราเท่านั้นก็พอ ก็คงงั้นแหละแต่ผมและโอเสี่ยวก็บานไม่ได้ทุกทีเซีเ่ยวพันตรีโรเจอร์รอเสียงเรียกทางวิทยุที่จะเรียกลงมาแต่ก็ไม่เห็นเรียกสักทีก็ยังใจเย็นพอที่จะรอต่อไปกะว่ารอกระทั่งมันพร้อมแซมสั้นจากบลูสกายเปลี่ยนจากแซมสัน้นเชียมึงเป็นบลูสกายหมายเล่อะไรทำไมไม่บอกลงมาแล้วกูจะไปรู้ด้วยนมึงคนไหนที่เลือกมาอีเวนทัางพื้นดินด่าขึ้นไปอีกเพราะมันหน้าด่าจริงๆขอโทษขอโทษขอโท ษ, โทษด้วยสัน้นผมลืมบอกไป จากบลูสกายหน่งเโอเคมึงจะบินกันไปถึงไหนวะเนี่ยตอนนี้พวกศัตรูมันขุดบังเกอร์รอรับมึงเสร็จตั้งนานแล้วเมื่อไรมึงจะ จ, จัดการสักทีครับแซมซันขอทราที่อยู่หน่อยสิเปลี่ยนที่อยู่ใครของแซมซันนั่นแหละโถ่ไอ้เปรตก็ที่เรดาร์เช็ควิกากาภาคพื้นในเครื่องมึงไม่มีหรือไงโอ้แซมซันผมลืมเปิดอะโอเคโอเคตอนนี้เปิดแล้วเปลี่ยนเอา้ามึงไม่ได้เปิดเครื่องตั้งแต่ทีแรกแล้วมึงมาถูกได้ไงวะ ผมมาตามเครื่องนำทิศอัตโนมัติอ่ะทางหอควบคุมขอให้ที่ทางบินมาพันตรีโรเจอร์และคนอื่นๆที่อยู่ด้วยถึงกับสายหัวด้วยความเบื่อหน่ายต่อความช่วยของนักบินเออดีนี่ถ้าทางหอควบคุมขอให้มึงบินไปไหนต่อไหนมึงก็ตามขอไปใช่ไหมสมมุติว่าขอให้มึงบินไปนูน่นเวียดนามเหนือมึงก็ไปใช่ไหมเนี่ยไม่หรอกนะแซมสันแถวๆนี้ยผมเคยบินมาบ่อยนักบินยังไม่ไหวที่จะคุยโวออกใม่ อ, อ, อีกตามนิสัยดั้งเดิม ผลข้างล่างแม้จะหม่นไส้แต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงกับมันดีโอเคแซมซัน okay, ตอนนี้เห็นสัญญาณที่อยู่ของคุณแล้วมีสัญญาณไฟสีเหลืองโชว์ให้เออนั่นแหละนั่นะเป็นที่อยู่ของกูนุ้ยไม่ใช่ที่อยู่ของศัตรูอย่าเสกทิ้งระเบิดลงมาล่ะสามอีกครั้งสัญญาณไฟนั้นเป็นที่อยู่ของกูไม่ใช่ของศัตรูทราบแล้วทูลคําสั่งด้วยเปลี่ยนครับทราบครับสัญญาณไฟคือที่อยู่ของแซมซันเปลี่ยนเออถูกต้อง ที่หมายจากจุดที่ตั้งของกูทิศทาง40องศาระยะ 2,500 เมตรครั้งแรกให้ใช้พลูสัญญาณทำแลนด์มา ก, ก่อนโอเคไหมเปลี่ยนพันตรีโรเจอร์ไม่ไว้ใจฝีมือไอ้พวกนี้อมมากๆกดเลยให้นักบินใช้พลูสัญญาณทำการยิงลงสู่เป้าหมายก่อนแล้วจึงจะปรับการยิงให้ในครั้งต่อไปโอเคสันส้นๆคอยบลูสกายหนึ่งตอบลงมาเราเริ่มตีวงห่างออกไปเตรียมที่จะหาแนวทางการบินใหม่ในการเข้าหาเป้าหมายนักบินที่พอจะเป็นอยู่บ้าง อมออกทางด้านหลังแล้วตั้งแนว40องศาหมายบินผ่านเหนือหัวพวกทางพื้นดินในขณะเดียวกันบรูสไก่สามเครื่องแยกตัวห่างเออปลดเลยไม่ต้องคุยไอเวนเอาให้ลงให้ได้นะมึงถ้าไม่ลงกูจะดา่ามึงให้แน่นอนสามสั้นคอยดูรู้สึกว่านักบินมงคนนั้นไม่ยอมลดเรื่องราคาคุยลงมาเลยด่าทเท่าไหร่มันก็เฉยเหมัอนไม่รู้สึกมันบินผ่านเหนือเป้าหมายออกไปไม่มากนักเราหักลํำ90องศาเตรียมที่จะไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง คลาวนี้ใช้เวลาไม่นานการตั้งลาก็พร้อมบลูสกายหนึ่งลดความสูงลงมาอีกเล็กน้อยเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มแรงกว่าเดิมและทั้งสิ่งที่ต้องการปรากฏขึ้นตอนที่24หน้าปามขนาด250อห้าสปอนด์ที่บรรจุเชื้อเพลิงความร้อนล่นกระทบพื้นลูกไฟขนาดใหญ่ลอยไปตามทิศที่เครื่องบินบินไปตามหลักการเคลื่อนของวัตถุ กลายเป็นสายเพลิงที่โหมยังรุนแรงบลูสกายยังตกหลังมากไปลดลงมาอีกเจ0ดร้อยเปลี่ยนสแสดงว่านักบินปลดระเบิดช้าไปเล็กน้อยระเบิดจึงตกห่างไปทางด้านหลังผันตรีโรเจอร์จัดการปรับให้อีกครั้งไอ้บลูเชียสหนึ่งคราวนี้ถ้าไม่ลงกูจะด่ามึงให้เสียหมาเลยนะมึงโอเคสันส้นๆคราวนี้รับรองเดี๋ยวผมออกไปบินนอกบริเวณเพื่อเปิดโอกาสให้บลูสกายหนึ่งทงานได้เต็มที่ก่อนบลูสกายหนึ่ง ตั้งลำได้ที่นักบินถือหางรักษาทิศทางบินตรงดิ่งบนความสูงประมาณ 3,000 ันฟุตเราเริ่มการยิงทันทีผู้สัญญาณไฟที่มีการทํางานคล้ายจรวดที่ใต้ลาตัวเครื่องพุ่งออกไปมองเห็นลําแสงเป็นทางยาวใต้ท้องเครื่องทอดเข้าหาที่หมายบนพื้นดินกระทางกระแทกเข้ากับพื้นดินระเบิดตัวเองด้วยเสียงไม่ดังนะักลูกไฟขนาดยอมสว่างวาบขึ้นโดยผลการทํางานของสารเคมีประเภทฟอสฟอรัสท่ามกลางแสงสว่างที่เห็นวาบเดียวนั้น ควันสีขาวเงินยวงลูกกล ม, ก ล, มลอยอยู่บนพื้นแล้วค่อยๆลอยตัวสูงขึ้นการที่ลมสงบช่วยให้ควันนั้นลอยอยู่ที่เดิมพลาดไปจากจุดึ่นกลางเป้าหมายทางทิศไม่มากเท่าไหร่แต่ทางระยะที่ห่างไปด้านหลังนั้นออกจะมากสักหน่อยพันตรีโลเจอร์ตัดสินใจเสี่ยงทันทีทางนี้เพราะไม่อยากเสียเวลากับนักบินพวกนี้โอเคบูสกามึงบินแนวทิศทางเดิมอีกครั้งนาแล้วมาไซค์สอ0ลดลงหน0โอเคไหม โอเคแซมซังแสดาว่าตกหลังมากไปคราวนี้ไม่พลาดแนะ่ปลดระเบิดเลยนะเออนะ่ะอะไรก็ได้สําหรับมึงเอา้าเร็วเข้ากูชักจะง่วงแล้วพันตรีโรเจอร์ชักจะลคาคัญหนักขึ้นก็เลยตัดบทไม่อยากจะต่อปากต่อคํากับมันอีกรูกสกายหนึ่งบินเข้าแนวเดิมอีกครั้งด้วยความมั่นใจใช้เวลาเดียเด่ยวๆเพราะคราวนี้ไม่ต้องบินไปตั้งหลักให้ไกลลดความสูงลงมาอีกหนึ่งพันฟุตเสียงที่แสบแก้วหูอยู่แล้วคราวนี้คนที่อยู่ข้างล่างต้องเอามือ เสียงระเบิดลูกที่สองดังรุนแรงกว่าเดิมมากพอะคราวนี้มันตกใกล้เข้ามาทางที่อยู่ของชุดปฏิบัติการพันตรีโรเจอร์ถึงกับสะดุ้งเพือกที่เห็นความผิดพลาดของนักบินที่โหมบลูสกายหนึ่งไอ้มองวะไอ้เรกไอ้เวนมึงจะบ้าหรือไงวะรู้ไหมคราวนี้มันใกล้กูมาจนจะหล่นใส่ก บ, บานกูอยู่แล้ไอ้เวนขอโทษขอโทษขอโทษที ส, สั้นๆมือไวไปหน่อยส้นตีนเะน่ยขอโทษถ้าเกิดมันหล่นกลางก บ, บาลกูจริงจมึงจะมีโอกาสมาขอโทษกูหรอว ไปไปให้ไกลเลยมึงไปไปลงในโลกซน ะ, ะเราไม่ต้องมาไอ้กูเห็นหน้าอีกไปไม่เชื่เบาเสียงหน่อยพันตรีโรเจอร์หัวเสียเอามากๆเลยใช้เสียงด่าแรงไปหน่อยจนจ่าดาวเหนือต้องเตือนสติพกเกรงว่าจะดังออกไปไกลแผนการที่พันตรีโรเจอร์วางไว้ว่าบลูสกายคนต่อไปให้เข้าโจมตีแบบตรงหน้าเลยโดยเขาจัดทิศ90องศาหรือสองร้อองศาก็ได้เพื่อความรวดเร็วเนื่องจากมีเป้าหมายที่แน่นอนแล้วมาถึงตอนนี้จะเอาอย่างที่คิดไม่ได้เสียแล้ว เพราะเกิดมีหลักฐานเป้าหมาย2 อ, อันกลัมันจะงงว่าอันไหนเป็นอันไหนไอ้บลูสกายสมึงเข้าโจมตีแนวสี่สีโปร่งใสอย่างเดิมหลักฐานเป้าหมายเอาตรงที่บลูสกายหนึ่งมันหย่อนลงไปครั้งแรกโอเคไหมเปลี่ยนต้องให้มันบินตามแนวทางบินเดิมถึงจะต้องเสียเวลาหน่อยก็ต้องยอมโอเคสั้นๆที่สิปดลำที่สองเข้ามาแทนที่ลำแรกหลังจากที่บินแยกออกไปแล้วใช้เวลาอีกนิดเดียวไอ้ลำที่2ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะขี่โม้เหมือนลำแรกไหมก็พร้อม บนเส้นแนวบินความสูงประมาณสามพหรือกว่าเล็กน้อยเราจัดการย่อนนาปามลูกแรกจะปิดด้านขวาลงทันทีไอเวนหลักฐานแรกไว้ไม่ใช่หลักฐานหลังอันแรกอันลร ก, ลกมึงเข้าใจไหมพันตรีโหรเจอร์ต้องด่าขึ้นไปอีกเมื่อนาปามลูกนี้ตกสูงกว่าลูกที่สองของไอคนแรกไม่มากนักซึ่งมันใกล้มาทางที่พวกเขาอยู่มากกว่าที่ใกล้ไปทางลูกแรกเสียอีกโอเคซมสั น, สนไอนี่ออกจาพูดหน้อยแต่ก็ยังงี่เงาตามสัญชตาตญาณอยู่ โอ้ควายมึงไปไหนก็ไปเลยไปให้ไกลเลยไปพุกมึงอะเลิกบินได้แล้วไปคราวนี้ม้งบลูสกายสไม่ตอบลงมาทาั้งทังที่ได้ยินเสียงที่ด่าขึ้นไปเพราะลูกที่2ที่ย่อนลงไปมันใกล้เข้ามาอีกอยู่ดีจากนั้นมันจึงตีวงออกขวาตามเครื่องแรกไปลําที่3มตามเข้ามาพันตรีโรเจอร์ที่ทําหน้าที่ฟอร์วาร์ดแอร์ไกด์หรือ FAG ต้องถอนหายใจเพราะไม่รู้ว่าม้งคนนี้จะเหมือนไอ้2คนแรกหรือเปล่าเชื่อว่าคงจะไม่ได้ดีกว่าแน่ เราไอ้คนแรกที่เป็นหัวหน้าฝูงฝีมือมันยังสัวขนาดนั้นเราลูกฝูงจะสัวแค่ไหนแต่ก็ต้องทนให้มันจัดการตามภารกิจต่อไปไอ้บลูสกายสามึงเข้ามาทางเดิมตามที่เขาเข้ามากันนั่นแหละเอาหลักฐานกองไฟกองที่ไกลสุดนะอย่าเซิรย่อนให้ต่ำลงไปละ่ะถ้าต่ำลงไปแล้วก็กูสอยมึงลงมาตัด ห, หั่มแน่สบายใจได้สั้นๆรับรองไม่ผิดหวังแนะ่ส้นตีนเนี่ยกูตายแล้วสิถึงไม่ผิดหวังมึงอย่าโม้เอาย่อนลงไป เป็นอันว่าที่จะปรับให้ตำบลระเบิดกระจายครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายนั้นทำไม่ได้เอาเลยเพราะหลักฐานจากตำบลระเบิดไม่แน่นอนนาปามทั้งสี่ลูกที่ลงไปแล้วนั้นตำบลระเบิดเป็นรูปแนวยาวตามทิศทางบินแทนที่จะย้ายทางข้างเป็นอันต้องรอไปก่อนทียี่สิแปดลำที่สามที่มีเขาว่าคงจะพอๆกับไปสองลำแรกผม เ, เมื่อฟังจากการคุยของมันแล้วไอ้นี้ก็คงไม่ดีกว่าคนอื่นแนะ่ลูกแรกจากปีกขวาย่อนลงมา จากดาเหนือกับลูกน้องที่นอนดูอยู่หัวเราะออกมาด้วยความขบขันไอ้ควายเอ้ยมึงอันหนักกว่าใครทั้งหมดเลยนะมึงมึงไม่เห็นจุดเท่คนแรกมันทิ้งไว้ให้หรอวะโถ่ไอ้ควายไอ้ประสาทแดกมึงบินให้ต่ํากว่านี้ไม่ได้หรือไงไปเลยมึงออกไปออกไปเลยวกูจะให้ลําที่สี่เข้ามาไปพันตรีโรเจอร์ได้ยังดุเดือดเท่าที่อยากจะดา่าไอ้ลาที่สามเพิ่งจะทิ้งลงมาได้ลูกเดียวนักบินกลับถูกไล่ให้ออกไปแฝงฟันจะไปได้ไงของผมยังเหลืออีกลูก เออเรื่องของมึงกูไม่เอาแล้วมึงจะไปไหนก็ไปไปเลยมึงรู้เรื่องมามกูบอกให้ไปไอ้ลําที่สามต้องบินให้ห่างออกไปทางขวาตามที่สองลำแรกบินไปก่อนนาปามอีกลูกที่เหลือจะสร้างปัญหาให้กับนักบินเป็นอย่างมากเพราะเครื่องบินนั้นถ้ามีระเบิดติดอยู่มันจะลงสนามไม่ได้เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุขณะลงได้ดังนั้นทางแก้ของเครื่องบินก็คือต้องไปหาที่ปลดระเบิดทิ้งเสียก่อนจึงจะลงได้ความจริงเรื่องนี้พันตรีโรเจอร์หรือทุกๆคนต่างก็รู้ดี แต่ก็หาเรื่องแกล้งมันไปเสียอย่างงั้นแหละลําที่สามต้องจําใจบินผ่าออกไปเครื่องที่หนักด้านเดียวทําให้นักบินต้องคอยระมัดระวังตลอดเวลาแน่นอนที่เครื่องจะต้องทํางานหนักข้างใดข้างหนึ่งการทําให้น้ําหนักไม่สมดุลอย่างนั้นโอกาสที่เครื่องจะเกิดอุบัติเหตุก็ย่อมจะมีแต่พันตรีโลเจอร์ไม่สนใจถึงมันจะตกมาตายก็ช่างหัวมันบรูซไกซี่พร้อมแล้วเข้ามาได้เลยทิศทางเดิมน่ะมึง40องศาบนแนวที่ขอทิ้งกันนั่นแหละ มึงอยากทิ้งโรงไหนก็เชิญเลยแต่อย่าเสกทิ้งโรงพ บ, บาลกูแล้วกันโอเคแซมซัน่นแล้วบูสกายสามล่ะเขาเหลืออีกลูกไม่ใช่เหรอเออมันเหลื อ, อ ก, กี่ลูกก็ช่างมาั่งเถอะมึงไม่ต้องมาสนใจกูบ่อยมึงเข้ามามึงก็เข้าม า, ม า, มาไม่ต้องถามเข้ามาเอา้าแล้วบูสกายสมแล้วมันออกไปหรือ ย, ยังช่างมันมันจะออกไม่ออกก็ไม่สําคัญมึงเข้ามาเลยถ้ามันไม่ออกก็ชนมั่งเลยสิ ว, วะคนที่นอนฟังอยู่ข้างๆต่างพากันคบขันกับวิธีการของพันตรีโรเจอร์ที่หาเรื่องแกล้งนักบินมงพวกนั้นความจริงแล้ว ทุกคนต่างเห็นใจพันตรีโรเจอร์ที่ต้องมาผจนกับไอ้พวกนี้คิดว่าถ้าเป็นตัวเองก็ต้องสั่งอย่างนี้เหมือนกันเผ่อเผ่อบางทีอาจจะหาเรื่องยิงมันเสร็จเลยด้วยซ้ำไปเอาเอาก็เอาแซมสันงั้นผมเข้าเลยนะเออเข้ามาเลยบรูเชสตีมงคนสุดท้ายบินอ้อมไปไกลกว่าใครทั้งหมดในกุนวนที่มานั้นสแสดงว่าฝีมือมันจัดว่าอ่อนที่สุดดูมันสิวะไอชิบหายเอ้ยจะอ้อมไปไหนนักหนา คนที่นอนฟังพันตรีโลเจอร์บนยุคนเดียวตามประสาค้คนหัวเสียพากันขยับเพื่อผ่อนคลายความไม่สบอารมณ์กับการทำงานของไอ้นักบินพวกนี้บรูซไกส่ย่อนลงมาแล้วคราวนี้มันไกลกว่าลูกแรกออกไปทางด้านหลังเกือบหรือเจ้าก่า 1,000 ่พันเมตรด้วยซาำดูเหมือนไอ้นักบินคนนั้นจะรู้ตัวเองดีว่าต้องถูกด่าอีกแน่แ ส, สัน้นๆไปงานฝีมือผมยอดเลยใช่ไหมข้างบนแกลงพูดยั่วลงมาเพราะรู้ว่าต้องถูกด่าแน่ อีกควายอีขี้โมไปเลยมึงไปไกลๆจะไม่ให้กูเห็นหน้าอีกไปลงในลกไปอีกลูกนะแซมซันไม่เอาไม่ต้องไปได้เอ้าเดี๋ยวขงกูเข้าเกียวพื้นที่เองถ้าขืนมึงเข้าไปอีกนะกูจะสอยมึงลงมาหนะ้าไปเอา้าแล้วที่เหลือผมจะเอาไปไงนะ่ะเอาไปทิ้งใกล่บ้านมึงสิวะเอานะแซมซันนะขออีกลูกหนึ่งนะนักบินพยายามที่จะอ้อนให้ได้แต่พันตรีโรเจอร์ไม่ยอมเพราะต้องการที่จะแกล้งมัน ไม่เอาไม่ได้ตอนนี้คนของกูเข้าไปแล้วนะมึงถ้ามึงไม่ออกไปคนของกูยิงมึงแน่อ้าไม่เชื่อมึงลองเข้ามาเข้ามาเอาเอ า, เอาไม่เข้าก็ไม่เข้าโชคดีนะแซมสันงั้นผมกลับก่อนละเออมึงจะไปตายหงตายห่าที่ไหนก็ไปพวกนรกทํางานไม่ได้เรื่องดูสกายทั้งสี่ลำคิดว่าพวกทางภาคพื้นดินจะเข้าเกลียพื้นที่จริงก็เลยต้องตัดสินใจบินแบบเอียงกระเทยเลยกับสนามบินรู้แล้วว่าทางสนามนั้นเขาไม่ยอมให้ลงแน่ต้องให้ไปปลดระเบิดก่อน แต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าจเจ้าระเบิดไปปลดทิ้งที่ไหนที่จริงนั้นถ้ามันฉลาดกว่านี้มันน่าจะรู้ดีว่าไม่มีนักลบที่ไหนหรอกที่จะเข้าเคลียร์พื้นที่ในตอนกลางคืนนอกจากนักลบพวกนั้นจะมีตาทิพย์ที่มองเห็นได้แบบตอนกลางวันหรือสามารถหายตัวได้นั่นแหละจึงจะทําเดี๋ยวเฉพาะไอ้บลูสกายสถ้ามันจะทิ้งทีเดียว2ลูกเลยใครจะทําอะไรมันได้นอกจากโดนดา่าซึ่งก็คงดีกว่าต้องบินเอียงตัวกลับหรือถ้ามันจะดื้อเข้าไปปลดใครก็ทําอะไรมันไม่ได้อีกนั่นแหละ แบบนี้ไม่เรียกว่าโง่บริสุทธิ์แล้วจะเรียกอะไรล่ะตอนที่ยี่สิบห้าที่28ทั้งสี่เครื่องหลังจากที่โดนไล่แห่ให้กลับบ้านเก่าต่างหัวเสียไปตามๆกันมันเองก็พยายามที่จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดแล้วแต่เมื่อผลมันออกมาเป็นอย่างนี้ก็สุดที่จะฝืนเมื่อต้องโดนดา่าก็เลยต้องยอมรับ ระเบิดนาปาล์มลูกที่ยังคายอยู่ใต้ปีกของบลูสกาย3ามบลูสกายสนี่สิมันออกจะหนักเอากาันเครื่องที่บินแบบบังคับแผ่นหางและแผ่นปีกย่างหนักตลอดทางอาจทําให้หลุดได้และเมื่อ น, นั้นแหละถ้าเครื่องไม่ม่งโลกก็ต้องบินหายไปในอวกาศนอกโลกไปเลยเพอไม่สามารถบังคับเครื่องได้นับว่าคราวนี้ไอ้มองสองคนนี้ได้รับบทเรียนที่เจ็บแสบที่สุดจากการถูกลงโทษเมื่อทํางานไม่สําเร็จนั้นดูจะไม่แปลกหนัก แต่การทําโทษแบบนี้มันเสี่ยงกับความตายชัดๆคิดอยู่เหมือนกันว่าพันตรีโรเจอร์ไม่น่าจะมาทําโทษกันแบบนี้เลยบลูสกายทั้ง4คิดไปบินไปด้วยความระมัดระวังบางครั้งต้องผ่อนให้เครื่องต้องเอียงไปตามแรงประทะของคลื่นอากาศที่มีความหนาแน่นไม่เท่ากันแล้วจึงค่อยๆดึงกลับมาให้ตรงทิศทางอย่างเดิมลองแบบนี้เผลอๆอาจจะเอียงไปชนกับลำที่อยู่ข้างๆก็ได้มันก็ตายเหมือนกันอีกนั่นแหละรวมแล้วเป็นว่างานหนี้มีเตเจ้ากับเกจง คิดแล้วไม่คุ้มค่ากับเงินชั่วโมงบินที่ได้รับเลยชุดปฏิบัติการทั้ง16ยังนอนนิ่งอยู่ที่เดิมบางคนหลับไปแล้วตั้งแต่เสียงเครื่องที28เบาลงตามวิสัยของคนที่หลับง่ายแบบไร้กังวลคงเหลือคนที่รับผิดชอบหน้าที่เวียนยามเท่านั้นที่ต้องตื่นอยู่ต่อไปอีกความเงียบเขาปกคลุมทั่วบริเวณอีกครั้งเสียงไม้ประตูไฟที่คงดังแรงแว่วมาให้ได้ยินในบางครั้งเผลงกองใหญ่ลุกลามขยายวงออกไปอย่างน่ากลัว ลมที่สงบเมื่อมีความร้อนเกิดขึ้นกับตลบตัวหมวนเอาเปลวไฟให้สูงขึ้นแล้วกระเด่นไปติดเชื้อเพลิงข้างๆเขาอีกไม่รู้เหมือนกันว่าตะเกียงห้าดวงนั้นยังมีสภาพที่ใช้งานได้อยู่อีกหรือไม่คงไม่มีปัญหาอะไรถ้าจะเอาระเบิดนาป่ามไปแลกกับตะเกียงหลวแบบหนึ่งต่อนหนึ่งอย่างนี้เพราะกองทัพสหรัฐอเมริกานั้นเษตีสงครามอยู่แล้วไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นการขี่ช้างจับตะกะแตนแต่อย่างใด เช้าวันรุ่งึ้นที่ทุกคนตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่มองไปคือกลุ่มควันที่พุ่งพวยออกมาจากที่ที่นาปามหล่นลงไปความยาวที่เกิดไฟลุกนั้นคิดเป็นระยะทางกว่าสองกิโลเมตรมันน่าจะเกิดเป็นไฟไม่ป่าไดา้ในหน้าแรงแบบนี้อยากรู้เหมือนกันว่าบริเวณนั้นมันเป็นอะไรกันแน่เมเจอร์ Major, อยากเข้าไปเคลียรพื้นที่ไหมครับในดงไฟนั่นน่ะเหรอน่าจะให้เมเจอร์คอนลินน่ะเพราะอาจจะได้ใบหูเพิ่มขึ้นอีกพันตรีโลเจอร์ไม่ตอบด้วยเหตุผลของตัวเอง แต่กลับเลี่ยงไปที่คนอื่นคมไม่ได้หรอกนอสตาผมว่าศพมันคงเละจนหายชิ้นส่วนไม่เจอแล้วมั้งผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันไงก็ต้องฝากเมเจอร์โรเจอร์รายงานผลการทิ้งระเบิดคราวเนี้ให้เคเนลทราบด้วยแล้วกันครับจ่าดาวเหนือเลยย้อนมาที่พันตรีโรเจอร์อีกครั้งตามความเป็นจริงนั้นถ้าตรงนั้นมันเป็นที่ตั้งของพวกเวทโกงจริงและถ้ามันโง่ยอย่างที่คิดเชื่อว่าป่านนี้เวียดนามทั้งประเทศคงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเราไปนานแล้วแต่นี่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น เรื่องมันกลับกันพเพราะรานั้นสูเวียดนามไม่ได้ห่างกันหลายขุมคิดดูก็แล้วกันว่ากว่าที่มันจะเริ่มโจมตีหรือย้อนระเบิดลูกแรกได้นั้นมันปล่อยเวลาให้ผ่านไปตั้งมากมายตอนนั้นถ้าพวกเวียดกงมันยังขุดหลุมไม่เสร็จก็ยังมีเวลาขุดได้อีกการประมาณค่าที่เกิดจากการโจมตีครั้งนี้ชุดปฏิบัติการเข้าใจว่าไม่มีผลทางการทําลายแต่อย่างใดโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรือแม้แต่อาคารสิ่งก่อสร้างก็เหมือนกัน เราตำบลระเบิดไม่มีการกระจายจนครอบคลุมพื้นที่พันตรีโลเจอร์มองที่มองสองคนที่มาในฐานนาลามเห็นมันท่าทางอิดโรยผิดปกตินอสตาดูมองสองคนของเราสิผมว่ามันสูบซีดผิดปกตินะจ่าดาวเหนือมองตามไปที่มองสองคนอย่างพิจารณายีฟูเซงกอมา น, นี่สิทั้ทงคู่วิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วทันทีไอ ย, ยีฟูวิ่งออกมาได้สองสามก้าวต้องชะงักรอหันกลับไปคว้าปืนที่วางไว้ข้างเป้สนาม คงจะเข็ด จ, จากที่เคยโดนหัวหน้าใหญ่ฟาดมาแล้วเรื่องไม่ให้ปืนห่างตัวกระทั่งมาถึงตัวคนเรียกเซิงกอมึงเคยเป็นมาลาเรียหรือเปล่าไม่เคยครับหัวหน้าใหญ่มึงไรยีฟูไม่เคยเหมือนกันครับแต่มึงสองคนหน้าตาซี๊ดเซวผิดปกติว่ะมึงกินยาเม็ดป้องกันมาลาเรียหรื อ, อยังกินแล้วครับกินเมื่อไหร่กินเมื่อวันที่ออกเดินทางจากเวียงจันทที่ไอ้เปียกเอาให้กินนั่นแหละครับแล้วตั้งแต่ออกป่ามาเนี่ยมึงได้กินอีกหรือเปล่ายังเลยครับหัวหน้าใหญ่อา้าวทาไมล่ะ ก็ค่าน้อยไม่ได้เป็นไข้นี่หัวหน้าใหญ่กูก็ไม่ได้บอกว่ามึงเป็นนี่ว่ะแต่ที่ให้กินะเป็นการป้องกันเว้ยแล้วกูก็บอกมึงแล้วใช่ไหมว่าครบเจ็ดวันแล้วให้กินอีกเพราะยาเม็ดหนึ่งมันป้องกันได้เจดวันแม่มึงนี่มันปัญหาเยอะชิบหายเลยว่ะกูกว่ากูลบกับไอ้แก้วยังไม่มีปัญหามากเท่ากับลบกับพวกมึงเลยไปไปกินซะจาดาวเหนือไล่ให้กลับไปเราหันมาทางพันตรีบริกันทั้งสองอีกครั้งผมไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ ผมว่าเมื่อคืนมันคงตกใจกลัวมากเกินไปนั่นแหละทั้งกลัวทั้งนอนไม่หลับก็เลยดูซุบซีดไปยังไงวันพรุ่งนี้ค่อยสังเกตอาการมาอีกทีดีกว่าชุดปฏิบัติการออกเดินทางต่อทันทีหลังจากที่เรียบร้อยอาหารเช้ารูปแบบขบวนเดินทางยุทธวิธียังใช้อย่างเดิมคือแยกกันออกเป็นสี่ชุดจ่าดาวเหนือสั่งให้ชุดนำตัดออกจากเส้นทางนั้นเราใช้วิธีการเดินแบบสันเขาที่ไม่มีใครใช้กันเผื้นดินพื้นหินที่แข็งแกร่งหญ้าแห้งที่เกลียมกรอบพออากาศแห้งแลง้ง กับป่าที่ค่อนข้างโปร่งช่วยให้การระวังร่องลอยในการเดินทางทำได้ง่ายขึ้นในช่วงแรกของการเดินทางแต่ละคนออกจะอึดอัดเพราะในกระเพาะที่อัดเนื้อกวางย่างเทียนมงกับไอเปียกพรานสมัครเล่นหามาได้พวกเล่นกินกันจนเกินอิ่มพันตรีเมริกันถึงกะบ่นว่า overeat เพราะอร่อยในรสชาติ ยอดเนินที่สูงสุดของเนินสกายไลด์ดูโดดเด่นอยู่ทางด้านขวาที่ห่างออกไปสักห้าถึงหกกิโลเมตรเห็นจะได้จากดาวเหนืออดไม่ได้ที่จะใช้กล้องส่องสองตาส่องมองไปก็ไม่ได้คิดว่าจะดูอะไรหรอกแต่มันอดไม่ได้เมื่อรู้ว่าที่นั่นเป็นที่ตั้งฐานปืนใหญ่ของทหารเสือพรานที่อาจจะมีเพื่อนร่วมรุ่นอยู่บ้างเท่านั้นทางด้านซ้ายที่ห่างออกไปเท่าๆกัน มองเห็นทิวไม้ที่เขียวขจีพิษ ธ, ธรรมชาติของต้นไม้ในหน้าแหลงสีเขียวเชออุ่มนั้นต่อทอดกันเป็นแนวยาวจนน่าแปลกใจว่าทำไมไม่เป็นกลุ่มหรือเป็นเวิงอย่างทั่วท่วไปแต่กลับเป็นแนวที่ทอดยาวเหมือนกับธรรมชาติได้บรรจงแต่งไว้ให้จ่าดาวเหนือเพ่งมองอยู่อย่างนั้นพร้อมกับใช้ความคิดว่ามันคืออะไร แระทั้งแน่ใจว่านั่นคือแนวลำธารที่มีน้ําไหลตลอดปีลำธาร น, นั้นเกิดจากล่องเขาที่ลึกลงไปดังนั้นต้นไม้ส่วนใหญ่ที่อยู่บนยอดเนินจึงไม่มีโอกาสได้รับน้ําเหล่านั้นใจคิดอยู่ว่าหากเป็นพื้นที่ในประเทศไทยที่เคยออกกวาดล้างเหล่าผกคกนั้นหากพบลำธารแบบนี้เชื่อว่าที่ตั้งค่ายผกคกมันต้องอยู่ไม่ห่างไกลนักแต่ที่นี่จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ยังไม่ทราบจึงเก็บความคิดนี้ไว้เพียงลําพังก่อน เท้าที่ย่างก้าวไปนั้นไม่เร่งรีบแต่ก็มั่นคงที่จะไม่ให้เสียหลักในขณะที่เดินทางผ่านพื้นที่ที่เต็มไปด้วยก้อนหินเล็กใหญ่ที่ขึ้นตะปุ่มตะปั่มเต็มไปหมดอากาศเริ่มร้อนเมื่อเวลาเริ่มสายตะวันสูงขึ้นเรื่อยบนท้องฟ้าไม่มีแม้แต่เมฆสะกอนที่จะมาช่วยบดบังแสงแดดดูเหมือนยิ่งสายแดดยิ่งร้อนแต่ทัศนียภาพบนภูเขาสูงกลับอึมครึมการมองเห็นกระทำได้แค่ไม่เกินสองกิโลเมตร ทางนี้เนื่องจากหมอกแดดที่แผ่กระจายอยู่ทั่วบริเวณนั่นเองลักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องที่เป็นปกติของภูมิประเทศในลาวที่จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยจนโน่นแหละบ่ายโมงไปแล้วจึงจะจางขบวนเดินดำเนินต่อไปเลยการยึดเส้นทางยังคงเป็นประยางเดิมป่าที่เคยโปร่งแหง้งราบเรียบเริ่มยากขึ้นเมื่อความทึบและความสดของเราแมกไม้หนาขึ้นขบวนเดินต้องรักษาแนวทิศของที่หมายหากโมคิดแต่จะอ้อมหลบเพื่อหาเส้นทางที่ต้องการ หรือเส้นทางที่มีแต่ความสุขสบายแล้วคงไม่ถึงที่หมายแน่จ่ายุทธพงศ์ที่นำหน้าขบวนให้สัญญาณหยุดทุกคนหยุดแม้แต่จ่าดาวเหนือเองพี่ว่าไงยุทธทั้งสองคนใช้วิทยุติดต่อกันกองคาราวานอะพี่ยาวเหยียดเลยรายละเอียดอยีกหน่อยสิแถวขบวนคนทั้งผู้ชายผู้หญิงตอนนี้ที่เห็นไม่ต่ำกว่า30คนแต่ละคนแบกรังไม้เหมือนกันทั้งหมดมีคนถืออาวุธเหมือนจะเป็นคนคุ้มกันแทรกมาในขบวนเดินของพวกมัน ตอนนี้มันมุ่งหน้าไปทางทิศ ท, ที่เราจะไปนี่แหละห่างเราสักเท่าไหร่วะห้าร้อยเมตรในหุบเขาข้างล่างพี่คอยเดี๋ยวจะตามไปจาดาวเหนือหันมาบอกพันตรีมือริกันทั้งสองเป็นภาษาอังกฤ ษ, กฤษเพื่อความเข้าใจและทั้งสามก็ตามไปสมทบกับคนรายงานทันทีหัวขบวนมันอยู่ไหนวะจาดาวเหนือถามพร้อมกับปลดเครื่องหลังลงซึ่งพันตรีมือริกันทั้งสองก็ทําตามไม่เห็นนะพี่เพราะผมโพล่มนตรงนี้ก็เห็นในพวกนี้เลยจาดาวเหนือหาที่ซุ้มที่เหมาะ ทำเสียงร้องอือในลําคอเมื่อทราบคําตอบจากคนนําขบวนสมองกําลังคลุ่นคิดอย่างหนักมองขวามองสายไปตามแนวแถวของกองคารวานนั้นเล็กลงไปถามมันซิมันจะไปไหนกันวะคิดอะไรไม่ออกก็เลยแก้งพูดอําลูกน้องที่อยู่ไกลโถพี่ไม่ต้องถามหรอกไอพวกที่เราถล่มมันเมื่อคือนนั้นแหละมั้งเราพังค่ายมันมันก็ต้องหาที่ตั้งค่ายใหม่สิพี่คำพูดที่แก้งตอบของไอเล็กทําให้จ่าดาวเหนือชุกคิดขึ้นมาได้ทันที โอ้โหไอ้เล็กมึงนี่มันอัจฉริยะจริงๆที่มึงว่ามามันถูกว่ะไอ้เล็กไม่พูดพอรู้ดีว่าชั้นเชิงการอําของเจ้าดาวเหนือนั้นเหนือชั้นจริงๆหากไม่รู้จริงคืนพูดหรือยอมรับไปมิหวังเสียรู้แน่ก็เลยทํานิ่งแต่สีหน้ารู้สึกจะเก็บความรู้สึกไม่มิดอะไรอีกล่ะมึงเน่ะนี่กูพูดจริงๆนะเว้ยไม่ได้อํนะมึงจ้าดาวเหนือหันมาทางไอ้เล็กซึ่งคนอื่นๆก็มองที่มันคราวนี้ไอ้เล็กถึงกับหน้าจืด เราไม่แน่ใจว่าหัวหน้าชุดจะมาไม้ไหนตัวจ่าดาวเหนือเองออกจากสบายใจที่คิดออกแล้วว่าอะไรคือที่มาที่ไปของขบวนคาราวานเบื้องล่างนี้ความที่มีเวลาได้หันมาเล่นตลกกับลูกน้องเล็กครับพี่ทุกคนพากันหัวเราะในท่าทางของไอ้เล็กโดยเฉพาะเสียงครับที่แสนจะละ้อยกับยิ้มแย่ๆเป็นไรหัวหน้าชุดที่ชอบอ่ำลูกน้องในยามที่สบายใจพูดติดตลกออกไปอีกโดยท่าทางที่ทุกคนเคยโดนมาแล้วอะไรละพี่ ไอ้เล็กพูดแล้วก็ลุกหนีท่ามกลางเสียงโหเราะของคนอื่นซึ่งแม้แต่ตัวมันเองก็โหเราะงเลยเป็นอันว่าทุกคนในที่นั้นตั้งพากันโวเราะอย่างขบขันยกเว้นคนที่ต่างภาษาสี่คนเท่านั้นที่ไม่เข้าใจและไม่ใช่แบบฉบับตลกของเขาน่กูไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยพี่กําลังอามผมผมรู้หรอกนาะเอา้าไอ้นี่ไปกันใหญ่ละเรื่องโง่และฉลาดนักตอนกูอามมาเสกไม่รู้แต่ตอนที่กูไม่ได้อามกลับมาว่ากูอมัมมึงนี่มันแปลกคน ช่างผมเดียพี่ไอ้เล็กเลยหลบไปนอนเอกเนเกอยู่ทางด้านริมสุดของแนวซุ้มกูกาลังจะบอกมึงว่าที่มึงว่ามานะ่ะมันถูกแล้วตรงที่เราเห็นเมื่อคืนนี้นะ่ะเป็นที่ตั้งฐานรอยหรือไม่ก็เป็นที่ตั้งคลังอาวุธของมันตอนนี้มันกําลังขนย้ายไปหาที่ใหม่เพราะว่าที่ตรงนั้นมันเสียรับหรือไม่ก็ถูกทําลายลงแล้วมึงรู้ไหมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่นั่นแหละเสียงไอ้เล็กอย่างระห่อยออกมาอีกจากดาวเหนือโหเราะแล้วว่าต่อ ส น, นแนวต้นไม้ที่เขียวเป็นแถวอยู่ข้างล่างนั่นนะตรงนั้นมันเป็นลำธารทีนี้ถ้ามึงเดินย้อนหรือตามลำธาร น, นี้ไปมึงก็จะเจอรังใหญ่ของมันเข้าใจหรือยังทีเนี้ยคราวนี้ทุกคนเงียบกริบเพราะเหตุผลที่หัวหน้าชุดพูดออกมานั้นถูกต้องตามประสบการณ์ที่ทุกคนเคยพบมาก่อนจ่าดาวเหนือหันมาใช้แนวความคิดของตนเพื่อบอกเล่าให้พันตรีมรดกันทั้งสองคนได้เข้าใจอีกครั้งก่อนที่จะล้วงแผนที่ออกมาจากซอกอ ก, อกลำธาร น, นี้น่าจะไปถึงยอดสูงยอดนี้นะครับบริเวณเนี้คงเป็นต้นน้ำ งั้นเราก่อนแนวลำทานนี้ไปก่อนก็แล้วกันครับก็ดีนะนอสตาจ่าดาวเหนือไม่ลืมที่จะวิเคราะห์ให้เลยไปถึงที่หมายที่อยู่ห่างไปอีกไม่ถึงหนึ่งรกิโลเมตรตามระยะทางตัดตรงบนแผนที่ส่วนที่เป็นจริงในภูมิประเทศนั้นยังไกลอีกมากมากจนเกินกว่าที่จะคำนวณออกมาเป็นตัวเลขได้นอสตาเราจะไปต่อนตอนนี้เลยเหรอไปก็ตายสิเมเอร์ Major. เดี๋ยวเรารอดูคาราวานพวกนี้ไปก่อนดีกว่ารอจนคนสุดท้ายแล้วเราค่อยตามมันไปก็ได้ เราน่าจะลองเล่นเกมกับไอ้พวกนี้สักหน่อยนะนอสตาจ่าดาวเหนือหันไปมองหน้าพันตรีคอรินที่ชวนเล่นเกมเมเจอร์มีอะไรใส่ใบหูไอ้พวกนี้ได้ทั้งหมดไหมล่ะไมายถึงว่าเมื่อสังหารมันแล้วพันตรีคอรินจะต้องไปเก็บใบหูมันมาเป็นที่ระลึกอีกเราก็อย่าเอามามากสิเอาแค่คนสองคนก็พอเมเจอร์ครับไอ้พวกนี้มันไม่ใช่หุ่นยนต์นะพวกมันตายคนหนึ่งที่เหลือมันก็ต้องแห่กันมาแล้วและคราวนี้แหละถ้าเมเจอร์เหลือมันไว้แม้แต่คนเดียวน่ะพวกมันก็จะมาเอาใบหูเมเจอร์บ้างล่ะ ไม่เชื่อคอรินไม่พูดอะไรอีกแต่เก็บความรู้สึกไม่อยู่จนต้องเผลอเอามือคลาที่ใบหูของตัวเองเชื่อว่าตอนนั้นคงเสียวไปทั่วขายสันหลังแน่ตอนที่26ชุดปฏิบัติการนอนซุ่มดูกองคารวาลเหล่านั้นยังสุขสบายการอยู่ในที่สูงกว่าและอยู่ใต้สุ้มไมายที่ระยะห่างเกือบ5้าร้อยเมตรนั้นรู้สึกว่าได้สัมผัสกับความปลอดภัยไอ้พวกนี้แกหรือเล่าวะ จ่าดาวเหนือถามทั้งสองพวกเหรอพี่ผมว่าน่าจะมีโม้งด้วยซ้ำจ่ายุทธพงษ์ให้เหตุผลไอ้พวกเนี้ยผู้หญิงก็ไม่เว้นว่ะดูไอ้คนนั้นสิวะกูว่าอายุคงปา่าเข้าไปหกสิบแล้วมั้งดูไอ้นั้นสิยังเด็กอยู่เลยทุกคนเห็นภาพนั้นกันหมดเป็นเวลากว่าชั่วโมงที่คารวานเหล่านั้นโผล่ท้ายขบวนออกมาให้เห็นภาพที่น่าสนใจที่สุดเห็นจะเป็นชายชะกันในเครื่องแบบทหารที่ถืออากา 7, อ้าร์สิบเจ็ดคอยคุมกันขบวนเดิน ความจริงแล้วมันคงไม่ใช่การคุ้มครองอย่างเดียวมันคงต้องควบคุมไปในตัวด้วยเป็นแน่เพราะไอ้พวกเหล่านี้ล้วนเป็นทหารเวียดนามเหนือเอาไงดีพี่เออกําลังจะบอกพอดีหยุดไปกับไอ้เล็กก็แล้วกันตามไอ้พวกนี้ไปแล้วดูซิว่ามันจะไปไหนกันตามมันไปก่อนเท่าที่เราต้องก่อมันจุก่าจะต้องแยกจากมันนั่นแหละถึงตอนนั้นถ้าไม่ได้รายละเอียดอะไรก็ไม่เอาเดี๋ยวไปได้เลยนะเอาเป้หลังให้มงสองตัวนี้แบกแทนครับพี่ชุดสะกดรอยทั้งสองคนปฏิบัติ ต, ต, ตามทันที จัดการส่งเป้หลังให้มงสองคนรับไประวังนะมึงเป้กูหล่นเมื่อไหร่ระเบิดพวกมึงตายโหงแน่ไอ้เล็กกําชับแบบขู่ไม่รู้เหมือนกันว่ามงสองคนนั้นจะกลัวคําขู่หรือไม่แต่วิสัยมงกับการแบกของหนักนั้นพวกนี้ชินชามาตั้งแต่เกิดมันรับไปด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเมืเม่อทั้งสองคนเริ่มพราออกไประวังญาติมึงตามมาข้างหลังด้วยนะเว้ยจาดาวเหนือสั่งเตือนไปอีกครั้งพยุทธ์จะเกณฑ์อะไรละพี่ไอ้ชาติแย่ไป หมายความว่าถ้าจ่ายยุทธพงษ์ตายแล้วต้องการอะไรจะทําบุญอุทิศไปให้อะไรก็ได้ที่พี่สาวมึงทําอะตกลงพี่อะไรวะเมื่อวานนี้มึงบอกจะให้กูแล้ววันนี้มึงจะให้พี่ยุทธกูว่าพี่สาวมึงนี่คงพอๆกับกูอะไอ้เล็กสัพพยอ ก, กลับมาบ้างส่งตีนแน่ไอ้ชา ต, ตอบย้อนกลับไปขณะที่ไอ้เล็กไม่ได้หันหน้ามาดูด้วยซ้าทั้งสองคนที่เดินเกือบจะตัวเปล่าเพราะในมือมีเพียงเอ็มสอกับกระสุนอะไรจึงสามารถเดินไปได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแรับเดียว ก็หายไปกับราวป่าจ่าดาวเหนือสั่งขบวนเดินออกเดินต่อโดยการยึดเส้นทางบนสันเนินที่มีหมายค่อนข้างทึบเป็นแนวกำบังเส้นทางบนนั้นไม่มีร่องรอยการใช้งานมาก่อนเพราะเส้นทางที่ใช้จริงอยู่ต่ำลงไปนั่นเองไอชาติกับจ่าดาวเหนือเป็นคนนําขบวนมีพันตรีโรเจอร์ร่วมไปด้วยส่วนพันตรีคอรลินอยู่ในส่วนที่สองของ4 ส, ส่วนที่ยังแบ่งกันอยู่นานแล้วเหมือนกันที่จ่ายยุทธพงศ์ไม่ได้ไรายงานเหตุการณ์เข้ามา ทั้งๆที่ตอนนั้นระยะทางที่ผ่านไปกว่าสองกิโลเมตรแล้วไม่มีทีท่าว่าจะมีการหยุดพักขบวนเดินทั้ง14คนยังคงมุ่งหน้าไปเรืเ่อยๆแต่แล้วก็ต้องหยุดจนได้พี่เสียงวิทยุจ่ายยุทธพงศ์เรียกมาว่ามัยุทธดทั้งสองคนมักพูดวิทยุกันด้วยคําพูดสั้นๆ ซ, ซึ่งสามารถเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีไม่เคยที่จะต้องพูดส่วนกันทําให้ไม่รู้เรื่องเลยนับเป็นขีดความสามารถเฉพาะที่ทั้งคู่ทํางานเข้ากันได้ดีไอแก้วตามมาพี่ รายละเอียดสิทั้งหมด4คนอาก้าครบมือไม่มีเป้ตอนนี้อยู่ห่างจากผมประมาณ300เมตรมันมุ่งหน้าตามพวกคารวานไปคิดวันพวกเดียวกันไหมวะคงไม่ใช่นะพี่ไอ้พวกนี้ตั้งเครื่องแบบเรียบร้อยกว่าไอ้พวกในคารวานผมว่าเป็นพวกราตะเวนใช่แล้วถ้างั้นยุทธไอ้พวกเนี้นพวกราตาเวนรอบค่ายของมันคารวานพวกนี้ก็คงจะไปที่ค่ายเดียวกันนั่นแหละของที่มันขนไปก็คือของที่มันต้องย้ายที่ตั้งแล้วตอนนี้พวกคารวานมีไงบ้าง ไปเรื่อยๆพี่ตอนเนี้ผมห่างมันประมาณ 1,500 เมตรยังตามได้สบายๆอยู่ตามมันต่อไปหลบทางให้สี่คนที่ตามมาให้มันผ่านไปอย่าไปยุ่งกับมันครับพี่แต่ไอ้สี่คนเนี้ยดูมันพยายามตรวจล่องลอยอะไรสักอย่างเมื่อกี้ไอ้คนนํามันเก็บของอะไรไม่รู้ที่ข้างทางเอาขึ้นมาดูแล้วก็โยนทิ้งไปตอนนี้มันก็ยังเดินตามมันเรื่อยๆแหละไอ้พวกนี้ก็พวกที่ออกพิสูจน์ทราบการหายไปของพวกมันที่เราดับศูนย์ไปไงเราดูให้ดีซิมันจะเจอหลักฐานอะไรหรือเปล่าคงไม่หรอกพี่เพราะเราไม่ได้ใช้เส้นทางนั้น โอเคงั้นดูต่อไปจากดาวเหนือหันมาแปลข่าวที่จ่ายุทธพงษ์ส่งมาให้พันตรีโรเจอร์ฟังคนที่ฟังถึงก็บเม้มริมฝีปากเหมือนกับเครียดแค้นอะไรสักอย่างที่นี่ดงมาเลยนะนอสตาครับแต่ยิ่งเข้าไปลึกก็จะยิ่งมากกว่านี้ที่มากสุดก็คือในเวียดนามนั่นแหละอันเนี้ยผมไม่เถียงเสียงภาษาเวียดนามดังอยู่เบื้องล่างแววมาให้ได้ยินนั่นแสดงว่าชุดปฏิบัติการไม่ได้ห่างจากกองคารวันนั้นเลยจากดาวเหนือเลยเรียกไอ้มงสองคนมาทําหน้าที่ทันทียิฟู มึงลองฟังสิงมันพูดอะไรวะยี่ฟูเงี่ยหูฟังเสียงที่แว่วๆมานั้นอย่างตั้งใจแล้วหันมาตอบมันบอกว่าให้คนข้างหลังตามมาเร็วๆหน่อยตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วเสียงพูดดังมาอีกยี่ฟูก็แปลอีกมันบอกว่าลังใบนั้นเบาๆหน่อยเดี๋ยวของข้างในแตกครับจา่าดาวเหนือไม่พูดอะไรแต่กําลังคิดอยู่ว่าอะไรที่อยู่ในลังมันต้องเป็นของที่แตกหรือช็อคุดง่ายแล้วมันคืออะไรละ่ะเสียงพูดดังมาอีกยี่ฟูแปลอีกมันบอกว่าเร็วหน่อยไปถึงแล้วจะมีรางวัลให้ทุกคน ลางวันอะไรของมันจ่าดาวเหนือต้องคลุ่นคิดอีกผมออกตามเลยนะพี่จายยุทธพงษ์ถามมาเมื่อคนสุดท้ายของอชุดรละตะเวนของมันผ่านไปไกลพอสมควรเออตามไปเมื่อทั้งหมดของขบวนคาราวานผ่านไปจ่าดาวเหนือไม่ได้เร่งรีบอะไรอีกลงแผนที่จับซอกอ ก, อ, กออกมาดูอีกครั้งมันไม่น่าอยู่ไกลเลยนะเมเจอร์ Major. อะไรก็ค่ายหรือบอ ก, กอของมั น, นสิพันตรีโรเจอร์ มองเพ่งไปทางทิศ ท, ที่ขบวนคาราวานนั้นมุ่งหน้าไปเหมือนจะค้นหาคําตอบเออนอสตาจากประสบการณ์ของคุณที่เคยตามไอ้พวกนี้มาเคยสังเกตไหมว่าพวกมันเดินทางไปได้ไกลสักเท่าไหร่เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงโรเมเจอร์ Major. มันก็เดินได้เหมือนเราแล้วเราก็เดินได้เหมือนกันดูแต่ว่าเราคราวเนี่ยต้องเดินทางกว่าร้อยกิโลเมตรเรายังเดินได้เลยแล้วทําไมมันจะเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องระยะทางที่สามารถเดินได้คิดว่าแผ่นดินถึงไหนมันก็เดินได้ถึงนั่นแหละถ้างนั้นไอ้พวกนี้ก็ไม่มีจุดหมายปลายทางเหมือนกันนะสิ มีสิครัเมเจอร์มันต้องมีไม่งั้นมันไม่เดินกันหรอกต่างแต่ว่าจุดหมายนั้นมันอยู่ที่ไหนเท่านั้นแหละเดี๋ยวเราตามมันไปอีกหน่อยเพราะตอนเนี้เรายังพอทําได้แต่ถ้าเส้นทางมันบังคับให้เราต้องแยกแล้วให้พวกนี้ไม่มาเกี่ยวข้องกับเราเราก็ปล่อยมันไปตามทางของเราแล้วคุณดูอะไรในแผนที่พันตรีโรเจอร์อดสงสัยไม่ได้เราไปเชื่องตรวจรายละเอียดบนแผนที่นี้สิว่าตรงไหนจุดไหนหรือบริเวณไหนที่น่าจะเป็นที่ตั้งค่ายหรือบกกรอะไรของมันน่ะพันตรีทั้งสองคนก้มมองดูในแผนที่บ้าง เริ่มไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่จุดที่อยู่ของตัวเองปัจจุบันแนวที่เป็นป่าเขียวเชื้ออุ่มที่ถูกจ่าดาวเหนือเอาลินสอไขขีดไว้คือแนวพิจารณาเบื้องตน้นคุณแน่ใจนะว่าแนวนี้คือลำทานร้อเอร์เซครับจ่าดาวเหนือยือนยันด้วยความมั่นใจงั้นมันจะอยู่ในร่องเขาแนวเนี้ไล่ไปเรื่อยมันน่าจะตันหรือสุดที่ตรงนี้ทําไมละ่ะภูเขาลูกนี้สูงมากร่องที่ตีนภูมันก็ต้องสูงด้วยร่องภูตรงเนี้สูงก็ร่องที่คาดว่าเป็นลำทานกว่าหนึ่งร้อยเมตร เพราะฉะนั้นผมคิดว่าลำธารข้างล่างเนี่ยเกิดจากน้ําตกแน่นอนเพราะอะไรเมเจอร์ต้องคิดว่าเป็นน้ําตกเพราะพื้นที่ต่างระดับกันมากอะสิถ้าพื้นที่ตามร่องเขาพวกนี้มีระดับที่ใกล้เคียงกันมันก็จะยาวต่อไปอีกจนกว่าจะต่างกันมากพอเอา้าเมเจอร์ว่าถ้าลำธาร น, นี้เกิดจากน้ําตกไล้ค่ายหรือบอกอบ้าบออะไรของมันควรอยู่ตรงไหนอันนี้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์ของคุณแล้วล่ะนอสตาจ่าดาวเหนือมองหน้าพันตรีเมริกันแล้วยิม้มยิ้มแบบขันขันที่รู้ว่าท่านอเมริกันนั้น มักไม่ถนัด ก, กับการลบในป่าเขตเอเชียหรือประเทศในเขตโซนร้อนเพราะพื้นฐานของพวกเขานั้นมักคุ้นเคยกับลักษณะภูมิประเทศเฉพาะป่าแบบยุโรปอเมริกันเสียมากกว่าท่านอเมริกันมากต่อมาที่ปรับตัวไม่ทันกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจนต้องมาพบกับจุดจบแต่ก็มากเหมือนกันที่ปรับได้จนพยายามศึกษารายละเอียดแล้วนําเอาความรู้ความสามารถที่มีมาประยุกต์ใช้จนได้ผลตัวอย่างที่เห็นก็คือพันตรีอเมริกันทั้งสองคนนี้ ตั้งแต่เข้ามาสัมผัสกับภารกิจของพวกนักล่ารับจ้างรู้สึกว่าเขารู้มากรู้แนวทางการต่อสู้กับศัตรูมากขึ้นคราวที่เขาต้องอยู่ในบอ่อกอที่มีหน้าที่ให้การสนับสนุนเขาทั้งสองคนก็จะหาโอกาสคุยถึงเรื่องราวต่างๆที่พวกนักล่ารับจ้างได้พบมาเขาพยายามถามซอกแซกเพื่อให้ได้เหตุผลแล้วก็มีบางครั้งที่เขาออกมาในภารกิจด้วยจึงสามารถสัมผัสเหตุการณ์ต่างๆด้วยมือด้วยตาของตัวเอง ตลอดระยะเวลาที่พวกนักล่าสังหารเข้ามาทํางานเป็นนักล่ารับจ้างนั้นพันตรีเมือกันทั้งสองคนนี้ตั้งยอมรับว่าเทคนิคกลอุบายลูกเลนลูกล่อลูกชนหรืออื่นๆในทางที่จเจ้าชนะศัตรูอย่างเวียดกงนั้นมันมีมากมายมากกว่าที่พวกเขาได้รับการเรียนการสอนมาจากโรงเรียนทาหารของเขาเสียอีกดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะถือว่าจ่าดาวเหนือคือคนที่ดีที่สุดเวลานี้เพราะฉะนั้นจากคําถามที่ว่าเมื่อน้ําตกมันอยู่ตรงนั้นแล้ว ค่ายหรือบอกอรของมันควรอยู่ตรงไหนผมว่าพระเจ้าเท่านั้นแหละครับที่จะรู้จ่าดาวเหนือตอบเพราะไม่มั่นใจอันที่จริงแล้วหากได้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เพียงเท่านี้ก็คิดว่าพอเพียงสําหรับเขาจึงตอบไปตามแบบฉบับของเขาเมื่อไม่รู้ความจริงนอกจากพระเจ้าคนอื่นก็รู้เหมือนกันทั้งจ่าดาวเหนือทั้งพันตรีโรเจอร์ตั้งหันไปมองพันตรีคอรลินเมื่อเห็นเป็นคนเสนอความคิดออกมาใครพันตรีโรเจอร์ถามสั้นๆเพราต้องการรู้อย่างมากาามาก็อวีซีไง คนตอบตอบแบบหน้าตายส่วนคนถามก็ได้แต่ยิ้มแย่ๆเพราะไม่นึกว่าคนพูดน้อยอย่างพันตรีคอรินจะโจกเป็นเหมือนกันไปแปนั่งเถอะนอสตาก่อนที่ผมจะฆ่าญาติเอวซีอยู่ที่ไหนล้วครับญาติมันจ้าดาวเหนือแกล้งพาซื้อในขณะที่ลูกน้องต่างคอยที่จะฟังว่าหุหน้าชุดจะถูกอัมอย่างไรตอนนี้มันปลอมตัวเป็นนายทหารซารัฐยศพันตรีอยู่กับเรานี่ไงพันตรีโรเจอร์พูดแบบไม่ได้หันไปมองคนที่อัมตัวเองก่อนเอาสิครับแล้วเดี๋ยวผมเป็นคนเอาใบหูไปให้จ่า ย, ยุทธพงเอง จ่าดาวเหนือแกล้งพูดลอยๆออกมาเหมือนกันเฮ้นอสตาคุณจะเล่นอย่างนั้นเลยเหรอผมว่าเมเจอร์คอยลินไม่เดือดร้อนหรอกครับเพราะเราจะเอาเฉพาะคนที่เป็นญาติ VC เท่านั้นโอเคโอเคทั้งสามคนหัวเราะลั่นป่าแล้วขบวนเดินก็เริ่มขึ้นอีกโดยมีจ่าดาวเหนือกับพันตรีโรเจอร์เป็นคนนำในชุดราตตเวนนานอสตาไม่ลองเรียกจ่ายุทธพง์หน่อยเหร อ, อย่าดีกว่าครับ ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเขาคงเรียกมาเองถ้าคือเราเรียกไปเขากำลังเข้าได้ขเข้าเข็มเสียงเรียกจากเราจะเป็นสิ่งบอกเหตุให้ศัตรูรู้แผนการเขาจะเสียได้พันตรีโลเจอร์พยักหน้าหลับซาบเราออกเดินตามไปห่างๆในระยะประมาณ3ก้าวเท้าที่ต้องระวังตามอย่างที่จ่ดาวเหนือเดินคือไม่ให้มีเสียงและต้องไม่ให้มีร่องรอยด้วยจะต้องเลือกพื้นที่ที่มีความแข็งพอสายตาตรวจไปทั่วอย่างรวดเร็วทั่วทุกด้านทั้งดานน้ า, ดานนาด้านคางด้านบนด้านหลัง ที่ต้องตรวจก็มีทั้งยอดไม้ยอดเขาหรือแม้แต่ช่อ ง, งกเข่าที่เหมือนกับหน้าผาคราวใดที่สามารถมองให้ไกลออกไปได้มากๆต้องถือโอกาสนั้นทันทีแม้จะมีเวลาเพียงชั่วพริบตาเดียวก็ตามอย่างกล่าวนี้ที่ต้องเดินอยู่บนหัวเหล่าสัตรูแบบนี้นั้นจากดาวเหนือจึงมักต้องหาช่องที่จะมองลอดผ่านดงหมายไปดูอยู่บ่อยๆซึ่งบางครั้งก็สามารถมองเห็นได้บางครั้งก็มองไม่เห็นการปฏิบัติตามวิธีนี้มิใช่แต่เฉพาะหัวหน้าชุดเท่านั้น คนอื่นๆที่ตามมาต่างก็ต้องช่วยกันระวังในเรื่องนี้ด้วยโดยเฉพาะไอ้มงสองคนต้องถูกประกบอย่างใกล้ชิดทั้งไอเปียกและไอชาติชนิดที่เรียกได้ว่าไอเปียกเดินนำและชาติเดินตามรอยต้องมีการตรวจกันทุกฝีก้าวเลยก็ว่าได้ตอนที่27จาดาวเหนือยังเดินนาไปเลยๆด้วยความเร็วที่สม่าเสมอและการปฏิบัติที่ยังคงต้องเรามาระวังอยู่ บนเส้นทางเริ่มลงลาดตามตามลักษณะของไหล่เขากลายความจริงเข้ามาแล้วเมเยอร์ Major. จ่าดาวเหนือหมายถึงน้ําตกที่ได้ยินเสียงน้ําที่ตกลงมากระแทกผืนเสียงแบบนี้คนที่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงของน้ําตกก็คงจะมีเฉพาะคนปัญญาอ่อนเท่านั้นเราจะไปถึงที่เลยไหมก็น่าลองดูนะครับจ่าดาวเหนือกระซิบตอบในขณะที่ไอเวตโกงคนหนึ่งมันมองมาทางนั้นพอดีมันคงไม่ได้เจตนาที่จะมองแต่ที่ต้องมองมานั้นคงเป็นไปนตามปกติของการตรวจการมากกว่า ชุดปฏิบัติการทั้งหมดต่างเห็นความเคลื่อนไหวของเหล่าศัตรูที่เบื้องล่างดีจึงพากันฝั่งตัวเงียบเชื่อว่าการเงียบเท่านั้นที่จะช่วยให้รอดพ้นได้แต่ถ้ามีการขยับตัวให้ซุ้มไมายที่กำบังอยู่เคลื่อนไหวแล้วก็มันจะจับความผิดสังเกตได้การมีศัตรูจำนวนมากอยู่ห่างแค่ปลายจมูกแบบนี้ถ้าคนที่ขวัญไม่ถึงจริงคงต้องถึงกับสั่นไปทั้งตัวแต่นี้เป็นพวกนักล่ารับจ้างที่เคยผ่านงานฆ่าคนมาแล้วนับไม่ทวนจึงไม่สะทกสถานแต่อย่างใด สั่งต่อทุกคนรออยู่ที่นี่จ่าดาวเหนือสั่งคนที่อยู่ไกลสุดซึ่งไม่ได้มองหนา้าด้วยว่าเป็นใครให้ทุกคนประจําแนวซุ่มอยู่ที่เดิมต่อไปเราก็ไม่ต้องถามด้วยว่าทาไมคําสั่งนั้นได้รับการสื่อต่อจนรู้ทั่วทั้งแนวลงไปอีกหน่อยดีกว่ า, าเมเจอร์จ่าดาวเหนือหันมาชวนพันตรมริการทั้งสองไต่ตามลาดไหลเข่าลงไปอีกโดยกะว่าจะลงไปดูให้ถึงที่กันเลยเพราะอยากรู้นักว่าที่นี่คือที่หมายของคาราวานพวกนี้หรือไม่ลูกน้องที่ถูกสั่งให้รอที่แนวซุ่ม ก็ไม่ใช่จะนอนกำบังรออยู่เฉยๆไอน้นบกับไอ้เชษต้องย้ายที่กำบังเพื่อหาจุดที่สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของขัหน้าชุดได้ทุกระยะในขนาเดียวกันขบวนคารวาลกับชุดควบคุมเวียดกงก็ย่งโงเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆโดยระยะที่ห่างออกไปประมาณ200เมตรหรืออาจจะน้อยกว่าแต่ยังไม่มีอาการสำเนียกภัยใดๆจากพวกมันที่จ่ายุทธพงศ์เรียกวิทยุมาว่ามายัยตตอนนี้4คนที่ตามมานะมันหยุดเดินทางแล้วพี่ มันไม่ตามไปสมทบไก่พวกในคารวานนั้นหรอกมันห่างจากท้ายกบบระบวนคารวานเกือบ200อเมตรแล้วมันทําอะไรวะมันนั่งพักกันเฉยๆพี่ตอนนี้เห็นพวกคารวานไหมไม่เห็นหรอกพี่มันหายจากผมไปนานแล้วโอเคงั้นคอจับตาย4ี่คนนั้นต่อไปไม่ต้องไปทําอะไรมนันนะครับพี่ชาติจ่าดาวเหนือกับมาเรีกทางวิทยุกับไอชาติที่แนวซุ้มรอครับพี่ไอชาติรับทันทีเหมือนกันพราะพรอมอยู่แล้วท้ายกระบวนคาราวานถึงไหนแล้วอยู่ข้างหน้านี่แหละพี่ตอนนี้เห็นอยู่แค่ยี่บกว่าคน นอกนั้นมันหายเข้าไปในลือผี น, น้ําตกหมดแล้วพี่โอเคเราคอยจับตาดูไอชุดรัตะเวีนสคนนั้นไว้ด้วยถ้าเห็นไม่เข้าท่ายรีบบอกจ่ายยุทธเขารู้ด้วยครับพี่เออแล้วตอนเนี้พวกที่ซุ่มร้องบนมีใครประกบไอรัตะเวีนสคนนั้นไว้บ้างไอนิดครับพี่ตอนนี้มันอยู่ทางท้ายสุดของแนวโอเคบอกไอนิดกับจ่ายยุทธตั้งความถี่อยู่ที่แบนด์บีแล้วติดต่อกันครับพี่ไอชาต์รับทราบแล้วสื่อคําสั่งนั้นต่อไปเพื่อให้ถึงคนที่ต้องปฏิบัติชั่วครูไอนิดก็สามารถติดต่อกับจายุทธง์ โดยที่ความถี่วิทยุไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นจ่าดาวเหนือกับซองเมเจอร์รัดล้อต่อไปอีกยังไม่รู้ว่าจะไปให้ไกลได้สักแค่ไหนในเมื่อตอนนี้ก็สามารถมองเห็นสายน้ําตกที่หล่นจากหน้าผาได้ชัดเจนและทั่วถึงแล้วเป็นไงครับเมเจอร์จ่าดาวเหนือหันมาถามพันตรีคอรินคุณจะไปถึงไหนแล้วนอสตา์ผมอยากเห็นทางเข้าถ้ามันนะ่ะเอา้าก็เห็นแล้วนี่นาว่ามันหายเข้าไปในลูบหินก้อนนั้นคนมันจะหายเข้าไปในก้อนหินได้ไงครับมันไม่ได้หรอกมันต้องมีอย่างอื่น จ่าดาวเหนือให้เหตุผลแล้วลัดเลา ะ, ะต่อไปอีกแน่นอนที่พันตรีเมริกันทั้งสองก็ต้องตามไปด้วยกระทั่งได้ระยะที่เหมาะทุกสิ่งทุกอย่างที่สงสัยนั้นบัตรนี้ปรากฏแก่สายตาแล้วทั้งสามคนต่างงุนงงต่อสิ่งนั้นตั้งแต่เกิดมาเป็นคนจนถึงปัจจุบันอย่าว่าจะเคยเห็นมาก่อนเลยแม้แต่คำบอกเราก็ไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำว่าสิ่งอย่างนี้จะมีอยู่ในโลกขบวนคารวานคนแล้วคนเราที่เดินผ่านลืบหินก้อนใหญ่ขนาดเท่าบ้านคน เราไปโผล่ทางด้านหลังเดินลัดล้อตามแนวหน้าผาผ่านสายน้ําที่หล่นลงมาจากเบื้องบนพวกนั้นเดินอยู่ด้านหลังของแผ่นน้ําเหมือนกับการเดินผ่านหลังฉากเวทีไม่ตรงโผล่ไปที่ด้านหนึ่งของฉากสายน้ําแต่กลับหายเข้าไปในผนังหินที่อยู่หลังฉากน้ํานั่นเลยไม่น่าเชื่อว่าช่องที่ใหญ่โตพอที่รถสิบล้อจะวิ่งเข้าไปได้ที่หลังแผ่นน้ํานั่นคือปากธรรมทั้งสามคนที่ซุ่มอยู่ในระยะห่างไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตรโดยที่กำบังที่ป้องกันได้ทั้งกระสุนและการมองเห็น มองดูแล้วอดทึ่งในสิ่งมหัศจรรย์นั้นไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เกิดจะธรรมชาติที่ยังไม่มีมนุษย์คนใดลอกเลียนแบบได้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วล่ะนอสตา์เรื่องอะไรครับไก่ถ้ำใต้น้ําตกนี่นสิผมไม่นึกว่ามันจะมีเลยนะบนโลกใบเนี้ครับแล้วแบบนี้อะไรจะไปทําลายมันได้คนสิครับจ่าเดลเหนือกแกล้งตอบแบบไม่ต้องคิดซึ่งพันตรีโรเจอร์เองก็ต้องยอมรับว่าคําตอบนั้นถูกต้องเอาไงดีต่อไปเราเมเจอร์น่าจะถ่ายรูปไว้สักใบสองใบนะครับ กล้องถ่ายรูปอยู่ในเป้หลังอะ่ะันไม่ต้องหรอครับปล่อยมันไม่เถอะเอาไว้ให้คนที่เขาไม่เชื่อมาดูกับตาตัวเองดีกว่าเสียงสั่งการในถ้าที่คงจะดังพอและทั้งบางครั้งมันดังลอดผ่านเสียงสายน้ํามาให้ได้ยินแม้จะจับใจความไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะถึงจะได้ยินชัดเจนแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์อีกนั่นแหละเพราะเสียงที่สั่งการมา น, นั้นเป็นภาษาเวียดนามไม่รู้เหมือนกันว่าคนลาที่มาในคารวานนั้นรู้เรื่องภาษาได้ยังไงลองเล่นกับมันหน่อยไหมแม่เจ้าแม่รู้เป็นการผิดหลักการในภารกิจนี้ และตนเองก็เคยสั่งห้ามคนอื่นแต่จ่าดาวเหนือเองก็อดที่จะละเมิดไม่ได้ทางนี้เนื่องจากความมันในอารมณ์นั่นเองสายเลือดที่มีเวทกอมเป็นศัตรูยอมอดที่จะเข้าห้ำหั่นเมื่อมีโอกาสเสียมิได้จ่าดาวเหนือมองภูมิประเทศรอบๆตัวแล้วตัดสินใจทันทีมันคงจับทางไม่ได้หรอกเมเจอร์จับทางอะไรก็จับทางที่เราจะรังแกมนันสิผมไม่เข้าใจแล้วทาไมคุณถึงใช้คําว่ารังแกจ่าดาวเหนือโหดร้อนในความหมายที่แกได้พูดไป รู้สึกว่าเมเจอร์ทั้งสองคนยังไม่เข้าใจถึงวิธีการของแกที่จะเล่นเกมกับไอเวดโกงพวกนี้ทําไมเหรอก็ไม่เห็นหน้ามีปัญหาอะไรผมจะใช้อินฟราเรดเล่นกับพวกมันไงโถเอ้ยนาะตาไหนๆก็จะเล่นงานมันแล้วเอาชีวิตมันเลยไม่ดีกว่าเหรอผมว่าเสียเวล า, เ ส, เ, วลาเสียเที่ยวเปล่าอินฟราเรดของคุณนะ่ะเราอย่าไปทำมันเลยเมเจอร์ถ้าเราไปทํามันถึงตายมันก็ต้องรู้สิว่าฝ่ายตรงข้ามเข้ามาในพื้นที่นี้แล้วก็อยู่ ใ, ใกล้ๆมันด้วยทีนี้แหละมันจะตามเราสุดล่าฟ้าเขียวเลย แต่ถ้าเราใช้อินฟราเรดเนี่ยมันไม่รู้หรอกเพราะมันยังไม่รู้จักอาวุธชนิดนี้มาก่อนเราเล่นกับมันพอสนุกสนุกนะเมเจอร์ผมก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ดีหลายคนที่แบกรางไม้ที่มันว่าต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนั่นน่ะเราได้จะรู้สักหน่อยนะว่าในนั้นมันเป็นอะไรทําไมต้องระมัดระวังกันเลือเกินเหตุผลอื่นมีไหมมีผมอยากเห็นความวุ่นวายของพวกมันบางทีเราจะได้เห็นหน้าคนที่เป็นหัวหน้ามันก็ได้เพราะตอนที่วุ่นวายมันอาจจะออกมาดูเหตุการณ์ด้วยตัวเองคุณแน่ใจเหรอยังยังไม่แน่ใจ าดาวเหนือตอบแต่คนฟังไม่เข้าใจอา้าวแล้วกันแล้วคุณจะทํำยังไงเล่าผมคิดว่าอาการที่เกิดกับคนของมันเป็นอาการที่แปลกผมไม่เคยพบเห็นมาก่อนมันคงไม่คิดหรอกว่านี่เป็นการกระทําของศัตรูมันคงนึกว่าเป็นอุบัติการตามธรรมชาติมากกว่าแล้วคนอย่างหัวหน้าของมัน่ะก็คงไม่เชื่อเรื่องที่ผิดธรรมชาตินั่นก็คือมันต้องออกมาดูแน่ว่ามันคืออะไรกันแน่เออความจริงก็เข้าท่าเหมือนกันนะเหตุผลของคุณเนี่ยพันตรีโรเจอร์เริ่มเห็นด้วยมเจอร์คอรีสแหละครับน่าจะลองเล่นกับมันไหม ตามที่คุณว่ามามันก็น่าเล่นอยู่หรอกแต่ผมรู้สึกมันมีอะไรขัดกับความรู้สึกสักอย่างนะแต่ผมยังมองไม่ออกเท่านั้นแหละแต่ว่างานเนี้ไม่มีของที่ระลึกนะเมเจอร์จ้าดาวเหนือหมายถึงใบหูที่สมาชิกสะสมของเก่ายัางพันตรีคอร์ินเริ่มสนใจอันนั้นไม่เกี่ยวรอกนอสตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวขอเวลาผมคิดสักนิดนะเวลาตอนนั้นเพิ่งจะบ่ายสี่โมงเย็นยังมีเวลาพอสําหรับงานนี้จ้าดาวเหนือกะวว่าเมื่อเล่นกับมันเสร็จค่อยออกเดินทางก็ได้ ฐานลอยคืนนี้น่าจะอยู่ข้างในสักระยะ 4- ีห้ากิโลเมตรซึ่งก็คงพ้นรัศมีของพวกมันไปแล้วระหว่างที่รอแนวความคิดจากพันตรีคอรลินจากดาวเหนือก็เลยวิทยุติดต่อกับพวกที่ซุ่มรอชาติครับพี่ด้านจะหยุดเป็นไงครับพี่ไอชาติสื่อคําสั่งต่อไปจนถึงไอนิด ท, ที่รับหน้าที่ติดต่อกับจ่าหยุทธพง์เพื่อที่จะให้ไอนิดเป็นคนตอบแทนครับพี่ตอนนี้พี่หยุดยังประกบไอสีตัวนั้นอยู่ยังไม่เคลื่อนไหวอะไรมันเล่นนอนพักกันเลยนะพี่ไม่รู้มันคอยอะไร โอเคติดตามต่อไปจ่าดาวเหนือหันมาทางพันตรีคอรินอีกครั้งผมมองหน้าเท่านั้นแหละก็ได้คําถามทันทีนอสตาคุณแน่ใจหรือว่ามันจะจับทิศทางที่เราเล่นงานมันไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะเมื่อตอนที่ผมไล่ผีให้มงนั้นก็ไม่ได้ถามมันด้วยมันจับทิศทางได้หรือเปล่าอันนี้คงไม่มีปัญหาหรอกถึงยังไงมันก็ไม่รู้อยู่ดีว่าอะไรไปอะไรแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรเกิดขึ้นกับคนของมันเอาเถอะนอสตาผมเห็นด้วยเล่นก็เล่นมันเลยดีกว่า คราวนี้พันตรีโรเจอร์เกิดความมันขึ้นมาบางจัดการยุโยงทันทีงั้นเอางี้นะเราสร้างพื้นที่อันตรายขึ้นมาสักพื้นที่หนึงเอาตรงแง่หินสีดํานั่นละกันคนไหนเข้าใกล้บริเวณนั้นเป็นโดนตรงอื่นปล่อยมันโอเคนะสพันตรีตกลงตามนั้นจ่าดาวเหนือเป็นคนดําเนินการเองจัด ก, การพาด M 2 0มสเข้ากับงามหมายที่อยู่ข้างนาใช้ท่านั่งราบหญิงตามความสงของที่กําบังเปิดสวิตต์กล้องเล่งรังสีอินฟราเรดเราเริ่มเล็ง ไอเวดกองคนแรกที่ต้องตกเป็นเหยื่อเกมนี้คราวนี้แบกลังไม้ที่ใหญ่เกินตัวจนหลังแอนจนเหลืออีกประมาณ 10-15 ึก้าวจะถึงพื้นที่มหัศจรรย์จากดาวเหนือเล็งรอไว้ก่อนยังใจเย็นกระทั่งไอคนเคาะหลายแต่ดวงดีใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้าม า, า, มาจนได้ระยะเสียงเครื่องอินฟาเลตทำงานไม่แรงนักจนแทบไม่ได้ยินเพราะเสียงน้ำตกดังกลบโอ้ยโอ้ยไอเวทกองคนนั้นร้องรัน้นหลังไม้หลุดจากบ่าร่นลงแลง้วกลิลง้ล ง, งกับพื้น อาการของมันตอนนั้นก็คือเอามือทั้งสองกลุ่มที่โคลนขาด้วยความเจ็บปวดที่เห็นได้จากใบหน้าของมันเพื่อนอีกสองสามคนที่อยู่ไกลทําท่าจะเข้าไปช่วยประคองให้ลุกขึ้นโอ้ยโอ้ยคนที่เข้าไปไกลต้องมีอาการเหมือนเพื่อนมันอีกคนต้องเอามือกลุ่มที่โคลนขาแล้วรองรัน้นโอ้ยโอ้ยอีกคนโดนเข้าอีกความหวังดีต่อเพื่อนทํำ ม, มันถึงกัำลมพับแล้วกิ้งตกลงน้ําไปในขณะที่ไอคนแรกที่ใช้ขาค่อยๆยันตัวเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ คนที่สองก็อยู่ในอาการเดียวกันมันไม่ตายไม่มีเลือดออกไม่มีบาดเจ็บไม่มีใครหันมามองทางที่อยู่ของคนที่แกล้งมันเลยมันคงไม่คิดว่านี่เป็นการกระทําของคนนั่นเองความวุ่นวายเริ่มเกิดขึ้นเสียงที่พูดกันเริ่มจอกแจ๊กจอดแต่จนฟังไม่รู้เรื่องคนต่อไปทําท่าจะเข้ามาในรัศมีอีกจ่าดาวเหนือเร็งไว้แล้วกดไกทันทีโอ๊ยโอ้ยไอ้คนนี้ตกน้ําไปอีกคน หลังไม้ที่มันแบกมาร่นกระแทกพื้นแตกหีบเหล็กสีเขียวทหารจํานวน4ี่ใบกระจายออกมาทั้งสมคนที่ซุ่มแก้งมันอาปากขางตาลึงไปชั่วครู่เฮ้ยกระสุนเอ็มสิหพันตรีโรเจอร์อุทานออกมาเพราะรู้จักกับหีบเหล็กพวกนั้นดีเป็นไงเมเจอร์ Major? งงเลยครับที่กองทัพสหรัฐก็ให้การสนับสนุนกองทัพเวียดกงเหมือนกันจ่าดาวเหนือพูดด้วยความสะใจที่ได้ประชดประชันกับการลบในลาวนี้เสียมากกว่าพอรู้ดีว่ากระสุนเล่านี้มาอย่างไรแล้วจะไปไหน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพบหรือรู้เพราะเรื่องอย่างนี้มันมีอยู่ทั่วทุกสมรภูมิที่สหรัฐเข้าไปทำการลบตอนที่ยี่สิบแปยังไม่มีถี่าไว้พวกเวทกงที่หน้าถ้ำน้ำตกนั้นจะรู้เรื่องว่าอะไรเกิดขึ้นกับพวกมันคนที่โดนลังสีเข้าไปกระดกกระเดกตัวเองถีแรกก็คลานกับพื้นแล้วจึงค่อยๆ ย, ยันกายลุกขึ้นยืน คนที่ตกน้ำทำท่าจะจมน้ำตายเพราะไม่มีแรงจะพยุงตัวมันต้องดำผุดดำว่ายอยู่นานกว่าจะช่วยตัวเองได้เล่นเอาไหลาตามกระแสน้ำไปไกลเหมือนกันเพื่อนฝูงหลายคนที่เดินบนฝั่งหวังจะตามไปช่วยเสียงดังสับสนของคนที่พูดกันพวกมันต่างคิดว่าพวกที่โดนยิงจากปืนลังสีนั้นเป็นตะขิวพอะต้องแบกของหนักเราก็เดินมาจากระยะทางที่ไกลด้วยคนที่ยังดีอยู่พยายามนวดบีบให้กระทั่งข้อยอย่างชัวจึงลุกขึ้นเดินต่อไปเอาอีกนอสตา พันตรีคอร์เลนส่งเสริมเพราะเห็นว่าสนุกดีจากดาวเหนือเองก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วปืนยังพาดแรงอยู่ที่เดิมมองเห็นแล้วว่าไอ้คนต่อไปกําลังจะเข้ามาโอ้ยโอ๊ยคราวนี้พวกมันเริ่มงงต่อเหตุการณ์คนที่จะเดินตามมาเริ่มหยุดชะงักทันทีพวกมันหลายคนมองไปบนท้องฟ้าหรือกว่าสายตาไปรอบๆเพราะไม่แน่ใจว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นไอ้คนที่โดนอีกมีอาการเหมือนคนก่อนทุกประการหลังไม้ที่หล่นแล้วแตกกระจายเพราะน้ําหนักของมันเอง ปรากฏสิ่งของที่ออกมาจากภายในล้วนเป็นอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในกองทัพสาสตร์ทางซีนคนต่อไปเดินเข้ามาอีกหลังจากที่คนหน้าเคลื่อนตัวออกจากทางไปแล้วโอ้ยโอ้ยคราวนี้ขบวนคารวานที่ยังเหลืออยู่อีกไม่กี่คนนั้นต้องหยุด ท, ทันทีบางคนเข้าที่กำบังบางคนถอยหลังทั้งนี้แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนที่จะคิดว่านั่นมันคืออะไรทหารเวียดกงที่ถือปืนในมือใสกระบอบปืนไปมาโดยคิดว่าต้องมีฝ่ายตรงข้ามอยู่ที่นี่แน่ มันพยายามมองหาแต่ก็จนปัญญาเพราะมองไม่เห็นอะไรเลยมาถึงตอนนี้พวกที่เข้าไปในถ้ำแล้วต่างออกมามุงดูเป็นกลุ่มใหญ่เสียงวิภากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นจนอึงอน้นหลายคนมองพื้นที่ตอนนั้นอย่างพินิจพิเคราะห์อยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรขบวนเดินทําท่าจะหยุดไอทหารเวทกองที่ควบคุมมาเห็นท่าไม่ได้การจึงออกคําสั่งให้เร่งเดินทางต่อแต่คราวนี้ไม่มีใครกล้าออกเดินจนไอคนสั่งต้องขึ้นเสียงแล้วเอาปืนขู่นั่นแหละมันจึงจะออกเดิน แต่พอมาถึงจุดที่มันเคยโดนมันจึงต้องโดนอีกโอ้ยโอ้ยมันก็แบบเดิมที่คนก่อนโดนมาเพราะมันเป็นการกระทําจากที่เดียวกันอเอวีตโกงที่ออกคําสั่งถึงกับผงะเพราะไม่แน่ใจเสียงคนที่ต้องแบกของมาหนักบอกให้คนฟังออกเดินไปก่อนบ้างมีการโต้เถียงกันเล็กน้อยแล้วเอวีตโกงใจกลา้าจึงออกนําทันทีมาสตาปล่อยมันไปพันตรีโรเจอร์สั่งด่วนให้จ่าดาวเหนือปล่อยมันไป เพราะแผนการแบบปัจจุบันทันด่วนเพิ่งคิดขึ้นมาได้ไอเวทโกงคนนั้นเดินผ่านไปได้อย่างปลอดภัยมันคงหันมาบอกกับพวกคารวานว่าไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เท่านั้นไอเวทโกงคนนั้นมันเดินย้อนกลับมาให้ดูอีกรอบพร้อมกับหัวเราะรั่นในความสําเร็จของมันไม่ต้องห่วงเลยว่าไม่อไอเวทโกงมันย่ามใจอย่างนั้นคราวนี้มันจึงสั่งการอย่างหนักและแรงกว่าเดิมคารวานคนที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องถูกปากระบอกปืนกระแทกเข้าที่แผ่นหลังจนตัวแอนมันคงสั่งว่าให้เร่งเดินไป เอาเลยเนาะตาไม่ต้องบอกจ่าดาวเหนือก็เข้าใจอยู่แล้วคราวดีนูเหมือนจะเป็นคนมงที่แบกของนั้นจ่าดาวเหนือเล่งปืนทันทีกระทั่งไอ้มงคอหลายคนนั้นเข้ามาในรัศมีโอ้ยโอ้ยอยไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่าหลังไม้ที่มงคนนั้นแบกอยู่มันจะเป็นสารเคมีชนิดร้ายแรงหลังไม้หล่นกระแทกพื้นดินอย่างแรงตามน้ําหนักสิ่งที่บรรจุภายในเป็นขวดแก้วขนาดใหญ่ทนแรงกระแทกไม่ไหวจึงแตกกระจาย สารเคมีชนิดเหลวที่ยังไม่รู้ชนิดหรือประเภทเกิดทําปฏิกิริยาขึ้นมาระเบิดตัวเองเสียงดังสนั่นวันไหวส่วนผสมที่ถูกแรงอัดระเบิดกระเด็นไปถูกคนที่อยู่ในรัศมีจนได้รับบาดเจ็บไปหลายคนคนที่ไัยเมื่อไม่รู้จะหลบไปทางไหนเลยต้องทิ้งของบนบ่ากและโดดลงน้ําไปอะไรนะเมเจอร์สารเคมีชนิดเหลวที่ใช้เป็นส่วนผสมในการทําระเบิดแล้วมันคืออะไรล่ะครับมันก็เป็นได้หลายอย่างนะนอสตาอย่างเช่นฟอสฟอรัสกรดเพดทิกลกรดอะดีเ โซเดียมในเตรดไนโตรกลีเซอรีนจำพวกนี้แหละกองทัพสารและขดจำหน่ายหรือว่าจ่ายให้ฟรีหรือเปล่าครับเรื่องนี้ต้องไปถามไอ้มองสองตัวนะั่นดูเนาะสตาครับถ้าองั้นเดี๋ยวผมจะวิทยุไปถามมันดูมันไม่มีวิทยุไม่ใช่เหรอเนาะสตาพันตรีคอนลินโจกตามมาอีกจากเหตุการณ์ที่เห็นในตอนนี้ทั้งสามคนต่างรู้สึกสลดใจกับสถานการณ์ในการลบสารเคมีเหล่านี้ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดในประเทศเหล่าเรามันจะมาจากไหนล่ะทำไมใช้พวกตนเป็นคนหาให้ เป็นอันรู้เห็นเราว่ากองทัพศัตรูอย่างเวทกงนั้นหายุทธปัจจัยในการรบจากฝ่ายตรงข้ามของมันนั่นเองคิดแล้วอยากจะหวัวเราะถ้าเป็นแบบนี้ฝ่ายที่จะแพ้สงครามก็คือพวกเขานั่นเองพวกเราซุ่มอยู่ที่แนวเดิมเข้าใจเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วถึงความมุ่งหมายของหัวหน้าชุดที่เล่นเกมนี้แต่ก็อดไม่ได้ที่ต้องรู้สึกสะท้อนสถานกับการระเบิดของสารเคมีคลาวนี้รังนี้คงไม่ใช่เพียงรังเดียวแน่ที่มันเอามาจำนวนหนึ่งคงล่วงหน้าเข้าไปในถ้ำก่อนแล้ว ไอ้วีตกองคนที่เคยเดินนําขบวนคาราวานเข้าไปได้อย่างปลอดภัยหรือแม้แต่คนอื่นๆต่างก็พากันโดดจนตัวลอยเข้าที่กําบังส่วนไอ้คนต้นเหตุที่ทําให้เกิดการระเบิดนั้นร่างของมันโดนสารเคมีนั้นราดอย่างถนัดถนีมองเห็นควันสีขาวเงินยวงพุ่งผวยน้ํำยาที่เป็นสารเคมีเดือดปุดๆจนทําให้ร่างนั้นต้องดิน้นด้วยความเจ็บปวดไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเหลือมันได้มันลองแล้วดิ้นตะเกียกตะกายทูไทยไปกับพื้นหินกระทั่งกิ้งตกลงน้ําไม่รู้เหมือนกันว่ามันตายหรือยัง เราไม่เห็นบันดิ้นในน้ำนั้นอีกร่างที่สงบนิ่งจมดิ่งลงสู่ใต้น้ำที่ใสจนมองเห็นแล้วลอยไปตามแรงกระแสน้ำคนอื่นๆอีกสี่ห้าคนที่โดนสเก็ดเล็กสเกตน้อยของสารเคมีที่พอรู้ตัวต่างก็ทิ้งรังไม้บนบ่าแล้วก็จมลงน้ำชนิดที่เรียกได้ ว, ว่าไม่กลัวคอหักกันเลยซึ่งก็คงจะดีกว่าที่จะปล่อยให้ถูกโลวกร้อนอยู่อย่างนั้นพื้นที่ทางเดินตรงนั้นเลยถูกปิดกั้นด้วยสารเคมีไม่มีช่องทางที่คนจะเดินผ่านไปได้ขบวนคาราวานเลยต้องหยุดชะงัก ทุกคนต่างพากันออกให้ห่างไกลการที่มันเอามืออุดจมูกก็คงเป็นด้วยกลิ่นที่ฉุนจนแสบจมูกนั่นเองเอาไงดีนอสตาดูมาโเรื่อยๆก่อนครับเจ็บแสบจริงไอ้พวกเนี่ยมันเป็นมานานแล้วครับเมเจอร์หมายถึงวิธีการที่มันสามารถจัดหาสิ่งของต่างๆมาใช้ในการทําสงครามอาวุธและปัจจัยที่เป็นของตัวเองกลับมาฆ่าตัวเองมีหรือจะไม่เรียกว่าเจ็บและแสบจา่าดาวเหนือปล่อยเหตุการณ์ด้านนี้ไว้ก่อนจัด ก, การวิทยุถามไปทางด้านจ่ายุทธพง์ดูบ้าง เป็นไงนิดด้านจายุตไอ้สี่คนที่ตามมาตอนเนี้มันตามไปสมทบกับพวกนั้นแล้วครับเอองั้นบอกจายุธให้กลับมาสมทบพวกเราได้แล้วครับพี่ความเงียบเขาปกคลุมอีกครั้งหลังจากการระเบิดของสารเคมีหลายคนนั่งราบกับผืนอย่างหมดอะไรตายอยากเวทกองสองสามคนกําลังปรึกษาถึงวิธีการแก้ไขปัญหานี้คนหนึ่งในจํานวนนั้นมองขึ้นไปทางเบื้องสูงมันคงกําลังมองหาหานทางที่จะอ้อมวกพื้นที่ ก่อนที่มันจะได้สร้างการก็พากันหันไปมองทั้งด้านปากทางเข้าเป็นตาเดียวรวมทั้งพวกคารวานนั่นด้วยนั่นงังเมเจอร์หัวหน้าใหญ่มันจ้าดาวเหนือเป็นคนบอกทั้งนี้สังเกตจากเครื่องแบบที่มีปืนพกคาดที่เอวบ่าที่มีอินทอร์นูเครื่องหมายยศใบหน้าและท่าทางแบบคนที่มีอายุมากกรอบกับท่าทางที่วางอํานาจรวมทั้งมีบริวารติดตามมาอีกเจดปดคนนอสตาถ้าหัวหน้าใหญ่มันเข้ามาเอามันเลยนะจ้าดาวเหนือหัวเราะเบา แน่นอนเมเจอร์จ่าดาวเหนือเตรียมพร้อมอีกครั้งแต่ดูเหมือนคราวนี้จะทําไม่ได้อีกเพราะพื้นที่ตอนนั้นถูกครอบด้วยสารเคมีผมไม่มีใครกล้าเดินเข้ามาเพราะเกรงพิษมันนั่นเองจ่าดาวเหนือก็เลยต้องเร็งเกอร์เมื่อคนที่เป็นหัวหน้าสั่งการให้ขบวนคาราวานย้อนกลับอ้อมวกไปอีกทางเอาอีกแน่นอสตาพอเถอะครับแค่นี้มันก็ขยาดแล้วผงไม่กล้าผ่านทางตรงนี้ไปอีกนานชุดซุ่มแกล้งคนซุ่มดูกระทั่งศัตรูคนสุดท้ายพ้นไป งให้ทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบร่างของไอเหยื่อคอรลายซึ่งมีเพียงคนเดียวที่ต้องตายถูกเพื่อนงมศพขึ้นมาจากน้าแล้วแบกไปมันจะเอาไปฝังโดยเผ่านั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของมันก็แล้วกันตอนที่29่้าขบวนเดินของชุดปฏิบัติการเริ่มออกเดินทางต่อไปอีกคราวนี้ไม่ต้องระวังพวกที่จะตามมาข้างหลังอีกแล้วคงเหลือแต่ทางด้านหน้าเท่านั้นที่อาจต้องจเอกับพวกมัน สถานการณ์ทางค่ายฟูอย่างที่เป็นจุดหมายปลายทางของภารกิจถ้าชุดปฏิบัติการสามารถอย่างรู้ระยะทางได้คงมีกําลังใจที่จะเดินกันอีกมากเพราะคงใช้เวลาอีกไม่เกิน10วันหรืออาจจะน้อยกว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์อื่นใดมาแทรกที่นั่นใครที่เห็นก็ตอบได้ทันทีว่ามันคือคุกรั้วที่ทําด้วยไม้สูงทางต้นปักเรียงรายกันล้อมรอบอาณาบริเวณที่เป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ200เมตรความสูงของรั้วราวๆห้าเมตร ไม่มีทางที่คนคุกจะกระโดดออกมาได้ไม่เพียงแต่เท่านั้นทุกๆระยะห้าสิเมตรป้อมที่ถูกสร้างอย่างแข็งแรงชนิดกันกระสุนกันฝนกันแดดเป็นการสร้างอย่างถาวรปืนกลขนาด 12. บุดมลเมตรกับคนที่เป็นยามสองคนในเวลากลางวันและสี่คนในเวลากลางคืนแค่นั้นน่าจะเพียงพอสำหรับคุกธรรมดาแต่นี้มันเป็นคุกพิเศษที่คนในคุกนั้นคือเชลยสงครามดังนั้นที่ใต้ป้อมแนวหลวจึงถูกสร้างให้เป็นที่พักนอน คนเจ็ดแปดคนนอนพักประจําอยู่คนนั้นไม่เท่าไหร่หรอกแต่หมาที่มันเลี้ยงเอาไว้นี่สิหมาพวกนี้ได้รับการฝึกดมกลิ่นสะกดรอยตามศัตรูมาแล้วเป็นอย่างดีบ่อยครั้งที่มีการฝึกหมาพวกนี้ให้ออกไล่ล่าเฉลยที่แหกขุกนี่คือกีดความสามารถของหมาไล่ล่ารอบบริเวณที่มีทางเขาออกเพียงทางเดียวคือประตูค่ายคนที่เป็นยามสองคนประจําอยู่ที่นั่นรวดหนามที่สารกันทียิบเป็นบานประตูที่นานๆจะเปิดสักที โอกาสที่จะเปิดก็คือเมื่อครั้งที่รถนำอาหารมาส่งเท่านั้นซึ่งหมายความว่ามันจะเปิดออกทุกๆ15วันนอกนั้นไม่เคยเปิดเพราะไม่มีความจำเป็นหมู่บ้านฟูหยางห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรและห่างจากชายแดนลาวเวียดนามประมาณ10กิโลเมตรเป็นหมู่บ้านที่โดดเดี่ยวมาตั้งแต่โบราณกาลไม่เคยมีความเจริญจากภายนอกเข้าไปถึงไม่มีข่าวคราวเรื่องราวของโลกหรือใดๆทั้งสิน้น สิ่งที่พวกชาวบ้านได้รู้ได้เห็นมีเพียงเฉพาะที่ทหารในค่ายไปบอกไปเล่าให้ฟังเท่านั้นสุดเขตแดนประเทศทั้งสองผู้คนคงอยู่กันอย่างตามมีตามเกิดเงินทองดูจะไร้ความหมายเพราะถึงมีก็ไม่มีสินค้าสิ่งของให้ไปซื้อความสงบในอดีตมาเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวียด น, นามเหนือเข้ามามีบทบาททางการรบนี่เองทหารเริ่มเข้ามาชาวบ้านจึงเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงบรรดาเฉลยที่อยู่ในค่ายนั้นชาวบ้านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเกี่ยวข้องมากนัก ในความรู้สึกแล้วชาวบ้านต่างเกลียดชังเหล่าฉเฉลยพวกนี้ทั้งนี้เนื่องจากทหารพยายามที่จะป้ายความผิดความไม่ดีความเลวร้ายของฉเฉลย ใ, ให้ฟังอยู่เสมอว่าฉเฉลยเหล่านี้คือทหารของประเทศที่กดขี่ข่มเหงชาวเวียดนามเป็นประเทศที่ลุกร้านชาวเวียดนามที่รักแต่ความสงบคราวใดที่สหรัฐอเมริกาทําการปูพรมระเบิดใส่เวียดนามเหนือคราวนั้นทหารจะทําการแหบประจานฉเฉลย อ, อเมริกันไปทั่วหมู่บ้านว่านี่คือพวกเดียวกันกับที่ทิ้งระเบิดใส่บ้านเรือนคน ชาวบ้านที่มีโอกาสฟังตะเพียงพวกของตัวเองพวกเดียวจึงต้องเชื่อเป็นธรรมดาภายในค่ายที่บ้านแบบใต้ดินที่สถาปนิกเวียดนามออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับเป็นคฤหัสของเหล่าฉเฉลยมันใช้แบบขุดลงไปในดินลึกไม่น้อยกว่าสาเมตรภายในใช้ไม้ชนิดต่างๆทําเป็นพื้นและฝาผนังซึ่งก็ดีไปอย่างที่ไม่ต้องทําเป็นกงรงรังคาเป็นไม้สูงขนาดคนโอบวางเรียงกันมาวางชั้นแรกแล้วก็ใช้ดินถมทับลงไปเราใช้สูงขนาดเดียวกันวางทับอีก คราวนี้วางขวางกับครั้งแรกเราทับด้วยดินอีกครั้งแล้วก็ซุงอีกครั้งรวมแล้วหลังคาทําด้วยสูงซ้อนกันถึงสามชั้นบนสุดเป็นดินที่มีการปลูกต้นไม้ต้นยาให้กลมเกินกับธรรมชาติห้องใต้ดินที่มีขนาดห้าคูณสิบเมตรเราใส่คนเข้าไปถึงหนึ่งร้อยห้าสิบสี่คนก็เลยไม่ต้องเดินกันแม้แต่ตอนนอนก็ต้องนอนเรียงกันเหมือนหมู่ที่รอมีดหมอมาตอนใครกระดิกสักคนทุกคนต้องตื่นหมดนั่นเป็นวัตถุประสงค์ของสถาปนิกที่ออกแบบอยู่แล้ว เรื่องของความแข็งแรงนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการแหกคุกเป็นอันตัดไปได้หรือแม้แต่การทิ้งระเบิดแบบปูพรมที่ใครๆต่างกลัวแต่บ้านของคนคุกพวกนี้กลับไม่กลัวเพราะใช้หลักการของบังเกอร์แบบปิดมาทําการสร้างบ้านหลังที่อยู่บนพื้นราบตามแบบบ้านปกติของคนทั้งโลกนั้นที่เห็นมีอยู่หกหลังซึ่งแน่นอนที่บ้านพวกนั้นก็คือบ้านของพวกผู้คุมความสุขสบายในความกว้างขวางและแข็งแรงในการป้องกันศัตรู หล่นเป็นฝีมือของเราเฉลยทั้งสิ้นรวมทั้งหลุมหลบภัยเมื่อมีการโจมตีคายทั้งจากทางพื้นดินและจากทางอากาศต้นไม้ที่ใหญ่ขนาดสองถึงสาคนโอบสูงเสียดฟ้าทอดใบและกิ่งก้านปกคลุมบริเวณชนิดที่แสงแดดไม่มีโอกาสลอดลองสู่พื้นดินได้นั่นหมายความว่าหากมีการถ่ายภาพทางอากาศของฝ่ายตรงคามย่อมทําไม่ได้หลายต่อหลายครั้งที่สหรัฐพยายามจะถ่ายภาพทางอากาศแต่ก็ไม่เคยประสบผลสาเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียว ถึงขนาดใช้การถ่ายภาพจากดาวเทียมแล้วก็ตามเครื่องมือทุกชนิดที่นำมาใช้ไม่สามารถจะใช้ได้เนื่องจากความทึบของต้นไม้ใหญ่เหล่านี้นั่นเองความสำคัญของตัวฉเฉลยที่เวียดนามเหนือต้องเก็บเอาไว้เป็นเครื่องต่อรองกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกานั้นเวียดนามเหนือลงทุนใช้ทหารของตนถึงหนึ่งกองพันที่มีจานวนกว่า300คนในการป้องกัน ถ้าเหล่านี้ล้วนคัดมาจากผู้ที่สูงส่งด้วยอุดมการทางการเมืองทั้งสิ้นนอกจากนี้จะต้องมีความรู้ความสามารถในการเผยแพร่ลัทธิทางการเมืองในการที่จะทำการล้างสมองเชลยพวกนี้ให้หันมานิยมชมชอบในระบบการปกครองของมันอีกด้วยพวกมันพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะทำให้สำเร็จให้ได้ทางวิธีการที่รุนแรงด้วยการทรมานสรพัดวิธีการใช้น้าเย็นเข้ารูป การให้สิทธิ์เหนือกว่าเฉลยคนอื่นหรือแม้แต่การลดสิทธิที่เฉลยอื่นๆได้รับแต่ดูเหมือนตั้งแต่เริ่มงานมาแผนการล้างสมองเปลี่ยนแปลงแนวความคิดให้กับเฉลยพวกนี้ยังไม่เคยมีผลสำเร็จบางครั้งเฉลยจะแกล้ง ท, ทําทีเป็นโอนอ่อนผ่อนตามซึ่งก็เป็นการทําเพียงเพื่อแลกกับสิทธิ์ที่เหนือกว่าเฉลยคนอื่นๆเท่านั้นขันที่จะส่งออกไปทํางานจริงๆเวียดนามเหนือกระเเห็นว่านั้นไม่ใช่ผลที่แท้จริงเรื่องก็เลยเป็นว่าต้องหาหนทางกันใหม่ต่อไปอีก ในคุกเฉลยไม่มีความสะดวกสบายอย่างที่ต้องการสิ่งที่ต้องการมากดูเหมือนจะได้ยากมากขึ้นในหนึ่งอาทิตย์จะได้อาบน้ําเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งหรือหน้าฝนตามร่างกายเต็มไปด้วยกลากเลือนหิดและตุ่มพุพพองโรคผิวหนังจึงเป็นของธรรมดาสําหรับพวกเขาเ่านั้นไม่มีใครรังเกียจใครไม่กลัวว่าจะติดเชื้อจากใครเพราะมันเป็นกันแล้วทุกคนโรคขาดสารอาหารหืดหอบวันโรคที่คนส่วนใหญ่ต้องไอแขกแขเกือบตลอดเวลา ร่างกายที่ผอมซีดมีแตกกระดูกรอเพียงวันตายเท่านั้นไม่มีการเยียวยารักษาไม่มีการถามไถ่หรือจัดหามหมอมาให้คนที่อยู่ก็อยู่ต่อไปส่วนคนที่ตายก็คนที่อยู่นั่นแหละเป็นคนเอาไปฝังให้บางครั้งยังแกล้งทิ้งศพคนที่ตายไว้เป็นเครื่องทรมานจิตใจคนที่ยังอยู่เล่นๆเนพรไม่มีอะไรจะมาแกลง้งครั้นจะขอเอาไปฝังไปเผากลับเอาเป็นว่ายิ่งของยิ่งไม่ได้ศพจึงถูกปล่อยให้เนา่าจนอืดจนเปื่อยแล้วจึงให้ไปฝัง นี่คือบางสภาพที่เรียกว่าความสุขสบายของเราฉเฉลยศึกแห่งคา่ายฟูหยางบ่ายวันนั้นภายในบริเวณค่ายเราฉเฉลยได้รับคำสั่งให้พักผ่อนความจริงแล้วไม่มีคำสั่งที่แน่นอนว่าให้พักผ่อนหรอกเพียงแต่ไม่มีการมอบหมายหรือสร้างงานก็เลยหมายถึงการพักผ่อนไปในตัวคนที่อยู่มากกว่าห้าปีตั้งรู้และเบียบนี้ดีพวกฉเฉลยซึ่งตอนนี้มีทหาราวฝ่ายรัฐบาลหนึ่ง้อยี่สิบสองคน ทหารอเมริกัน24คนทหารเสซอพรานไทย14คนรวมทั้งสิ้น160คนพอดีนี่คือจํานวนที่เหลืออยู่จนถึงวันนี้เฉลยหลายต่อหลายคนต้องตายไปมีทั้งที่ตายระหว่างการเดินทางมาที่ค่ายนี้หรือตายระหว่างที่อยู่ในค่ายซึ่งมีทั้งป่วยตายถูกทรมานตายถูกฆ่าตายเพราะฝ่าฝืนกฎรวมทั้งที่ฆ่าตัวตาย ความเศร้าโศกที่เคยมีให้กับเพื่อนจนบัดนี้มันเหือดหายไปหมดการตายเป็นของธรรมดาของเขาคนที่อยู่ล้วนกําลังรอวันตายทั้งสิ้นชีวิตที่มืดมนไม่รู้วันรู้เดือนรู้ปีไม่มีข่าวจากภายนอกความห่างไกลาจากส่วนหลังจนพวกเขาตั้งคิดว่าคงไม่มีทางจะรอดกลับออกไปอีกแล้วฉลยทั้งหมดถูกสั่งให้นั่งอยู่รวมกันที่ลานกว้างในค่ายนั้นแม้ไม่มีผู้คุมมาอยู่ใกล แต่คนที่อยู่บนปอมก็สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของทุกคนได้อย่างชัดเจนวันเวลาที่ผ่านไปกับการที่ต้องคลุกคลีกันอยู่ตลอดเวลาทำให้พวกเขาเหล่านั้นรักกันทอมอเมริกันคนที่ถูกจับเมื่อที่ที่แล้วเป็นใครจ่าสมบูรณ์ท่านเสือพานเป็นคนถามอ๋อเป็นนักบิน B-52 ชื่อพันตรีเนลเซนผมรู้เท่านี้แหละไรเอกทอมมีท่านอเมริกันนิกโกรอดีตนักบิน F สแฟนทอมเป็นคนตอบ วันนี้แล้วใช่ไหมที่เขาควรจะออกจากคุกแดดก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเซอร์เจนเพราะวันนี้ครบเดวันแล้วนี่คุกแดดคือคุกดินที่ขุดลงไปในดินลักษณะของมันเมื่อคนที่เข้าไปอยู่จะนั่งไม่ได้เพราะคับแคบมากจะยืนก็ยืนไม่ได้เพรามันตืนจะนอนก็นอนไม่ได้เพราะไม่มีความยาวดังนั้นคนที่เข้าไปจะอยู่ในท่ายืนย่อเข่าตลอดเวลาการพักทำได้เพียงใช้หลังหรือก้อนดันผนังไว้เท่านั้น หลงังคาเป็นสังกะสีแผ่นเดียวสำหรับรับความร้อนจากแสงแดดเข้าไปอบภายในหลุมทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นส่วนช่วงกลางคืนนั้นก็จะได้รับไอเย็นจากน้ำคางนั่นคือกลางวันจะร้อนจัดและกลางคืนจะกลับเย็นจัดไม่มีการผ่อนปรนแม้จะออกมาขี้มาเยี่ยวถ้าจะทำก็ทำในหลุมนั่นแหละ ไอ้ขี้เยี่ยวนี้แสนจะทรมานก่อนที่ใครจะเข้าไปอยู่เพราะมันเคยมีคนอยู่ก่อนมาแล้วขี้เยี่ยวที่แห้งเกล็ดกลังเหม็นจนทนแทบไม่ไหวเราต้องมาโดนของตัวเองทมทับเข้าไปอีกไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่อยู่ในนั้นทนได้อย่างไรอาหารวัดลเมือพร้อมกับน้ําที่ได้แค่อิ่มเดียวทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ตายถึงเวลาผู้คุมจเจ้ามาวางไว้ให้กินก็กินไม่กินก็ชั่งไม่มีการเปิดดูว่ายังอยู่หรือตายแล้ว คราวนั้นเฉลยตายในรูคุกผูกขุมถึงจะรู้ก็แกล้งไม่สนใจรอกระทั่งศพเปื่อยนั่นแหละจึงจะเกณฑ์นักโทษมาช่วยกันเอาออกไปทิ้งตอนที่สามสิบจ่าสมบูรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าเหล่าเฉลยทหารเสือพานเดินไปที่กลุ่มทหารเรลาบะคับขามเป็นไงบ้างสิบทศคัผุย ทหารลาวฝ่ายเจ้าสุวนรภูมาสังกัดหน่วยรบค่ายวังเวียงที่มีอายุเพิ่งสิบแปดปีอายุน้อยสุดและตัวเล็กสุดในหมูเฉลยมันมองดูปลอกเหล็กที่ข้อเท้าตัวเองเจ็บหลายเนจ่าจ่าสมบูรณ์จับดูเห็นปลอกเหล็กเริ่มกินเนื้อเข้าไปแผลไม่มีโอกาสได้พักตัวไม่มียาใส่เจ้าของคงได้แต่รูปคํำยังเบาๆเมื่อคราวที่รู้สึกเจ็บโซ่ขนาดนิ้วหัวแม่มือล่ามระหว่างขาทั้งสองข้าง แม้แต่เดินยังทําได้เพียงช้าๆเรามีหรือที่จะวิ่งได้ดังนั้นเรื่องอิสระาพาเป็นอันต้องพับเก็บไปแล้วของนายจ่าล่ะครับจะสมบูรณ์เหลือบมองของตัวเองบ้างของกูไม่เป็นไรหรอกเพราะมันด้านหมดแล้ววะ่ะหลายคนต่างมองดูที่ข้อเท้าของตัวเองนั่นคือฉเฉลยทุกคนต่างถูกล่ามโซ่ทั้งนี้ผู้คุมมันจะใส่ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาถึงมันว่านี่คือเครื่องหมายสังกัดให้รู้ว่าคนคนนั้นคือคนของหน่วยนี้มันว่าถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับ ใครๆหลายต่อหลายคนอยากได้ยังไม่มีโอกาสจะทําได้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมันก็ว่าของมันไปตามปภาษาคนชนะส่วนคนแพ้ก็ต้องรับไปตามประษาเหมือนกันมันเป็นเรื่องของที่ใครที่มันเซอร์เจนจาสมบูรณ์หันไปดูทางด้านหลังเสียงที่แหบพราจนฟังแทบไม่รู้เรื่องเรียกอยู่โอเคบิลมีอะไรซิบเบกบิลทห า, ารซาลชุรละตะเวนซึ่งถูกจับได้ที่ทุ่งไหอหินร่างที่เคยอ้วนถ้วนผอมจนเหลือแต่กระดูก ร่างที่ผอมโซจนแทบไม่มีแรงออกเสียงพูดมันเป็นท่าทางของคนที่กำลังตายชัดๆผมน่ากลัวจะไม่รอดแล้วนะบอกพวกเราทุกคนด้วยผมลากรอเฮบิลคุณย่าเพิ่งตายนะอดทนหน่อยสิคงมีสักวันที่เราต้องรอดออกไปได้แนะ่อดทนหน่อยจะสมบูรณ์เลื่อนตัวเข้าไปหาเพื่อจะปลอบใจเซอร์เจนคุณเป็นคนดีมากนะคุณเป็นนักรบที่กล้าหาญผมยอมรับ เสียงแหบพรายังแว่วออกมาจากปากของคนที่อยู่ห่างแค่คืบยังกระท่อนกระแทนจากสมบูรณ์มองหาพันตรีทอมสันคนที่เป็นหัวหน้าของเฉลยศึกอเมริกันเพื่อจะให้มารับรู้เรื่องที่เขาควรเกี่ยวข้องทอมคุณมาดูคนหน่อยสิ <im it> พันตรีทอมสันรีบมาทันทีเฮบิล hey, ทําใจดีๆไว้ทําใจดีสู้เสือไว้ก่อนคุณต้องไม่ตายคุณต้องไม่ตายคุณต้องไม่ตายไม่ต้องกลัวสักวันเราต้องรอดออกไปได้แน่เสียง <im it> พันตรีทอมสันดังลั่นจนทุกคนได้ยิน แต่ก็ไม่มีอาการรู้สึกอะไรอวบนแต่อย่างใดสายตาที่มองไปนั้นโรยลาและเหนื่อยลาชีวิตที่มีแต่ความตายแบบนี้แม้จะพบเห็นมาจนชินชาก็อดที่จะหดหู่ไม่ได้เฮบิล <Hey Bill, S 1> คุณทําใจดีๆไว้ทําใจสู้ไว้ก่อนคุณต้องไม่ตายคุณต้องไม่ตายคุณต้องไม่ตายไม่ต้องกลัวนะ่ะสักวันเราต้องรอดออกไปได้แนะ่เสพลงพันตรีทอมสันดังรันทุกคนได้ยินแต่ก็ไม่มีอาการรู้สึกอะไรอวบนแต่อย่างใดสายตาที่มองไปนั้นโอยลาและเหนื่อยลา ชีวิตที่มีแต่ความตายแบบนี้แม้จะพบเห็นมาจนชินชาก็อดที่จะโหดหู่ไม่ได้พันตรีทอมสันค่อยๆวางร่างนั้นลาบลงกับพื้นไม่มีคำพูดใดออกมาจากปาก เพราะเล็มฝีปากที่ถูกเม็มจนเป็นเส้นตรงและกรามที่ขบกันจนเป็นสันนูนคนอื่นที่เห็นรับตาลงยังไม่รู้ตัวบางคนถึงกับลืมหายใจไปชั่วครู่แม้จะชินชากับเรื่องแบบนี้สักปานใดแต่ความรู้สึกที่อยู่ในก้นบึ้งแห่งหัวใจยอมอดไม่ได้ที่จะมีอาการเหล่านี้ออกมาเขาตายแล้วพันตรีทอมสันทำท่าอามนนั่นเป็นอาการสวดให้เพื่อนได้ไปสู่สุขติเราค่อยๆ ย, ยันกายลุกขึ้นก้าวเท้าห่างออกไป คนอื่นที่อยู่ข้างๆไม่ได้ลุกหนีไปไหนต่างนั่งดูศพอย่างสงบเพราะไม่รู้จะทําอย่างไรเมื่อไม่มีคําสั่งจากผู้คุมการที่จะแบกศพเดินไปรอบๆค่ายนั้นเป็นสิ่งไม่มีประโยชน์ดังนั้นสิ่งที่ทําในตอนนี้ก็คือรอคําสั่งจากพวกมันว่าจะให้เอาไปฝังหรือปล่อยเอาไว้อย่างนั้นก่อนเพราะเคยมีตัวอย่างมาแล้วที่ศพถูกปล่อยให้เน่าอยู่ตรงที่ที่ตายตรงนั้นกระทั่งเนา่าคิดวัยพวกผู้คุมมันคงเหม็นมันจึงสั่งให้เอาไปฝังนอกค่าย ท่ามกลางความเงียบงานนั้นทุกคนต่างหันไปดูทางต้นเสียงซึ่งเป็นเสียงตวาดของไอ้ผู้คุมทหารเวียดนามเหนือที่ดังขึ้นมาไอ้พวกเดินตายเอา้านี่เพื่อนใหม่ของมึงรับเอาไปภาพที่เห็นคือทหารสารัดที่รูปร่างนาตามไม่น่าจะเรียกว่าคนขาที่ไม่มีแรงแม้แต่จะยืนหรือก้าวเดินเรือที่แห้งเกละกลังตามตัวและใบหนาพพ้าผมเผ้เป็นกระเซิง โดยหนวดเคราวหน้าขาวซีจนออกเหลืองลิ้มฝีปากที่แห้งผักจนเป็นผงสีขาวถูกลากตัวออกมาพอประกาศให้พักพวกมันได้ทราบไอ้คนที่พาตัวมาออกแรงผักเพียงเล็กน้อยร่างสูงกว่าหนึ่ง้อยแปสิบเซนติเมตรกับน้ําหนักตัวเกือบ200รอยปอนถึงกับกระเด็นกิ้งไปกับพื้นเอาพวกมึงไปเอาไปเสียงสั่งดังมาอีกทหารสารัฐสองคนต้องไปรับตัวมาเมเจอร์เป็นไงบ้างยังไม่มีคําตอบจากคนที่มาใหม่นั้น และทั้งมาถึงกุ่มของพักพวกเมื่อได้น้ำพออิ่มนั่นแหละเสียงของเขาจึงดังออกมาไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ไงเมเจอร์ Major. จะตายอยู่แล้วไหนนอนลงพวกเราจะช่วยคนมาใหม่ถูกจับให้นอนเหยียดลงหลายคนช่วยบีบนวดเพื่อให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นได้คลายตัวเมเจอร์ Major. ถูกจับที่ไหนไฮฟองแล้วทำไมถึงถูกจับบีห้าบสตกผมถูกจรวดแซมมันยิงเอาเครื่องระเบิดกลางอากาศแล้วคนอื่นละ่ะไม่รู้แต่คิดว่าคงตายหมดแล้ว แล้วเมเจอร์ทำไมรอดละ่ะผมโดดร่มดีตัวจากเครื่องได้ทนันแต่โอ้โหแบบเนี้ยผมว่าผมตายซะดีกว่าเอานะเมเจอร์ Major, อย่าเพิ่งคิดตายเลยพวกเราอยู่ที่นี่กันหลายคนสักวันหนึ่งเราคงรอดออกไปได้แน่ทุกคนต้องพยายามเก็บชีวิตตัวเองไว้ให้ได้รอดออกไปย่อมมีโอกาสกลับมาแก้แค้นถึงวันนั้นคงมันพิลึกละ่ะคนที่มาใหม่พยายามยิ้มแม้จะยากเย็นสักปานใดเมเจอร์ Major, ลองเล่าพวกเราฟังหน่อยทีตอนที่เครื่องตกเมเจอร์ Major, ถูกจับได้ไงวันนั้นน่ะตอนกลางคืน ผมจะต้องไปทิ้งระเบิดธรรมรายท่าเรือไฮฟองของเวียดนามเหนือเราไปกันทั้งหมด4ี่ลำมีแฟนทอมคุ้มกันแดลำที่ไฮฟองมันมีปตอามากเหลือเกินทั้งปืนทั้งจรวดมันระดมยิงมาเป็นชุดเลยคืนนั้นบี2สองถูกจรวดสามตกเครื่องหนึ่งก็คือของผมนี่แหละแฟนทอมตกสองเครื่องสำหรับนักบินของเราผมไม่รู้เลยนะ ผมโดดร่มออกมานักบินแฟนทอมพยายามที่จะเข้ามาช่วยผมแต่ทำไม่ได้ร่มของผมติดบนยอดไม้สูงร้อหสิบฟุตผมช่วยตัวเองไม่ได้เลยแฟนทอมเครื่องนั้นบินอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเขาจึงกลับไปแต่ผมติดอยู่บนยอดไม้นั้นสองวันผมลงมาได้ผมก็ออกเดินมาทางตะวันตกเดินอยู่เกือบวันเต็มๆทหารเวียดนามเหนือมันเอาหมามาไล่ล่าผมพอมันเจอผมมันปล่อยให้หมากัดผมเกือบตายมันซ้อมผมมันทำ้ายผมมันทรมานผมกระทั่งมันพอใจนั่นแหละมันถึงส่งผมมาที่นี่ เสียงนั้นขาดขาดหายหายเพราะคนพูดไม่ค่อยมีแรงแต่คนฟังก็ยังสามารถที่จะรู้เรื่องได้มันก็เหมือนกันทุกคนลายเมเจอร์พวกเราก็เคยโดนแบบนี้มาแล้วทั้งนั้นว่าแต่ว่าจากไฮฟองที่มันเอาเมเจอร์มาที่นี่มายังไงเดินนั่งรถหรือยังไงใช้เวลาเดินทางกี่วันมารถยนต์รถวิ่งสามวันผ่านป่าผ่านเขาตลอดทางนานๆถึงจะเห็นหมู่บ้านสักทีตามเส้นทางเมเจอร์เจออะไรบ้าง พวกมันมีหน่วยทหารอยู่ทุกระยะเลยนะมีคลังสเสบียงคลังอาวุธชาวบ้านช่วยกันซ่อมแซมถนนแต่พวกเนี้มันไม่เป็นมิตรกับเราเลยมันทําอะไรเหรอพอรถผ่านที่ที่ชาวบ้านทํางานอยู่นะรถมันก็จะหยุดพักไอทหารเวียดนามเหนือที่คุมตัวผมมามันจะประกาศให้ชาวบ้านพวกนั้นรู้ว่าผมคือทหารอเมริกันเป็นผู้ลุกลานประเทศมันเป็นคนที่เอาระเบิดมาทิ้งใส่บ้านเรือนผู้คนของมันคนเวียดนามที่เคยรักสงบ ทำไมเมริการจึงไปคมเหงร่งางแกมันมันจะพูดอยู่แบบเนี้ยสุดท้ายเรามันก็สั่งให้คนที่มามุงดูผมช่วยกันเอาก้อนดินก้อนหินคว้างป่าใส่ผมผมถูกขังอยู่ในกรงแบบนั้น่ะไม่มีทางหลบได้เลยมีอยู่ที่หนึ่งแต่ไม่รู้ว่าหมู่บ้านอะไรนะผมถูกชาวบ้านคว้างป่าตั้งแต่เช้าจนเย็นจนผมสลบไปเลยไอ้พวกนี้ทําไมมันป่าเถื่อนอย่างนี้น ะ, ะเชลยหน้าใหม่หยุดพูดแล้วหายใจหอบด้วยความเหนื่อยไม่ใช่ป่าเถื่อนหรอเมเจอร์ มันเป็นของธรรมดานะ่ถ้าเวลาเราคงทำแบบนี้เหมือนกันคำตอบนี้ทำเอาคนที่มาใหม่รับตาลงในสมองกำลังทบทวนว่ามันจะจริงหรือไม่แต่ก็อดที่จะเข้าข้างตัวเองไม่ได้ว่าพวกมันก็ทำท่ารุณกรรมแก้ตนมากเกินไปอยู่นั่นเองเมเจอร์ Major, แล้วสถานการณ์ทางฝ่ายเราเป็นไงบ้างช่วงนี้คุณหมายถึงที่ไหนละ่ะก็ในลาวาสิ เรื่องนี้ผมไม่ค่อยรู้หรอกนะเพราะผมอยู่แต่ที่อุตภเปาในประเทศไทยน่นแต่เห็นว่าในเวียดนามใต้สถานการณ์มันแย่ลงเรื่อยๆนะบางคนก็บอกว่าสงสัยฝ่ายเราจะต้องแพ้แล้วละ่ะทาไมมันเป็นอย่างนั้นละ่ะก็เพราะโครงการหรือแผนการต่างๆที่ฝ่ายเราเริ่มขึ้นมามันยังไม่เคยสําเร็จอะไรสักอย่างนะสิไหนเมเจอร์ลองขยายความให้ฟังหน่อยสิก็จะอะไรสิอีกล่ะ คือเรื่องของเรื่องมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยเรื่องการเมืองเรื่องการทหารมันก็ไม่ดีขึ้นที่ล้ายสุดก็คือเรื่องการขอรับช่นงของประเทศต่างๆที่สหรัฐให้ความสนับสนุนให้เป็นการช่วยเหลือสำหรับการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์นั่นน่ะมันไม่ถึงมือประชาชนเลยแต่มันตกไปอยู่ในมือพวกข้าราชการเจ้าหน้าที่หมดแม้แต่พวกเวโกงนี่ก็เถอะ มันก็เอาอาวุธของเรานั่นแหละมาสู้กับคนของเราแล้วมันจะเอาที่ไหนละ่ะถ้าไม่ไปเอาของที่ขายในตลาดมืดให้กับมันเรื่องพวกเนี้มันมีการจับกลุมกันอยู่ได้เรื่อยไอ้ที่จับได้มันก็เป็นเพียงส่วนน้อยแล้ไอ้ที่จับไม่ได้เราจะมีครั้งเท่าไหร่ลองแบบนี้แล้วลองคิดสิเราจะชนะมันได้เหรอเชลยคนใหม่มีอาการเหนื่อยอ่อนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดที่นี่เขามียาไหมไม่มีหรอกเมเจอร์อ้าวแล้วใครนอนอยู่นั่นล่ะเขาเป็นอะไร ตอนที่สาเอเฉลยคนใหม่ ย, ยันกายลุกขึ้นใส่ตามองไปที่เฉลยที่ตายไปเมื่อครู่สิบเอกบิลเขาตายแล้วโอ้กอดเขาเป็นอะไรตายแล้วทําไมไม่จัดการเรื่องศพให้เขาก่อนละ่ะเขาเป็นอะไรตายนะะ่ะเหรอเขาก็เป็นเฉลยตายน่ะสิส่วนเรื่องศพเราต้องรอคําสั่งก่อนต้องใช้เวลานา น, านพอสมควรเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดการศพ พบที่อยู่ก่อนตั้งเล่าเรื่องภายในคุกแห่งนั้นให้แก่คนที่มาใหม่ฟังอย่างละเอียดเพื่อให้เขาได้รู้ตัวไว้การที่รู้ตัวก่อนอาจจะทําให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นและทั้งคนที่มาใหม่รู้และเข้าใจอย่างทราบซึงเราว่าเวทโกงไม่มีมนุษยธรรมแก่เราศัตรูแม้แต่น้อยในค่ายเฉลยศึกไม่มีคําว่าสนธิสัญญาเจนีวาที่โลกทํากันอาหารถูกยกมาวางที่กลางลานฉเฉลยทั้งหมดเข้าแถวกันเองตามระเบียบ ผู้คุมวางถังข้าวลงแล้วเดินจากไปมันไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นหมาสามสี่ตัวที่ถังข้าวปีนปากถังเอาปากงับข้าวด้วยความหิวหมาของผู้คุมมีศักดิ์ศรีเท่ากับผู้คุมฉเฉลยไม่มีสิทธิ์จะไปไล่หรือตีมันเมื่อมันอยากกินต้องปล่อยให้มันกินไปหรือมันอยากจะกัดใครก็ต้องปล่อยให้กัดนี่เป็นกฎของคุกอาหารมือนานซึ่งเหมือนกับทุกๆมือที่ผ่านมาฉเฉลยคนใหม่ต้องกล้ากลืนกระเดือกเข้าปาก หากไม่ทำมิหวังอดตายข้าวที่มีข้าวสารกับข้าวเปลือกอย่างละครึง่งบางครั้งต้องทนเคี้ยวแกรบให้มันแหลกเรากินเข้ากระเพาะไปกับข้าวที่มีผักสารพัดชนิดเท่าที่จะหาเก็บได้ในป่าและในหมู่บ้านจะเป็นยอดอ่อนยอดแก่หรือแม้แต่ผักที่เน่าแล้วเอามารวมกันทั้งที่หั่นและไม่ได้หัน่นต้มแล้วใส่เกลือเพียงอย่างเดียว ก็พร้อมแล้วสําหรับคนที่ถูกเรียกว่าฉเฉลยเป็นอย่างนี้ทุกมือทุกวันในหนึ่งเดือนจะได้กินเนื้อซึ่งจะเป็นเนื้อหมูเนื้อควายเนื้อวัวหรือเนื้ออะไรก็แล้วแต่หนึ่งครั้งแต่ที่ไม่มีทางได้ริมรสเลยก็คือเนื้อหมาที่เป็นอาหารโปรดประจําชาติของพวกเวียดนามทอมวันนี้คุณว่ามันจะต้อนรับเมเจอร์เนลเซนยังไงลองทายสิหมายความว่าไงเซเรนพันตรีเนลเซนคนที่มาใหม่ต้องงุนงงต่อคําพูดนั้น เราหันมามองหน้าร้อยเอกทอมมี่แน่นอนเซอเจนมันก็ต้องมีแน่นะผมว่าสองเกมแรกนะคือเอาแหบประจานในหมู่บ้านที่นี่อีกเกมก็อาจจะเป็นเกมหมาล่าคนก็ได้พร่านหลังเนี่ยดูเหมือนจะว่างเว้นมาเกือบเดือนแล้วหมายความว่าไงเกมหมาล่าคนนะ่ะก็หมายความว่ามันจะปล่อยเมเจอร์หนีแล้วมันก็ให้หมา อ, อดมกินล่าสิไอ้คนไม่เท่าไรหร่หรอกเราอาจหนีรอดได้แต่อิหมาเนี่ยสิพวกนี้ร้ายฉมัดมันดมกินเก่งจริงๆเคยมีคนหนีรอดไหม เคยเหมือนกันคือรอดตายจากที่นี่แต่ต้องไปอยู่ในป่าพันตรีเนลเซนถึงกับหน้าเสีดเขาไม่คิดว่าจะมีความหัดหรือโหดแบบนี้หลงเรืออยู่ในโลกแล้วเราควรทำไงดีกับไอ้หมาพวกนี้ไอ้วิธีการนะมีเยอะแยะแต่ทําไม่ได้เพราะเราไม่มีเครื่องมืออุปรกรณ์น่ะความเงียบเขาปกคลุมทันทีเขาสารปนเขาเปลือกที่กืนลงคอยากอ ย, กอยู่แล้วกับยากเพิ่มขึ้นอีกในใจของพันตรีเนลเซนคิดอยู่ว่าคราวนี้หรือชาตินี้จะมีโอกาสได้กลับคืนสู่บ้านเมืองหรือไม่เท่านั้น การที่ต้องตายนั้นเขาควรจะตายด้วยน้ำมือตัวเองหรือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายศัตรูสายตาทุกคู่ต่างให้ความสนใจแก่สมาชิกใหม่พันตรีเนลเซนนักบินบี2จากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาในใจนั้นเตยมไปด้วยความเวทนาสงสารความที่ตนเคยโดนมาแล้วจึงรู้ดีว่าเกมหมาล่าคนนีมันเฮี้ยมโหดเพียงใดความสงสารเกิดขึ้นในความรู้สึกแต่ก็สุดที่จะเข้าช่วยเหลืออะไรได้ ในยามนี้ทุกคนต่างต้องพึ่งพาอาศัยได้แต่ตัวเองเท่านั้นชีวิตที่เก็บรักษามานานจะต้องพยายามเก็บรักษาต่อไปอีกผู้คุมทหารเวียดนามเหนือนั้นไม่มีความเมตตาแม้แต่น้อยความโหดเหี้ยมของพวกมันเกิดจากอุดมการที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เกิดอเมริกาคือศัตรูหมายเลขหนึ่งของมันของเวียดนามเหนือการปฏิบัติการโจมตีทาลายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดเมื่อมีกองทัพสหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง การรบครั้งนั้นฝ่ายเวียดนามเหนือจะทำการประโคมข่าวทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนของมันรู้อย่างกว้างขวางว่าทั้งหมดนั้นเป็นการกระทำของสหรัฐการที่ได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ฝ่ายตนเองได้รับแต่ความโหดห้ายจากการกระทำของคนอื่นย่อมเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ความเกลียดชังนั้นต้องฝังลึกลงไปในจิตใจและสายเลือด เวียดนามเหนือมีการรณรงค์ให้ประชาชนของตนเกลียดชางศาสตรัฐอเมริกามาตั้งแต่เกิดทั้งนี้เพื่อเป็นการหวังผลระยะยาวตามแนวความคิดของโฮจิมินใครจะเชื่อบ้างว่าแม้แต่โจทย์เลขคณิตที่สอนเด็กยังเขียนว่าวันหนึ่งในฤดูร้อนอันอบอุ่นเครื่องบินของอเมริกันมาทิ้งระเบิดทำลายประเทศเวียดนามจำนวนสิบลำปรากฏว่าถูกนักรบทหารกล้าของเวียดนามยิงตกห้าลำคำถามคือเครื่องบินอเมริกาเรือกี่ลำ หรือบางคำถามที่ว่าประชาชนเวียดนามเหนือที่รักแต่ความสันติสุขกำลังเกี่ยวข้าวอยู่ในนาจำนวน150คนเวลาต่อมาเครื่องบินอเมริกาได้มาทิ้งระเบิดใส่ชาวนาตาย90คนคงเหลือชาวนาที่เกี่ยวข้าวอีกกี่คน เด็กเล็กที่ถูกหัดให้เล่นกับของเล่นประเภทอาวุธเช่นปืนสิ่งที่นำมาทำเป็นเป้าคือรูปทหารอเมริกันเป็นตน้นเมื่อคนเหล่านี้เติบโตขึ้นมามีหรือที่เขาจะไม่เกลียดชาสารัฐอเมริกาดังนั้นคลาใดที่พวกเขาพบเห็นทหารสารัฐสิ่งที่เขาต้องทำคือการระบายความแค้นประชาชนทุกคนจะยึดมั่นในผู้นำย่างเหนียวแน่นพ่อแม่จะสอนเด็กว่าใครคือพระเจ้าเด็กจะตอบว่าลุงโฮเสื้อพาหนีใครให้เด็กจะตอบว่า รุงโฮรวมทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคนของเขาหลวนเป็นสิ่งที่ลุงโฮจิมินให้ทั้งสิน้นเฉลยทั้งหมดกลับมารวมกันอีกครั้งหลังอาหารมื้อนั้นพันตรีเนลสันกลายเป็นไข่แดงอยู่กลางวงล้อมของทุกคนคำถามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ภายนอกมากกว่าคำถามที่พันตรีเนลสันจะได้ถามพวกที่อยู่ก่อนซึ่งดูเหมือนจะเป็นการเห็นแก่ตัวอยู่บางแต่จะทาอย่างไรได้ ในเมื่อทุกคนที่อยู่มาก่อนนั้นต่างปรับตัวให้เข้ากับความลำบากได้ทุกชนิดแล้วความคิดที่ฝังแน่นกับการที่จะมีโอกาสรอดออกไปยังมีบ่อยครั้งที่บางคนพยายามที่จะแหวกเลยหลบหนีจะค่ายกักกันนี้ไปให้ได้บางคนตายระหว่างทางบางคนกลับมาตายที่เก่าทั้งนี้และทั้งนั้นล้วนถูกตามลาจนหนีไม่รอดทางสินแล้วเสียงคุยกันก็เงียบลงทันทีเมื่อมีเสียงเรียกจากผู้คุมไอพันตรีเนลเซอนออกมา ผู้คุมที่เป็นหัวหน้าค่ายพร้อมด้วยลูกน้องติดตามอีกห้าหคนที่มีอาการพร้อมในมือยืนประกบอยู่ข้างในลักษณะของการคุ้มกันฉเฉลยศึกตั้งหันหน้ามองทางคนที่เรียกพันตรีเนลเซนพันตรีเนลเซนได้ยินเพื่อนที่อยู่ข้างๆบอกให้ออกไปพบกับมันแกถึงค่อยๆกระย่องกระยางเดินออกมาจากกลุ่มโซ่ตรวนที่ล่ามขาไว้จากความที่ยังไม่คุ้นเคยทําให้การเดินไม่คล่องจนบางครั้งต้องลม้มลงพอสะดุดโซ่ตัวเอง างความเวทนาแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากแต่ก็สุดที่จะช่วยเหลืออะไรได้ทุกคนต่างนิ่งอึ้งไปทำได้เท่านั้นเองกระทั้งคนที่ถูกเรียกออกมายืนเด่นอยู่ด้านหน้าไอเฉลเลจักรวันนิยมทุกคนพวกเจ้าจงฟังทางนี้ยังมีใครที่คิดหนีไหมตัวอย่างมีให้ดูมากมายหากใครต้องการจะลองก็เชิญ ไอ้บักคำภูที่มันยังอยู่คุกน้ําตอนเนี้มันกําลังจะบ้ามันกําลังจะตายใครอยากเอาเป็นตัวอย่างเชิดเลยเรายินดีบอกแล้วว่าคุกแห่งเนี้ไม่เคยมีใครหนีรอดไปได้แม้แต่รายเดียวตั้งแต่ก่อตั้งมาไอ้คนพูดเงียบไปใส่ตามมองกลาดไปที่เฉลยทุกคนซึ่งไม่มีใครแยกจะศบตามันการที่ไม่อยากเห็นหน้ามันก็เพราะความเกลียดนั่นเองหลายคนที่ออกมาพูดก็เริ่มพูดต่อไปอีกฉเฉลยไหมไอ้พันตรีเนอร์นวันนี้มันต้องได้รู้จักกับบทเรียน หากวันต่อไปมันคิดที่จะหนีวันนี้เราจะให้เขาหนีให้หนีเข้าใจไหมหนีหนีหนีไปเลยหนีไปให้รอดมันพูดเหมือนคนที่คลั่งแขนสติกําลังโจวิป ร, รารมันหันไปมองพันตรีเนลเซ่นเราพูดต่อไอ้ I i พันตรีเนลเซ่นเราให้เจ้านหนหีหนีไปให้ไกลหนีไปให้ได้หนีไปให้เร็วเราไปให้รอดด้วยเราจะให้เจ้าหนีเข้าใจไหมถ้าเจ้าหนีรอดเราจะปล่อยเจ้าแต่ถ้าเจ้าหนีไม่รอดเจ้าจะเลี้ยงไม่โตอย่าลืมต้องหนีให้รอดเข้าใจไหม มันพยายามย้มคำคําว่าหนีไปให้รอซ้ำแล้วสํเวาเล่าทั้งหนีเพื่อให้เกมการล่ามันออกรถยิ่งขึ้นเมื่อฝ่ายหนีได้พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วมันก็จะล่าอย่างสุดความสามารถเหมือนกันเกมจะออกรถก็เมื่อคู่ต่อสู้สู้สีกันมึงจะให้กูไปทั้งโซตัวอย่างเงี้ยเลยนะลกทันทีที่มันตรีเนลเซนพูดจบสมุนคุ้มกันใช้หลังมือซัดเข้าเต็มใบหน้าเลนเอาคนที่ถูกหลังมือโวนเซ่ล้มลงกองกับพื้นดิน เขาไม่มีแรงที่จะยืนทรงตัวมึงไม่รู้เรื่อไงว่าที่นี่ไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นทําไมไม่ได้ถามคนเก่าเลยเรื่อไงถอดเสื้อออกพันตรีนเนลเซนค่อยๆยันตัวลุกขึ้นอนเวียดนามเนี่ยที่เป็นลูกสมุนกระชากเสื้อเขาออกอย่างไร้ปราณีจนเสื้อชุดนักบินตัวนั้นฉีกขาดไม่มีทางเอามาใส่ได้อีกรางทอนบนที่เปลรยเปล่า ทำให้มองเห็นบาดแผลเล็กใหญ่เต็มตัวทั่วรางบางแผลแห้งแล้วบางแผลถูกล้างใหม่เมื่อตอนถูกกระชากเสื้อทำให้เลือดไหลออกมาอีกใบหน้าของพันตรีนิวเซนบ่งบอกถึงความเจ็บปวดยังเห็นได้ชัดไปไปได้เลยพันตรีไปนุ่นประตูออกไปผู้คุมไล่อย่างกระหมูกระหมาพันตรีนิวเซนยังสับสนอยู่ว่าจะทำอย่างไรดีเพราะไม่รู้ระเบียบที่นี่จนเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มส่งเสียงบอกให้ไปนั่นแหละจึงต้องกระย่องกระย่างออกเดิน ประตูเปิดรอไว้แล้วพร้อมทหารถืออา้าสี่คนความเงียบที่ทุกคนไม่รู้จะปรีปากพูดเรื่องอะไรในตอนนั้นสายตาต่างจ้องมองไปที่ล่างของเฉลยคนใหม่ที่เริ่มประเดิมเกมไล่ล่าครั้งแรกเขาพยายามกระโ p กกระเพกเดินไปอย่างตั้งใจมือข้างขวากุมโซ่ตรวนไว้ไม่ให้พันขาไอ้พวกผู้คุมที่ออกมาส่งตอนนี้กลับเข้าไปหมดแล้ว ฉลยเหล่านี้ไม่สงสัยเลยว่าทําไมมันจึงยังไม่ออกตามคนที่มันปล่อยให้หนีไปทางนี้มันแน่ใจพอที่จะให้ล่วงหน้าไปก่อนถึงสองชั่วโมงมันก็ยังตามทันตอนที่สาสิสองกระทั่งพันตรีเนวเซนหายรับสายตาไปไม่รู้จะกระเซาะกระเซิงอยู่ในป่า น, นั้นได้นานสักแค่ไหนฉลยทั้งหมดเริ่มพูดคุยกันอีกครั้งบักฮัมบักฮัม จาสมบูรณ์ทรงเสียงเรียกเฉลยเราพอเรียกมันเป็นประจำไอคนนี้มันมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งคือความคล่องแคล่วที่จะหาคำตอบเมื่อมีคนต้องถามมันมันสามารถซอกแซกไปได้ทุกที่ทุกมุมภายในค่ายแห่งนั้นและมันก็สามารถรักษาตัวให้รอดจากการถูกบังคับกดขี่ของพวกผู้คุมได้ทุกครั้งอีกด้วยไอเซลใหญ่มึงที่อยู่ในคุกน้ำเป็นไงบ้างจากสมบูรณ์หมถึงสิบโทคาผูถ้าหารลาพวกเดียวกับมัน ที่ต้องเรียกเซลใหญ่ก็เพราะสิบโทคัมพูคนนี้แกเป็นคนที่มีร่างกายใหญ่โตเกินคนลาวทั่วไปที่มีแต่คนร่างเหล็กมันพยายามหนีเมื่อครั้งออกไปทำงานนอกค่ายการออกไปตัดไม้ในป่าบางครั้งที่คิดว่าลออสายตาผู้คุมไปได้แต่ผู้คุมมันฉลาดพอที่จะให้มีการตรวจยอดเฉลยทุกสองชั่วโมงรองแบบนี้ถ้าหนีได้ก็ไปได้ไม่ไกลนั่นคือสิบโทคัมพู ต้องถูกมาที่ตามไปทันลุมกัดลุมถึงเนื้อหนังเอาเกือบตายกลับมาถึงค่ายเลยต้องโดนโทษหนักขึ้นนั่นเองโอ้ยมันกําลังจะบ้าแล้วนายจาทําไมมันทนไม่ไหวหรือไงเห็นจะไม่ไหวแล้วนายจา่าข้าน้อยโดนแค่สามวันยังคางเหลืองคนที่เก่งกว่าข้าน้อยโดนเจ็ดวันนายจาก็เห็นมาแล้วมาบักเซียวใหญ่มันโดนเกือบเดือนแบบเนี้มันจะแข็งแรงแค่ไหนมันก็ไม่ไหวแล้วนายจาแล้วมึงหน้าไปเปลี่ยนมันบ้างนะ โถนายจาถ้าเปลี่ยนคนกันได้ข้าน้อยขอรับเปลี่ยนแทนทุกคนเลยมึงไม่กลัวตายหรือไงไม่กลัวหรอกนายจาข้าน้อยไม่ตายง่ายๆหรอกพวกมันฆ่าข้าน้อยไม่ได้ข้าน้อยมีของดีติดตัวมึงมีอะไรวะเลขไหลหรือไงข้าน้อยไม่รู้ครูบาข้าน้อยให้ไว้ตั้งแต่เด็กไอ้มึงมันก็ขี้โม้เหมือนกันนั่นแหละวะไอ้ห่หาจะตายหา่าอยู่แล้วยังไม่ไวายนะมึงจากสมบูรณ์รู้สึกหม่นไส้มันเต็มทนและพลาดนีออกมาห่างเราเรียกคนอื่นจอน เมื่อวานคุณไปทำงานที่คุกน้ําคุณเห็นไใ้บักคําพูหรือเปล่าซิบเบกจอนท่านสาลัดช่างเครื่องประจำเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกยิงตกใกล้ๆซาเหนือถูกจับมารุ่นเดียวกันกับจ่าสมบูรณ์ผมได้ยินเสียงมันร้องครางฮือๆอยู่ในคอกนั่นนะ่ะน้ําไหลแรงไหมค่อนข้างแรงนะเซย์เจนเท่าที่คุณกับผมเคยโดนมาไหมผมว่าแรงกว่านะาผมเมื่อตอนเซย์เจนโดนมันเติมน้ําทุกสาวันไม้บักคําพูเนี่ยบางทีไม่ถึงสองวันมันเติมอีกแล้ว ทุกคนที่ได้ยินต่างเข้าใจดีว่ามันหมายถึงอะไรคุกน้ำหรือคอกหรือกรงหรือกล่องเท่าที่ใครจะเรียกมันตามลักษณะที่เป็นหมายสูงเอามาทำเป็นกลงทึบหมดทุกด้านขนาดของมันยื่นก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้เราคิดดูว่าคนที่อยู่ในนั้นได้เพียงคนเดียวจะเป็นอย่างไรคุกนั้นถูกยกสูงจากพื้นประมาณท่วมหัวคนแต่ที่เรียกว่าคุกน้ำก็เพราะว่าด้านบนสุดที่เป็นหลังคา มีถังน้ําขนาดใหญ่วางไว้น้ํานั้นจะถูกปล่อยให้ไหลลงสู่คนที่อยู่ข้างในที่ระยดที่ระยดลงรถล่างของคนน้ําจะหยดใส่อยู่อย่างนั้นตลอด24ชั่วโมงตอนแรกก็อาจจะว่าเย็นสบายดีถ้าอากาศมันร้อนแต่ถ้าอากาศมันเย็นหรือหนาวล่ะโดนแค่ประเดี๋ยวประดาวคงไม่เท่าไหร่หรอกแต่นี้มันเล่นหยดใส่ตลอดเวลานับเป็นวันเป็นเดือนความที่เย็นสบายเลย ก, กลายเป็นความารําคาญนลาคาญมากก็เลยกลายเป็นหงุดหงิด มุดหิดมากก็เลยบา้าบบามากก็เลยตายก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรในความเงียบของทุกคนนั้นต่างหวนคิดถึงความทรมานที่ตนต่างเคยได้รับนับไว้พวกเวียดนามเหนือมันแสนที่จะหลักแหลมในการคิดค้นเครื่องมือมาทรมานคนทุกคนที่ตกเป็นฉเฉลยโดยเฉพาะตอนที่ถูกล้างสมองแล้วผลไม่เป็นไปตามที่มันต้องการฉเฉลยคนนั้นจะถูกนําเข้าเครื่องทรมานทันที จนกว่ามันจะสะสมแก่ใจนั่นแหละมันจึงจะปล่อยและในระหว่างอยู่ในเครื่องทรมานนั้นก็ไม่มีการห่วงกังวลว่าคนคนนั้นจะตายแล้วหรือยังคนที่ทนได้ก็ทนไปแต่ถ้าทนไม่ได้ก็ปล่อยให้ตายเท่านั้นเองพันตรีเนืเส้นลากขากระเพกกระเพกขยโยขเย ก, ย ก, ยกไปตามแต่เรื่องเท่าที่จะมีแรงไปซึ่งก็ไปได้ไม่เร็วนะักทั้งที่อยากจะไปให้เร็วที่สุดเส้นทางมุ่งสู่ทางทิศตะวันตก ที่เป็นทางไปสู่ใจกลางประเทศเลาวความเหนื่อยล้าแม้จะมากมายจนแทบจะขาดใจตายอยู่ลอมารอแต่ก็ยังกัดฟันทนคิดอยู่ตลอดเวลาว่าน่าจะปไปรอดและจะต้องไปให้รอดด้วยความพยายามเท่านั้นที่จะช่วยตัวเองได้เส้นทางที่แสนจะวิบากขึ้นลาดลงหุบลงห้วยทั้งที่มีน้ําและแห้งผากป่าที่รกทึบทั่วตัวมีตะลอยขีดข่วนของหนามที่แหลมคมมาแรงที่กัดเจ็บตามตัวจนเป็นตุ่มผื่นคันขยเยอ พันตรีเนวเซนไม่มีจิตใจที่จะไปสนใจห่วงกังวลมันจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปคิดอยู่อย่างเดียวตอนนี้คือไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้เท่านั้นหัวใจที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งนั้นเป็นเพียงจิตใจแต่สังขารร่างกายที่ทําท่าจะไปไม่ไหวนั้นทําให้พันตรีเนวเซนได้ระยะทางไม่เท่าไหร่เลยผู้คุมมันรู้ดีว่าสภาพร่างกายแบบนี้นั้นไปได้ไม่ไกลหรอกมันจึงปล่อยให้ไปอย่างอิสระเสรี อีกทั้งการที่มันเคยเล่นเกมนี้มาบ่อยจึงเป็นประสบการณ์ของมันเป็นอย่างดีแสงแดดเริ่มอ่อนลงเวลาตอนนั้นคงบ่ายมากแล้วขณะที่กําลังปล่อยตัวลื่นถลายลงไปในลําห้วยที่ไม่มีน้ํานั้นพานตรีเนลสันต้องสะดุ้งวาบรู้สึกเสียวแปบไปทั่วขายสันหลังเรลวแหลงพานจะหมดเอาดือ้อไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองนั้นเพิ่งก็หยุดหายใจไปอึดใหญ่เมื่อเสียงหมาที่เห่ากันระงมงเซงแซ่ไปหมดพวกไรมันใกล้เข้ามาแล้ว อาการกันโชคของหมาพวกนี้แสดงว่ากลิ่นที่มันตามมานั้นแรงขึ้นนั่นคือการอยู่ใกล้กับเหยื่อในการล่านั่นเองจนกระทั่งคาดว่าเสียงนั้นดังอยู่เบื้องหลังนั่นเองพันตรีเนลสันขนาดที่กําลังตะเกกตะกายปีนขึ้นอีกฝั่งหนึ่งของลําห้วยหันลังมาดูความาท้อแทะบวกกับความกลัวทําให้มือหลุดจากที่ยึดร่างนั้นพลันหงายหลังลงมากองกับพื้นอย่างทุลักทุเลที่สุดแล้วหมาได้ล่าสี่ตัวก็กระโจนสุดชีวิตเข้าหาเหยื่อของมันทันที โอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงคนร้องแข่งกับเสียงเห่าของหมาโอ้ยโอ้ยเสียงคนไม่ดังกว่าเสียงหมาทั้งสี่ตัวนั้นหมาที่ถูกฝึกมาอย่างดีเข้าขย่ำตามเนื้อตัวเหยื่อไล่ล่าย่างมันเคี้ยวมันงับแล้วสะบัดกระชากเสียงเห่ากับเสียงมัดขาวโมโหดังจนฟังไม่ออกอ้ยยอมแล้วโอ้ยอ๋อยอมแล้วโอ้ยไม่วายที่เหยื่อไล่ล่าคราวนั้นจะร้องขอสักปานใด เหนือตัวที่เกลือกกลิ้งไปมาทั้งที่ถูกหมาลากและที่ทําเองตอนนี้ร่างทั้งล่างตั้งโชคไปดูเลือดจนแดงเถือกไปหมดไอ้พวกผู้คุมก็ยังไม่สั่งให้หมาหยุดยังไม่มีทีท่าว่าเกมนั้นจะยุติผู้คุมทั้ง4ี่คนที่ในมือถืออากา้านั่งอยู่ที่ริมตะลิงมองดูการเล่นของหมามันอย่างชื่นอกชื่นใจโดยความภาคภูมิใจที่สามารถฝึกหมาให้แสนรู้ได้ถึงขนาดนี้กระทั่งล่างนั้นแน่นิ่งไปไม่ไหวติงหรือคัดขืนต้อนแรงกระชากรากถูนั่นอีก มาตัวแรกพาออกจากเหยื่อรายลามะนอนหมอบราบพางเกยพื้นดินหายใจหอบด้วยความเหนื่อจนลิ้นห้อยแต่มันก็ยังไม่ยอมละสายตาไปจากเหยื่อนั้นตัวที่สองตัวที่สามตามมาจนครบทั้งสี่ตัวต่างก็หยุดหอบปล่อยให้เหงื่อไหลออกจากปลายลิ้นตามสัญชตาตญาณของหมาเหยื่อไล่ล่าถูกปล่อยให้นอนหมดสติอยู่อย่างนั้นหน้าอกที่มีการเคลื่อนไหวขึ้นลงแสดงว่ายังไม่ตายมันไม่มีการสนใจที่จะเข้าไปดูด้วยซ้ําทั้งสี่คน นั่งคุยกันอย่างสบายอารมณ์รอเวลาที่เหยื่อแลอลาจะฟื้นขึ้นมาเองกระทั่งพันตรีเนลเซนรู้สึกตัวนั่นแหละมันจึงออกคําสั่งลุกขึ้นได้ไ้เอเมริกันลุกขึ้นมาลุกมันสั่งยังดุดันพันตรีเนลเซนพยายามยันตัวลุกขึ้น แสนจะยากลําบากเพราะทั้งเจ็บตามร่างกายเพราะทั้งเหนื่อยจากการหนีที่มาปั้มกำหมาอีกโซตัวนที่ขาทําให้การเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนต้องหกล้มหกลุกอยู่เลยกระทั่งสามารถลุกขึ้นยืนได้เต็มตัวไอหมาทั้งสี่ก็ลุกเหมือนกันตามันจ้องมองมาที่เหยื่อลไอล่ลายยังไม่วางห่างเสียงคลางขู่ตามประษาหมาแสดงว่ามันเอาจริงพันเทรนเนอร์เซ่นค่อยๆก้าวขาออกเดินโดยไม่ยอมที่จะหันไปศบตาไอหมาทั้งสี่ตัวนั้นแม้แต่น้อยขึ้นมา ขึ้นมาได้เลยเฉลยมึงนี่ตามไม่ยากเลยนะนกูนึกว่าจะเก่งสักแค่ไหนมันไก่กแค่นั้นแหละวะออกมาตั้งนานได้แค่นี้เองกูให้มึงออกมาก่อนทั้งสองชั่วโมงกูใช้เวลาแค่ชั่วโมงก็ตามมึงทันทุยไอ้อเมริกันหน้าโง่มาขึ้นมากูมีของจะเล่นกับมึงอีกไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเล่นอะไรของมันอีกแต่เอาเถอะคนที่เป็นฉเฉลยนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเถียงหรือคอร้องมันได้พยายามออกแรงอีกเพื่อจะขึ้นจากลําห้วยนั้นให้ได้ และทั้งผลขึ้นมาเผชิญหน้าไอ้ผู้คุมมาเอาเชือกนี้คล้องคอแล้วทีเนี้หมาของกูจะพามึงกลับค่ายเองไอ้ผู้คุมคนหนึ่งใช้เชือกคล้องเข้าที่คอเชือกนั้นทําเป็นเงื่อนกระตุกแบบที่เรียกว่ายิ่งดึงเชือกก็ยิ่งตึงและนั่นย่อมหมายความว่าบ่วงที่คล้องคออยู่จะกลายไปรัดคอไปทันทีหมาทั้งสี่ตัววิ่งตามขึ้นมามันมาคลอเคลียที่เจ้าของเหมือนกับรัว่ากําลังมีงานรออยู่ทั้งสี่ตัวถูกลวดปลายเชือกร่วมกัน เรามัดเข้ากับปลายด้านหนึ่งจากที่คล้องคอคนเป็นอันว่าเฉลยคราวนี้ต้องเดินทางกลับคายด้วยแรงดึงขนาดสี่แรงหมานั่นเองคราวใดที่หมาเดินเร็วก็ต้องเร็วตามหมาหมาเดินช้าก็ช้าตามเราหมามันเดินช้าเป็นที่ไหนมันเล่นวิ่งลูกเดียวคนที่ถูกลากก็เลยต้องวิ่งด้วยมือที่กุมเชือกอีกด้านไว้ต้องออกแรงมากสักหน่อยเพื่อไม่ให้เงื่อนกระตุกนั้นรูดเข้ารัดคอเท้าที่ถูกล่ามโซ่เดินไม่ถนัดจนบางครั้งต้องล้มกิง่งโค่นล้ม หมาไม่ได้ล้มด้วยหมามันยังคงล拉ต่อไปอีกคนก็เลยต้องออกแรงดึงหยุดหมาเอาไว้ไอคนคุมทั้งสี่ที่เดินตามหลังมาไม่ออกปากพูดอะไรให้ละคายหูทั้งสิน้นบางครั้งกับหัวร้อชอบใจในความเจ็บปวดด้วยซ้ําทําให้เรียกว่าความสุขของมันแล้วจะเรียกว่าอะไรตอนที่สาสบสาย้อนกลับมาทางด้านการฝึก ที่เายฝึกพิเศษน้ำผุ่งการสนทนาในเชิงปรึกษาแะวางแผนที่เสนาธิการกองกําลังทหารสหรัฐอเมริกาประจําประเทศเหล่าพันเอกนอร์แมนกับเสนาธิการของกองทัพภาคที่สองส่วนหน้าสอนทองกําลังปรึกษากันนั้นการฝึกที่เข้มข้นสําหรับภารกิจที่หนักซึ่งจะต้องพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจอย่างไรก็ตามในเรื่องของความฉลาดไหวพริบ ป, ปฏิหารก็นับว่ามีความสําคัญไม่น้อยการที่มีแต่กําลัง แต่ไม่มีมันสมองมันก็เหมือนกับแมงเมาบินเข้ากองไฟอาวุธรุ่นใหม่และอุปกรณ์พิเศษถูกฝึกปลื้มซ้ําแล้วซ้เาเล่าทั้งการยิงแห้งและยิงจริงงบประมาณที่กองทัพสหรัฐอเมริกาประเคนมาให้นั้นมันมากพอที่จะสร้างสนามฝึกที่สมบูรณ์แบบจนเหมือนกับการปฏิบัติในพื้นที่จริงได้การหาคนมาทําหน้าที่ค่าสึกสมมุติที่สร้างให้เข้ากับเหตุการณ์และภารกิจทําให้การฝึกสมจริงสมจั ง, จงยิ่งขึ้น ทำให้คนที่เข้ารับการฝึกไม่เกิดความเบื่อหน่ายหลังการฝึกทุกครั้งจะมีการสรุปผลงานมีการวิาพากษ์วิจารณ์การฝึกเป็นรายบุคคลซึ่งแน่ละทุกคนต้องได้รับคำแนะนำในการแก้ไขแล้วทําการทดสอบฝําจนเป็นที่พอใจโดยว่าภารกิจนี้ถือเป็นความรับสุดยอด การที่ภารกิจจะสําเร็จหรือไม่นั้นจะต้องไม่ทิ้งหลักฐานที่จะสามารถนํามาเป็นสิ่งยืนยันได้ว่านี่คือการปฏิบัติการของฝ่ายสาหรัฐอเมริกาหรือต่างชาติที่ลุกลําอธิปไตยเหนือดินแดนของเวียดนามเหนือหลักฐานเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่เวียดนามเหนือนํามากล่าวโจมตีได้ดังนั้นเทคนิคการนําศพคนของฝ่ายตนออกจากพื้นที่หรือแม้แต่ศพเฉลยจะต้องมีการฝึกกันจนสามารถทําได้เป็นอย่างดีที่ห้องยุทธการคราวนั้น ผู้บังคับบัญชาทุกฝ่ายที่ร่วมปรึกษางานกันอยู่ตั้งอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพันเอกนอร์แมนผู้เป็นเจ้าของภารกิจรู้สึกพอใจในผลของการฝึกเป็นอย่างมากและเขาจะเป็นคนที่ชี้แจงรายละเอียดถึงความคืบหน้าของชุดปฏิบัติการพิเศษที่พวกนี้เรียกว่าชุดสเกลให้ทุกคนได้รู้จนถึงวันนี้ก็เป็นวันที่ครบ30สิวันพอดีที่ชุดสเกลเดินทางออกไปผมมีรายละเอียดเกี่ยวกับพวกเขาให้เราทราบกันอีกครั้งซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวต่อจากที่ผมเคยแจ้งให้พวกเราทราบเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว สำหรับการชี้แจงคราวนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเชื่อแน่ว่าเมื่อผมมาคราวหน้าคงเป็นการมานำพวกเราเข้าปฏิบัติการเลยจากราย ง, งานเมื่อวานนี้ที่ผมได้รับมาเลยทราบว่าชุดสกาวตอนนี้อยู่ที่นี่ห่างจากเมืองสําเหนือไปประมาณเจสิกิโลเมตรผ่านเมืองเชียงค้อผ่านเมืองแฮทเตรียมจะข้ามเขตเข้าไปในดินแดนของศัตรูไม่ช้านี้พันเอกนอร์แม่นชี้แผนที่ประกอบคําอธิบายทุกคนที่เห็นแทบไม่เชื่อสายตาว่าหลังจากอาทิตย์ที่แล้วโดยเวลาเพียงเจดวัน คราวนี้พวกเขาเดินทางได้เกือบ100กิโลเมตรซึ่งมากกว่าอาทิตย์ก่อนที่เดินทางได้เพียง50กิโลเมตรทั้งนี้คงเนื่องมาจากการที่ไม่มีศัตรูมากีดขวางทางเดินนั่นเองที่แน่ๆก็คือทุกคนต่างทึ่งในขีดความสามารถของพวกเขาที่สามารถเล็ดลอดไปได้ไ ก, กลจนถึงขนาดนั้นพันเอกนอร์แมนพูดต่อ ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วไม่มีการประทะกับศัตรูทั้งเนี้พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงนั่นเองซึ่งคิดว่าถ้ามีการประทะกันพวกเขาก็คงสังหารศัตรูได้ไม่น้อยกว่าห้าสิบคนแนะ่เพราะบนเส้นทางนั้นมีการพบความเคลื่อนไหวของศัตรูถึงสิบครั้งตามพิกัดต่างๆที่ผมทำเครื่องหมายจุดสีดำไวน้นี่จากการพิสูจน์และวิเคราะห์จุดที่มีการพบความเคลื่อนไหวของศัตรูเหล่านั้นทําให้เราเชื่อได้ว่ามันมีที่ตั้งของศัตรูอยู่เป็นจํานวนมากและจัด ก, กระจายอยู่ตามพื้นที่ น่าจะเป็นไปได้ว่าพวกมันใช้ถนนเป็นหลักในการจัดวางหน่วยทั้งนี้คงเพื่อง่ายต่อการส่งกําลังบํารุงนั่นเองสําหรับการพิสูจน์ทราบที่ตั้งค่ายหรือบอกกอใหญ่ของศัตรูตามเส้นทางที่ชุดสเก์ของเราเคลื่อนที่ไปนั้นได้พบค่ายหรือบอกอทหารเวียดนามเหนือสิบแห่งในจํานวนนี้เป็นค่ายไลหกแห่งเป็นค่ายใหญ่หรือบอกกขนาดใหญ่สี่แห่งตามพิกัดที่ผมทํารูปเครื่องหมายดาวแดงไว้บนแผนที่นี้คนพูดหยุดการพูดไปชั่วครู่ มาจิบกาแฟตามนิสัยของคนอเมริกันที่ชอบทํากันจากนั้นจึงเริ่มว่าต่อนอกจากนี้ชุดสเกลของเรายังได้พบซากเครื่องบินตกอีกสองที่ในเขตเมืองซ้ําเหนือเป็นเครื่องบินแบบแฟนทอมหนึ่งเครื่องและฮอลอีกหนึ่งเครื่องพร้อมทั้งศพนักบินที่ติดอยู่ซึ่งเรื่องนี้ทางผมจะหาหนทางดําเนินการต่อไป การปฏิบัติการของชุดสเกาลชุดนี้กําลังดําเนินการไปเรื่อยๆระยะหลังนี้ไม่มีการติดตามแกลรอจากฝ่ายเวียดนามเหนืออีกเลยมันก็คงเนื่องมาจากไม่มีการประท้าให้ฝ่ายนั้นได้เป็นเครื่องสังเกตอีกเลยก็นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คนของเราชุดนี้จะมีทางทําสําเร็จในภารกิจเอาละผมขอจบการรายงานข่าวความคืบหน้าทางด้านการปฏิบัติการของชุดสเกลเพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านซักถามได้บรรดาผู้บังคับบัญชาที่ร่วมฟังนั้น ต่างลุกขึ้นไปดูที่แผนที่เพื่อจะดูให้แน่ชัดเกี่ยวกับที่ตั้งต่างๆที่พันเอกนอร์แมนได้ว่ามาที่ตั้งไอ้พวกนี้อยู่แต่ในเขตป่าเท่านั้นไม่มีในเขตเมืองเลยร้อยเอกสิงกองพูดออกมาคนเดียวก็นั่นน่ะสิคุณสิงกองในเขตเมืองจะมีเฉพาะพวกที่ทํางานด้านมลชนกับงานด้านการเมืองเท่านั้นแหละส่วนในป่าจะมีแต่พวกกองกําลังติดอาวุธไอ้พวกนี้มันร้ายกาจจริงๆมันเล่นทั้งในเมืองในป่าพร้อมกันเลยใช่ นี่แหละเป็นยุทธวิธีของวงเหยียนเกลียบที่เอาทั้งแบบของเลนินทั้งแบบของเหมาเจ๋อตุงมาใช้ในเวลาเดียวกันมันเป็นยังไงล่ะครับเอา้าก็แบบของเลนินเป็นแบบที่ขยายเผยแพร่ลัทธิจากเมืองไปหาป่าแต่แบบของเหมาเจ๋อตุงทําแบบจากป่าเข้ามาหาเมืองแต่วงเหยียนเกียบมันทําแสบที่สุดมันทําพร้อมกันเลยทั้งในป่าทั้งในเมืองยุทธวิธีกองโจนของเหมาเจ๋อตุงสําหรับการรบในป่ายุทธวิธีการบ่อนทําลายการก่อความไม่สงบในเขตเมืองคือแนวของเลนินหรือมาร์กซิสนั่นแหละ แล้วแบบนี้เราจะรอดเหรอครับก็ใครว่ารอดเราคําตอบที่สอนทองโผล่ออกมานั้นเล่นเอาทุกคนในที่นั้นต้องหัวเราะแต่เสียงนั้นออกจะแปลงเป็นเสียงหัวเราะของคนที่ไม่ขำเสียมากกว่าความรู้สึกที่สะท้อนอยู่ในใจเมื่อได้ยินคําว่าแพ้เกิดขึ้นแก่ฝ่ายตนเหตุผลที่จ่าดาวเหนือเคยพูดนั้นเริ่มมีคนเห็นด้วยทั้งนี้และทั้งนั้นคนที่พูดต่างก็เป็นใหญ่เป็นโตที่สามารถมองเห็นสถานการณ์ในแนวกว้างและลึกกว่าจ่าดาวเหนือด้วยซ้ํา จนกระทั่งทุกคนกลับมานั่งที่เดิมการปรึกษาหารือจึงเริ่มต่อไปอีกโดยคราวนี้สอนทองเป็นคนเริ่มก่อนงานนี้เคอร์เนลคิดว่าเราจะเริ่มส่งกําลังเข้าไปยึดสักกวันหลังจากที่สเกาเข้าสํารวจพื้นที่แล้วผมคาดว่าไม่น่าเกินสองสามวันหลังจากนั้นนะแต่อย่างไรก็ตามเราใช้เวลาเดินทางด้วยหอซึ่งใช้เวลาเพียงสีชั่วโมงจะทุ่งหหินเราก็สามารถที่จะเข้าพื้นที่ตามแผนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมอยากให้ทางน้นเขาช่วยวางแผนในเรื่องเวลาให้ด้วย เรื่องการฝึกการส่งลงนั้นทั้งผมคิดว่าเราใช้หอน้อยเกินไปตอนนี้เรามีซีนุกมาสนับสนุนเพียงสองเครื่องซึ่งในการปฏิบัติการจริงเราต้องใช้หลายสิบเครื่องในระยะวันสองวันมาเนี่ยทางผมอยากให้มีการทดสอบการปฏิบัติการที่เหมือนของจริงทุกอย่างสัก1 ห, หรือสองครั้งครับโอเคสิงกองเรื่องนี้ผมพร้อมงั้นวันนี้เรามาทําแผนเรื่องนี้กันเลยดีกว่าแล้วยังไงพรุ่งนี้ผมกลับไปผมจะส่งมาทันทีเลยคุณไม่ต้องห่วงพวกของมันมีอยู่แล้วเป็นหันว่าพันเอกนอร์แมนเห็นด้วยและให้การสนับสนุนทันนทีเเคครบ สำหรับอุปกรณ์พิเศษติดอาวุธเนะ่ยโดยเฉพาะกล้องอินฟราเรดผมอยากให้มีการเพิ่มอีกรวมทั้งวิทยุที่ตอนนี้มีเฉพาะหวหน้าชุดผมคิดว่าเราน่าจะให้มีสักสี่ต่อหนึ่งนะครับทั้งนี้บางทีบางครั้งเราอาจต้องแยกกำลังกันออกปฏิบัติการเป็นชุดเล็กๆตอนนี้เราใช้สิบสองคนต่อนหนึ่งชุดจำนวนสิบสองคนมันมากเกินไปสำหรับการปฏิบัติการบางอย่างกำลังสิบสองคนมันจะทำให้ยากต่อการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการหรือแม้กระทั่งบางครั้งสิบสองคนต้องมาพากันไปตายเลยมันก็เคยมี แล้วชุดของคุณนี่ถนัดการทำงานแบบชุดสี่คนหรือชุดสองคนล่ะก็ทั้งสองอย่างละครับแล้วแต่สถานการณ์และภูมิประเทศแต่งานเนี้จากการที่เราฝึกซ้อมกันมาเราคิดว่าการใช้คนชุดละสี่คนจะเหมาะกว่าครับโอเคคุณทําจํานวนยอดมาเลยตามที่คุณต้องการแล้วจะให้มีอะไรอีกสิบเปอร์เซ็นด้วยสําหรับอะไรทั้งคุณต้องนําไปด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณควรกําหนดคนรับผิดชอบไว้ด้วยครับเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับพันเอกหนอมแมนอนุมัติอีกครั้งทางนี้เพื่อความสําเร็จของงาน คนที่ทำกับมือยอมรู้ดีกว่าคนที่ทำกับปากคนที่วางแผนการลบบนแผนที่นั้นไม่สามารถมองเห็นคิดความสามารถที่แท้จริงทั้งของฝ่ายตัวเองและฝ่ายศัตรูจะรู้ผลก็แต่เพียงแพ้หรือชนะตามที่ได้รับรายงานแต่สาเหตุที่แท้จริงนั้นไม่มีทางรู้ในรายการนี้ก็เช่นกันพันเอกนอร์แมนมีความเข้าใจในหลักการและปัญหาจึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกๆอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าไม่มีอันตามแบบฉบับเษฐีอเมริกัน ค่ำวันนั้นผันเอกอร์แมนมีเวลาพอที่จะมาตรวจการฝึกของหน่วยปฏิบัติการพิเศษซึ่งเป็นที่แน่นอนที่กำลังพลทั้งหมดนั้นต่างก็พยายามตั้งใจฝึกชนิดที่เรียกว่าถวายหัวกันเลยเพราะมันหมายถึงคะแนนความน่าเชื่อถือและความมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จได้ การฝึกในเรื่องของการส่งลงจากหอทุกคนคล่องแคล่วมีการลงที่รวดเร็วเมื่อลงแล้วกระจายกำลังเข้าที่ตามแผนที่กำหนดให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันแล่กันการยิงคุ้มครองการยิงทำลายด้วยอาวุธระเบิดการใช้กระสุนแก๊สกระสุนเพลิงกระสุนเคมีเมื่อมีสถานการณ์การเข้าถึงตัวเฉลยการสังหารสตรูที่ขัดขวางโดยตรงและโดยทางอ้อมการนำตัวเฉลยทั้งที่มีชีวิตที่บาดเจ็บและที่ตายแล้วออกจากพื้นที่ตลอดจนการคุ้มครองต่างๆ ทุกคนสามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วแทบไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้ขนาดนั้นนักรบทุกคนมีวินยัยมีขวัญและขีดความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีทั้งๆที่การสั่งการในการฝึกนั้นยังใช้แบบสัญญาณคำสั่งที่เป็นแบบเก่าด้วยซ้ำไม่ต้องห่วงเลยว่าชุดตรวจเยี่ยมจากกองทัพสหรัฐอเมริกาที่เป็นเจ้าของภารกิจและให้การสนับสนุนนั้นจะพึงพอใจเป็นอย่างมากก่อนกลับสู่บอกอที่สถานทูตในกรุงเวียงจันทร์ขึ้นนั้น ถึงไม่ลืมที่จะมอบของขวัญที่ทุกคนชอบคือเงินจำนวนหนึ่งซึ่งมาคิดเป็นเงินไทยแล้วมันมากพอดูตอนที่สา4จ่าดาวเหนือสั่งหยุดขบวนเดินพอเริ่มเกิดความไม่แน่ใจแน่อะไรบางอย่างมองซ้ายมองขวาแม้ไม่เห็นอะไรมากนักเพราะมันเป็นป่าถึบแต่ก็ต้องมองคงเนื่องมาจากความเคยชินนั่นเองมีปัญหาอะไรเหรอนอสตา พันตรีโรเจอร์ถามเมื่อเห็นสิ่งผิดปกติในตัวจ่าดาวเหนือยังไม่มีอะไรหรอกครับตอนนี้ยังปกติอยู่แต่ถ้าต่อไปเนี้ยไม่ระวังให้ดีบางทีเราอาจจะเข้าไปเดินอยู่กลางค่ายมันโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับเฮ้ย <Hey! S 1> คุณแน่ใจขนาดนั้นเลยเหรอพันตรีคอนลินอุทานออกมาด้วยความพอใจความจริงแล้วทุกคนในชุดนั้นรู้อยู่แล้วว่าพวกเขาใกล้ที่หมายเข้ามาแล้วเพียงแต่ยังไม่สามารถเช็คพิกัดที่แน่นอนได้เท่านั้นแน่นอนเมเจอร์ Major. คุณเตรียมเชือกไว้ร้อยใบหูคนได้แล้วน็อกตา คุณไม่ตรวจสอบแผนที่หน่อยเหรอพันตรีโรเจอร์ไม่ขำไปด้วยเช่นเดียวกันกันกบจ่าดาวเหนือที่ถึงแม้จะพยายามโจกแต่ท่าทางไม่ได้โจกจึงไม่มีใครหัวเราะตรวจไม่ได้หรอครับเมเจอร์ป่าบันทึบเกินไปงั้นเอางี้แล้วกันนอสตาเรามาหาทางตัดขึ้นยอดเนินที่สูงที่สุดในบริเวณนี้ก่อนเราลองตรวจสอบดูถ้าตรวจสอบได้ก็ตรวจสอบถ้าตรวจสอบไม่ได้หรือไม่แน่ใจเราก็รอจนกว่าเครื่องบินของเราจะมาแล้วเขาตรวจสอบให้ดีไหม ดีครับดีดีมากดีมากที่สุดเลยวิธีการเนี่ยผมเคยเห็นทหารมงวังเป่าชอบใช้กันเฮ้ hey, ผมไม่ใช่มงนะผมก็ไม่ได้ว่าเมเจอร์เป็นมงนี่ครับพินตะบอกว่าแบบนี้พวกมงมันเคยใช้กันเท่านั้นเราก็ใช้ได้ผลด้วยสิทั้งสามคนคบขันกันพอสมควรหลังจากได้อํมกันพอคลายเครียด จ่ยุทธพงศ์ที่เป็นคนนําขบวนได้รับคําสั่งให้ตัดเส้นทางขึ้นยอดเนินที่ใกล้ที่สุดซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่รู้เหมือนกันว่ายอดเนินที่สูงเด่นเป็นสง่าเหนือทุกยอดที่มีกว่าร้อยกว่าพันยอดในบริเวณภูเพียงนั้นชื่อยอดอะไรและมีความสูงจริงๆเท่าไหร่กันบ้างวันนั้นทั้งวัน ชุดปฏิบัติการมีเวลาว่างพอที่จะให้มงสองคนได้ใช้ความสามารถประจำเผ่าพันธุ์ออกทําการหาเนื้อสดมาเป็นอาหารมันใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ขวาออกกวางตัวใหญ่ที่มีย่างอุดมสมบูรณ์ในป่าที่ห่างไกลผู้คนมาได้และด้วยฝีมือในการทําเนื้อย่างลมควันอีกนั่นแหละที่ทําให้ทั้งชุดสามารถมีอาหารปโปรตีนจากเนื้อสดสดกินไปได้อีกหลายวันหลังจากที่กินอาหารกระป๋องได้ชั่นสีกันมาตลอดสองอาทิตย์กระทั่งถึงคํา เครื่องบินจากบอกอจะต้องมารับรายงานข่าวสารที่ถือปฏิบัติเป็นประจำนอสตาจากฮันนี่เปลี่ยนจ่าดาวเหนือนอนฟังอยู่อย่างนั้นเพื่อความแน่ใจพอรู้แล้วว่าเครื่องบินลำนั้นยังอยู่อีกไกลเมเจอร์ Major, คุณว่าใช้เสียงเคเนลรึเปล่าผมยังไม่แน่ใจฟังต่อไปก่อนสิทุกคนเงียบรอฟังไม่น่าเชื่อว่าพันเอกนอร์แมนจะขยันมาพบพวกเขาบ่อยครั้งขนาดนี้นอสตาจากฮันนี่เปลี่ยนนอสตาจากฮันนี่เปลี่ยนเครื่องบินเรียกลงมาอีกสองครั้ง ทางนี้เนื่องจากที่พบสัญญาณแจ้งที่อยู่อัตโนมัติจากเครื่องไอคอมเราว่าชุดปฏิบัติการนั้นอยู่ใกล้ๆนี่เองของจริงนะนอสตาพันตรีโรเจอร์หมายถึงเสียงที่ดังลงมานั้นเป็นเสียงของพันเอกนอร์แมนจริงๆงั้นผมเองก็แล้วกันจะดาวเหนือรับที่จะเป็นคนพูดวิทยุติดต่อเองโอเคฮันน okay, ี่ราข่าวได้แล้วโอเคดีมากนอสตาสบายดีนะครับสบายดีที่นี่อากาศปลอดโปร่งไม่มีเสียงรถเสียงเครื่องบินรบกวนแล้วก็ไม่มีเสียงผู้บังคับบัญชามากวนใจอีกด้วย ยอดจริงๆนาะสตา์คุณนี่สามารถโจกได้วันละยี่สชั่วโมงเลยนะโอเควันนี้มีข่าวคืบหน้าอะไรบ้างมีสีฮันนี่วันนี้เกือบจะหลงป่ากันอยู่แล้วป่ามันทึบมากนะนึกอยู่เหมือนกันว่าวันนี้น่าจะไปเดินอยู่กลางค่ายมันซะแล้วเอา้าก็ไม่รู้ว่าป่ามันทึบแล้วคุณเข้าไปเดินทําไมทำไมไม่เดินบนถนน ท, นนที่เขาสร้างไว้ไม่ไหวแล้วฮันนี่เดี๋ยวไม่มีโอกาสได้ใช้เงินคุณว่าแต่ว่าฮันนี่ช่วยตรวจสอบทิศทางกับระยะจากผมถึงที่หมายให้หน่อยสิโอเคคอยครับคอยห่วย ส yes, ความที่คลุกคลีกันมานานพอสมควรทำให้พันเอกนอร์แมนสามารถเข้าใจคำผวนของนอสตาได้เป็นอย่างดีและทำให้คนสองระดับชั้นยดก็สามารถล้อเล่นกันได้พันเอกนอร์แมนต้องทำการรอการตรวจสอบพิกัดที่แน่นอนจากเครื่องคำนวณอัตโนมัติหรือที่เขาเรียกกันว่าคอมพิวเตอร์โอเคนอสตาตอนนี้คุณอยู่พิกัดสองที่หมายอยู่พิกัดสาเจดเจเฮ้คุณใกล้เข้าไปมากแล้วนะนอสตา ทิศทาง165่งรกีระยะทางตรงในแผ่นที่ 8,421 เมตรโอเคไหมโอเคฮันนี่งั้นพรุ่งนี้คุณเอาเชือกวัดระยะที่สามารถวัดได้อย่างละเอียดตามที่เครื่องคำนวณของคุณบอกมาให้ผมด้วยนะผมจะใช้วัดระยะจากที่นี่ไปยังที่หมายนะโอเคเนาะตาถ้าคุณต้องการเอา้าว่ารายการของคุณต่อไปเลยทางผมไม่มีอะไรอีกแล้วงั้นทางผมมีกําลังของเราที่จะเข้ายึดที่หมายนะตอนนี้พวกเขาทุกคนพร้อมกันหมดแล้วขอให้คุณสบายใจได้อ่อแล้วคุณจะเริ่มออกเดินทางเมื่อไหร่ ผมคิดว่าต่อบไปเนี่ยคงใช้วิธีการเดินทางกลางคืนแล้วละ่ะมันคงปลอดภัยกว่าแต่ก็ไม่แน่ถ้าจําเป็นก็ต้องใช้เวลากลางวันก็ได้เรื่องนี้คุณไม่ต้องห่วงไม่ห่วงไม่ได้สินอสตาเพราะผมเบิกเงินมาจากรัฐบาลแล้วถ้าคุณไม่มารับเงินผมก็แย่สิผมใช้คนเดียวไม่หมดหนะ้าเครื่องบินแบบโอวีสิบบลองโกที่ใช้งานได้ทั้งธุรการลาดตระเวนฉีเป้ากู้ไผ่หรือแม้แต่การโจมตีเครื่องที่พันเอกนอร์แมนบินมารับข่าวจากไปแล้ว ด้วยความสูงที่กว่า 20,000 ฟุตจึงไม่สามารถจับทิศทางการบินจากไปได้จ่าดาวเหนือสารวนอยู่กับแผนที่โดยการคิดคิ ด, คดเขียนเขียนรายละเอียดลงไปตรวจสอบความสูงของยอดเนืนที่เรียงกันเป็นคลืษนบนเส้นทางที่มุ่งสู่ที่หมายนั้นเราน่าจะเดินทางคืนนี้เลยนะเมเจอร์จ่าดาวเหนือลาสายตาจากแผนที่ที่ใช้ไฟพลางแสงสีแดงเข้มส่องมองก่อนจะหันมาปรึกษาพันตรีเมริกันทั้งคู่เส้นทางเป็นไงบ้าง ยอดเนินบริเวณเนี้ยสูงเท่ากันหมดมันก็คือพื้นราบดีๆนี่แหละคิดว่าไม่เสี่ยงเกินไปเหรอคงไม่หรอมั้งครับตอนนี้เราเหลือระยะไทยสองกิโลเมตร ก, กว่าๆจะถึงพรมแดนลาวเวียดนามเหนือต่อจากพรมแดนเข้าไปอีก8ดกิโลครึ่งตามทางตรงในแผนที่ก็จะถึงที่ใหม่ผมคิดว่าคืนนี้เราน่าจะไปถึงพรมแดนนะครับโอเคงั้นผมเอาตามที่คุณว่ากันแล้วกันขบวนเดินเริ่มเคลื่อนที่อีกครั้งในค่ําคืนนั้นเวลาเพิ่งจะสามทุมแสงจันทร์ในวันขึ้นสิบสองค่าพอช่วยส่องทางได้บ้าง กล้องส่องเวลากลางคืนทุกน้ำออกมาใช้บ่อยครั้งที่ต้องยกปืนขึ้นแหลงมิใช่การแหลงเพื่อที่จะยิงอะไรแต่เป็นการใช้กล้องส่องตรวจเส้นทางต่างหากป่าที่ค่อนข้างโปร่งเพราะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ไม้ประเภทต้นเกี่ยงขึ้นเต็มไปหมดไม่มีไม้อื่นแทรกแม้แต่ต้นเดียวทําให้การเดินทางในความมืดสลัวสล่วนนั้นไม่ยุ่งยากเท่าที่ควรไม่ถึงเที่ยงคืนที่ทั้งสิบหกคนมายืนอยู่บนจุดที่ทางเหล่าน่าจะเรียกว่าสุดเขตแดนเลา่า หรือที่ทางเวียดนามเหนือมันก็น่าจะเรียกว่าสุดเขตแดนเวียดนามเหนือแบบที่ไทยเราเรียกว่าสุดเขตแดนสยามนั่นแหละเนี่ยเหรอที่เรียกเวียดนามเหนือดินแดนแห่งศัตรูผมไม่เห็นจะมีอะไรที่แปลกปกว่ากรุงเทพหรือนิวหยกเลยมันก็มีดินมีต้นไม้มีภูเขาเหมือนกันพันตรีโรเจอร์ตื่นขึ้นมาเมื่อเห็นสิ่งที่ประจักษ์ในสายตายามสว่างแล้วมันก็เหมือนกันแลเมเจอร์แต่ที่ต่างกันคือความตายไงเล่าไม่มีคําตอบใดออกจากปากพันตรีโรเจอร์อีก ภาพแห่งสํานึกที่จะต้องาฟาดฝันกับเหล่าศัตรูเวียดกงเริ่มปรากฏในความรู้สึกสายตาที่ทอดไกลออกไปจนสุดขอบฟ้านั้นไร้ความหมายแต่อาการเกรงที่มือขณะกรรมเอ็มสอกระบอกนั้นบ่งบอกชัดๆว่าเขาต้องการที่จะฆ่ามันทุกคนที่เป็นเวียดกงหรือเวียดนามเหนือเอาไอดีนอสตาเข้าหามันเลยไหมก็งั้นสิครับเรามาถึงนี่กันแล้วนี่ขบวนเดินเริ่มต้นอีกครั้งเมื่อเริ่มแสงสว่างของวันรุ่งขึ้นนั้น ในยามเช้าแบบนี้อากาศแสนจะสดชื่นด้วยโอโซนบริสุทธิ์จากดาวเหนือตัดสินใจออกเดินในช่วงเช้าแบบนี้เพราะเชื่อว่าพวกมันคงยังไม่พร้อมที่จะออกมาพบกับพวกเขาแน่กะเอาว่าประมาณสักสามโมงเช้าจึงจะเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางแล้วสิ่งบอกเหตุว่าภารกิจจะสําเร็จหรือล้มเหลวก็ปรากฏขึ้นเมื่อเดินทางออกมาได้ไม่กี่ร้อยเมตรพี่วัายุทธมีรอยคนตัดต้นไม้รอยใหม่รอยเก่ารอยไหมพ่พี่น่าจะเป็นเมื่อวานนี้ด้วยซ้ํา โอเคคอยจ่าดาวเหนือสั่งหยุดขบวนเดินแล้วชวนงพันตรีเมริการร่วมไปด้วยกระทั่งไปถึงที่รอยเมื่อวานนี่เองวะ่ะใช้แรงคนไม่มีช้างลากไม่มีรถไม่มีเลื่อยมันใช้ขวานฟันอยู่อย่างเดียวเสร็จแล้วช่วยคนแบกไปจ่าดาวเหนือกวาดสายตาสำรวจไปรอบๆ บ, บ, บริเวณนะั้นแล้วพูดออกมาทีละอย่างทีละอย่า ง, ทางเท่าที่มีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานชาวบ้านใช่ไมนอตาไม่ใช่เาไม่เจอ ชาวบ้านไม่เอาไม้เกี่ยงต้นใหญ่อย่างนี้หรอกเพราะไม้เกี่ยงเอาไปทําไม้กระดานไม่ได้นอกจากจะเอาไปทําฟืนแล้วที่เอาไปทําฟืนมันก็ไม่จําเป็นต้องเอาต้นขนาดคนโอบแบบนี้อีกอย่างที่เราต้องสังเกตก็คือต้นไม้ต้นนี้หายไปแต่ส่วนที่เป็นลำต้นนะส่วนกิ่งเล็กกิ่งใหญ่กิ่งยังอยู่ครบสแสดงว่ามันเอารำต้นต้นไม้ไปใช้ประโยชน์เฉพาะอย่างเท่านั้นชาวบ้านเอาไปทําเสาเรือนหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะไม้ประเภทนี้ไม่ทนพอที่จะใช้ทําเสาเรือน จ่าดาวเหนือเดินต่อไปในลัศมีที่คาดว่าน่าจะพบหลักฐานอะไรอีกมองไปข้างหน้าเห็นไอเชสกับไอนิด ท, ที่ล้าออกไปเพื่อการระวังต่อที่ตั้งจ่าดาวเหนือพบอีกต้นที่ถูกตัดในลนักษณะเดียวกันแล้วก็พบอีกรวมที่พบในบริเวณ น, นั้นถึงสี่ต้นที่ถูกตัดในวันเดียวกันโอเคเมเจอร์ okay, <Major. S 1> ผมรู้แล้วละ่ะใครเอาไปทําอะไรใครฉเฉลยหรือไม่กระถานของมันที่เอาไม้นี้ไปเอาไปทําอะไรบังเกอร์สิเมเจอร์โอเคไอซี มันก็เหมือนกับฐานกําลังของพวกเรานั่นแหละนะไม่ใช่มันเหมือนเราเหรอกครับเราเหมือนมันตั้งหากเพอาะพวกมันนะทำมากอดเราการดาวเหนือสร้างพักขบวนเดินในบริเวณนั้นทางนี้เชื่อว่าถ้ามันจะมาตัดไม้อีกมันคงไม่มาตัดที่เดิมแน่เพราะถ้าตัดมากไปป่าตอนนั้นจะโปร่งนี่คือเหตุผลที่ก้านั่งพักที่ปากถําเสือกําลังพลทั้งหมดแยกตัวออกไปในลักษณะกาําบังและระวังป้องกัน ร, รอบ ต, ตัวต่อที่ตั้งเรามาถูกทางแล้วไม่ใช่เห็นโนซา ที่คุณว่าเนี่ยอาจจะเป็นหน่วยทหารของมันมาตั้งที่นี่แล้วมันมาตัดไม้พวกเนี้ไปสร้างบังเกอร์นะ่ะถ้าแบบนี้มันก็มีกําลังป้องกันค่ายมากอสิเรื่องนี้ก็ทั้งเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้ครับมิเชอร์เพราะเรายังมองไม่เห็นงานแรกในตอนนี้ก็คือหาที่ตั้งค่ายมาให้ได้ซะก่อนพันตรีโรเจอร์มีสีหน้าไม่สบายใจนักเพราะปักใจเชื่อว่าต้องมีทหารเวียดนามเหนือเข้ามาตั้งอยู่ในพื้นที่นั่นหมายความว่าฝ่ายเราต้องใช้กําลังที่มากกว่ามันเข้าปฏิบัติการจึงจะมีโอกาสสาเร็จ ตอนที่สามสิบห้าแล้วเสียงวิทยุจากจ่า ย, ยุทธพงศ์กับไอเล็กที่ออกไปข้างหน้ากว่าสามรอยเมตรก็รายงานเข้ามาคือเสียงมาเฮ้าโอเคยุดจ่าดาวเหนือตอบรับช้าๆค่อยๆเพราะต้องตั้งใจเงี่ยหูฟังแต่ระยะคงไกลเกินไปจึงไม่ได้ยินใครได้ินเสียงมาเฮ้าบ้างวะไม่มีใครตอบแสดงว่าไม่ได้ยินยังมีเสียงอีมั้ยยุดมีครับพี่ยังดังอยู่เลยโอเคเตรียมรับมือก็มันไว้หน่อยก็ดีครับพี่สถานการณ์ตอนนี้ จ่ายุทธภพกับไอ้เล็กต้องหาหนทางปฏิบัติเอาเองทั้งสองคนเริ่มหาที่กําบังที่สามารถใช้ตั้งรับและตรวจการได้ในเวลาเดียวกันเสียงเห่าของหมายังดังมาเลยแต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะปรากฏตัวให้เห็นและแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะย้ายทิศ ท, ทางไปพี่มันไม่มาทางนี้มันออกขวาไปแล้วโอเคยุตงั้นอยู่ที่เก่าต่อไปเดี๋ยวกูจัดการเองไปเมเยอร์ตามผมมาจ่าดาวเหนือหันมาชวนพันตรีโรเจอร์ให้ร่วมไปด้วยทันทีโดยไม่มีเวลามาอธิบายแผนการต่างๆให้ฟัง คืงกระนั้นคนอย่างพันตรีโรเจอร์ก็พอจะเดาเหตุการณ์ได้จัดการปลดเครื่องหลังออกตามอย่างจ่าดาวเหนือแล้วออกเดินตามไปทันทีเสียงมาที่เ่ามานันตอนนี้เริ่มจับทิศทางได้แล้วทั้งสองคนรัดเลาะไปอย่างไม่เร่งรีบนักป่าที่ค่อนข้างโปร่งคงไม่ง่ายนักกับการหาที่กำบังโนนยูเมเจอร์เพื่อนของเรา จากดาวเหนือมอบลาบกับพื้นหลังต้นไม้ใหญ่ที่มีซุ้มไม้เล็กๆหลงมาให้อาศัยโดยการมองในกล้องขยายที่ปืนทําให้ภาพที่ห่างออกไปกว่าหนึ่งันห้ารอเมตรนั้นเห็นได้อย่างถนัดธันีโอ้กอดไม่กอดไม่เกิดอะไรหรอกเมเจอร์ฉเฉลยสึกกับพวกผู้คุมมันเน่ะเออเน่ย e ผมรู้ภาพในกล้องเล็งที่ขยาย16เท่านั้นเป็นภาพของทหารเวียดนามเหนือสี่คนที่มีอากาครบมือกับหมาล่ามเชือกอีกสี่ตัวที่น่าสนใจที่สุดคือ ฉเฉลยศึกจำนวน16บหคนนั่นต่างหากฉเฉลยปล่อยร่างกายท่อนบนเปื่อยคงมีแต่กางเกงขาสั้นที่ขาดกระลุงกระลิงกับโซ่ตรวนที่ขาในมือถือขวานขนาดเครื่องคนละเล่มฉเฉลยเดินนำหน้าโดยมีทหารเวียดนามเหนือที่เป็นผู้ขุมเดินเคียงคู่ไปกับหมาตามหลังห่างๆพวกนี้ออกมาตัดไม้หมาใช้สำหรับไล่ล่านักโทษที่คิดลบหนีหรือขัดขืนมันสั่งทุกคนถอดเสื้อก็เพราะว่าเมื่อหนีไปแล้วจะได้ลบากหน่อย อันนี้ก็ใช่นะนอสตาสําหรับเรื่องเสื้อของมันอะ่ะผมเคยอ่านในหนังสือพบอว่าก่อนออกมาจากคุกมันจะให้นักโทษถอดเสื้อไว้ถ้านักโทษหนีมันก็ใช้เสื้อตัวนั้นแหละเป็นกลิ่นให้หมาออกตามโอเคไอซีเมเจอร์ทั้งสองคนต่างช่วยกันคิดถึงเหตุผลที่เห็นอยู่ในกล้องเลงนั้นเอาไงต่อไปดีนอสตาปล่อยมันไปก่อนครับเราดูมันไปเรื่อยๆก่อนบางทีวันนี้เราอาจจะตามพวกมันไปจะได้รู้เลยว่าค่ายของมันอยู่ที่ไหนแต่ว่าเราน่าจะถอยออกไปสักหน่อยนะ พรถ้าเกิดลมเปลี่ยนทิศทางหมามันจะจับกลิ่นเราได้โอเคงั้นถอยหน่อยก็ดีผมว่าเราหาทางที่สูงกว่าไว้ไม่ดีเหรอครับดีพันตรีโรเจอร์วิทยุแจ้งรายละเอียดให้ทางพันตรีคอรลินซาบ์ทั้งนี้เพื่อการรู้ข่าวความเคลื่อนไหวซึ่งกันและกันในคราวที่ต้องมีการแยกชุดหลังจากถอยห่างออกมาราวห้าร้อยเมตรแล้วอยู่ด้านใต้ลมนอสตาคุณดูซิว่าเฉลยพวกนั้นมีใครบ้างจา้าดาวเหนือพยายามเพ่งมองความแตกต่างระหว่างชนชาติของเฉลยพวกนั้นอย่างพินิจพิเคราะห์ จากการที่ร่างกายของแต่ละคนล้วนผอมโซผมยาวเป็นคนบา้าผิวที่เกลี่ยมไม้จนไม่เห็นสีเดิมทำให้แยกแยะไม่ออกผมว่ า, น, าน่าจะเป็นอเมริกันสักสามคนไทยสี่คนเรากับมง้งเป็นพวกที่เหลื อ, อมผมก็ว่างั้นแหละเราฟาไดไอ้พวกนี้ก่อนแย่งตัวเฉลยพวกนี้ออกมาเลยไม่ได้เหรอดีครับเมเจอร์แต่ไม่ใช่วันนี้ตอนนี้ถ้าเราเล่นงานในผู้คุมพวกนี้นะพวกในค่ายมันต้องผิดสังเกตแน่เพราะคนของมันหายไป มันอาจจะตามเราไม่พบแต่หมามันน่ะเจอเราแน่ถึงตอนนั้นเราจะแย่เพราะเรายังไม่พร้อมก็ไม่น่ามีปัญหานะนอสตาถ้าเราแย่งตัวเฉลยพวกนี้มาได้พวกนี้นี่แหละจะเป็นกําลังให้กับเราเขาจะพาเราเข้าโจมตีเพราะเขาชํานาญเส้นทางอยู่แล้วใช่ครับที่เมเจอร์พูดมานะถูกเราต้องทําอย่างนั้นอยู่แล้วแต่อย่าลืมสิเมื่อเราทํำมันมันก็ทําเราได้เหมือนกันแล้วผมคิดว่าตอนเนี้ยมันทําเราได้มากกว่าซะอีกงั้นวันนี้พรุ่งนี้กลับเข้าค่ายแล้วเราตามไปพรุ่งนี้เราก็น่าจะเล่นกับมันได้แล้วสินะ จ่าดาวเหนืออดที่จะหันมายิ้มกับพันตรีเมริกันเพื่อนร่วมรบในตอนนี้เสียไม่ได้เมเจอร์นิจใจล้อนหน้าดูเลยนะยังหรอกครับพรุ่งนี้มาลืนเนี้ยยังและยังมีเรื่องต้องหารายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายอีกหลายรายการงานนี้ต้องละเอียดรอบข้อให้มากอย่าลืมว่าเรามีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเราทําให้สําเร็จคนที่เดือดร้อนก็คือเชเลยแล้วกําลังรบที่จะเข้ามาปฏิบัติการก็ต้องหนักอีก ทั้งเข้าตีไม่สําเร็จแล้วอาจจะไม่สามารถถอนตัวกลับได้ด้วยไอ้พวกเนี้ยมันไม่ปล่อยแน่ตอนนี้เมเจอร์ใจเย็นไว้ก่อนเะครับอย่าเพิ่งแหวกย้าให้งูตื่นเลยโอเคนอสตาผมขอโทษที่ใจร้อนไปหน่อยคงเป็นเพราะผมสงสารคนของเราที่เป็นเฉลยนะ่ะเห็นแล้วมันอยากจะเข้าไปช่วยเลยครับอันนี้ผมเข้าใจแต่เราอย่าลืมสิว่าคนของเราที่กําลังคอยความช่วยเหลือก็ยังมีอีกมากในค่ายนั้นเราต้องเอาพวกเขามาให้ได้ทั้งหมดแล้วก็ต้องพร้อมกันด้วยเสียงควานที่ฟันต้นไม้ดังมาให้ได้ยินเป็นระยะระยะ ความเคยชินกับงานที่ถูกบังคับมานานนับปีทำให้พวกเฉลยเหล่านั้นเอาใจใส่กับงานทางนี้เพื่อแลกกับการที่ผู้ขุมไม่ต้องมาจู้จี้กวนใจการดื้อหรือคัดคืนนั้นไม่มีผลดีเพราะเคยทดลองกันมาแล้วและผลที่ได้รับก็คือความลําบากของตัวเองต้นไม้ขนาดคนโอบที่ลำต้นตรงและไม่สูงเกินไปถูกโค่นลงมาเวียดนามเหนือมันฉลาดพอที่จะไม่เอาต้นที่สูงสุด ทางนี้เพื่อสงวนส่วนใบหรือยอดของมันไว้เพื่อไม่ให้ศัตรูมาถ่ายภาพทางอากาศได้แต่มันจะเลือกเอาต้นที่มียอดต่ํากว่าลงมานั่นคือภาพถ่ายทางอากาศจะไม่ปรากฏการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศโดยเฉพาะต้นไม้ที่เคยถูกตัดได้หายไปแล้วทรงแต่ละตน้นถูกทอนให้สั้นลงเหลือเพียงหกเมตรเราใช้แรงงานคนแบกสี่คนตอนหนึ่งต้นไม่น่าเชื่อเฉเลยเหล่านั้นจะมีกําลังที่สามารถแบกมันไปได้ ทุกสิ่งปรากฏตามหลักฐานที่จ่าดาวเหนือคาดทะเน่หลังจากที่พบร่องรอยของมันไม่มีช้างหรือรถยนต์เครื่องจกักรใดๆในการทำงานทุกอย่างเป็นไปด้วยแรงคนทั้งสิ้นตะวันคล้อยบ่ายที่เหล่าฉเฉลยถูกสั่งให้เดินทางกลับค่ายพักพร้อมกับสุ่งจำนวนสต้นนั้นจ่าดาวเหนือกับพันตรีโรเจอร์เตรียมที่จะออกสะกดรอยตามเหมือนกันเมเจอร์คิดว่าพรุ่งนี้มันจะออกมาอีกไหมผมว่าออกนะถ้ามันออกมาอีกแล้วการติดตามมันไปของเราวันนี้จะเป็นผลเสียกับเรานะ เสียยังไงนอสตากับหาไงเล่าวันเนี้เราตามมันไปพรุ่งนี้มันออกมาหมาจับกินเราได้ทันทีเลยแหละอ๋อเรื่องนี้เรื่องเล็กนอสตาคุณลืมแล้วหรือว่าไอ้พวกเนี้ยมันไม่ตัดไม้ที่เก่าแม้แต่ที่ที่มันตัดเมื่อวานมันยังไม่มาตัดอีกเลยมันจะมาตัดเอาใหม่ที่นี่เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ถ้ามันออกมาตัดอีกมันก็ต้องไปตัดที่อื่นแล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้เราจะทําไงล่ะเราก็ตามรอยที่มันไปวันนี้สิเพราะรอยพรุ่งนี้มันก็ไม่ใช่แล้วจ่าดาวเหนือยิ้มออกมาด้วยพอใจในไอออเเดีียขงพันตรรรโจ์ ทันทีที่ผู้จบต้องลุกขึ้นมานั่งเรายื่นมือไปสัมผัสเป็นการแสดงว่ายอมรับในเหตุผลเราทั้งคู่ก็ลุกออกสะกดรอยตามไปทันทีโดยการรักษาระยะห่างเกือบหนึ่งพเมตรแม้คราวใดที่ภาพของพวกมันหายไปจากการมองเห็นก็จะมีเสียงโซ่กับเสียงหมาเป็นเครื่องบอกทิศให้ตามไปแล้วทุกอย่างก็ปรากฏความจริงขึ้นมาเมื่อประตูเข้าค่ายฉเฉลยที่เห็นในระยะประมาณ 1,500 เมตรนั้นภาพของคนที่ถูกกักขังอยู่ภายในย้เย้ยะไปหมด ทุกคนล้วนมีโซ่ใส่ที่ขากับร่างกายที่ไม่แตกต่างกับ16คนที่ออกมาตัดไม้นี่เลยกองขยายสามารถช่วยในการส่องมองรอดช่องว่างระหว่างรั้วที่ใช้ไม้สูงปักเรียงกันวางทางตั้งแม้ไม่ใช่ภาพที่เป็นจอกว้างมากนักแต่ก็ช่วยให้การตรวจการภายในทำได้ดีเกินคาดทั้งสองนักสะกดรอยปักหลักคอยอยุดตรงนั้นยังไม่คิดจะถอนตัวไปทางไหนใจอยากจะเข้าไปให้ใกล้กว่านี้แต่เกรงว่ากลิ่นตัวจะทำให้เสียงานใหญ่ ถึงต้องทนดูอยู่ห่างๆต่อไปกระทั่งเวลาสี่โมงเย็นกว่าๆเห็นพวกเฉลยกินข้าวหลังจากนั้นพวกเขาตั้งพากันเดินเข้าที่คุมขังอย่างเป็นระเบียบทําไมมันรีบเข้านอนนะล่ะนอสตาไม่ได้เข้านอนหรอกครับเข้าที่ควบคุมน่ะตอนนี้มันคงไม่มีความจําเป็นอะไรมันก็เลยสั่งเข้าคงเพื่อให้ควบคุมง่ายขึ้นนะครับร้อยตอนกินข้าวคุณเห็นไหมหมามันก็เข้าไปกินด้วยแล้วทําไมพวกเราไม่ไล่มันไปล่ะคงเป็นกฎข้อห้ามของที่นี่หรอมั้งครับเขาคงตีราคาค่าตัวเฉลยไว้น้อยกว่าค่าตัวหมาของมันนะสิครับ ก็ดามเชื่อมันเร็วระยำขนาดนี้เชื่อหรอมากกว่านี้ครับเมเจอร์เอาไว้เจอกับพวกเราแล้วให้เขาเล่าให้ฟังเองดีกว่าผมรับรองว่าแม้แต่คนที่สนิทสนมกับเมเจอร์ขนาดรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กก็รับรองว่าเมเจอร์คงจำสภาพเขาไม่ได้แน่งั้นที่นี่มันก็นรกชัดๆนะสิเอา้าแล้วใครบอกว่าเป็นสวัสดแ์้วาเมเจอร์ภายในคุกเริ่มเงียบลงฉเฉลยศึกที่เคยเดินควักขวให้เห็นหายไปคงมีแต่บรรดาผู้คุมสามถึงสี่คน ในมือไม่ยอมวางอากาเดินเตะไปมาบางพวกจับกลุ่มคุยกันเห็นมียุกลุมหนึ่งที่มีคนมากหน่อยเตรียมที่จะเล่นวันเล่กันที่กลางลานภายในค่ายที่ประตูค่ายเห็นคนที่เป็นยามสองคนนั่งสปปงบอยู่ด้วยความง่วงบนปอมที่มียามประจำสองคนทุกป้อมเห็นนั่งอยู่คนเดียวส่วนอีกคนนั่งหลับมาที่เลี้ยงไว้ที่เรือนพักได้ถุนปอมบางตัวนอนบางตัวหยอกล้อกันนั่นเป็นเรื่องของหมาคนไม่เกี่ยวความมืดเขาปกคลุม ทั้งๆ ท, ที่อาทิตย์ยังไม่สิ้นแสงดีทั้งนี้คงเนื่องมาจากที่ตั้งตรงนั้นอยู่ใต้ดงไม้ทึบนั่นเองแสงตะเกียงที่มีรอบด้านเพื่อป้องกันการมองเห็นจากทางอากาศทุกจุดคืนเวนยามเริ่มเข้าที่เสียงคนที่คุยกันดังแว่วๆมาให้ได้ยินในบางครั้งทั้งสองคนถอนตัวกลับออกมาหลังจากที่รับรู้เรื่องราวต่างๆที่บริเวณค่ายด้านหน้านั้นแล้วการกลับออกมานั้นก็เพื่อเตรียมแผนการปฏิบัติในวันต่อไปน่ากลัวจะยากกันไหมเจ้าอะไรยากก็เข้ายุดค่ายมันสิ ผมว่ามันแข็งแรงผิดจะค่ายทั่วไปนะก็จริงแต่ถ้ามันทนแรงระเบิดได้ผมก็จะยอมมันแล้วเมนเชอรจะวางระเบิดมันยังไงก็ระเบิดกำแพงสูงมันนั่นแหละเปิดให้กว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้เลยมันจะเข้าไประเบิดไม่ได้น่ะสิครับรอบค่ายมันในรัศมนะี300เมตรน่ะด้งกับระเบิดทั้งนั้นนะครับเฮ้ hey, คุณรู้ได้ไงนอสตาก็หัวหน้าค่ายมันบอกผมนี่ครับจ่าดาวเหนือแก้งตอบแบบติดตลกออกไป ทั้งนี้คำพูดของเขานั้นออกมาจากประสบการณ์ทั้งสิน้นกอบ ก, บกับการสังเกตลักษณะพื้นที่ด้วยแล้วเขาจึงมั่นใจร้อเปอร์ซไม่เป็นไรนองตาเรื่องระเบิดกําแพงซูงพวกนี้เอายี้สิเราใช้แนวที่ติดกับกําแพงเลยเดินในแนวนั้นเราใช้ตอปิโดบังกระโลดระเบิดมันซะก็สิกกส้นเรื่องส่วนในพวกยามตามจุดเราก็ใช้อินฟาเลทนี่แหละไล่มันลงมาง่ายอย่างนั้นก็ดีสิครับเล้วหมาล่ะก็อินฟาเลตอีกนั่นแหละผมว่าถ้ามันโดนเข้าคงวิ่งหางจุกตูดลืมดมกลิ่นแน่ จาดาวเหนือตาลุกวาวทันทีที่ได้ไอเดียจากพันตรีโรเจอร์เขากำลังคิดอยู่ว่าทำอย่างไรจรึงจะให้เฉลยที่ออกมาทำงานนั้นหนีพ้นผู้คุมการที่คนจะหนีคนนั้นคงไม่ยากแต่การที่คนต้องหนีหมานี่สิมันออกจะยากเพราะหมามันเก่งกว่าคนโอ้ไอซีเมเจอร์ตอนนี้ผมรู้แล้วผมจะเอาตัวเฉลยออกจากผู้คุมพวกนั้นได้ยังไงตอนที่สามสิบหก จ่าดาวเหนือพูดออกมาค่อนข้างดังจนทุกคนต่างหันมามองเป็นตาเดียวกันอะไรนอสตาผมกําลังพูดเรื่องเข้ายึดค่ายมันแต่คุณคิดที่จะเอาตัวเฉลยที่ออกมาทํางานเนี่น่ะเหรอครับเมเจอร์เอา้าถ้างั้นเราคิดกันคนละเรื่องอสิใช่ครับคนละเรื่องเดียวกันเอา้าถ้างั้นว่าเรื่องของคุณก่อนแล้วกันพันตรีโรเจอร์ยอมแผนในความใจเย็นของจ่าดาวเหนือที่ยังไม่ยอมคิดถึงแผนการเข้าตีค่ายของมันคือนี้นะเมเจอร์พรุ่งนี้เราออกแกะรอยพวกที่มันออกมาตัดไม้นี่ครั้ง คราวนี้เราจะเล่นงานหมาของมันให้เพ่นหนีไปก่อนแล้วหันมาเล่นคนก็ง่ายดีนี่นอสตามันอาจจะไม่ง่ายนะรครับแต่เราต้องพยายามอย่าให้ผู้คุมมันรู้เป็นการกระทําของคนอื่นนอกจากเป็นการกระทําของเฉลยเท่านั้นเมื่อทางค่ายมันรู้มีเฉลยหลบหนีมันก็จะจัดคนออกติดตามอีกถึงตอนเนี้เราก็ไม่ต้องห่วงเพราะเราจะฟาดกับมันแน่โอเคผมเอาตามคุณพันตรีโรเจอร์และพันตรีคอรลิน หรือแม้แต่ใจ ย, ยุทธพงศ์ที่ร่วมคุยอยู่ด้วยตั้งเข้าใจดีว่าหากได้ตัวเฉลยมาสักคนเรื่องการวางแผนเขาตีคายคงไม่ยากเพราะเฉลยคนนั้นนั่นแหละที่จะเป็นคนนำทางนั้นแบบนี้เราก็ไม่ต้องออกสำรวจพื้นที่สิพี่ใช่ถ้าเราได้คนของเรามาสักคนนะเครื่องบินรับข่าวมาตามเวลาอีกเช่นเคยวันนี้พันเอกนอร์แมนไม่ได้มาเองข่าวที่พันตรีโรเจอร์ส่งขึ้นไปนั้นแจ้งว่าภายในสถึงห้าวันนี้จะให้กําลังที่ต้องเข้ายึดคายได้ปฏิบัติการ การติดต่อนในระยะนี้ขอให้เครื่องบินมารับข่าวสารวันละสองครั้งคือตอนเช้ากับตอนคำ่ำส่วนข่าวสารอื่นๆสามารถรับส่งได้เรียบร้อยเช้าวันลุ่งขึ้นจ่าดาวเหนือจ่ายุทธพง์ไอเล็กไอเชษและพันตรีเมริกันทั้งสองคนรวมเป็น5คนออกทำงานชุดพิชิตหมาทั้ง5ออกมาตั้งหลักที่หน้าประตูคายโดยถือระยะห่างเกือบสองพันเมตรท้งนี้เพื่อมีเวลาพอที่จะหลบ หากมันต้องมาใกล้เส้นทางที่ทั้งห้าคนซุ่มอยู่แต่ก็เชื่อว่ามันคงไม่ทับเส้นทางเดิมแน่และแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามคาดเหมือนฟ้าประธานพรให้หรือจะเป็นมัจจุราชดนบรรดานก็แล้วแต่ตอนนั้นเก้าโมงเช้าพอดีฉเฉลย16คนเท่าเดิมซึ่งคงไม่ใช่ชุดเมื่อวานนี้แน่เดินนําหน้าออกมาจากประตูค่ายที่เปิดไม่มากนักผู้คุมที่เป็นทหารเวียดนามเหนือสี่คนกับหมาอีกสี่ตัวเท่าเดิมเหมือนกันเดินตามหลังฉเฉลยมาห่าง ในมือฉเฉลยเหล่านั้นยังถือขวานเช่นเคยจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าวันนี้มันก็ยังคงออกมาตัดไม้เหมือนเดิมเมื่อได้ระยะสักห้ารอยเมตรผู้คุมสั่งให้ฉเฉลยออกทางซ้ายพนมมุ่งหน้าไปทางทิศ ท, ที่มันต้องการนับเป็นการดีที่ชุดพิชิตหมาทั้งห้าไม่ต้องหลบหลีกไปไหนอีกกระทั่งขบวนฉเฉลยเหล่านั้นห่างออกไปจึงเริ่มแกะรอยตามเสียงหมากับเสียงโซบอกทิศ ท, ทางให้ตลอดเวลาดังนั้นชุดแกะรอยจึงไม่รีบเร่งนัก แต่ก็ต้องพยายามวกอ้อมเพื่อตัดไปใต้ทางลมอยู่เสมอๆ เ, เสียงขวานที่กระหน่ำลงที่ต้นไม้ดังขึ้นแล้วฉเฉลยศึกกําลังเริ่มทํางานชุดพิชิตหมาอาศัยเสียงนั้นรัดล้อเข้าไปที่กําบังประเภทสุ้มไม้ไม่มีเอาเซตเลยดังนั้นจึงต้องใช้วิธีคลานเข้าหาต้นไม้ใหญ่ทีละตน้นทีละตน้นไปเรื่อยๆและทั้งได้ระย ะ, ฉะเฉลยสิบหกคนเป็นอเมริกัน6คนที่เหลือเป็นไทยปนกับลาวที่ยังแยกแยะไม่ออกว่าใครเป็นใคร ผู้คุมทั้งสคนนั่งอยู่ที่ขอนไม้โดยมีอาก้าพาดอยู่ที่หน้าตักหมาทั้ง4ตัวแม้จะมีเชือกคล้องคอไว้แต่ปลายเชือกไม่ได้ผูกติดกับอะไรมันหมอบอยู่ที่หน้าเจ้าของของมันอย่างแสนรู้เอาหมาก่อนนะสี่ตัวจากซ้ายไปขวาตัวแรกของเมเจอร์โรเจอร์ตัวที่สองเมเจอร์คอรลินตัวที่3ามไอเล็กตัวที่4ีไอเชสต์ยิง2ตัวแรกก่อนพอมันโดนยิงมันจะออกวิ่งบางทีสองตัวที่เหลือก็อาจวิ่งตามถ้ามันไม่ตามค่อยยิงให้มันออกวิ่งก็แล้วกันพอมันออกวิ่งแล้วผู้คุมมันก็จะออกตามหมามัน ถึงตอนนั้นเขาว่ากันอีกทีเดี๋เริ่มยิงพร้อมกันนะจ่าดาวเหนือที่บายแผนขั้นตอนที่เพิ่งคิดได้เมื่อตอนที่มาเห็นเป้าหมายนี่เองทั้งสี่คนที่รับหน้าที่ผู้พิชิตหมาเริ่มเล็งทันทียิงจ่าดาวเหนือสั่งค่อยๆเ ค, ครื่องยิงลังสีอินฟาเรตจากมือพันตรีเมรดกันทั้งสองดังขึ้นพร้อมกันได้ผลเกินคาดมาสองตัวแรกสะดุ้งสุดตัวร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดมันกระโดดจนตัวร่อยล่นพื้นดังตุบแล้วออกวิ่งด้วยความตกใจ ขึ้นชื่อว่าหมาจะเป็นหมาประเทศไหนสัญชาติใดมันก็ร้องเองเองเหมือนกันอีกสองตัวมีอาการตกใจลุกขึ้นยืนอีกสองตัวยิงไอ้เล็กกับไอ้เชิดทางานได้ผลเหมือนสองตัวแรกไอ้หมาอีกสองตัวร้องล่านแล้วออกวิ่งตามเพื่อนหมามันไปอย่างรวดเร็วทั้งสี่ตัวสามอีกคราวนี้คนยิงต้องกดไกานานกว่าปกติเพราะเป้าหมายเป็นแบบเคลื่อนทีคนยิงจึงต้องใส่ลํากล้องตามซึ่งก็ได้ผล เมือ่อไอาทั้ง4ี่ตัวมีอาการล้มลุกคลุกคลานร้องลันแล้วออกวิ่งต่อไปมันวิ่งหนีลูกเดียวแบบที่เรียกว่าหางจุกตูดนั่นแหละไอพวก<ต>ผู้คุมทะลึง่งพลวดลุกขึ้นยืนสองคนเตรียมที่จะออกตามหันมาสร้างความกันสองสามคาแล้ววิ่งตามออกไปท่ามกลางความมุนงงของเฉลยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราฟาดได้ผู้คุมสองคนที่คุมเฉลยอยู่นะของเมเจอร์โรเจอร์คนทางซ้ายเมเจอร์คอนลินทางขวาแล้วกันอเล็ก์ พล อ, อสองคนนี้ลม้มลงมึงวิ่งชาร์จหลบออกขวาไปส่งข่าวให้ฉเฉลยรู้ตัวนะบอกให้มันสังหารผู้คุมซะครับพี่ไอ้เล็กรับคําสั่งในขณะที่จ่าดาวเหนือจับตาดูไอ้ผู้คุมสองคนนั้นที่วิ่งตามหมาไประยะห่างออกไปใกล้กว่าสองรอยเมตรที่ยังไม่มีทีท่าว่าหมามันจะหยุดวิ่งไอ้ผู้คุมก็ยังวิ่งตามไปเลยๆมันคงเสียดายหรือลักหมาของมันมากนั่นเองเมเจอร์ Major, ยิงไอ้ผู้คุมสองคนนั้นร้องลัน่นเอามือกลุ้มท้องตัวเองเกลึกดิ้ง เสียงที่ดังไกลามานั้นดังจนเบาแทบไม่ได้ยินอากาหลุดจากมือกระเด็นไปฉเฉลยทั้งสิบหกคนยิ่งงงหนักเข้าไปอีกเพราะคราวนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้ตัวนั่นเองไม่เจอสามอีกวันโมโอ้ยโอ้ ย, อยความเจ็บปวดเดิมที่ทำท่าจะลดลงกลับเพิ่มขึ้นมาอีกจนเสียงร้องดังรั่นกว่าเดิมผูกขุมมีาการชักดิ้นชักงอเล่าไส้เดือนถูกขีเทา ไอ้เล็กใส่ตีนหมาวิ่งวกออกทางขวาเพื่อหลบการมองเห็นของไอ้สองคนที่ตามหมามันไปกระทั่งได้ระยะเฮ้ยพวกเรากูมาช่วยแล้วกูมาช่วยฆ่าไอ้ผู้คุมนั่นฆ่ามันเร็วเฉลยศึกทั้งสิบหกคนยิ้มออกมาทันทีทั้งอเมริกันและลาวเพราะรู้ว่าคนที่พูดมานั้นพูดภาษาไทยเฉลิยคนแรกตั้งสติได้ก่อนฆ่าพวกมันเราเร็วฆ่าพวกมั น, มนเฉลยสี่คนชูขวานเหนือหัววิ่งล่าเข้าหายผู้คุมสองคนที่กําลังชักดิ้นชักงอโดยไม่รู้สาเหตุนั้น ขวานที่เงื้อจนสุดแขนฟาดลงบนส่วนหัวของมันอย่างแม่นยำเสียงดังเหมือนทุบมะพร้าวลางไอ้ภูคุมสองคนหยุดดิ้นทันทีเพราะมีสิ่งที่เจ็บกว่ามาหยุดให้มันมันสมองกระจายปนกับเลือดสดๆพุ่งไปทั่วบริเวณเฉลยที่เป็นมือขวานทิ้งขวานคว้าอาก้ามาถือแทนมาเลยพวกเราเร็วเรวไม่ต้องมีการเตือนซ้ำอีกเสียงโซ่ตรวนดังกล่าวกับคนที่ออกแรงวิง่งแม้จะวิ่งเร็วพวกเขาก็ไม่ลม้มเพราะความเคยชินนั่นเอง เมื่อบวกกับอิสระภาพที่จะได้รับก็เลยไม่รู้ว่าเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนสามารถวิ่งได้เร็วเท่าๆกับคนที่ไม่มีโซ่ตรวนนั่นเชียว m มจอร์ยิงหมายิงจ้าดาวเหนือสั่งยิงหมาอีกเมื่อเห็นว่าเสียงร้องเริ่มจะค่อยลงและทำท่าจะหยุดวิ่งความเจ็บปวดมันคงลดลงนั่นเองและที่สำคัญคือไอผู้คุมที่ตามไปก็ทาท่าจะตามไปทันดังนั้นจึงต้องยืดระยะห่างออกไปอีก ได้ผลอีกเช่นเคยไอหมาที่เกิดมาเป็นหมาแล้วเสด็จคำเก่งกว่าคนโดนยิงซ้ําจนต้องร้องเองแล้ววิ่งต่อไปอีกไอผู้คุมสองคนนั้นมันไม่ได้หันมาดูด้านหลังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันบ้างเอาแต่วิ่งตามหม้าย่างเดียวกระทั่งหายรับไปไอเล็กออกวิ่งนําขบวนเฉลยไปทางขวาเสียงโซ่ที่ดังกรุงกลิง้งเหมือนกับช้างที่มีโซ่อยู่ที่ขาในเวลาเดินดังไปทั่วเลาวป่าจากดาวเหนือกดสัญญาณวิทยุเรียกไอเล็กเพื่อสั่งการเมื่อเห็นว่ามันไปไกลแล้วเล็กครับพี่ ไอ้เล็กหยุดวิง่งเราหันมาพูดวิทยุในขณะที่ฉเฉลยทั้ง16คนใกล้เข้ามาแล้วพาพวกเราไปรวมกับชุดของเราที่ถ่ารอยเลยนะครับข่าวแรกถามพวกเขาสิว่าในค่ายมันมีหมากี่ตัวครับพี่เชลยทั้ง16ตามมาถึงไอ้เล็กบางคนต้องล้มทั้งยืนเพราะความเหนื่อยลา้าบางคนหอบยิ่งกว่าหมาที่วิ่งระยะไกลหลายคนละล่ําล ะ, ละลักพยายามถามใครเป็นใครจะมาช่วยมันได้ยังไงกระทั่งไอ้เล็กต้องปลามเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพวกเรา ผมมาช่วยพวกเราแนะ่แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งถามอะไรเลยรู้แต่เพียงว่าผมเป็นทหารไทยก็แล้วกันตอนนี้พวกคุณช่วยผมก่อนงานของเรายังไม่เสร็จหัวหน้าผมขอให้ถามพวกคุณว่าหมาของพวกมันในค่ายมีกี่ตัวหมามีกี่ตัวหมาไล่ล่ามีสิเตัวฉันเลยคนหนึ่งตอบแล้วตอนนี้อยู่ครบไหมครบครับผมเป็นคนเลี้ยงมันเองไอ้เล็กยิ้มพราะขันที่ว่าไอ้นี่เลี้ยงหมาเอาไว้ล่าตัวเองดีเหมือนกันจากนั้นจึงจัดการวิทยุทันที หมามีสิบเอตัวครับพี่ไอ้คนเลี้ยงหมามันบอกโอเคตอนนี้ตายไปแล้วสี่คงเหลืออีกเ็ดไม่ยากพาพวกเขาไปกันได้แล้วจ่าดาวเหนือคิดแผนทันทีงานนี้ต้องทําอย่างต่อเนื่องเพราะสถานการณ์มันบังคับไอ้ผู้คุมสองคนนั้นไม่รู้หายไปไหนแล้วเชื่อว่าถ้ามันจับหมาไม่ได้ต้องกลับมาที่นี่เมื่อมาที่นี่แล้วไม่พบพวกฉเฉลยกลับพบแต่ศพของพวกมันมันก็ต้องกลับไปรายงานที่ค่ายถึงตอนนั้นคนยังจ่าดาวเหนือรู้ดีว่าจะตอบโต้มันอย่างไร ยุติกับเชิดรอที่นี่นะ้ายสองคนนั้นเอาหมากลับมาได้มึงฟาดหมามานันอีกเอามันให้เข็ดให้ได้เดี๋ยวกู3าคนจะไปดักเล่นหมาเจ็ดตัวที่เหลือหน้าค่ายมันงานนี้ต้องเล่นหมาก่อนว่ะเล่นคนในะเรื่องเล็กจาก่าดาวเหนือกับสอ0 0ันตรีอรันละกันพาออกไปปล่อยทางด้านนี้ให้จ่ายุทธพงศ์เป็นคนจัดการส่วนทางด้านไอ้เล็กคงไม่มีปัญหาพอาเมื่อไปที่ฐานรอยแล้วคนในชุดนักบ้าหลับจางก็จะแก้ปัญหาให้เอง ทั้งสาคนรัดเลาะมกออกสายก่อนทั้งนี้เพื่อให้ห่างจากด้านขวาที่ไอ้ผู้คุมสองคนนั้นยังไม่มาระยะเพียงสองสามกิโลเมตรจากประตูคายคงไม่ต้องใช้เวลามากแต่อย่างไรก็ตามต้องไปถึงที่นั้นให้เร็วกว่าไอ้ผู้คุมสองคนนั่นให้ได้กระทั่งวิทยุจาก่า ย, ยุทธพงษ์เรียกมาเพี่ว่ามายุทธไอ้สองคนนั้นมันกลับมาแล้วแต่ไม่มีหมากลับมาด้วยนะมันแบกกระส่ ง, งเพื่อนมันไปด้วยพี่ตอนเนี้ยโอเคถ้ามันไปแล้วถอนตัวไปเลยไม่ต้องยุ่งกับมันยุทธ เรากลับไปรวมกับพวกเราก่อนพอพวกเฉลยเราไปถึงไงให้รีบทําแผนถังที่ตั้งค่ายก่อนยังไงยังไงคืนเนี้ยเราอาจส่งข่าวให้ทางบอกกรู้ครับพี่เล็กครับพี่ถึงที่พวกเราหรือยังยังครับพี่แต่วจวนแล้วเลยสักสามรอยเมตรโอเคเดินต่อไปเดี๋ยวจะยุดจะตามไปครับพี่จ่าดาวเหนือสั่งการทางด้านหลังในขณะที่เท้ายังก้าวไปอย่างรวดเร็ว จากข่าวที่ว่าไอ้ผู้คุมสองคนนั้นมันแบกศพเพื่อนมันมาด้วยเชื่อว่ามันคงเดินได้ไม่เร็วมากนักแต่มันก็ต้องระวังสองข้างทางให้ดีเพรา ะ, ฉะเฉลยที่หายไปนั้นได้ปืนไปด้วยนี่คือการคาดคะเนของจ่าดาวเหนือในข้อที่ว่าการประมาณการฆ่าศึกตอนที่37มสแล้บนเส้นทางที่ย้อนกลับมาใหม่นั้นก็ปลอดภัย ทั้งสมนักพิชิตหมามาถึงก่อนที่้ผู้คุมสองคนนั่นจะมาจนสามารถเห็นการเข้าไปของพวกมันเหตุการณ์ตอนนั้นสร้างความโกรธหดไม่ใช่น้อยผู้ทหารในค่ายทุกคนตั้งออกมาดูพร้อมกับมีคําสั่งด่วนให้ฉเฉลยทุกคนกลับเข้าห้องควบคุมมันเรื่องอะไรกันคนที่เป็นหัวหน้าค่ายเป็นคนถามขึ้นก่อนไม่รู้ครับตอนแรกหมามันโดนอะไรก็ไม่รู้ร้องร่นและวิ่งหนีเข้าป่าไปผมตามมันไปไม่ทันกลับมาทั้งที่พวกเราอยู่ก็เห็นคนของเราถูกฆ่าหมดเลยครับใครฆ่าเขา พวเฉลยครับแล้วเฉลยมันหายไปไหนหมดหนีไปหมดแล้วครับศพนั้นถูกวางลงทุกคนเห็นกับตาว่าบาดแผลที่หัวนั้นเกิดจากการโดนขวานจามกระโหลกที่แตกกระจายคงไม่มีทางรอดไอ้หัวหน้าคายสั่งการทันทีเอาศพมันไปฝังอยากโง่นักไอ้ห้าปืนก็มีเสืกปล่อยให้เขาขวานมาตีกบาลได้งดอาหารเฉลยจนกว่าจะสั่งเปลี่ยนแปลงจัดคนสามสิบคนออกติดตามเอาหมาที่เหลือทั้งหมดไปด้วยไอ้สองคนมึงนำทางไปไป ไอ ห, หัวหน้าค่ายสั่งการอย่างเกรียวกลัดด้วยความหัวเสียกำลังผลเข้าแถวทันทีและเมื่อพร้อมทั้งคนทั้งหมาก็เริ่มเคลื่อนทีออกจากคายทุกอย่างตกอยู่ในสายตาของชุดพิชิตหมามาโดยตลอดบัตนี้ปืนลังสีที่ใช้ยิงหมาได้ผลเป็นเลิศทั้งสามกระบอกพร้อมแล้วรอแต่คำสั่งยิงเท่านั้นที่จะเริ่มปล่อยพิษส่งเฉพาะหมานะยิงจา่าดาวเหนือสั่งการหมาสามตัวแรกโดนก่อนร้องรัานแล้วชักดิ้นชักงออยู่ตรงนั้น ผู้พิชิตหมาทั้ง3ไม่ยอมปล่อยโอกาสในขณะที่ทุกคนกำลังตกตะลึงจัดการกดไกเข้าใส่หมาชุดต่อไปทันทีไอหมาตัวแรกลุกตั้งหลักได้ก็ออกวิ่งทันทีเราตามด้วยตัวต่อไปผู้พิชิตหมายังไม่ยอมหยุดพยายามเล็งที่หมาโดยเฉพาะไม่ให้โดนคนการที่หมาตกใจวิ่งแยกออกไปนั้นเป็นการดีเพราะคนยิงจะได้ไม่ต้องห่วงว่าจะโดนคนอีกเอ็มทั้ง3กระบอกเล็งตามแล้วยิงต่อไปยังไม่ลดละ มาที่โดนซ้ำตางก็ล้มลุกคลุกครานร้องลั่นป่าออกวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตตามมันไปเอากลับมาให้ได้หัวหน้าค่ายสั่งการดังลัน่นระยะที่พวกซุ่มอยู่ห่างไปกว่า 1,500 เมตรกับที่กำบังอย่างดีพวกในค่ายจึงไม่มีทางตรวจพบเส้นทางที่มันกำลังจะไปหนีเป็นทางซ้ายในขณะที่พวกซุ่มอยู่ทางขวานับว่าการเดาใจของมันคราวนี้ได้ผลเกินคาดตามมันไปได้ตัวมันแล้วี่ตามระสมทกทีหลังไปวกเราไป ผู้น่าคาดสั่งการอีกเราเริ่มเดินทางทันทีผู้พิชิตหมายังไม่เลิกรังควานหมาอีกแม้หมาพวกนั้นจะออกห่างไกลไปแล้วก็ตามเมื่อใดที่เห็นตัวต้องยิงไล่ทันทีสัญชาตยานหมาเมื่อตกใจอย่งางรุนแรงบวกกับความเจ็บปวดด้วยแล้วต่อให้แสนรู้ขนาดพูดภาษาคนได้มันก็ต้องวิง่งเพราะมันเป็นหมาหมาก็คือหมาจ่าดาวเหนือเอ็นตัวลงพิงหลังต้นไม้ที่กำบังอยู่ยังพึงพอใจในผลงานแม้จะเหนื่อยแต่ก็เหนื่อยยังมีความสุข หันไปยิ้มกับพันตรีเมริกันทั้งสองตามไปฟานมันเลยด no ีแมนอสตายังไม่ต้องโรเมเจอร์เพราะตอนเนี้มันยังไม่รู้เลยว่าเรามาแล้วแล้วมันก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับมันด้วยปล่อยมันไว้งั้นแหละเอา้าเอาไงเอากันทั้งสองคนเห็นด้วยกับแนวความคิดของจ่าดาวเหนือที่วางแผนอะไรแล้วไม่ค่อยพลาดงานทุกอย่างเป็นไปแบบสเต็ปบายสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนการฝึกในสนามจนต้องยอมรับว่าคนอย่างจ่าดาวเหนือนีน่ช่างเป็นอัจฉริยะบุคคลสําหรับการฆ่าจริงๆยุดคระบพี่ ตอนนี้พวกในค่ายของมัน30สิบคนหัวหน้าค่ายมันออกมาเองมันกำลังตรงไปที่เกิดเหตุเมื่อกี้นี่นาะมันออกไปกันแล้วให้ไอ้เล็กกับใครสักคนเอาไปสังเกตการณ์ไว้ก่อนที่มันจะเข้าถึงตัวบอกพวกเราด้วยไอ้คนที่ออกไปนะให้ีเลี่ยงการประทายมากที่สุดเริ่มได้เลยพรับพี่ขบวนการล่าตัวฉเฉลยทั้ง30สิคนหายไปแล้วจ่าดาวเหนือ ย, ยังไม่คิดที่จะถอนตัวทางนี้จะรอดูความเคลื่อนไหวต่างๆภายในค่ายอีก ทั้งอยากจะรู้ว่าไอ้คนที่ไปตามหมานั้นได้ตัวหมามาหรือไม่ทามันได้มาอีกก็ต้องเล่นงานมันอีกในขณะรอคอยสายตาที่กวาดมองผ่านกล้องเล็งที่ขยายสิบหกเท่าก็พบสิ่งน่าสนใจในค่ายเมเจอร์ Major, สายการวิทยุมันเออ okay. โอเคโอ้โหลืมสนิทเลยอันนี้สำคัญนะคุณเจอเหรอเล่นมันเลยสิโอเคเอาเลยนะจาดาวเหนือพูดในขณะที่สายตายังอยู่ที่กล้องเล็ง ใจนั้นไม่แน่ใจว่ารังสีินฟาเรตจะทําลายสายอากาศวิทยุได้หรือไม่ในเมื่อสิ่งนั้นเป็นโลหะแต่อย่างไรก็ต้องถือหลักไม่ลองไม่รู้ดูก่อนว่าแล้วก็ลั่นไกลทันทีคนยิงลั่นไกลใส่ซ้ําหลายครั้งครั้งแรกสายอากาศที่เป็นลโลหงแดงมีการไหวสะเทือนอย่างเห็นได้ชัดจึงตัดสินใจซ้ำเข้าไปอีกได้ผลนะโนสตาคุณนี่ยอดจริงๆไม่ใช่ผมโรเมเยอร์กองทัพอเมริกันของคุณต่างหากที่ยอดจากดาวเหนือวางปืนลงเมื่องานสําคัญอีกอย่างสําเร็จ วิทยุนั้นนับว่าสําคัญพอๆกับหมาเพราะสามารถใช้เรียกคนที่อยู่ไ ก, กลๆมาช่วยได้เช่นเดียวกับหมาที่ใช้แกะรอยฝ่ายตรงข้ามทั้งสมคนซุ่มอยู่อย่างนั้นนานนับชั่วโมงแต่ไม่มีทีท่าว่าคนกับหมาของมันจะกลับมาพอดีเสียงวิทยุเรียกจากไอ้เล็กมาพี่ว่ามานอไอเล็กไอ้พวกนั้นมาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะพี่มันกําลังแกะรอยเฉลยที่หลบไปนะพี่มันแบ่งกําลังกันหรือเปล่ายังไม่แบ่งพี่มันเดินตามกันเป็นหางเลยเออคอยดูมันต่อไปก่อนจะให้ผมตามมันไปไหมพี่ น่าจะตามอะไรว่าแต่ว่าเฉลยพวกเราทิ้งร่องรอยอะไรไว้มากหรือเปล่าวะก็คงไม่มีนะหรอกพี่แต่ผมไม่แน่ใจนะโอเคงั้นตามมันไปสักระยะหนึ่งก่อนจนกว่ามันจะเลิกตามยังไงก็วิทยุมาเรื่อยๆแล้วกันเดีย๋ยวจะสั่งให้พวกเราย้ายที่รวมไปทางเหนือสักหนึ่เมตรไว้ไปเจอที่นั่นแล้วกันนะครับพี่หยุดจ่าดาวเหนือหันมาเลขทั้งจ่ายุทธพงศ์อีกครั้งครับพี่หยุด พี่ม่ น, น่าจใจนะว่าเฉลยพวกเราน่ะทิ้งร่องรอยอะไรไว้หรือเปล่าแล้วตอนนี้ไอ้พวกนั้นมันก็ไปถึงที่เกิดเหตุแล้วแล้วทาท่าจ อ, อกแกะรอยตามเพราะฉะนั้นระยะหนึ่งพันห้าร้อยเมตรอ่ะระวังเรื่องร่องรอยให้ดีที่สุดด้วยเริ่มเลยครับพี่นี่คือประสบการณ์ที่ต้องนํามาแก้ไขปัญหาในการลบในบางครั้งต้องใช้ระบบเอาใจเขามาใส่ใจเราสถานการณ์หรือเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นเราเราจะแก้ไขหรือปฏิบัติอย่างไรเวียดก่งมันก็เหมือนกันจากดาวเหนือจึงต้องสั่งยายที่ตั้งกระทั่งคํา ไม่มีวี่แววว่าคนกับหมามันจะกลับมาส่วนชุดร่าเฉลยสามสิบคนนั้นได้รายงานมาว่ามันหลงทางไปทางอื่นมันไม่คิดเลยว่าทั้งสิบหกคนก็อยู่ใกล้ๆกับมันนั่นเองเส้นทางที่มันคาดก็คือการเดินทางไปทางทิศตะวันตกมุ่งหน้าเข้าสู่เขตแดนลาวนั่นเองสุดท้ายก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่ถ้าเกิดมันกลับมาตอนที่เขากําลังฟาดกันก็คงจะดีเพราะมันคงยุ่งพิหลึกสําหรับแนวรบสองด้านแต่ที่เห็นตอนนี้ก็คือ ไอตัวหัวหน้าค่ายกับลูกน้องอีกสาคนกลับมาก่อนชุดพิชิตมาทั้งสามคนลอกระทั้งมันกลับเข้าค่ายแล้วนั่นแหละจึงถอนตัวทั้งหมดกลับมาพร้อมกันอีกครั้งณนะที่รวมพลแห่งใหม่ร่วมทั้งไอเล็กกับเพื่อนด้วยเฉลยศึกเมื่อพบหน้าจ่าดาวเหนือตั้งพากันดีใจบางคนถึงก็ร้องไห้บางคนก้มลงกราบงามๆด้วยความสำนึกในบุญคุณเลนเอาจ่าดาวเหนือต้องเขิน เอาล่ะเอาล่ะพวกเราใจดีๆไว้ตอนนี้ยังไม่นับว่าเรารอดชีวิตกันนะเพียงจะดึงข่าวมาได้เพียงข้างเดียวเท่านั้นเองโน่นแหละถึงเมืองไทยเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าปลอดภัยหรือก็ไม่แน่บางทีอาจจะกลับไปตายบนอกใครก็ได้ใครจะรู้หรือว่าไงพวกเราท่ามกลางความเป็นความตายนั้นจ่าดาวเหนือต้องใช้หลักการจิตวิทยาแกงพูดเรื่องตลกให้ทุกคนคลายเครียดอีกทั้งเป็นการเรียกขวัญและกําลังใจที่กระเจิดกระเจิงไปนั้นให้กลับมาความเป็นนักรบควรจะได้รับการชูชุบขึ้นมาอีกศัตรูที่อยู่แค่เอื้อม หากทุกคนหมดกำลังใจเสร็จแล้วย่อมไม่มีทางต่อสู้ได้เอาล่ะตอนนี้ผมจะยังไม่ถามไทยอะไรพวกเราให้มากนัก น, นะพอเห็นว่าพวกเราก็รู้แล้วว่าใครเป็นใครจากที่คุยกันมาเมื่อตอนกลางวันตอนนี้ผมจะเริ่มงานเพื่อช่วยเหลือพวกเราที่เหลืออีกผมคิดว่าจะหาทางเอาพวกเรามาให้หมดให้ได้แต่พวกเราบางคนต้องให้ความร่วมมือกับผมนะลายคนยกมือพร้อมที่จะร่วมมือด้วยเต็มที่ คืนพรุ่งนี้กําลังส่วนใหญ่ของเราจะเข้าตีค่ายผมต้องการพวกคุณสําหรับนําทางให้คนของผมเข้าตีแล้วทาการชี้เป้าให้บางครั้งอาจจะมีการบุกเข้าไปข้างในก็พวกคุณนี่นั่นแหละที่ต้องช่วยนําทางเอาละตอนนี้คิดว่าพวกมันจะทํายังไงกับพวกเราที่อยู่ในค่ายบ้างลงว่ามาสิจา่าดาวเหนือหมายถึงเราเฉลยที่ยังตกค้างอยู่ในค่ายกักกันนั้นอันดับแรกนะมันก็จะสั่งงดอาหารจนกว่ามันจะพอใจ อันดับที่สองมันก็จะเอาคนของเราเข้าเครื่องทรมานกันทุกคนจนกว่ามันจะพอใจอีกเหมือนกันล้านที่สามคนที่หมายหัวเอาไว้มันจะเอ า, เอามาฆ่าทิ้งหรือไม่ก็ฆ่าในห้องขังนั่นเลยส่วนอันที่สี่มันจะเอาไฟคล อ, อกให้ตายทั้งหมดในห้องขังแบบไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวครับเฉะเลยคนหนึ่งเป็นคนตอบรู้ละเอียดดีจริงๆอยู่มานานเท่าไหร่ละผมรุ่นแรกครับปีนี้ปีที่ห้าคุกนี้ผมสร้างมันมากับมืออา้าวสร้างมันมากับมือแล้วจะทิ้งมันไปไม่เสียได้เหรอ เล่นอะทุกคนต้องโวเราะคลื่นในคําถามที่จ่าดาวเหนือถามไปนั่นไม่ไหวแล้วครับมันทําท่าจะทลายอยู่แล้วนี่ไงหรือว่าไงพวกเราคนอื่นๆก็เลยพลอยเห็นด้วยกับคําปลุกใจอันนั้นแล้วมือไปโดนอะไรมาจ่าดาวเหนือถามอีกครั้งเมื่อเห็นว่ามือทั้งสองไม่สามารถงอนิ้วเข้ามาแบบกําหมัดได้ก็จ่าลายซี่อีกแล้วกําแม่งเล่นใส่ไม้หนีบเหยียดนิ้วแล้วบีบบีบแม่งมันบีบอยู่เกือบสามเดือนทั้งกระดูกทั้งเส้นเอ็นทั้งกล้ามเนื้อก็ตายหมดสิไม่เป็นไรแบบนี้ก็ดีตบคนไม่มีพลาดดี ไม่ไหวที่เฉลยมือแปรคนนั asta, ้นจะติดตลกอีกต้องยอมรับว่าจิตใจของนั้นเข้มแข็งเกินธรรมดาเสียงเครื่องบินแว่วมาแต่ไกลเฉลยศึกได้ยินเสียงพึมพำอยู่ทั่วหลายคนว่ากูบอกแล้วเครื่องบินมาแบบเนี้ทุกวันทุกวันเดี็กก็ต้องมีคนมาช่วยเราหรือแม้แต่คนที่ด่าไอ้เฮียแม่งมันบินอยู่กินหาอะไรวะพ่องคอยอยู่นี่ไม่รู้หรือไงก็สารพัดที่เขาจะพูดกันตามที่อารมณ์วาวุ่นจ่าดาวเหนือเปิดเครื่องแจ้งที่อยู่อัตโนมัติคอยทันที ตอนที่สามสิบปดนอสตาจากฮันนี่เปลี่ยนเช่นเคยที่จ่าดาวเหนือต้องปล่อยให้เรียกมาเรื่อยๆก่อนอย่างน้อยก็ต้องสองครั้งขึ้นไปจากนอสตาเปลี่ยนโอเคนอสตาคุณอยู่ติดท้ายมาเลยนี่เชียร์สันนี่คุณบินสูงขึ้นไปอีกคุณจะให้วีซีนมาฆ่าผมได้ไงขึ้นไปขึ้นไปอีกเชีย yes. รจ่าดาวเหนือด่าขึ้นไปเพราะเครื่องบินโอวีสิบเครื่องนั้นบินต่ำเกินไปทางนี้สังเกตจากเสียงที่ดังผิดปกติกว่าทุกวันนั่นเองจ่าดาวเหนือสั่งต่อไปอีก ฮันนี่คุณบินไปทางทิศ230รดีรีและระยะห่างจากผม10กิโเมตรความสูง6000ฟุตแล้วเปิดไฟเครื่องด้วยโอเคไมให้เปลี่ยนทําไมผมต้องทําอย่างนั้นไม่ต้องถามผมไม่มีเวลาอธิบายผมบอกให้คุณไปคุณก็ต้องไปสิที่นี่ผมรู้ดีกว่าใครนี่เป็นคําสั่งคุณอย่าเถียงไปไปเร็วเครื่อง OV สิเครื่องนั้นดึงตัวสูงขึ้นแล้ววกไปทางทิศจ่าดาวเหนือสั่งทันทีพันตรีมรดิการทั้งสองก็ไม่เข้าใจในความมุ่งหมายของจ่าดาวเหนือเหมือนกันแต่ยังไม่ถาม พอรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาถึงอย่างไรก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนยังจ่าดาวเหนือนั้นตัดสินใจทําอะไรลงไปแล้วไม่ค่อยพลาดนานเกือบห้านาทีที่เครื่อง OV10 เครื่องนั้นไต่ขึ้นถึงระยะแล้วไปวนเวียนอยู่เหนือบริเวณที่จ่าดาวเหนือสั่งแสงไฟที่ปีกและลําตัวช่วยให้เห็นแต่ไกลแล้วเสียงวิทยุจากพันเอกนอร์แมนก็ดังมานอสตาจากฮันนี่เปลี่ยนจากนอสตาโอเคคุณถึงที่ที่ผมกําหนดแล้วใช่ไหมใช่แล้วนอสตา วันนี้มีเหตุการณ์อะไรไหนคุณลองบอกผมสิเชี่ยสันนี่รบอย่างคุณ น, นี่นะสิถึงได้ดตายกันหมดคุณคิดว้วีซีมไม่มีหูมีตาหรือไงเอา้าคุณฟังให้ดีแล้วเตรียมขึ้นมบันทึกเสียงไว้ด้วยคุณจะได้ไปสอนคนของคุณจะได้ไม่งี่เง่าแบบนี้อีกจากดาวเหนือเล่นด่าเป็นชุดชนิดที่เรียกได้ว่า<อ>คนระดับพันเอกต้องนิ่งอึงยอมให้ด่าก็เรื่องมันจริงนี่นา วันนี้น่ยผมพบค่ายเฉลยแล้วได้รายละเอียดมาแล้วสามารถช่วยเฉลยมาได้16คนสังหาร VC ีไปได้2คนกำจัดหมาไล่ล่าของมันได้ทั้งหมดตอนนี้ผมทำแผนว่าเฉลยที่หลบหนีออมานั้นซุ่มซ่อนอยู่แถวๆที่คุณกำลังบินอยู่แต่ที่จริงแล้วเฉลยทั้งหมดยังอยู่กับผมที่นี่ตอนนี้คนของมัน26คนกำลังตามล่าเฉลยพวกนี้คุณบินวนอยู่ตรงนั้นแหละเป็นการล่อให้มันห่ามาจากผมแค่นี้ก่อนโอเคไหมฮันนี่เปลี่ยนโอเคนอสตาผมเสียใจด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นนัก บ, บินมันมือใหม่ไปหน่อย เอาละตอนนี้คุณว่าต่อไปได้เลยโอเคค่ายของมันเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ200เมตรห้องขังทุกห้องขุดลงไปใต้ดินใช้ไม้สูงทางําผนังทําหลังคาแข็งแรงมากมีจํานวน12หลังใช้เป็นที่ควบคุมเฉลยอาคารที่ทําการที่พักมันสร้างเหมือนกันมีจํานวนหกหลังช่วงบนของอาคารสูงกว่าที่ควบคุมรั้วทําด้วยไม้สูงขนาดคนโอบฝังลงไปในดินทางตั้งเรียงเป็นแถวสูง5เมตรป้อมยามสูง7เมตรทุกๆระยะ50เมตรมีทั้งหมด12ป้อม บนป้อมมีปืนกลขนาด 12.7 ม mm. ิมตกระบอกตอนกลางวันจะมีทหารประจํา2คนกลางคืน4คนที่ใต้ป้อมเป็นที่พักนอนของทหารที่มาเข้าเวรมีคนนอนอยู่8คนประจําทุกป้อมเดิมมีหมาอยู่ด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีบนป้อมไม่มีไฟส่องนอกจากไฟฉายธรรมดาๆ ร, รมดาั้วด้านนอกมีกับระเบิดที่วางไว้จนเต็มพื้นที่ห่างจากรั้วประมาณ100ยเมตรแต่ชิดขอบด้านในสุดระยะ10เมตรไม่มีกับระเบิดกับระเบิดทั้งหมดเป็นแบบกด M14 ของสหรัฐนั่นแหละ ทหารที่รักษาค่ายตอนนี้มีหนึ่งร้อสิบคนอาวุธมีคอหกสิบสี่กระบอกเบสี่สิบจำนวนย4ิบสี่กระบอกปรอสสิบเจ็ดำนวนสี่กระบอกทหารใช้อากาศสี่สิบเจ็ดทุกคนกระสุนเพียบโอเคไหมรายละเอียดน้อยไปหน่อยนะนอสตางั้นคุณลงมาเองเลยมามาจ่าดาวเหนือรู้ว่าพันเอกหน่อแมนแกล้งพูดเล่นเพื่อจะผ่อนคลายที่ถูกด่าทางอากาศเมื่อครูโอเคนอาแล้วคุณจใจเริ่มจนตีเมื่อไหร่ คืนพรุ่งนี้คุณนํากําลังมาได้เลยผมใช้คนของผมรอตามจุดต่างๆรอบค่ายมันว่าแต่คนของคุณอะ่ะพร้อมหรือยังผมมีเวลาไม่มากนักหนาที่นี่มันไม่ค่อยน่าอยู่สักเท่าไหร่นะหรอกเปลี่ยนโอเคพรุ่งนี้หนึ่งทุมตรงโอเคไหมเปลี่ยนโอเคคุณจะส่งลงแบบไหนลงพร้อมกันทั้งหมดหรือว่าลงเป็นชุดลงพร้อมกันทั้งหมดเลยว่าแต่ในค่ายไม่มีสามเจนะเรื่องนี้ผมไม่รู้เพราะไม่เห็นแต่จะกการสอบถามฉเฉลยแล้วคิดว่าไม่มีพวกเรารู้ได้ไง โถเอ้ยก็พวกเขาเป็นคนขนของเข้าไปเองนี่นาวันดีคืนดีพวกเขาเข้าไปทําความสะอาดในคลังอีกด้วยไม่รู้ล่ะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของคุณตอนนี้งานพิสูจน์ทราบที่ตั้งค่ายกับรายละเอียดเรื่องเชลยที่ผมรับงานคุณมาเสร็จแล้วต่อไ ป, ไปเป็นเรื่องของคุณไม่ใช่เหรอใจเย็นหน้านองตาแล้วจานวนชเชลยล่ะคุณไม่เห็นบอกมาเลยเอา้าหรือว่าจะไม่ถามผมกล้า้งลืมจะดูซิว่าคุณจะถามหรือเปล่าเอา้างั้นเอาไปเลยฐานราวหนึ่งยบสคน ทหารไทย14คนอเมริกันสี่คนรวมเท่าไหร่ว่าเาเองโอเคไหมโอเคยอดมากนอสตาคุณทำงานได้ดีที่สุดเลยใช่ทำงานดีที่สุดแต่ได้เงินน้อยที่สุดใช่ไหมเฮ้ hey, ไม่ใช่อย่างานั้นหรอกนะคิดมากนะนอสตาโอเคงั้นตอนนี้คุณไปได้แล้วก่อนไปอะไรเถานั้นหน่อยสิสมบทบาทว่ากำลังค้นหาเฉลยอยู่ไอ้ VC มันจะได้เชื่อไม่ยากไม่ยากนอสตาเดี๋ยวผมจัดการเองโชคดีนะพรุ่งนี้เช้าพบกัน โอเคพบกันที่เก่าที่คุณกําลังบินอยู่นั่นแหละโอยีสิบเครื่องนั้นบินจากไปก่อนที่จะจากไปก็ไม่ลืมที่จะบินโฉบลงต่ําตามแผนที่จ่าดาวเหนือแนะนําด้วยพันตรีมริการยอมรับว่าจ่าดาวเหนือดาพันเอกนอมแมนได้เจ็บแสบจริงๆกับการที่ให้เครื่องบินบิ น, บนวนเวียนอยู่แถวๆนั้นก็ต้องนับว่ามันเป็นแผนที่เหนือแผนจริงๆเชื่อเถอะว่าพรุ่งนี้ไอ้พวกเวียดนามเหนือมันต้องแห่ไปกันที่นั่นแน่คืนนั้น 4ี่คนในชุดปฏิบัติการที่คุยกับเฉลยที่ออกมาได้กำลังส่วนที่เหลือตังอยู่ตามวงนอกในรัศมีไม่น้อยกว่าสา0รอเมตรสำหรับสภาพาป่าโปรง่งทั้งนี้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนก่อนที่ศัตรูจะเข้าถึงตัวเฉลยศึกได้รับอาหารและสิ่งบำรุงตามสมควรเท่าที่จะมีกันทั่วทุกคนสำหรับโซ่ตรวนเมื่อไม่มีปัญญาที่จะตัดมันก็ต้องใช้ผ้าพันเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันเสียง เรื่องราวต่างๆที่คุยกันนั้นทุกเรื่องล้วนชวนขนหัวลุกในความโหดเหี้ยมของเวียดนามเหนือที่กระทำต่อเฉลยศึกมันทำเรากับว่าพวกนี้ไม่ใช่คนหมาของมันเสียอีกยังได้รับการเอาใจใส่มากดีกว่าทุกคนทุกคนต่างเคยพบกับเครื่องทรมานมามากต่อมากจนไม่รู้จักความเจ็บปวดเกมหมาไล่ล่านั้นเคยมีเฉลยถูกหมาขย่ําตายไปหลายคนเช่นเดียวกับที่มันใช้กําลังรุ่มซ้อมจนตายคามือคาตีนก็หลายคน ความผิดที่ฉเฉลยกระทำหากผู้คุมโมโหโทษที่ได้รับสถานเดียวคือยิงถิง้งเป็นการยิงต่อนหน้าฉเฉลยทุกคนนั่นเลยคนที่เข้ามาใหม่ในระยะ3ามถึงหเดือนแรกจะต้องถูกล้างสมองจากการเริ่มต้นด้วยการพูดดีๆค่คอยๆชี้แนะชี้นะําในลทัทธิการปกครองของมันพร้อมการหวานล้อมสารพัดชนิดที่ว่าหากเข้าร่วมขบวนการของมันนั้นก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดแต่สุดท้ายไม่มีใครที่จะแปรพักสวามิภักดิ์กับมันแม้แต่คนเดียว บางคนทําไปเพียงเพื่อหลอกลวงมันโดยหวังสิ่งตอบแทนเล็กๆน้อยๆสาหรับชีวิตความเป็นอยู่เช่นอาหารเป็นตน้นแต่เมื่อมันสามารถพิสูจน์ได้ว่านั่นคือการหลอกลวงทีนี้แหละคนคนนั้นถึงก็ต้องลากเลือเจดวันเจ็ดคืนความเป็นคนแทบจะไม่เหลือเมื่อออกจากเครื่องทรมานฉเฉลยทุกคนล้วนมีบาดแผลหรือร่องรอยแห่งความทรงจําติดตัวมีตั้งแต่แผลเป็นธรรมดาธรรมดาไปจนถึงที่พิการสูญเสียอวัยวะ ไม่แปลกกับการที่ร่างกายบางส่วนของเขาอาจต้องเป็นอมาพาดไปนี่คือรอยจาลึกที่เวียดนามเหนือตราประทับไว้ให้ความแค้นนี้เชื่อว่าแม้ลูกหลานเลนหลนก็ยังเจ็บแทนเพลิงแคนจะถูกสูมให้ครุกกลุ่นตลอดเวลาตราบใดที่รอยตราประทับนั้นยังอยู่คืนนั้นค่อนข้างดึกกว่าที่ทุกคนจะได้หลับฉเฉลยที่รอดออกมาทุกคนต่างมีความสุขสดชื่นกับบรรยากาศของอิสรภาพ ยามที่มีแต่เสียงรีดลิ่งเลไรดูมันน่าฟังเสียยิ่งกว่าเสียงโซ่ตรวนของคนที่ขยับตัวเวลานอนแสงดาวกับแสงเดือนนับเป็นสิ่งแปลกใหม่หลังจากที่ไม่มีโอกาสเห็นมาแรมปีทั้งนี้พอต้องเข้าห้องควบคุมตั้งแต่หัววันที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินด้วยซ้ำเช้าวันลุงขึ้นเครื่องบินโอวีสิบมาตามนัดอีกครั้งเสียงวิทยุเรียกลงมาอีกนอสตาจากฮันนี่เปลี่ยนจากนอสตาเปลี่ยนโอเคมีปัญหาอะไรไหมเปลี่ยน มีสิอาหารไม่พอกินที่ผมมีนะ่ะมันหมดแล้วเรต้องแบ่งให้เพื่อเรากินด้วยน้ำก็หมดแม้แต่อาหารแคปซูลที่คุณให้มาก็ไม่มีเหลือเลยคุณมีทางจะช่วยได้มากไหมล่ะได้สินอะสตาผมมีให้คุณมากมายตามที่คุณต้องการเลยเช่นแหละแล้วคุณจะให้ผมส่งลงไปยังไงเล่าแม้ว่าจ่าดาวเหนือจะพยายามคิดถึงเรื่องนี้มาตลอดทั้งคืนแต่ก็ยังคิดไม่ออกเพราะการปรากฏตัวของฝ่ายตนโดยเฉพาะเครื่องบินนั้นมันเป็นการบอกให้ศัตรูรู้ชัดๆเลยว่าพวกเขาอยู่ที่นี่หรืออยู่ตรงไหน ดังนั้นการที่จะให้เครื่องบินนําสิ่งของมาส่งให้คงทําไม่ได้มีทางเดียวที่จะเป็นไปได้ในตอนนี้ก็คือยอมอดคิดอยู่ว่าอดตายย่อมดีกว่าถูกศัตรูอย่างเวียดนามเหนือทําให้ตายขอบคุณอันนี่แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องเลยนะถ้าคุณส่งลงมาผู้ผมเสร็จหน้าเอางี้นะคืนนี้ฝากมากับชุดที่จะมาแล้วอันโอเคไหมโอเคนอะสตาตอนนี้ขอให้คุณเดินแผนรอยวีซอยู่แถวนั้นไปเรื่อยๆก่อน ผมคิดว่าเราน่าจะทําทั้งวันเลยนะวันนี้เมื่อคุณกลับไปแล้วให้หอการชิปมาบินแถวๆนั้นสิรับรองได้เรื่องแนะ่แม้แต่ตอนนี้ถ้าคุณตรวจให้ดีผมว่าไอ้พวกราชเชลยยี่คนมันคงอยู่แถวๆนั้นนั่นแหละโอเคนอสตาคืนนี้คุณฝากปืนกับกระสุนมาเผื่อเชลยของเราหน่อยนะตอนนี้ผมมีแล้วสิบคนที่เป็นคนนําเข้าทลายค่ายของมันโอเคเดี๋ยวผมจัดการให้ผมมีเรื่องเท่านี้แหละทางคุณมีอะไรอีกไหมไม่มีไม่มีมมงั้นค่ำนี้เราพบกันก็นแล้วกัน ถ้าวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตอนเที่ยงผมจะบินมาพบคุณอีกโอเคไหมโอเคงั้นพบกันใหม่ค่ําวันนี้ตอนที่สามสิบเาระยะที่ห่างไปกว่าสิบกิโลเมตรกับพื้นที่ต่ํากว่าบริเวณที่ชุดปฏิบัติการอยู่พวกเขาจึงไม่เห็นเครื่องโอวีสิบเครื่องนั้นที่ยังคงบินวนเวียนหลอกลอ่อบางครั้งโชบลงต่ําจนเลี่ยยอดหมายเวียดนามเหนือที่อยู่แถวนั้นคงคิดว่าเป็นเครื่องบินที่มาค้นหาเฉลยแต่ความจริงนั้น ก็ค้นหาเหมือนกันแต่เป็นการค้นหาตัวไอ้ทหารเวียดนามเหนือต่างหากถ้าเป็นจริงเชื่อว่าวันนี้ฮอกันชิปคงต้องมารายงานอีกเป็นแน่เช้าวันลุงขึ้นเหตุการณ์ที่คล้ายฝึกพิเศษน้ำผงคึกคักกว่าปกติเมื่อทุกคนทราบว่าภารกิจที่รอคอยมานานกว่าสี่สัปดาห์หนั้นกำลังจะมาถึงทุกคนต่างลืมความเหน็ดเหนื่อยที่กล่ำกันมาอย่างหนักหน่วงโดยสิ้นเชิงทุกใบหน้ามิแต่รอยยิ้ม เสียงหัวเราะตอกระสิกรกย้าที่เห็นแล้วต่างก็พอใจร้อยเอกสิงกองในตำแหน่งผบพันที่มีกำลัง3กองร้อยยืนเคียงข้างกับนายทหารอื่นๆรวมทั้งพันเอกนอร์แมนที่มีนายทหารอเมริกันร่วมมาด้วยอีกสองคนต่อหน้าที่รวมพลในคราวนั้นร้อยเอกสิงกองจะเป็นคนชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติการให้ทุกคนได้ทราบสวัสดีนักรบนิรนามทุกคนขอสวัสดีให้ทุกคนไว้ก่อนที่จะมีการตายจากกันในวันนี้พรุ่งนี้ ก่อนการชี้แจงรายละเอียดในวันนี้ตอนนี้ผู้กองขอวอวยพรให้กับคนที่ต้องตายในวันนี้ว่าขอจงไปลงนรกเถิดฮ่าฮ่ฮไม่มีใครที่คิดเป็นอย่างอื่นสําหรับคําพูดอย่างนั้นที่ออกมาจากปากผู้กองสิงกองเพราะทุกคนรู้ว่านั่นเป็นการเล่นตลกตามแบบฉบับของแกที่เป็นมานานจนสุดจะแก้ไขคนที่ฟังก็เลยต้องหัวเราะเพราะนั่นมันคือโจกวันนี้คือวันสุดท้ายจะให้โอกาสกับคนที่ขอสละสิทธิ์ไม่ขอไปในวันนี้ใครต้องกาสรสละสิทธิ์ยกมือเสียงบ่นพึมพำดังทั่วลานประชุม จนบางคนบอกว่าพูดมากชิบหายเลยบางคนก็บอกว่าว่าไปเลยผู้กองอย่ายืดยาดนะร่วมความแล้วไม่มีใครคิดสละสิทธิ์ของกันข้ามที่อยากรู้เร็วๆเพราะต้องการที่จะฟาดกับไปพวกเวียดนามเหนือเต็มทีแล้ะโอเคสก๊อตเมื่อทุกคนพร้อมผู้กองจะขอบอกกับพวกเราว่าเราจะเคลื่อนที่กันคืนวันนี้เราจะเข้าตีที่หมายกันคืนนี้เราจะฆ่าไอ้แกวให้สนุกมือในคืนนี้แล้วเราจะเดินทางกลับกันในคืนนี้ฮ พร้อมกับเสียงหัวเราะของผอบอพันธ์คนที่ฟังถึงก็กำหมัดกระแทกลงบนฝ่ามือเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่ากูเอาแน่มึงอย่าเพิ่งดีใจที่กูหัวรเราะนะกูกลัวตายเว้ยเล่นเอาหลายคนต้องพอยหัวเราะตามไปด้วยทีแรกไม่มีคนหัวเราะทำไปทำมากรับหัวเราะกันหมดทุกคนรวมทั้งที่เป็นผู้บังคับบัญชาด้วยยิ่งเห็นอาการหัวเราะแบบงอหายของหลายคนแล้วคนที่เห็นก็ต้องถึงกับงอหายไปด้วยนี่คือขวัญและกำลังใจของเหล่านักรบหมวกแดง ที่มีใจลุกลบตลอดเวลาและต้องการที่จะเข้าหาศัตรูในทุกขนาดจิตวันนี้ขอให้ทุกคนเตรียมการในส่วนของตอนให้พร้อมรอหมุน14นาฬิกาตรงทราบจากพันเอกโนแมนเกี่ยวกับการปฏิบัติการของชุดสเกล ว, ว่าบัดนี้ชุดสเกลคอยนําทางให้กับพวกเราทุกชุดหลังจากลงสู่พื้นแล้วขอให้ทุกชุดฟังคําสั่งผู้กองที่จะสั่งการทางวิทยุการปฏิบัติทุกอย่างขอให้ทุกคนระวังอย่าให้มีการพลาดเป็นอันขาดการประสาน ก, นกันกับชุดข้างเคียงเป็นสิ่งที่สําคัญ การปฏิบัติการครั้งนี้แม้ฝ่ายเราจะเป็นฝ่ายลุกศัตรูจะเป็นฝ่ายรับแต่ผู้กองเชื่อว่าฝ่ายเราจะไม่เสียเปรียบมากนักไม่เชื่อก็คอยดูร้อยเอกสิงกองเริ่มเล่าเรื่องที่ชุดสะเกลได้ปฏิบัติเมื่อวานจากสถานการณ์ที่เสียเปรียบจึงเปลี่ยนมาเป็นได้เปรียบจนสามารถดึงเฉลยออกมาได้แล้วถึง16คนสังหารผู้คุมพิชิตหมาไล่ล่ า, ลาหลอกให้พวกออกติดตามเฉลยให้หลงติดตามไปทางอื่นพอดีพันเอกนอร์แมนเข้ามากระซิบที่หูร้อยเอกสิงกองเลยบอกต่อกับลูกน้อง เมื่อกี้ท่านพันเอ Norman, กนอแมนกระซิบบอกผู้กองว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้หอกันชิปของเราสองเครื่องกําลังระดมเล่นงานไอ้พวกที่ออกติดตามเฉลย อ, อยู่อย่างเมามันมองเห็นกับตาแล้วว่าพวกมันหลายคนกําลังสั่งเสียกันก่อนตายอยู่นี่คือข่าวล่ามาเร็วเว้ยและหลังจากชี้แจงช่วงเช้านี้แล้วให้ผบหมือผบหมวดผบร้อยและผบชุดพิเศษมารวบประชุมกันอีกครั้งสําหรับกํำลังพลทั้งหมดให้เริ่มเตรียมการในการเคลื่อนย้ายกําลังได้ระยะเวลาสําหรับการปฏิบัติการ3วัน เอาทุกคนแยกย้ายได้ทุกคนต่างแยกย้ายกันไปตามหน้าที่ของตนผู้ที่ต้องเข้าประชุมในการวางแผนขั้นสุดท้ายคอยทยอยกันเข้าไปในห้องยุทธการที่มีการเตรียมการอย่างเร่งด่วนเสร็จเมื่อคืนนี้เองในห้องยุทธการตอนนั้นมีคนสําคัญระดับสําคัญสําคัญมากต่อภารกิจคอยอยู่ก่อนแล้วเช่นสอนทองเสนาธิการบ ก, ก33นายทหารยุทธการจักกองกาลังสหรัฐประจำประเทศเลาวจ่าดาวเงิน หัวหน้าชุดล่าสังหารตชดจากดาวทองหัวหน้าชุดล่าสังหารจาทบรวมคนทั้งหมดแล้วห้องยุทธการนั้นเลยแคบไปถนัดแผ่นที่ที่ได้รับการขยายพิเศษเฉพาะภารกิจติดหลายอยู่ที่ฝาผนังข้างห้องและทั้งทุกคนพร้อมผู้ที่ทําหน้าที่ประสานการปฏิบัติการคราวนี้คือสอนทองเสนาธิการจากกองทัพภาคที่สองส่วนหน้าเอาละครับเพื่อไมไ่เป็นการเสียเวลาอันดับแรกผมขอแนะนําดาวทองชุดปฏิบัติการล่าสังหารสังกัดกองทัพ บ, บก นี่ดาวเงินชุดปฏิบัติการล่าสังหารที่ร่วมทางยุทธการกับกองทัพ บ, บกแต่สังกัดตชดทั้งสองชุดนี้จะร่วมไปกับพวกเราด้วยจะทําหน้าที่ชุดทะลงฟันโดยจะเป็นคนชาร์จเข้าค่ายฉเฉลยเพื่อดึงตัวฉเฉลยออกมาภายใต้การสนับสนุนการยิงจากชุดปฏิบัติการพิเศษซอนทองหยุดพูดเล็กน้อยเผยคนที่ถูกแนะนําตัวได้ลุกขึ้นยืนโชว์หุ่นแล้วจึงว่าต่อการปฏิบัติการในค่ําวันนี้เราจะจัดกําลังเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งคือชุดทะลงฟันก็คือสองชุดที่แนะนําเมื่อครู่นี้ ส่วนที่สองขอใช้กําลังของกองร้อยที่1มีหน้าที่ปิดล้อมบ้านฟูหยางอยู่ห่างจากค่ายฉเฉลยประมาณ3กิโลชุดนี้มีหน้าที่หยุดการเคลื่อนไหวทุกชนิดของชาวบ้านเมื่อถึงคราวจําเป็นให้สังหารได้หรือแม้จัดละลายเหมือนหมู่บ้านไม้ไลายในเวียดนามก็ย่อมได้แต่ถ้ามันไม่เคลื่อนไหวอะไรก็ปล่อยมันไปทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการถอนตัวของพวกเราที่จะได้ไม่มีค่าสึกติดพันชุดปิดล้อมนี้จะส่งลงถึงที่เลยโดยยึดถือแนวด้านค่ายฉเฉลยเป็นแนวปิดล้อม ชุดที่3มคือกำลังที่เหลือทั้งหมดที่จะส่งลงล้อมค่ายทั้งหมดโดยจะแบ่งให้กองร้อยที่2รับทั้งด้านเหนือกองร้อยที่3รับด้านใต้ให้ถือแนวเส้นตะวันออกตะวันตกที่ลากผ่านกลางค่ายเป็นเส้นแบ่งเขตการส่งลงจะให้ห่างจากขอบรั้วค่ายประมาณ 1,500 เมตรทั้งนี้ชุดสเกลที่อยู่ที่นั่นจะเป็นคนช่วยกำหนดให้อีกทีซึ่งก็ต้องแล้วแต่ว่าพวกเขาจะควบคุมสถานการณ์รอบค่ายได้เพียงใดบางทีเราอาต้องส่งลงไกลกว่านั้นถ้าความปลอดภัยมีไม่มากพอ ทุกชุดปฏิบัติการจะเดินทางและส่งลงพร้อมกันทั้งหมดด้วยจํานวนหอที่พอเพียงการติดต่อสื่อสารในระหว่างปฏิบัติการใช้ความถี่แบนเอส่วนการติดต่อกับบกรอยฟ้าใช้ความถี่แบนบีการถอนตัวเมื่อสำเร็จภารกิจจะให้ฉเฉลยทั้งหมดเดินทางกลับก่อนหลังจากนั้นหอจึงจะเดินทางไปรับพวกเราสําหรับจุดรับกลับเป็นลานกว้างเพียงแห่งเดียวในพื้นที่นั้นความกว้างนั้นสามารถให้หอรลงพร้อมกันได้ครั้งละสี่เครื่องสบายๆจุดนั้นอยู่ทางด้านเหนือของค่ายระยะ 1,000 เมตร ภารกิจนี้เราต้องนํำเฉลยทั้งที่มีชีวิตและที่ตายเอากลับคืนมาให้หมดที่สําคัญที่สุดศพของพวกเราเมื่อมีการสูญเสียต้องเอากลับมาให้ได้อย่าทิ้งไว้เป็นหลักฐานสําหรับค่าเฉลยแห่งนี้ก็ต้องทําลายให้สิ้นซากซึ่งจะใช้การโจมตีทิ้งระเบิดจากทางอากาศซ้ํางานของเราถึงตรงนี้มีใครสงสัยที่จะถามอะไรหรือไม่6กโมงเย็นตรงพอดีที่บรรดานักล้มโหมกแดงกับชุดปฏิบัติการล่าสังหารอีกสองชุดพร้อมบนเครื่องบินแบบซ1 3 0 เครื่องยนต์แบบเทอร์โบพร็อพอาริซันขนาด4 5 0แรงม้าจำนวน4เครื่องกำลังแข่งกันวอร์มอัพเอนจินเตรียมที่จะทะยานสู่ท้องฟ้าเนือสนามบินอุดรหลังจากนั้นไม่ถึงชั่วโมงทั้งหมดก็มารอยตัวอยู่เหนือสนามบินทุ่งห่หินทั้ง4ลำกำลังสับเปลี่ยนกันลงสู่รันเวย์เพราะสนามบินนั้นเล็กเกินไปที่จะลงพร้อมกันได้แม้จะลงทีละลำ ในลงแล้วยังต้องวิ่งแท็กซี่ไปที่ลานจอดเปิดรันเวให้ลําต่อไปได้ลอดลงซึ่งก็ใช้เวลาไม่มากนักเสียงเครื่อง430ยังไม่ลดลงพลานเสียงฮอก็ดังกระหึ่มเข้ามาแทนที่แสงสลัวยามไกล้คําทําให้เห็นและรู้ว่านั่นคือฮอแบบซีนุกเสียงที่ดังปานฟ้าถล่มนั้นพวกชุดปฏิบัติการที่ได้รับคําสั่งให้เดินไปที่ลานวิ่งของเครื่องบินขณะเดินส่วนเข้าไปนั้นอดทึ่งในความเกรียงไกรและยิ่งใหญ่ของกองทัพสหรัฐเสียมีได้ คนที่เป็นทหารอาชีพอย่างทหารไทยนั้นคิดว่าตายแล้วเกิดใหม่ก็คงไม่ได้เห็นภาพอย่างนี้อีกภาพทิศเครื่องสีนุกบินตามกันมายังเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแถวเป็นแนวเหมือนบินมาตามเชือกแขวนมันมากมายจนไม่สามารถนับได้ทั้งหมดแถวมันยาวมากเกินไปนั่นเองลำแรกจอดที่หัวสุดของรานวิง่งลำต่อไปจอดตามในแนวเดียวกันโดยระยะห่างประมาณ50เมตรลำใดมาถึงแล้วร่อนลงไม่มีการทำให้เสียแถวทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ยคุนิ ร้อยเอกสิงกองเป็นคนถามขณะยืนเคียงคู่พันเอกนอร์แมนยีตัวพอดีไม่ขาดไม่เกินเอามาจากไหนมากมายครับเนี่ยก็มาจากเรือนในทะเลที่มารอสแตนบายอยู่ที่สนามบินอุตภูมินุ่นก็มีเรามารอที่สนามบินหนองคายเมื่อเช้านี้เช็คเครื่องเติมน้ำมันเรียบร้อยออกจากหนองคายก็มานี่เลยเป็นไงพอเพียงไหมหรือจะเพิ่มอีกตอนนี้ผมมีอะไรอยู่ที่หนองคายอีกสี่เครื่องคงพอแล้วครับเคเนลกาลังพลที่ได้รับการแบ่งเป็นชุด ต่างขึ้นพร้อมบนเครื่องกันหมดแล้วร้อยเอกสิงกองที่เป็นผอผอ่านขึ้นเป็นคนสุดท้ายหันมาทําวรรทยาหัดกับพันเอกนอร์แมนเราเดินไปขึ้นเครื่องลําแรกที่หัวสนามบินนั้นไม่นานหลังจากนั้นลําแรกก็ขึ้นไปก่อนในทิศทางที่ตรงข้ามกับทิศทางที่ลงมาจากลําแรกตามด้วยลําต่อมาเร่งกันไปเลยจนครบทั้ง20ลําขึ้นไปได้เพียงชั่วครู่ช่างประจําเครื่องก็ส่งเอียร์โฟนมาให้ร้อยเอกสิงกองพอมีเสียงเรียกมาจากพันเอกนอร์แมน ชาเตอร์จากคันนี่เปลี่ยนรหัสชารเตอร์คือชุดปฏิบัติการชุดนี้โดยมีหมายเลขตามลําดับตั้งแต่ผอบบอพันลงไปตามกองร้อยต่างๆทั้งได้มีการกําหนดกันแล้วก่อนที่จะออกปฏิบัติการจากชาร์เตอร์เปลี่ยนเป็นไงชา์เตอร์สบายดีไหมเครื่องบินพวกนี้นะ่ะครับสบายดีขอบคุณครับพันนี่อีกห้านาทีผมจะตามคุณไปคงไปถึงที่โน่นก่อนแล้วจะได้แจ้งให้นสตา์เขาเตรียมต้อนรับคุณตอนที่คุณจะลงอ่ะผมให้เครื่อง F อไปบินกลบเสียงเครื่องของคุณให้นะ เรื่องนี้นักบินขอรู้อยู่แล้วคุณไม่ต้องทำอะไรหรอกถึงที่ก็ลงได้เลยครับทราบตอนที่40ความตึงเครียดภายในค่าเฉลยเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการหนีหายไปของเฉลยซึ่งความตึงเครียดแบบนี้มีไม่บ่อยนักเมื่อเกิดขึ้นแล้วมักคืนสู่สภาพปกติเมื่อได้ตัวเฉลยที่หลบหนีนั้นคืนมาจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเย็นวาน เป็นธรรมดาอยู่ดีที่หัวหน้าค่ายของมันจะต้องออกมาดําเนินการเองจากการหลบหนีของเฉลยที่เป็นจํานวนมากสุดตั้งแต่ก่อตั้งค่ายแห่งนี้มาทําให้หัวหน้าค่ายต้องเต้นเล่ากับผีเข้าเช้าวันนั้นหัวหน้าค่ายเรียกบรรดาผู้คุมมาประชุมด่วนมีข่าวพวกเราที่ออกตามเฉลยบ้างไหมหัวหน้าค่ายถามคนที่เป็นรองหัวหน้ายังไม่มีเลยครับเมื่อคืนนี้พวกเฉลยที่เหลือมีการเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าคราวนี้ถามที่รองหัวหน้าฝ่ายควบคุมมีครับ ผู้เฉลยไม่ยอมนอนกันพวกมันคุยกันเกือบทั้งคืนแต่ก็ไม่ได้ก่อดเรื่องราวอะไรใหญ่โตนะครับนอกจากการคุยกันแล้วก็ไม่มีอะไรอีกมีการรวมตัวกันไหมไม่มีครับพวกมันต่างคนต่างแยกย้ายกันอยู่ตามที่ของตัวเองคิดว่าก่อนการหลบหนีคราวนี้มันมีการวางแผนกันไว้ก่อนหรือเปล่าเรื่องนี้เชื่อว่าไม่มีนะครับเพราะไม่เคยเห็นพวกมันจับกลุ่มหรือมีพิรุธอะไรเลยหัวหน้าค่ายมีการคลุ่นคิดอย่างหนักก่อนหน้านี้เมื่อมีการหลบหนีทุกครั้งพวกฉเฉลยมักจะมีการวางแผนกัน คนที่อยากหนีจะสนับสนุนช่วยเหลือคนที่อยากหนีแต่คราวนี้กลับไม่มีวี่แววอะไรเลยสืบเรื่องนี้ให้ดีเชื่อว่ามันต้องมีการวางแผนก่อนแน่ไม่งั้นมันคงไม่กล้าขนาดนี้หรอกแล้วเรื่องหมาว่าไงรู้หรื อ, อยังมันเป็นเพราะอะไรทำไมมันตกใจกลัวอะไรขนาดนั้นคราวนี้หัวหน้าคายหันมาถามฝ่ายติดตามเฉลยที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องหมาหมาไม่รู้สาเหตุเลยครับมันถูกสารเคมีอะไรหรือเปล่าเราไม่พบร่องรอยอะไรเลยนะครับมันถูกวางยาหรือเปล่า ถ้าเป็นการวางยามันต้องตายสิครับอีกปัญหาหนึ่งที่หัวหน้าค่ายต้องงงเป็นไก่ตาแตกเพราะหาสาเหตุที่แท้จริงยังไม่ได้เอาละเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้ววันนี้วิทยุส่งข่าวทางฝ่ายทาหารที่จังหวัดได้รู้ซะ ก, ก่อนเราบอกด้วยว่าตอนนี้เราส่งคนออกติดตามแล้วคาดว่าคงได้ตัวคืนมาในเร็ววันนี้ วันนี้ทำการค้นที่พักไอ้พวกเฉลเลยค้นให้ละเอียดทุกซอกทุกมุมโดยเฉพาะตามพื้นมันอาจจะเอาฝั่งดินไว้ก็ได้ต้องค้นให้พบหลักฐานว่ามันมีการวางแผนก่อนหนีครั้งนี้ค้นให้พบว่ามันใช้สารเคมีหรืออะไรทำกับหมาค้นพบที่ใครฆ่ามันทิ้งทั้งห้องเอาตัวเฉลออกมาทั้งหมดจับคนที่ต้องสองสัยมาสอบสวนหรือทรมานจนกว่ามันจะรับถ้ามันไม่รับทรมานมันให้ตายเอาไม้หนีบใส่มือทุกคนใครที่ขัดขืนมีปฏิกิริยาให้ฆ่าทันทีทุกคนไปแยกไปได้ หัวหน้าครับวิทยุใช้ไม่ได้ครับเป็นอะไรสายอากาศขาดต่อไม่ได้เพราะต้องเบิกใหม่มาทดแทนครับแล้วจะส่งข่าวได้เมื่อไหอไร่ต้องไปเบิกใหม่ที่บอ ก, กอใหญ่อย่างช้าก็อีกสามวันนะครับเออจัดคนเดินทางไปเบิกมาวันนี้เลยทุกคนต่างแยกย้ายไปทําหน้าที่ของตัวเองหัวหน้าฝ่ายติดตามเฉลยจัดกําลังเพิ่มอีกสิบคนเดินทางออกติดตามเฉลยเพิ่มเติมจากชุดเมื่อวานโดยให้มุ่งหน้าไปทางเดียวกันนั้นอีก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมกําลังที่พวกแรกอาจต้องการกําลังอีกบางส่วนออกไปที่หมู่บ้านเพื่อหาหมาที่จะามาฝึกหัดใหม่หลังจากนั้นอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเฉลยทั้งหมดก็ถูกเรียกออกมารวมกันที่ลานกว้างกําลังทหารที่รักษาค่ายไล่ล้อมอยู่รอบนอกพร้อมด้วยอากาที่จับจ้องมายังกลุ่มเฉลยเหล่านั้นทั้งปืนกล 12.7 บนปอมก็พร้อมจ้องมาเหมือนกันเหล่าบรรดาเฉลยต่างรู้ตัวดีว่ากําลังจะมีอะไรเกิดขึ้น แต่ก็ไม่สะทกสถานเพราะต่างก็เคยโดนกันมาแล้วการที่เพื่อนร่วมรบบางส่วนรบหนีไปได้พวกเขาล้วนพอใจแต่ถ้าเพื่อนไม่รอดร่างของเพื่อนต้องกลับมาก็คงจะเสียใจบ้างเป็นธรรมดาใจนั้นได้แต่ภาวนาขอให้ทุกคนไปรอดปลอดภัยเถิดทหารเวียดนามเหนือที่รักษาค่ายต่างแยกย้ายกันไปในห้องควบคุมมันคงเข้าไปค้นหาหลักฐานบางอย่างก้อนรบหนีนั่นเองหัวหน้าค่ายที่ใบหน้าบอกบุญไม่หลับยืนอยู่ตรงหน้ากลุ่มฉเฉลยเตรียมที่จะพูดอะไรบางอย่าง ไอ้พวกขี้ข้าพวกมึงรู้แล้วใช่ไหมว่าการหลบหนีนั้นอะ่ะมันไม่มีใครเคยทำได้สำเร็จใครที่หนีโทษที่ได้รับคือความตายเท่านั้นแต่พวกมึงทำไมไม่กลัวพวกมึงอยากตายกันมากนัะใช่ไหมใครอยากตายออกมาวันนี้พรุ่งนี้พวกมึงทั้งหมดที่หนีไปจะต้องกลับมาและพวกมึงจะได้เห็นว่าที่กูพูดะเป็นจริงหรือเปล่าไม่มีคำว่าปลาณีสำหรับคนที่คิดหนีไม่เชื่อพวกมึงคอยดูเสซ็งนั้นเกลียวกราดเท่าที่แรงโมโหจะมีฉะเฉลยทั้งหมดต่างก้มหน้านิ่งไม่ยอมมองหน้าคนพูด แม้คนพูดจะพยายามจ้องหน้าก็ตามเชื่อว่าตอนนี้คนที่ขัดใจมันเป็นต้องตายแน่วันนี้กูจะให้โอกาสคนที่กล้ารับความจริงถ้ามีคนสา ร, รภาพจะลดโทษให้กับทุกคนแต่ถ้าไม่มีใครรับทุกคนโดนหมดเรื่องที่ต้องการรู้มีสองเรื่องเรื่องแรกใครที่วางแผนในการหนีครั้งนี้เรื่องที่สองใครเป็นคนทำให้หมาต้องหนีไปใครที่รับสา ร, รภาพมันจะต้องรับโทษเพียงคนเดียวคนอื่นไม่โดนเพราะฉะนั้นถ้ากลัวเจ็บคอยชี้โกงการออกมา ความเงียบเขาปกคลุมทันทีสิ่งที่ดังมาตอนนั้นคงมีแต่เสียงของพวกที่เข้าไปคนในห้องควบคุมเท่านั้นแต่ในกลุ่มคนที่มีจำนวนเป็นร้อยกลับเงียบแม้แต่เสียงโซ่ตรนที่เคยฟังตอนนี้คิดว่าเสียงบินของมแมลงคงได้ยินไม่มีใครที่ออกมาสารภาพถึงแม้จะรู้แต่เชื่อเถิดว่าพวกเขาเรานั้นไม่มีการซัทอดกันอย่างเด็ดขาดเพราะคนที่ซัตทอดนั้นก็ต้องโดนโดนในข้อหาที่ว่า เมื่อรู้แล้วทําไมไม่บอกส่วนคนอื่นนั้นคิดหรือว่ามันจะรอดฉเฉลยเหล่านั้นไม่เชื่อว่าทหารเวียดนามเหนือเหล่านี้จะรักษาสัตวจะเพราะไม่เคยปรากฏให้เห็นสักครั้งเป็นอันว่าไม่มีใครรับซึ่งความจริงนั้นจะมีใครรับได้อย่างไรเพราะไม่มีใครรู้ว่าพวกตัวเองเป็นคนดําเนินการอยู่ด้านนอกแล้วก็ไม่มีใครที่รู้อีกว่าวันนี้ค่ำนี้หรือคืนนี้คือวันตายของพวกทหารเวียดนามเหนือพวกนี้และเป็นวันสุดท้ายของคุกค่ายฟูหยาง เอามาใส่เครื่องบีบมือทุกคนหัวหน้าค่ายตะโกนสั่งดังลั่นด้วยความคั่งแขนที่ไม่มีใครยอมรับสรารภาพแม้จะทั้งตอบทั้งขู่แล้วก็ตามเครื่องบีดมือถูกขนมากองที่หน้ากลุ่มฉเฉลยทันทีคิดว่าคงมีจำนวนเท่ากับคนที่ต้องใช้มันเป็นแน่เอาฉเฉลยเมริกาคนใหม่ออกมาหัวหน้าค่ายตะโกนสั่งอีกฉเฉลยทั้งกลุ่มใจหายวับ พอรู้ว่าชะตาของพันตรีเนลเซนที่เพิ่งถูกจับมาใหม่นั้นกำลังจะขาดแล้วร่างของพันตรีนักบินบีห2คนล่าสุดถูกถีบถูกยันด้วยเท้าของผู้คุมจากคุกน้ำมามอบราบคาบแก้วอยู่แทบเท้าของคนหน้าคายสายตาที่เลื่อนลอยริมฝีปากที่สั่นผิวมือไม่มีแรงที่จะยกปลายเชือกดึงโซทันทีที่หยุดเดินร่างนั้นต้องล้มเพล การที่แกโดนน้าหยดใส่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีโอกาสได้หลับได้นอนเป็นเวลาเกือบอาทิตย์นั้นแกกําลังจะบ้ากําลังจะเสียสติทั่วทั้งตัวซีดจนเหี่ยวเพราะความหนาวเย็นมองดูเหมือนผีดิบมากกว่าที่จะเหมือนคนอาการเคลื่อนไหวเพียงน้อยนิดนั้นบอกได้ว่าแกยังไม่ตายไออเมริกันไอจักรวรรดิไอนายทุนคูดรีดพวกมึงทํากูเจ็บนักประเทศชาติของกูคนของกูประชาชนของกูต้องมาเดือดร้อนเพราะพวกมึงกูต้องฆ่าพวกมึงฆ่าให้หมดทั้งโลก ไม่มีใครทันสังเกตว่าหัวหน้าค่ายชักปืนพกแบบเคห้าสิบเก้าออกมาจากเอวเมื่อไหร่แต่ทั้งเสียงมันดังขึ้นนั่นแหละทุกคนจึงเงยหน้าขึ้นมองแต่ช้าไปเสียแล้วเพราะกระสุนนัดนั้นเจาเข้าที่กลางศีรษะของพันตรีเนลเซ่นพอดีกระสุนเข้าทำลายสมองคนที่ถูกยิงล้มลงกองกับพื้นอยู่แทบเทา้าไม่มีแม้แต่เสียงจะร้องโอด้วยซ้า เพียงชั่วคลิปตาเดียวที่เฉลยเหล่านั้นได้มองหลังจากนั้นก็ต้องก้มหน้ามองพื้นดินนิ่งต่อไปด้วยหัวใจที่สลดหดหู่แม้จะชินชากับเหตุการณ์แบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็ตามแต่ในใจของพวกเขาเหล่านั้นก็อดไม่ได้ที่จะอวยพรให้เพื่อนได้ไปสู่สุขติภพใครต้องการอีกเงียบอีกเช่นเคยไม่มีใครโต้แยง้งใดๆทั้งสิน้นเอาไอ้เล้าในคูกน้ํานั่นใาอีเอามาันออกมาพวกเฉลยเงินหน้าขึ้นมองอีกครั้ง สิ่งแรกที่มองไปคือที่คุกน้ําอันเป็นที่คุมขังไอ้บักคำพูอยู่เฉลยหลายคนอดที่จะบ่นออกมาไม่ได้หมดเวน้นหมดกรรมทีเถอะว่าคำพูหรือแม้แต่เสียงกลด่าไอสัตว์มันจะโหดเหี้ยมไปถึงไหนวะหรือแม้แต่คําอาฆาตกูออกไปได้เถอะ ม, มึงตายก็ได้แต่บ่นค่อยๆได้ยินแค่คนที่นั่งติดกันเท่านั้นถ้าขืนพูดแรงกว่านั้นมีหวังโดนไปด้วย สิบโทคำภูธาานลาวทูกทิปถูกยนันและถูกเตะจากคุกน้ํามาอย่างล้านที่พวกเฉลทั้งหลายร่วมกันอยู่ร่างของมันถูกแรงทีพ่พิคลังกระทั่งเศล้มไปนอนทับร่างไหลวิญญาณของพันตรีเนลเซนมันไม่รู้หรอกว่าคนที่นอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นนตายแล้วมันกําลังจะเริ่มบ้าเมื่อมองร่างพันตรีเนลเซนแล้วหัวเราะลัน่นค่อยค่ ย, ยันกายจะลุกขึ้นแต่ก็ต้องลม้มลงเพราะขาไม่มีกําลังเนื้อตัวที่สั่นเทอมนั้นบง่งบอกถึงความหนาวที่เกาะกินมานานเกือบเดือน คนที่ไม่ได้หลับนอนเลยมานานขนาดนั้นสมองย่อมต้องทำงานหนักความรำคาญที่น้ำหยดใส่ตัวจนกลายเป็นความเครียดเครียดนานนับวันนับเดือนคนที่ทนได้คงไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแน่ใส่ตาหัวหน้าค่ายจ้องมองอย่างไร้แววความโกรธเกลียดของมันคงมากพอจนมันต้องเม้มริมฝีปากเราค่อยๆจ่อปากกระบอกปืนในมือไปที่หัวของสิบโธคำภูที่ยังหัวเราะอยู่ใจมันเฮี้ยมพอที่จะฆ่าได้แม้คนเสียสติ ร่างนั้นก็ค่อยย่อนลงกองกับผืนทันทีที่สิ้นเสียงปืนเสียงหัวเราะของมันทดแทนด้วยเสียงโอยที่คนก่อนตายควรจะร้องจบเกมกันทีสําหรับชีวิตฉเฉลยอย่างสิบโทคำผูสู่สุขติเถิดเพื่อนรักวันนี้พอก่อนพรุ่งนี้กูจะฆ่าพวกมึงอีกกูจะฆ่าพวกมึงทุกวันจนกว่าไอพวกที่หนีไปจะกลับมาทิ้งศพมันไว้ตรงนี้พรุ่งนี้กูจะฆ่ามันกองทัพลงไปอีกหัวหน้าค่าสั่งการแล้วผ่าออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผูกขุมที่เหลือสร้างการต่อเมื่อจะเริ่มใส่เครื่องบีดนิ้วมือให้กับทุกคนตามคาสั่งเครื่องบีดนิ้วมือทำจากไม้ลวกป้องตันโตและยาวขนาดนิ้วมือใช้สอดใส่ระหว่างนิ้วมือทั้งสี่ทั้งด้านนอกและด้านในเว้นนิ้วโปง้งไมยทั้งห้าอันนั้นถูกยางลัดหลังเข้าหักกันจึงเกิดแรงกดลงที่ด้านข้างของนิ้ว ยางรัดไม่สามารถจะแกะออกหรือขยายให้ยืดเพื่อผ่อนแรงตึงได้ความเจ็บปวดที่แช่นานอยู่อย่างนั้นมันสุดแสนจะทรมานใบหน้าของแต่ละคนมีแต่เหยะแกะ่ไม่มีใครยิ้มกับใครได้ยกเว้นคนที่เคยโดนมาอย่างหนักกระทั่งเซลล์กล้ามเนื้อที่นิ้วกับเส้นประสาท ต, ตายจนเป็นอัมภารไปแล้วเท่านั้นที่ไม่เจ็บแต่นั่นแหละก่อนที่เขาจะไม่เจ็บในวันนี้เขาได้ผ่านการเจ็บปวดมาม า, มากกว่าทุกคนแล้วนับว่าสิ่งที่เขาอดทนรับไว้นั้นใช้ได้อย่างคุ้มค่าสําหรับวันนี้ เชลยทุกคนถูกสั่งให้นั่งแยกกลุ่มกันอยู่ที่กลางลานนั้นไม่มีอาหารไม่มีน้ำและไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่พวกเขาจะได้รับในวันนี้นอกเสีย จ, จากความทรมานกับความตายตอนที่41จากดาวเหนือและพันตรีเมริกันสองคนที่ซุ่มดูความเคลื่อนไหวภายในค่ายในระยะที่ห่างไปกว่า 2,000 เมตรนั้นเห็นเหตุการณ์โดยตลอด บ่อยครั้งที่คนยังจ่าดาวเหนือเกือบจะอดใจไม่ไหวเมื่อเห็นการกระทำของพวกทหารเวียดนามเหนือแต่ก็ต้องระงับความเห็นอกเห็นใจเพื่อนเหล่านั้นไว้ทั้งนี้พอรู้ดีว่ายังไม่ถึงเวลานั่นเอง การรีบร้อนเข้าช่วยเหลือพวกเขาในตอนนี้จะทำให้งานใหญ่เสียบางทีอาจจะล้มเหลวจนไม่สามารถช่วยให้พวกเขาออกมาได้เลยการที่เฉลยสองคนต้องตายไปตอนหน้าต่อตานี้คิดว่าไม่ใช่ของแปลกใหม่หรือเป็นเรื่องใหม่เหตุการ์อย่างนี้ชเชลยทุกคนต่างรู้ จ, จักกัมมันดีเขาโดนกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นถ้าจะโดนอีกสักสองคนก็คงไม่เสียหายอะไรคิดสต่ว่างานนี้พลาดไปสองคนแต่สามารถเอาคนทั้งร้อยกว่านั้นออกมาได้ก็แล้วกัน อีกยี่สิบนาทีจะถึงเวลานอคือหนึ่งทุ่มตรงเสียงเครื่องบินโอวีสิบที่บินอยู่บนความสูงสองหมื่นฟุตพวกที่อยู่ทางพื้นดินได้ยินบ่อยจนจำได้นอสตาจากฮันนี่เปลี่ยนจากนอสตาเปลี่ยนโอเคนอสตาเวลานอใกล้เข้ามาแล้วนะเวลานอที่ว่าเนี่ยคือเวลาอะไรเวลากลับของพวกผมใช่ไหมคันนี่จะดาวเหนือไม่ไหวที่จะโจกขึ้นไปอีก ทางนี้เนื่องจากความสบายใจที่จัดการวางกำลังเข้าที่ตามจุดต่า ง, างๆยังได้ผลเกินคาดเฉลยที่ออกมานับว่ามีส่วนช่วยเป็นอย่างมากใจเย็นหน้านอสตาเย็นไม่ไหวแล้วฮันนี่ว่างายของขวัญจากญี่ปุ่นที่ว่าจะเตรียมไว้ให้ผมนะเรียบร้อยแล้วนอสตาตอนนี้ผมไ้หล่อนฝึกงานอยู่ที่พัดพงกว่าคุณจะไปถึงผมว่าหล่อนคงชนานาญเกมขึ้นเยอะหนาเชื่ <Cheers! S 1> จากดาวเหนือไม่ไหวที่จะด่าพันเอกเข้าไปอีก พันตรีเมือล็กันทั้งสองคนที่อยู่ข้างๆยังอดทัวร์ลอไม่ได้เพราะของขวัญที่ว่านั้นแท้จริงก็คืออีตัวนั่นเองแต่จ่าดาวเหนือไม่ได้ตกใจเพราะรู้ดีว่าเมื่อตนต้องการหรือชอบอะไรแล้วพันเอกนอร์แมนมักจะหามาให้ทุกครั้งเฮนนี่ hey, คุณช่วยตรวจที่ตั้งที่ผมจัดวางไว้รอบๆค่ายมันหน่อยสิผมไม่แน่ใจว่าเครื่องแจ้งที่โยนอัตโนมัติจะมีอะไรขัดข้องหรือเปล่านะเรียบร้อยนอสตาผมนับบนจอเรดาร์ของผมแล้วครบสิบสองจุดพอดีโอเคขอบคุณ อีกหนาทีจะมีเครื่อง F4 มาบินกลบเสียงให้หลังจากนั้นซีนุกจะเริ่มเข้ามาส่งลงตอนนี้ถ้าคุณจะติดต่อ ก, กับ F4 คุณใช้ความถี่แบรนด์ B ติดต่อ ก, กับชุดชาเตอร์ใช้ความถี่แบรนด์ A โอเคไหมโอเคแล้วติดต่อ ก, กับไอวในค่าย ใ, ใช้แบรนด์ D ใช่ไหมเชื่อคราวนี้พันเอกนอร์แมนด่าลงมาบ้างเป็นการแก้เผ็ดคนที่ถูกด่าก็ไม่ได้ว่าอะไร พันตรีโลเจอร์ตั้งวิทยุที่แบน B ์ีส่วนเครื่องของพันตรีคอรลินตั้งที่แบน4์สี่สำหรับติดต่อกับพวกนักล่ารับจ้างด้วยกันนั้นคงใช้แบรน A ์แบนที่ใช้ติดต่อกับพันเอกนอร์แมนคือแบน D ์ดีเสียงเครื่องบินไอโฟนแบบเอฟสี่แบนทอม ท, ท, ที่มีฉา ย, ยา ว, ว่าปีศาจเวหาตามตึกต้องเข้ามา ปกติที่มักบินด้วยความเร็วเหนือเสียงคราวนี้นักบินตั้งใจจะบินให้ช้าลงเพื่อตรงการให้เสียงที่ปานฟ้าถล่มนั้นรบกวนประสาทหูของคนที่อยู่ทางพื้นดินนักล่างรับจ้างที่มีหน้าที่ประปบไยมันป้องทั้ง2ป้อกอมคอยจ้องดูยามที่อยู่บนนั้นยังใจจดใจจ่อกรองสองเวลากลางคืนเท่านั้นที่จะช่วยได้เมื่อเครื่องบินบินต่ำมาแบบนี้สิ่งที่ต้องระวังให้มากที่สุดก็คือจ้าหลวงแสมเซตใช้ระบบนําวิถีความร้อน เชื่อว่าถ้ามันจะต้องยิงแล้วไอ้คนยิงมันต้องขึ้นมายิงบนป้อมแน่าขาบบนพื้นดินไม่มีมุมยิงซึ่งกรณนั้นก็ตามการที่ค่ายของมันอยู่ใต้ดงไม้ถึกมันก็คงมองไม่เห็นเป้าหมายอยู่ดีจ่าดาวเหนือสั่งให้ทุกจุดรายงานความเคลื่อนไหวของพวกบนป้อมซึ่งก็ได้รับรายงานว่ายามที่เคยนอนอยู่ข้างล่างน่ะตอนนี้ขึ้นไปเสริมกํำลังบนป้อมหมดแล้วไม่มีทีท่าว่าเจ้าตรวจแซมเจ็ดมาใช้แสดงว่ามันไม่มีซึ่งก็ดีไปอย่าง จากการสังเกตที่หน้าประตูค่ายนั้นเห็นว่าทหารในค่ายตั้งพากันเข้าประจำตามล่องเลดกันหมดส่วนฉเฉลยที่ได้รับการปลดเครื่องบีบมือเมื่อตอนเย็นก่อนเข้าห้องควบคุมจะพากันติดเต็นกับ้านมาของเครื่อง F4 คราวนี้พวกเขาคงยังไม่รู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นภายใต้เสียงกระหึ่มของ F4 นั้นเหล่านักล้ารับจ้างที่ประจำตามจุดที่ห่างจากขอบรัวค่ายระยะหนึ่งพันห้าร้อยเมตรพากันตื่นื่มองไปที่ขอบฟ้าทั้งด้านล่าง เมื่อเสียงหอบมาดังอยู่ไกลๆใช่แล้วสี่นุกกาลังจะลงบริเวณนั้นเลยกลายเป็นพื้นที่ที่มีเสียงอุกระทึกที่สุดทั้งเอสทั้งหอสี่นุกปะปนไปหมดจนแยกไม่ออกว่าเสียงอะไรเป็นเสียงอะไรเสียงถึงยี่สิบลเมื่อแยกภารกิจกันแล้วต้อไปส่งลงที่เหนือบ้านครูอย่างจานวนหกลำเป็นการส่งลงที่นั้นไม่มีชุดนําแต่ก็เชื่อว่าชาเตอร์หนึ่งพอโบอ ร, ร้อยหนึ่ง สามารถทําได้ที่เหลือจํานวน14ลํำลอยตัวเหนือยอดหมาย3จุดที่มีคนรับกับอ2ลําให้ลงทางด้านหลังกาดาวน์การลงพื้นแบบใช้เชือกลอยตัวที่ได้รับการฝึกมาอย่างหนักนั้นเดือดเชือกเส้นเดียวกันเมื่อคนแรกออกไปพ้นพื้นเครื่องคนต่อไปจะโหนตัวตามลงมาทันทีไม่มีการรอให้คนแรกขึ้นพื้นดินก่อนแต่อย่างใดภาพ น, นั้นถ้าเห็นตอนกลางวันมันจะเหมือนกับมดที่ไต่ไปตามเส้นด้ายแบบเดินต่อกันเป็นแถวนั่นเอง โนสตาจากชาเตอร์เปลี่ยนจากดาวเหนือหันไปทางด้านหลังที่ตามแผนนั้นร้อยเอสิงกองดาวทองดาวเงินจะลงที่นั่นจึงสั่งกิจให้ฟันตรีโรเจอร์ให้สัญญาณไฟจากโนสตามาตามแสงไฟสีแดงนี้เลยไฟฉายที่ย์ทางเป็นแสงสีแดงหันหลังให้กับทางค้ายถึงไม่ต้องกลัวว่าฝ่ายตรงข้ามจะเห็นได้ร้อยเอกสิงกองใช้กล้องส่องกลางคืนตรวจ ด, ดูเห็นคนสามคนมอบอยู่ที่นั่นเองดาวเหนือจากดาวเงินดาวเหนือจากดาวทอง าดาวเหนื อ, อยากจะหวัวเราะเมื่อเพื่อนร่วมงานอีกสองชุดตามมาด้วยเนี่ยวิ่งมาเลยเห็นอุไรยามเห็นแล้วเพื่อนทั้งดาวเงินและดาวทองตอบมาไม่ใช่กล้องส่องกลางคืนความมืดเป็นความสว่างแต่ทั้งทั้งหมดมารวมกันที่ที่จ่าดาวเหนืออยู่เอ๊เหนนี่ทําให้เครื่องพวกนี้กลับไปทีโขขี่ที่หายคนเขาจะทํางานกันเสี่ยงเครื่อง F4 หายไปก่อนแล้วตามด้วยเสียง C นุกตามคําสั่งของพันเอกนอร์แมน เดี๋ยวความเงียบก็เข้าปกครองคงเหลือแต่เสียงโอวีิเครื่องที่บินอยู่บนความสูงสอง0 0ื่ฟุตเท่านั้นไรเอกสิงกองทําการตรวจสอบการลงสู่พื้นของทุกชุดทันทีกระทั่งได้รับรายงานว่าเรียบร้อยไม่ลืมแม้แต่จะย้าเตือนชุดของชาเตอร์หนึ่งที่ต้องแยกออกไปว่าไม่จําเป็นอย่าไปทําอะไรชาวบ้านพวกนั้นเอาเลยอยังดาวเหนือกรเอกสิงกองถามความเห็นของจ่าดาวเหนือก่อนที่จะสั่งการเอาสิครับให้ทุกชุดเข้าไปใกล้กว่านี้สักพันเมตรก็ได้ ได้สิงกองสั่งการทันทีจากชาเตอร์ให้ชาเตอร์2ชาเตอร์สามชาเตอร์สี่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าจากจุดที่อยู่ปัจจุบันอีกหนึ่งันเมตรเรียบร้อยแล้วรายงานมาด้วยเรียบร้อยแล้วรายงานมาด้วยทุกชุดรายงานทราบปฏิบัติพอบอชุดใช้กล้องส่องเวลากลางคืนยังได้ผล จุดต่างๆโดยการนําทีมของนักล่าลับจางกับเฉลยที่คุ้นเคยพื้นที่คลานนําไปทันทีแนววางกับระเบิดไม่มีใครจะรู้ดีเท่าพวกเฉลยเพราะเคยทนมองมันมาเป็นเวลาหลายปีทุกชุดจึงเข้ามาเกาะขอบค่ายแห่งนั้นด้วยห่างจากแนวกับระเบิดเพียง500รอเมตรทุกชุดรายงานเข้าที่พร้อมแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือสามารถตรวจเห็นแนววางกําลังของพวกทหารในค่ายได้ทั้งหมดเชื่อว่ามันก็รู้ตัวแล้วว่ามีฝ่ายตรงข้ามเข้ามาแต่ยังตรวจไม่พบ ก็จะพบหรือเห็นได้อย่างไรในเมื่อมันสร้างกำแพงสูงบังเอาไว้ตอนนี้ยามบนป้อมทุกจุดทุกคนอยู่บนกระกระบาทในกล้องเล็งหมดแล้ว M203 ใช้ยิงที่ M16 สำหรับทหารบนป้อมพร้อม M72 จรวดทำลายรถถังที่ใช้หัวจรวดพิเศษสำหรับงานทำลายลัวสูงและบังเกอร์พร้อมปืนฉีดไฟสำหรับการทาลายพื้นที่กับระเบิดพร้อม M203 ใช้ยิงที่ M79 สาหรับถล่มทหารในร่องเลสพร้อม ดาวเงินดาวทองสําหรับภารกิจชาร์ตเข้าไปในค่ายฉเฉลยพร้อมจะดาวเหนือเหมาะฟังการสั่งการและตรวจสอบการปฏิบัติของลูกน้องตามจุดต่างๆของร้อยเอกสิงกองและต้องยอมรับว่าคนคนนีใจเย็นจริงๆผกองครับผู้มาลงประจําในร่องเลนหมดแล้วนะครับในบังเกอร์ล่ะก็พร้อมเหมือนกันครับมีปืนปลอสสที่บังเกอร์ทางซ้ายแล้วก็เบสสี่ิที่บังเกอร์ขวาแต่ดูเหมือนจะมีเบสสทุกบังเกอร์แหละครับขอบคุณมากดาวเหนือทุกชุดฟัง ให้เริ่มโจมตีตามลาดับดังนี้ขั้นแรกเริ่มสังหารในยามบนป้อมขั้นที่สองทำลายกําแพงสุงขั้นที่สามสังหารในพวกลูกยาวตามบังเกอร์ขั้นที่สี่สังหารใ้เดนตายตามร่องเลดขั้นที่ห้าทำลายโดงกับระเบิดโทนคําสั่งเปลี่ยนจ่าดาวเหนือนอนฟังอยู่นั้นไม่ได้คิดว่าเป็นการเสียเวลาแต่อย่างใดในความพร้อมของทหารในค่ายนั้นมันกลับทําอะไรไม่ได้เลยเพราะกําแพงสูงของมันบดบังเอาไว้เองหากมันจะคิดทําการต่อต้านตอนนี้ มันต้องออกมานอกค่ายซึ่งต้องออกทางประตูที่มีทางเดียวเท่านั้นก็ทํามันออกมาเมื่อไหร่ก็ต้องตายเพราะปืนเกือบสี่สิบกระบอกเจาะไ ว, ว้แล้วร้สิงกองหดเราชอบใจที่ทุกชุดทําการทวนคําสั่งมาอย่างถูกต้องตามลําดับขั้นตอนการโจมตีตามที่สั่งทงั้งๆที่พร้อมแล้วแต่ก็ยังไม่สั่งยิงชาเตอร์หนึ่งจากชาเตอร์เปลี่ยนจากชาเตอร์หนึ่งเรียบร้อยไหมน้องแก้วเรียบร้อยครับพี่พวกในบ้านเก็บตัวเงียบ มีบางบ้านที่จุดตะเกียงไม่มีใครออกมาเดินนอกบ้านเลยแต่ลำคาญเสียงหมาจังเลยพี่เฮ้ยปล่อยมันนะหมาเดี๋ยวแกวมันจะหาเราไปแย่งอาหารมันโอเคว่าไปเรื่อยๆนะทางนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวคงได้ยินกันแหลกแะนะ่สแตนบายชัตเต์บายไรเสิ่งกองมองซ้ายมองขวาฝ่าความมืดออกไปแสงจันท์ในวันขึ้น14คสี่ำไม่มีความหมายคงไม่สามารถรอดผ่านความคลึมทึบของดงไม้ลงมาได้เป็นไงดาวเหนือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีครับผู้กอง ไม่รู้เหมือนกันว่าในความมืดนั้นรอยเอกสิงกองกำลังคิดอะไรพอเห็นอึ้งเงียบไปชั่วครู่จนคนที่อยู่ข้างๆต้องหันมามองท่านใดนั้นเสียงสั่งการก็ดังขึ้นชุดปฏิบัติการชารเตอร์สองชาเตอร์สเป้าหมายตามขั้นตอนยิงตอนที่42คําสคำสั่งว่ายิงดูจะดังกว่าปกติคงเนื่องมาจากอารมณ์ที่กาลังจะมันนั่นเองทันทีที่สิ้นเสียงสั่งยิง ทุกคนได้ยินเสียงคนร้องลันทั่วทางคายเสียงคนที่ตกลงมาจากที่สูงดังตุบตับตึงๆอึงคนนึงไปหมดแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงปืนแม้แต่จะสักแปะเดียวนั่นคือคุณลักษณะพิเศษของปืนติดกระบอกเก็บเสียงอุปกรณ์พิเศษสำหรับการลบในภารกิจนี้ก้องเลงที่ขยาย16เท่าทำให้เป้าหมายมาลอยอยู่ตรงนาจนแทบจะติดตาคนเลงและที่สามารถมองเห็นในเวลากลางคืนอีกด้วยคำว่าพลาดจึงไม่มี เสียงคนขยับตัวบนปอมดังมาให้ได้ยินเมื่อตรวจในกล้องเล็งก็พบว่าไอ้พลยิงปืนกล 12.7 ม mm มคนใหม่กำลังเข้าทำหน้าที่แทนคนเก่าที่ตกปอมไปแต่เพียงแค่มันขยับตัวเท่านั้นชีวิตมันก็ต้องถึงการรวอสาราาบางป้อมมีคนตกลงมาแต่บางป้อมตายค้างอยู่บนนั้นกระสุนแบบหัวระเบิดที่เจาะเข้าตามส่วนสำคัญของร่างกายโดยฝีมือคนหยิงที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนั้นบางเป้าหมายไม่มีเสียงร้องออกมา เพราะสมองมันหยุดทํางานยังชับพลันทันใดยังไม่มีทีท่าว่าเสียงคนบนป้อมจะหยุดร้องหรือหยุดตกลงมาไอ้พวกที่อยู่บนปอมไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้เลยเสียงปืนที่ยิงใส่มันนั้นไม่รู้เลยว่ามาจากทางไหนบางคนหมอบราบอยู่บนพื้นปอมพอรู้ว่าถ้าขืนเคลื่อนไกยมีหวังต้องตายตามเพื่อนบางคนเตรียมจะเพลนลงมาข้างล่างแต่พอขยับขาลงบันไดขั้นแรกมันก็ต้องหาะลงมาด้วยเสียงร้องโอดโอยโหยหวนกระทั่งเสียงตุบที่พื้นดินนั่นแหละเสียงมันจึงเงียบไป ความที่ป้อมยามนั้นสูงถึงเจเมตรสามารถใช้ตรวจการได้ทั่วทางคายกับกลายมาเป็นความสูงที่มันต้องตกลงมาตายนับว่าเป็นหอกทิมแทงตัวมันเองป้อมไหนเรียบร้อยโรงเรียนแก้วแล้วรายงานป้อมไหนเรียบร้อยโรงเรียนแก้วแล้วรายงานไล่สิ่งกองสอบถามไปทางวิทยุเมื่อเสียงคนร้องคนล่นเริ่มเบาบางลงหลายต่อหลายชุดเริ่มแจ้งเข้ามาชาตเตอร์สิเสอ็ดสังหารได้ทั้งหมดหกคนตกลงมาข้างล่างสี่ ตาค้างบนป้อมสองยังไม่มีการเสริมกำลังทดแทนบนป้อมขอทราบการปฏิบัติขั้นต่อไปเปลี่ยนชาเตอร์25่บห้าบป้อมตายเรียบทั้งหยังไม่มีการทดแทนขอทราบการปฏิบัติต่อไปเปลี่ยนชาเตอร์สาเรียบร้อยตกลงมาตายหมดยังไม่มีการจัดกําลังทดแทนขอทราบการปฏิบัติต่อไปเปลี่ยนกระทั่งทุกชุดรายงานเข้ามาบัตรนี้ไม่มีทหารเวียดนามเหนือที่เป็นพลยิงปืนกลประจําอยู่บนป้อมนั้นอีกแล้วและทุกคนก็ต้องหัวลราออกมาไม่ได้ยินเสียงคนร้อง ออ oh, oh, oh. ไม่ต้องถามก็รู้ว่าคงมีใครสักคนที่จะขึ้นไปประจําปืนกลบนปอมพวกโจมตีตรวจพบในกล้องเล็งใจเย็นพอที่จะเล็งตามมันขึ้นไปเลยกระทั่งมันขึ้นไปถึงบันไดขั้นสุดท้ายไอคนยิงคงมีอารมณ์ขี้เล่นอยู่บ้างจึงยิงเข้าที่ฝ่ามือที่กําลังจะโหนตัวขึ้นไปเมื่อมันไม่มีมือจะโหนก็เลยต้องตกลงมามันไม่ได้ตายเพราะโดนยิงหรอกแต่ตายเพราะกระแทกพื้นต่างหากไรอักษิณกองสั่งการต่อทันที จนตีขั้นที่สองยิงเป็นการทําลายกําแพงสูงที่ขวางกั้นนั้นเอ็มจ็องที่เตรียมมาอย่างมากมายและวนำยิงเข้าไปยังหูดับตับใหม่แต่บทที่ใช้สำหรับทําลายรถถังเมื่อ น, นำมาใช้ทําลายกําแพงสูงมีที่ไม้เนื้ออ่อนยังไม้เกี่ยงจะทานได้บางจุดโดนเข้าสองนักสอนถึงยกเียงซุดแล้วล้มลง กัแข่งที่สร้างแบบให้มีแรงดึงซึ่งกันและกันในการรับน้ําหนักเมื่อต้นใดถือข้างใดมากกว่าสองตนต้องลม้มลงที่อยู่ข้างเขียงก็ต้องพลอยล้มไปด้วยและทันทีที่มีช่องโหว่เมื่อกำแพงตึง ล, มลง้มลงก้าวภายในค่ายที่คอยโอกาสมานานก็ระดมยิงออกมาทันที จำนวนที่สุดจะนับได้กระไก่ไฟจากเอ็มเจดสิบสองคือเป้าหมายของอากาแต่ไม่สามารถกราไกลถือมือจรวดได้เพราะทุกคนตั้งอยู่ในที่กำบังที่แข็งแรงกระกายไฟจากปากลํากล้องอากาที่มากกว่าเอ็ถึงหนั้นก็คือที่หมายเล่งเหมือนกันแนวที่ต่อกันยาวเหยียดตามร่องเลสรอบคา่ายทําให้ทั้งสองฝ่ายต่งตางประจัญหน้ากัน ความจริงแล้วพวกในค่ายนั้นที่กำบังของมันก็จัดอยู่ในขั้นดีแต่เม้มาเจอปืนที่ติดกล้องเล็งขยาย16เท่ทาออกได้ในเวลากลางคืนเหมือนกัางวันเท่านั้นแหละร่างกายปวนบนที่ผลล่องเลสขึ้นมาหรือแม้แต่ท่อนหัวก็กลายเป็นเป้าและเป็นเป้าชั้นดีอยู่ด้วยสิจาดาวเหนือตรวจผลการยิงจากกล้องขยายเกับตาที่พวกในร่องเลสต้องสุดลงไปเพราะโดนกระสุนซอกเข้าที่หน้าผากหรือไมกระซอกไหลในปลาลาหรือแม้แต่บนใบหน้า อากายังระดมยิงออกมาอย่างหนักซึ่งบัดนี้กำแพงรอบค่ายของมันล้มคลืนลงมาหมดแล้วน่าเสียดายที่ความยาวของกำแพงมันน้อยไปหน่อยเมื่อล้มลงแนวกับระเบิดที่ห่างจากตีนกำแพงออกมาเกือบสิบเมตรจึงรอดไปได้เป็นอันว่ากับระเบิดทั้งหมดยังคงสภาพดีอยู่เช่นเดิม M16 ไร้เสียงยังคงตอบโต้ไปอย่างไม่ลดละและอากาก็ยังไม่ลดปริมาณเช่นกันแต่ทั่วบริเวณคงมีแต่เสียงอากาเท่านั้น พวกในค่ายคงสงสัยเหมือนกันว่าทำไมเอ็มสิหกไม่มีเสียงดังนั้นเมื่อมันคิดว่ามันเป็นฝ่ายที่ยิงเพียงฝ่ายเดียวมันจึงไม่คิดที่จะหลบหรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เวลาผ่านไปเรื่อยในขณะที่พวกเวียดนามเหนือในร่องเรดลดจํานวนลงแต่พวกโจมตีจากนอกค่ายตั้งยังอยู่สบายดีเสียงอากาเริ่มลดปริมาณลงยังเห็นได้ชัด RPG จากในค่ายเริ่มปล่อยออกมาโดยจุดที่เป็นประกายไฟายปากลำกล้อง M16 เป็นที่หมายจะรวจดขนาด40ม mm, ิลิเมตรจากค่ายคอมมอนิทกระทบต้นไม้ที่กำบังของพวกโจมตีเสียงดังสนั่นวันไหวต้นไม้บางต้นรับแรงอาจระเบิดไม่ไหวถึงกับล้มคลืน่นไอคนที่ใช้กำบังอยู่เลยต้องเพ่นหาที่กำบังใหม่ สะเก็ดดินสะเก็ดไม้กิ่นขวันฟุ้งไปทั่วจนแทบสั่นหังพวกโจมตีบางครั้งต้องกั้นลมหายใจบางคนน้ำหูน้ำตาไหลได้พิษควันการยิงด้านนอกถึงกับช่งักงานไปชั่วครู่ไอควายเอ้ ย, ยไปล่อยมันไว้ทำไมไร่สิงกองที่ชอบด่าจนติดปากแม้ในสนามลบก็ยังดา่าร้องด่าออกไปดังลั่นเมื่อเห็นเบสิสิบแผงเลต่ตอกมาให้เหน็นนี่มีการดา่านักลมหมกแดงก็รู้อยู่แล้วต้องทำอย่างไรกับมัน จากจุดที่มีประกายไฟเมื่อใช้กล้องควานหาครับเดียวก็เจอชะการกดไก่เช็คละสุนเพียงนัดเดียวเอ้มีพิคาตเบสิสิก็เป็นอันหมอบลาบคาบแล้วพวกในค่ายเปลี่ยนเป็นการใช้ลูกยาวทันทีเมื่อรู้ว่าอาก้าไม่สามารถฝ่าทะลุที่กำบังของศัตรูเข้าไปได้พวกโจมตีก็เลยต้องเสือกตัวเองเข้าที่กำบังให้มิดชิดยิ่งขึ้นอีกกลายคนต้องกานคือไปหาที่กำบังแห่งใหม่ที่แข็งแรงกว่า คนที่อยู่นอกเป้าหมายของมันต้องเร่งในการสังหารไอ้ลูเบ40ให้ได้โดยเร็วจ่าดาวเหนือกับพันตรีเมริกันทั้งสองมอบอยู่ข้างกันตัวจ่าดาวเหนือนเองไม่ได้ยิงหรือทำอะไรเลยนอกจากมองเหตุการณ์ต่างๆในกล้องเล่นๆ เ, เ, เท่านั้นพันตรีโรเจอร์คงนึกมันมเลยจัด ก, การปอยไอ้เบ40คนที่อยู่เยื้องไปทางขวาไอ้นั่นร้องรันเราโดนเขาเต็มเป่าเพื่อนที่อยู่ข้างๆมีอาการถวาพันตรีคอรลินที่เห็นอยู่ได้ช่วยส่งเคราะ์ส่งไปเมืองผีคน เสียงปืนจากบังเกอร์นั้นขวันเงียบลงเช่นเดียวกับอีกหลายหายที่ที่เสียงเงียบลงไปแล้วส่วนที่ยังมีฤทธิ์อยู่คนที่อยู่ตรงนาอาจจะไม่มีมุมยิงคนที่อยู่ข้างๆเลยจัดการให้ตั้มระเบียบทั่วถังคายก็เลยไม่มีเสียงเบสิสิบอีกคงเหลือแต่อาการที่เปรียบเสมือนปลาตัวเล็กๆ เ, เ, เท่านั้นที่ยังพ้นพิดอยู่ลเล่สิงกองวางปืนในมือขวาวิทยุมาสร้างการ ไอ้พวกในร่องเหลงมึงจะเก็บมาไว้ทาไมไอ้ควายพ่อมึงนี่ไงฆ่ามันให้หมดฆ่ามันก่อนที่มันจะฆ่ามึงคนที่รับวิทยุต้องรับคําด่าเข้าไปเต็มหูเราสื่อคําสั่งให้คนที่ไม่มีวิทยุทันทีกองเหลงกราดอย่างรวดเร็วที่จะค้นหาเป้าหมายไม่ต้องแบ่งว่าเหยื่ออะไรไหนเป็นของใครใครเห็นใครพบใครยิงไม่มีการเจียงงอนหรือรอคําสั่ง จากการระดมยิงอย่างจริงจังนั้นเสียงอาการก็พันรถปริมาณลงไปอีกคราวนี้ดูเหมือนจะเหลือไม่ถึงหนึ่งในสี่ด้วยซ้ำเสียงอาวุธประเภทระเบิดหมดไปเหลือแต่เสียงอาการ์ทำให้ได้ยินเสียงร้องของคนที่ถูกยิงท น, ทนัดถนียิ่งขึ้นคลาใดที่เห็นศัตรูลม้มลงกับปืนตัวเองพวกโจมตียิ่งเกิดกําลังใจเหมือนกับสอยมะม่วงบนตน้นถึงเมื่ออยากได้ลูกไหนก็สอยลงมานี่ก็เหมือนกันไม่มีคําว่าพลาดเอาเสียเลย ยิงนี่นักก็ไปก่อนที่พ่อมันจะตั้งตัวได้ยิงก็ไปแง่มันโง่หัวขึ้นมาจากกล้องเล็งที่ซองเห็นนั้นพวกเวียดนามเหนือที่อยู่ในร่องเลทที่เห็นการตายของเพื่อนเริ่มเกิดความขยาดกลัวหลายคนพยายามที่จะไม่โผล่หัวออกมาเสียงปืนที่ดังนั้นเป็นการยิงแบบมีการเล็งที่ไม่ดีนักขนาดเล็งดีๆยังไม่โดนเพราะเป้าหมายอยู่ในความมืดแล้วนี่มันเล่นยิงแบบเพื่อฟุกแบบนี้ก็ยิงไม่ได้ผลหนักการน้ําตาติ๋วยิงก็ไปมันลงไปในรูหมดแล้วเห็นไหม ใล้สิ่งกองสั่งการตามแผนการยิงขั้นต่อไปเมื่อเห็นว่าพวกในร่องเลตตั้งหดหัวกันหมดคราวนี้เอ็สองถสาเริ่มใช้เอ็มเจกกระสุนแก๊สน้ำตาที่เตรียมมาโดยเฉพาะบรรจุเข้ารางเผลิงแล้วเริ่มยิงทั้งหมดรวมเป็นกว่าร้อยกระบอกเท่าจํานวนคนที่ระดมยิงออกไปพร้อมกันกองเหล่งที่เห็นเป้าหมายและมีเครื่องกําหนดระยะยุบภายในทําให้กระสุนตั้นละนัดล้วนเข้าเป้าที่หมายหลักของทุกกระบอกก็คือในร่องเลตที่พวกมันกบดานอยู่ ลมที่สงบทําให้ควันที่ออกมาจากระสุนระเบิดแก๊สน้ําตาไม่ลอยไปไหนคงลอยตัวอ้อยอิงอยู่ตรงที่มันระเบิดนั่นแก๊สที่เป็นควันกลายเป็นฉากบางไปเสียชีพการมองจากกรองไม่สามารถมองทะลุกลุมควันที่หนาแน่นนั้นไปได้เสียงคนที่อยู่ในค่ายวิ่งกันคึกคักเสียงร้องด้วยความเจ็แบแสบรูกในตาคนที่หลับตาวิ่งจนออกมานอกเขตควันก็เลยต้องโดนเอ็มสิบหกเข้าให้นานเกือบนาทีกว่าควันจะจาง ภาพคนวิ่งคนหมอบราบเอามือปิดหน้าปิดตาเริ่มมองเห็นยอจริงๆไอ้ควายเอ้ยร่องเลดมีไม่ยืซึ่งออกมาอยู่ข้างนอกยิงมันก็ไปพวกเรายิงก็ไป M16 กลานแหลงแล้วปล่อยกระสุนออกไปอีกยังไม่ปลาหนีปรสาสัยแม้คนไม่มีอาวุธอยู่ในมือร่างพวกเวียดนามเหนือถูกกระสุนร้อยเข้าตามตัวร้องโอดโอยเกิดกริ่งบางคนตายก่อนที่จะโดนสำบบางคนต้องสำจึงตายแต่รวมแล้วมันก็ตายเหมือนกันไม่มีใครรอดไปได้แม้แต่คนเดียว สำหรับพวกที่โดนแก๊สน้ำตาแล้วขึ้นมาบนลานกลางค่ายตอนที่43ตอนจบเสียงกับระเบิดดังขึ้นทางด้านตายที่ชาร์เตอร์23อยู่สแสดงว่าพวกทหารในค่ายถือโอกาสที่แก๊สกำลังหนาแน่นนั้นเป็นฉากสำหรับการแหวกวงล้อมแต่มันต้องมารับกัมจากกับระเบิดที่พวกมันวางไว้เองนับว่าถึงคราวที่มันต้องชดใช้กรัม หอกของมันกำลังทิ้มแทงมันเองสาทุพ่อมันกำลังจ่อไปแล้วไอ้ควายมัวทำอะไรอยู่วะชาร์เตอร์23หาแน้าส ก, กัดมันไว้ไอ้ควายพอบอชุดที่รับผิดชอบจุดนั้นที่มีรหัสชาร์เตอร์23าไม่ได้รับฟังวิทยุหรอก พอมัวเลงหายพวกที่กาลังแหวกวงล้อมอยู่ถึงไม่บอกมาชาเตอร์ยี่บสามก็จัดการอยู่แล้วทหารเวียดนามเหนือไม่น้อยกว่าห้าคนที่ไปไม่ถึงแนวกับระเบิดที่รอดไปได้ก็ต้องไปตายที่ดวงกับระเบิดของมันรวมแล้วไม่มีใครคนไหนรอดฝ่าไปได้เลยแม้แต่คนเดียวอีกครั้งที่เสียงกับระเบิดทำงานร่างของทหารเวียดนามเหนือที่เคยเดชศักดากับเล่าฉเฉลยต้องมาด่าวดิน ล่างแหลกเหลวความหนาแน่นของดงกับระเบิดที่มันบรรจงสร้างวางดักไว้นั้นมันไม่มีทางรอดผ่านไปได้เชลยทั้ง16คนที่อยู่ตามจุดต่างๆมองภาพเหล่านั้นด้วยความสะใจหลายคนกระเฮี้ยนกระหือหรื อ, อยากสังหารมันด้วยมือตัวเองบางเอ็มสิแบบธรรมดาที่ได้รับแจกนั้นมันไม่เหมาะเพราะเสียงมันจะทําให้เปิดเผยที่ตั้งโดยไม่จําเป็นชุดปฏิบัติการจึงต้องห้ามยิงไว้เชลยนั้นก็ดีใจหายที่สามารถระงับอารมณ์และเชื่อฟังเป็นอย่างดี เป้าหมายที่น่าสงสัยไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่กําบังที่หลบซ่อนจากที่คุ้นเคยมานานฉเฉลยศึกชี้บอกอาคารที่เป็นบอกก่อเกาะอาคารที่พักของพวกผู้คุมไม่มีเหลือแม้แต่หลังเดียวถูกหลังล้วนตกเป็นเหยื่อจรวดเอ็มเจ็ดทั้งสิน้นยกเว้นอาคารที่เป็นห้องควบคุมฉเฉลยเท่านั้นที่ได้รับการยกเว้นนอกจากนั้นต้องได้รับการดูแลอย่างดีอีกด้วยทหารเวียดนามเหนือคนใดที่เข้าไปไกลต้องถูกเก็บก่อนทันทีนอสตาจากันนี่เปลี่ยน เสียงวิทยุจากพันเอกนอรแมนดังลงมาเฮ้ฮันนี่คุณยังอยู่อีกเหรอทําไมล่ะนอสตาคุณถึงิดว่าผมไม่อยู่ก็คุณไม่ต้องทําอะไรนี่น่ะคุณจะมาอยู่ทําไมเชียร์สนอสตาผมไม่ใช่คนที่ชอบทิ้งเพื่อนร่ ง, งานหรอกนะครับนี่คือส่วนดีของคุณแหะฮันนี่โอเคนอสตาตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างโจล่าฮันนี่เหลือวีซีไม่กี่คนแลนะ้วนาฝ่ายเรากําลังลุกหนักอยู่กับที่อะไรของคุณวะลุกหนักอยู่กับที่โถฮันนี่ ก็ฝ่ายเราปักหลักอยู่กบพี่แล้วก็สังหารศัตรูในค่ายอะสิโอเคไอซี okay, คุณนี่ยอดจริงๆทําอย่างนั้นก็ได้ไม่ใช่ผ ม, มรมบอกคันนี้กองทัพซาลัดต่งหากล่ะอาวุธคุณนี่มันยอดจริงๆนะถ้าไม่ได้อาวุธของคุณมันก็ไม่น่าเหมือนกันว่าสวันจะตีค่ายมันแตกหรือเปล่าแล้ววันนี้คิดว่าอีกนานไหมที่จะเรียบร้อยอะคิดว่าไม่น่าเกิน2อชั่วโมงคงเรียบร้อยโรงเรียนแก้วโอเคแล้วเลในค่ายเป็นไงบ้างไอพวกนี้แย่จังเลยเขายิงกันจะเป็นจะตายมันเล่นนอนหลับลูกเดียวไม่ออกมาช่วยกันเลยนะ ก็แสดงพวกเขาปลอดภัยดีทุกคนก็ใช่สิมันมุดหัวอยู่แต่ในเรือโอเคขอบคุณมากนะนอสตายังไงก็แล้วแต่นะผมยอมรับขอบคุณคุณจริงๆฝีมือคุณเจ๋งมากเสียงวิทยุจากพันเอกนอร์แมนเงียบไปเครื่องบินที่จะต้องมารับกลับได้รับคําสั่งให้พร้อมในอีกสองชั่วโมงตอบมาลอยเอกสิงกองเมื่อเห็นว่าเสียงปืนจากทางด้านไหนทําท่าจะหมดไปชาเต้ทุกชุดรายงานเหตุการณ์เปลี่ยนจากชาเต้สิเอดไม่มีความเคลื่อนไหวในค่ายอีกเลยเปลี่ยน จากชาเตอร์สิยังมีสองสาคนมันอยู่ในที่กำบงังกำลังจ้องมันอยู่เปลี่ยนจากชาเตอร์สิบสาเรียบร้อยไม่พบความเคลื่อนไหวศัตรูเปลี่ยนจากชาเตอร์สิบี่เรียบร้อยไม่พบการเคลื่อนไหวศัตรูเปลี่ยนเป็นอันว่าที่ล้อมค่ายหนีแปดชุดกับที่ล้อมบ้านฟูอย่างอีกสี่ชุดรวมเป็นสิบสองชุดทุกชุดรายงานผลการปฏิบัติการครั้งสุดท้ายเข้ามาเรียบร้อยไม่มีความเคลื่อนไหวของฝ่ายเวียดนามเหนือในค่ายหรือในหมู่บ้านนั้นอีกโอเคทราบ ชาเตอริบสองเอาแก๊สน้ำตากระวิมเจ็ิบเก้าให้มันแดกหน่อยสิวะไล่สิ่งกองสั่งดังลันชนิดไม่ต้องกลัวใครจะได้ยินด้วยไม่ใช่เพียงกระบอกหรือสองกระบอกที่มเจ็สิบเก้าในมสองูนสามระดมยิงออกไปดูเหมือนจํานวนที่ยิงออกไปนั้นนับสิบกระบอกได้ตกครอบคุบพื้นที่เป็นบริเวณกวา้กา ง, งที่กําบังส่งที่คาดไว้พวกในค่ายอีสองสคนใช้เป็นที่กําบังนั้นแหลกระจุยแม้กระทั่งหมดก็ยังคงหลบอาศัยลบซ่อนไม่ได้ ทหารเวียดนามเหนือคนที่ต้องกระเซอะกระเซิงออกจากทีซอนเมื่อเจอกับแก๊สน้ำตาจ่าดาวเงินที่นอนดูมานานเกิดมันมือขึ้นกดเขาที่ล่างของเหยื่อรายนั้นอย่างแม่นยำจ่าดาวเหนือเลยหันมายกนิ้วโป้งให้แัตเตอร์ที่สองเรียบร้อยเปลี่ยนไล่สิ่งกองหันาทางชุดที่อยู่ร่วมโดยและสั่งการไอ้เหี้ยไอ้พวกเขี้ยพื้นที่เมื่อไหร่มึงจะไปสักทีก็ไปสิครับผู้กอง ชุดดาวเงิน12คนชุดดาวทอง12คนกับชุดพิเศษในหน่วยกำลังของร้อยเอกสิงกองอีกส0คนรวมทั้งหมด34คนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทันทีควันจะแก๊สน้ำตาจางลงมากแล้วจนไม่มีผลต่อร่างกายอีกทั้ง34คนใช้กล้องเล็งที่ปืนซ่องตรวจพื้นที่ขณะที่ลุกเข้าไปในลักษณะแถวหน้ากระดานคอยยางถาก้าวเข้าไปอย่างระมัดระวังหน้าแขา็หน้ามันตามที่ฝึกมา จึงไม่มีร่างใดที่นอนตายอยู่นั้นรอดสายตาไปจากการตรวจได้ทหารเวียดนามเหนือหลายคนที่ยังไม่ตายชุดเคลียร์ก็เลยสงเคราะอความตายให้กับมันซะเลยเป็นการตัดปัญหากระทั่งทั่วพื้นที่จ่าดาวเงินล้วงไฟฉายออกมาฉายตรวจคนอื่นก็เลยตามแสงไฟกลัดไปทั่วทุกซอกทุกมุมด้วยคนทั้งสามชุดที่กระจายกันออกค้นหาเรียบร้อยจ่าดาวเงินรายงานออกมาทุกคนที่ได้ยินถึงก็ทถอนหายใจ จ่าดาวเหนือนอนราบลงกับผืนล้วงเอาอาหารที่พันเอกนอมแมนฝากมากับหน่วยกำลังออกมากินอย่างหิวโหวยเพราะตั้งแต่เช้ามายังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยดาวเหนือคุณไม่เข้า้างในเหรอไม่หรอกครับผู้กองผมกลัวติดเชื้อจ่าดาวเหนือตอบแบบไม่มองหน้าใครเชื้ออะไรพี่ฉเฉลยคนหนึ่งถามเชื้อกีกากกี่เกลื่อนพวกมึงสิวะหมายถึงโรคผิวหนังที่ฉเฉลยมันเป็นกันทุกคนและเป็นกันจนทั่วตัวตั้งแต่หัวจะลดเท้าก็ว่าได้ ไม่ติดหรอกพี่พวกผมอยู่ด้วยกันยังไม่ติดกันเลยเออคงจะจริงของมึงว่ะเล่นเอาพันตรีเมริการทั้งสองคนต้องหดล้อ ง, งอหายเมเจอร์คุณรายงานฮันนี่ได้แล้วภายใ น, นหนึ่งชั่วโมงนี้เราจะไปถึงจุดรับกับจ้าดาวเหนือเกิดขี้เกียจขึ้นมาเสเฉยๆยังงั้นแหละในปากกาลังเคี้ยวอาหารอย่างอเนจอร่อยผู้กองให้คนงข้างนอกเข้ามาช่วยถลายห้องขังหน่อยสิครับเสียงข้างในตะโกนออกมาไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีปัญหาอะไร คนตีน่ะหน้าที่พวกมึงพวกข้างนอกมีหน้าที่ป้องกัน ร, รอบตัวเว้ยควายถ้ามึงเอาเฉลยกมาไม่ได้กูจะเอามึงนั่นแหละเข้าไปเป็นเฉลยแทนพวกมันพวกที่อยู่ข้างนอกก็เลยต้องขำขำที่อยู่ดีๆพวกข้างในก็หาเรื่องให้โดนด่าก็รู้อยู่แล้วพว้กองแกปากจัดอย่างอุสตส่าห์ทําอะไรให้แกด่าจนได้แล้วเสียงเฮฮาก็ดังลั่นไปทั่วทางค่ายเมื่อเฉลยตามห้องควบคุมต่างๆนั้นหลุดออกมา อิสรภาพที่เขาได้รับมันมีความหมายมากเหมือนกับการที่ตายแล้วได้เกิดใหม่ความทุกข์ทรมานใดๆในโลกนี้คงไม่ปานหลายคนหัวเราะหลายคนร้องไห้หลายคนเลื่อนลอยหรือจะอะไรก็แล้วแต่อาการเหล่านั้นล้วนเป็นอาการของคนที่ดีใจทั้งสิน้นเราเฉลได้รับคําสั่งให้ออกเดินสู่ประตูค่ายขณะเดินผ่านร่างที่ไร้วิญญาณของไอ้พวกผู้คุมนั้นก็ไม่หวายที่จะใช้เท้าถีบที่ล่างของมัน คิดว่าทําตอนที่ยังเป็นเป็นอยู่ไม่ได้ก็ทํามันตอนที่มันตายก็แล้วกันมันก็ทําเหมือนกันศพของเพื่อนเฉลยสองคนที่ตกเป็นเครื่องสังเวยอารมณ์ของให้อยู่หน้าค่ายเพื่อนเฉลยไม่ละเลยที่จะเอาออกมาด้วยและแม้แต่ศพของสิบเอกบิวที่ตายเองกระทั่งทุกคนออกมาสู่ประตูค่ายเฉลยคนที่ออกมาสู่อิสรภาพก่อนรับหน้าที่นําทางทุกคนสู่พื้นที่ที่กำหนดเป็นจุดรับกลับด้วยความชํานาญเส้นทางงานท้ายสุดคือการทําลายค่ายแห่งนั้นด้วยการระเบิดและเผา ชวงตตาเดียวที่ดินระเบิดแบบซงโก้ที่เป็นตัวนำแสงไฟ ล, ลุกสว่างจ้าขึ้นจับทองฟ้าหลงที่สงบรับคมขึ้นมาด้วยไอร้อนฉันเลยหลายคนต้องหันมามองแต่เการมองด้วยความโกรธแค้นชิงชังชีวิตเกือบต้องมาทิ้งเสร็จคคำว่าเวียดนามเหนือจะจารึกอยู่ในความทรงจำไปจนตลอดชีวิตหรือแม้แต่ชาตินาถ้าเกิดมาใหม่ลูกหลานจะได้รับการสืบทอดความแค้นอันนี้ ความแค้นอันเกิดจากการที่ไม่ใช่คนของเวียดนามเหนือแม้ตัวเองจะต้องตายไปเชื่อเถิดว่าลูกหลานต้องแก้แค้นนี้แท น, นจนจบสิ้นกันกับความเลวร้ายที่ไม่สามารถจะหาสิ่งใดในโลกมาเปรียบเทียบได้คอตาไว้ว่าเวียดนามเหนือคือชาติที่โหดเหี้ยมที่สุดในโลกมันเห็นคนไม่ใช่คนน้ำตาที่เอ่อทนออกมาคลอเบา กับเสียงหัวเราะที่แปลงตานั้นคือเสียงแห่งความเกลียดกลัวใจที่ภาวนาสราบแชง่งหากความศักดิ์สิทธิ์ใดในโลกนี้มีจริงขอให้กรรมนี้จงสนองกับพวกมันด้วยเถิดภารกิจเสร็จสิน้นโดยที่ฝ่ายเขาชิงตัวฉเฉลยไม่มีการสูญเสียแม้แต่คนเดียวคราวนี้นับเป็นความสาเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่ดําเนินการโดยพันเอกนอแมนใส่นาทีการใหญ่แห่งกองกําลังสหรัฐอเมริกาประจําประเทศลาว จาดาวเหนืออดภูมิใจเสียม่ได้เมื่อพันเอกนอร์แมนมารับพวกเขาด้วยตัวเองเมื่อชุดของเขาเป็นชุดสุดท้ายที่เดินทางออกจากพื้นที่นอรตาคุณจะไปกรุงเทพหรือโตเกียวแล้วมันต่างกันยังไงล่ะครับเอาก็ที่กรุงเทพมันของปลอมแต่ที่โตเกียวมันของแท้สิเอาก็ u, แล้วใครจะเอาของปลอมล่ะครับถ้ารู้ว่าของแท้อยู่ที่ไหนก็ไปเอาที่นั่นสิครับโอเคงั้นผมจะไปเอาของแท้กับพวกคุณด้วยเราไปกันทั้งสิบสี่สิบห้าคนนี้เลยแล้วกันดีไหม ดีครับเออเคนเนลครับผมถามอะไรสักนิดเถอะครับเอาซิว่ามาเลยที่ผมด่าเคเนลไปเนี่ยเคนเนล โ, โกรธบ้างหรือเปล่าครับอุ้ยโกรธอะไรที่ไหนเล่าผมก็ด่าคุณมั่งไม่ใช่เหรอทําไปทํามาทั้งหมดก็เลยต้องหดร้องอหายนี่คือน้ําใจที่นักรบต่างสัญชาติตั้งมีให้แก่กัน